ซองกังตอนที่เก้าสิบสี่ส่งเจียน ไ, ไว้ทุกที่เขตทหารหนึ่งให้จางชุนกลายเป็นผีที่ประตูหยงจินเฟยเป้ากล่าวแก่ลี่จุนว่าน้อง เ, เพียงแค่คนป่าปัญญาเถื่อนแต่ก็เคยได้ยินปราดท่านกล่าวว่าคนเราเมื่อมีแพ้ต่อไปก็ย่อมต้องมีชนะมีสุขแล้วก็ต้องสลับกลับมามีทุกข์อันว่าท่านพี่นั้นตั้งตัวขึ้นที่เหลียงซานมาก็นานหลายปีรบที่ไหนเป็นชนะไปทุกศึกพอขึ้นไปปราบเดี๋ยวตาตา้าก็ไม่สูญเสียพี่น้องไปเลยแม้แต่คนเดียวแต่ปัจบันนี้พี่ลงมาปราบฟังล่ะเส้นชีวิตพี่ก็เริ่มแตกสลายพี่จะฝืนต่อไปคงไม่ไหวอีกเป็นแน่ ถ้าจะถามว่าเหตุไหนผู้น้องจึงไม่ยินดีจะทำราชการเช่นนั้นล่ะหรือขอรับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพอบ้านเมืองสงบก็ย่อมจะมีคนแล้วคนเล่าพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเอาชีวิตก็ดังพาสิทธิ์เก่าท่านบอกเพื่อรังสันความสงบตัวนักรบจ้อจะหาความสงบไม่มีคำพูดนี้เป็นจริงสิ่งเที่ยแท้พวกเราสี่พวกท่านพี่สามให้สัตสบานเป็นพี่น้องกันแล้วทาไมล่ะขอรับ เวลาที่โชคยังพอมียังเช่นในตอนนี้ฉันไหนไม่พากันไปสแสวงหาที่พมณกพักพิงเราเอาทรัพย์สินเงินทองมากองรวมกันต่อเรือลำใหญ่สักลำหากลาสีดีๆออกตระเวนไปตามลำน้ำล่องไปให้ทั่วท้องสมุทรสแสวงหาที่ตั้งรกรากสักแห่งใช้ชีวิตที่เหลือไปจนกว่าจะสิ้นอะไรมันจะไปหวานชื่นยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วละครับลี่จุนโค้งคำนับแล้วตอบกลับว่าแม่น้องพี่ คำพูดท่านทําให้พี่ตาสว่างเลยทีเดียวที่ท่านชี้มานี้ดีแทๆ้ๆแต่ถ้าว่าเรายังปราบฟังล่าไม่ลงตัวพี่ก็ยังมีพันธะอยู่กับพี่ท่งเจียนจะให้ทิ้งไปอย่างไรได้จะให้ไปตอนเนี้ยังไม่ได้ดอกหากคืนไปก็เท่ากับละทิ้งความผูกพันแห่งความซื่อตรงคงมั่นในหลักคุณธรรมน้ำมิตรหากพวกท่านจะรอจนกว่าเราพิชิตฟังล่าได้ตัวพี่กับน้องทั้งสองก็ยินดีจะไปกับพวกท่าน แต่ตอนนี้พวกท่านเริ่มเตรียมการไปพังพลางกา่อนหากผิดคำมั่นสัญญาก็ขอสวรรค์อย่าได้เมตตาปราณีพี่ก็จะไม่ใช่คนจริงอีกต่อไปพวกเราจะเตรียมเรือขอรับพวกกล้าทั้งสี่เอ่ยพี่ใหญ่เราจะรอคอยพี่กลับมาโปรดอย่าทำให้เราต้องผิดหวังนะขอรับลีจุนกับเฟยเป้าใช้เหล้าผนึกเป็นสัญญาทุกคนปาวรณาว่า จะยิดมั่นอยู่ในทํานองคลองธรรมวันรุ่งขึ้นลี่จุนก็อําลาคนทั้งสี่กลับมายังค่ายพร้อมด้วยพี่น้องถงแล้วรายงานว่าคนทั้งสี่ไม่มีผู้ใดยอยากรับราชการขอใช้ชีวิตเยี่ยงชาวประมงจะมีความสุขกว่าทรงเจียงก็ได้แต่ทอดถอนใจ แล้วหันไปเตรียมความพร้อมการรุกใจของทัพเรือและทัพปกในตอนนั้นตำบลบู่เจียงปลอดจากฝ่ายขบวไปแล้วกองทัพส่งก็เข้ายึดผิงหวางแล้วเคลื่อนทัพต่อลงไปทางจังหวัดซิวโจ ต่วนไข่คุณพลผู้รักษาเมืองเมื่อทราบเรื่องว่าเจ้าฟ้าสามฟางังเมาวสวนคตและเสียสู่โจไปแล้วในกำมลจิตจึงมีแต่คิดจะหนีจะเลิกพอทราบว่าทัพหลังของท่งเจียงอยู่ไม่ไกลจากเมืองและเห็นท่องทีิวจากทัพ บ, บกสาวกระดงจากทัพเรือทั้งมา้าทั้งเรือทั้งคนมืดฟ้ามัวดินไปสิ้นก็กลัวจนตัวสั่นอวนเชงและฉินหมิงนํากองหน้ามาถึงเชิงกำแพงบรรดาเรือรบก็ประชิดเข้าทางประตูเมืองด้านทิศตะวันตก พวพกทไต อ, ตอต่วนไข่ตะกรนลงจากเชิงเทินเราจะขอยกอแพ้ว่าแล้วก็สั่งการให้ทหารเปิดประตูเมืองเชิญส่งเจียงเข้ามานั่งในสาราว่าการล้มแกะยกเหล้าออกมาเลี้ยนดูปูเสือต่วนไข่มาออกตัวเป็นคนแรกส่งเจียงให้เกียรติถือเสมอขุนนางที่ดีแล้วออกประกาศรับรองความปลอดภัยของไพ่ฟ้าประชาราษฎร์ แต่เดิมข้าน้อยก็เป็นพลเมืองดีที่นับถือตัวบทกฎหมายอยู่ในจังหวัดหมู่โจตวนไข่เอ่ยแต่ข้าน้อยถูกฝังหน้าคมคูอยู่เสมอมาจนถูกบีบให้ต้องมาเป็นข้าช่วงใช้วันนี้กองทัพสวรมาถึงที่นี่ข้าน้อยไม่เคยแม้แต่จะฝันเป็นอย่างอื่นว่าจะไม่สวามิภักดิ์คนอย่างตวนไข่ประหนักดีว่าราชวงศ์ส้งคือลิขิตฟ้าเออใครเป็นผู้รักษาเมืองหางโจในสังกัดเขตทหารหนิงให้ ส่งเจียงถามแล้วหางโจมีไพร่พ ล, าพลจานวนเท่าใดเมืองหางโจ้มีอาณาเขตกว้างใหญ่ประชากรหนาแน่นทางทิศตะวันออกกับทิศเหนือเป็นแผ่นดินทิศใต้ติดแม่น้ําส่วนทางทิศตะวันตกเป็นทะเลสาบผู้รักษาการคือเจ้าฟ้าฟางเถียนติงฟ้าชายแห่งแดนใต้สันติสุขราชบุตรองคโตของฝา่งล่ามีทหารในสังกัดมากกว่าเจ็ดหมืนคนมีขนพลยี่สิบสี่จ้องพลอีกสี่รวมเป็นยี่สิบแปดคน มีอยู่สองคนในนั้นกล้าแข็งยิ่งนักผู้หนึ่งเป็นหลวงจีนจากสอโจมีนามวา่าพระพุทธรังสีมุนีเจ้าแต่เดิมชื่อวา่าเติ้งหยวนจัวถือไม่เท่าพระธรรมหนักกว่าห้าสิบช่างใครๆก็เรียกกันวา่าที่ปรึกษาแห่งราชนาจักรอีกผู้หนึ่งมีนามวา่าซื่อเป้าเป็นคนมาจากฟูโจมีอาวุธเป็นขวานฟ้าว่างได้แม่นยำไม่มีผิดพลาดนอกจากนี้ยังมีกระบี่วิเศษนามวา่า ภาวายุตัดเล็กพาสำมฤทธิ์ต่อให้ใส่เกราะหนาสามชั้นก็ยังฟันได้กระจุยส่วนขุนพลอีกยี่สิบหนั้นก็ล้วนผ่านการคัดสรรทั้งเด็ดเดี่ยวและกล้าห า, ชาญชานชัยเป็นยิ่งใต้เทา้าอย่าได้ประมาทพวกมันเป็นอันขาดสรงเจียนตกรางวัลให้ต่วนไข่และสั่งให้ไปไรายงานเรื่องนี้กับสมุหเทาพาภิบาลจ้างต่อมาต่วนไข่ได้เข้าสังกัดในกองทัพของสมุหเทาพาภิบาลในการรบป้องกันเมืองซูจโจ รองผู้ว่าการทหารหลิวกวงสือได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการทหารแห่งเมืองซิวโจเพราะถึงตอนนี้ส่งเจียนก็เคลื่อนย้ายไพ่ผลของตนลงมาตั้งค่ายอยู่ที่หมู่บ้านสาลาซุยลี่หลังจากจัดเลี้ยงและปูบนบําเหน็จบรรดาหัวหน้าต่างๆแล้วส่งเจียนก็หารือกับพวกเขาในการเข้าตีหางโจใช้จีนสลาตา น, น้อยก็ผดลุกขึ้นกล่าวออกไปว่าตั้งแต่ท่านพี่ได้ไปช่วยชีวิตข้าน้อยจากในเกาถังในครั้งด่านั้น พี่กระทุ่มเทความเมตตาปราณีให้เสมอมาไม่ได้ขาดย ก, ยกย่องเชิดชูให้เกียรติอย่างที่ไม่สมควรจะได้รับราชนีกูลหนุ่มเอ่ยแต่จนแล้วจนรอดข้าก็ยังไม่อาจแทนคุณสิ่งนี้ได้เป็นชิ้นเป็นอันมาวันเนี้ข้าจึงใคร่จะปลามตัวเป็นสายแทรกเข้าแนวหลังของฝางล่าหากนั่นจะเป็นคุณแม้สักเพียงกระเพริกลิ้นก็ยินดีจะขอถวายเป็นราชพลีและจะพร้อยได้เป็นสักเป็นสีของพี่ไปด้วย ข้าสงสัยว่าท่านพี่จะอนุญาตหรือไม่ทรงเจียงให้ดีใจนักแม่หากร่วงรู้เส้นสนกนในของข้าศึกถึงขนาดนั้นได้เราย่อมจู่โจมและจับตัวฟางล่าไอ้หัวหน้าขบศ ท, ทรงตัวไปยังราชสำนักประกอบส่วนในชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ได้เป็นแม่นมัน่นเกรงอยู่ก็แต่ว่าภารกิจนั้นมันจะลำบากจนเกินไปอุย้ยมันจะเป็นลำบากอะไรกันนะักหนาละขอรับถึงตายข้าก็ยังไม่หวัน่น จะขอก็เพียงเอาเหยียนชิงไปด้วยจะได้ช่วยกันเขารู้สำเนียงถิ่นคล่องแคล่วมีไหวพริบปฏิพันธ์ไจะเป็นไรมีได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เหยียนชิงอยู่กับทัพของท่านลู่จุนยี่ข้าจะส่งคำสั่งไปขอตัวมาเดี๋ยวนี้แหละก็ในตอนนั้นนั่นเองมีคนมาประกาศว่าเหยียนฉิงทูตพิเศษจากแม่ทัพลู่มารายงานข่าวชัยชนะของร ท่านจะต้องสาเร็จเป็นแน่อซ่งเจียงเอ่ยกับใช้จิ้นด้วยความยินดีเขามาตอนที่เราต้องการตัวอยู่พอดีอย่างเนี้ยนะเป็นลางดีแ ท, ะทะ้ๆใช้จิ้นเองก็ดีใจไม่น้อยเย็ยนฉิงก้าวเข้ามาในกระโจมคารวะซ่งเจียงอย่างนอบน้อมพวกเขาเลี้ยงดูปูเสือเป็นการต้อนรับท่านมาทางน้ำหรือทางบกมาเรือขอรับครั้งก่อนนะ่ะนะ ท่านใต้โจงมาเรงงานว่าพวกท่านกำลังตีหูโจเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างซ่งเจียงสักเออหลังออกจากสวนโจแม่ทับลู่แบ่งทัพออกเป็นสองกองเยยนฉิงตอบเครื่องหนึ่งเป็นทัพหน้าเข้าตีหูโจพวกเขาสังหารกองเวินหัวหน้าค่ายกับผู้ปัะชาการระดับรองอีกห้าคนแล้วยึดเมืองทำลายกองทัพที่นั่นแตกหนีไปให้ความมั่นใจกับประชาชนและรายงานขึ้นไปที่สมุหเทสาพิบาลจ้าง ร้องขอให้ส่งข้าหลวงไปรักษาเมืองส่วนข้าถูกสั่งให้มาราย ง, งานท่านพี่ที่นี่ส่วนทัพอีกเครื่องหนึ่งภายใต้การบัญชาของท่านหลินชงถูกส่งไปยึดด่านสนเดียวแล้วให้ยกมาสมทบกับเราบุกขางโจข้าได้ยินว่าพวกเขาออกรบบนถนนหลวงเป็นทางที่จะขึ้นไปยังด่านทุกวันแต่ก็ยังยึดไม่ได้ท่านแม่ทัพลู่กับท่านจูวูจึงต้องเดินทางไ ป, ปราชาการรบด้วยตัวเองทิ้งขุนพลหูเหวียนให้รักษาหูโจ ให้คอยจนกว่าท่านสมหะเทศาพิบาลจะส่งข้าหลวงมารับช่วงแล้วท่านหูเวียนจึงจะลงมาตีจังหวัดเตอ๋อชิงก่อนจะมาบรรจบทัพที่หางโจกับเรามีหัวหน้าร่วมรบกี่คนละ่ะในการขึ้นไปตีต่านสนเดียวหารวมท่านลู่จุนยี่ท่านจูวูและท่านหลินชงแล้วก็มีหัวหน้าทั้งสิ้นยี่สิบสามคนอีกสิบเก้าคนพร้อมท่านหูเวียนอยู่รักษาหูโจแล้วจะลงไปตีเตอ๋อิง ตอนข้าจากมาพวกเขากำลังรบกันอยู่ครับเออในสถานการณ์เช่นเนี้ยแมงกำลังออกเป็นสองสายนับว่าดีที่สุดท่านชายช้จะขอให้ท่านไปเป็นผู้ช่วยเลดลอดเข้าไปหาข่าวในดินแดนของฟางล่าท่านจะยินดีไหมล่ะขอรับเฮ้ยไม่มีปัญหาดอกหากนั่นเป็นคำสั่งของท่านแม่ทัพใหญ่ช้จิ้นเอ่ยขึ้นด้วยความยินดีข้จะแต่งเป็นบดิตชุดขาวส่วนท่านปลอมเป็นคนรับใช้สะพายพินัเต้ากระบี่ และหนังสือตำรานายบ่าวเพียงสองคนเท่าเนี้ยคงไม่มีผู้ใดสงสัยพอขึ้นฟัง่งค่อยหาเรือล่องผ่านไปทางเยโจใช้ทางเล็กอ้อมผ่านไปทางตำบลจูจ้จากนั้นก็ข้ามเขาจากเขาลูกนั้นไปมูโจก็อีกไม่ไกลเยโจเป็นส่วนหนึ่งของจงก่อของเราซ่งเจี้ยนบอกฟังล่ยังไม่ได้ยึดแถบนั้นข้าจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นให้อำนวยความสะดวกในการผ่านแดน พอกําหนดเวลาออกเดินทางมาถึงใช้จิ้นกับเหยี่ยมฉิงก็กล่าวอําลาส่งเจียงแบกพิน้ําเต้ากระบี่และห่อตําราจากไปยังชายฝั่งทะเลหาเรือและเริ่มการเดินทางหาข่าวเรื่องนี้เราจะไม่กล่าวถึงอีกครับขณะเดียวกันบูยงที่ปรึกษาทัพก็เอ่ยขึ้นกับส่งเจียงว่าด่านทิศใต้ของเมืองหางโจเป็นแม่น้ําเหยียนถังแม่น้ําสายเนี้ยไหลลงทะเลใช้คนไม่กี่คน พาเรือเล็กแล่นอ้อมฟังผ่านประตูเจ้าสารก็เข้าประชิดประตูด้านทิศใต้ของตัวเมืองได้หากพวกเขายิงปืนใหญ่ชักธงสัญญาณขึ้นก็คงจะทําให้ชาวเมืองหังโจโกุลหลอนปันปืนได้ไม่น้อยเลยทีเดียวท่านจะให้ไปทับเรือคนไหนรับภาระนี้ไปทําขอรับให้เราไปขอรับให้เราไปขอรับจ้างเพลงกับสามพี่น้องตระกูลหยวนเอ่ยขึ้นพร้อมกันพวกท่านไปกันหมดไม่ได้หรอก ทางตะวันตกของหางโจวก็ติดทะเลสาบเรายังต้องใช้เรือรบข้ามไปตีเช่นกันส่งเจียงเอ่ยพ่อเช่นนั้นให้จางเห็นกับหยวนที่เจ็ดไปก็พอวูหยงบอกกับคนทั้งสองพวกท่านทั้งสองเอาโหเจี้ยนกับตัวจิงโจ้ไปช่วยอีกแรงหนึ่ง หัวหน้าทั้งสี่ก็ได้รับเลือกพร้อมกะลาสีเรืออีกราวสามสิบคนก็ออกไปขนปืนใหญ่สิบกว่ากระบอกและธงสัญญาณไปด้วยพวกเขาค้นไปทั่วฝั่งน้ำก็ได้เรือลำหนึ่งจึงลัดเลาะเข้าไปในแม่น้ำเฉียนถังครับท่านผู้ฟังโปรดฟังทางนี้ขอรับเหตุการณ์ในตอนนี้ยอกย้อนซ่อนเงื่อนยิ่งนักแถมเล่าสืบต่อกันมาก็ช้านานแล้วเราก็ไม่อาจจะให้รายละเอียดทั้งหมดภายในองค์เดียวแต่จะขอรวบรัดอย่างคร่าว ดังจะกล่าวต่อไปนี้กรุณาจำเอาไว้ให้ดีนะขอรับมิเช่นนั้นท่านจะตามเรื่องไม่ทันส่งเจียงกลับเมืองซิวโจไปวางแผนตีหางโจทันใดนั้นก็ได้ทราบข่าวว่าข้าหลวงแทนพระองค์เดินทางมาจากเมืองหลวงตะวันออกพร้อมด้วยสุราหลวงและของกำนั a น ทรงเจียงและบรรดาหัวหน้าก็าออกนอกเมืองไปต้อนรับพาพวกเขาเข้ามาในเมืองและกล่าวขอบพระคุณจัดงานเลี้ยงต้อนรับด้วยสุราหลวงที่ได้รับพระราชทานในระหว่างดื่มกินข้าหลวงก็บอกว่าพระจกักรพรรดิทรงประชวรเล็กน้อยหมอหลวงต้องการตัวหมออันเต้ากวนไปปรุงโอสถถวายพระบรมราชโองการนั้นออกมาแล้วและข้าหลวงจะมาเอาตัวหมออันไปพร้อมกันด้วยทรงเจียงไม่กล้าปฏิเสธวันรุ่งขึ้นก็พากันไปส่งหมออัน ที่จะเดินทางไปยังเมืองหลวงตะวันออกพร้อมข้าหลวงถึงสิบลี้หลังจากแจกจ่ายรางวัลกันในหมู่หัวหน้าเสร็จท่งเจียนก็กำหนดวันสมโภชเส้นไหวทงชัยของกองทัพและเริ่มเคลื่อนพล กล่าวอําลารองผู้บัญชาการทหารหลิวกวางสือเสนาธิการทัพเกงแล้วขึ้นม้าออกเดินทางทับม้าไปทางบกทับเรือไปทางน้ำพอเข้าใกล้ตำบลสงเตอ๋อขุนพลฝ่ายขบฏก็เพนนีเข้าหางโจขณะเดียวกันเจ้าฟ้าฟางเถียนติ่งราชบุตรองค์ใหญ่ของฟางล่ากำลังหารือข้ราชการกับทหารอยู่ในวังนอกอันเป็นจุดที่ตั้งของพระราชวังมังกรทยานในปัจจุบันนี้ผดิพอดี คุนทหารทั้ง28คนถกเถียงกันถึงวิธีรับมือกับกองทัพส่งในจํานวนนี้มีสี่คนเป็นจอมพลประกอบด้วยพระพุทธรังสีมุนีเจ้าเติ้งหยวนจัวเทพปรึกษาแห่งราชนาจักรจอมพลสื่อเป้าวิรพุรุษแห่งแดนใต้ขุนพลลี่เถียนรุนผู้เหยียบปัตพีและขุนพลสือสิงฟางผู้พิทักษ์แผ่นดินฉายาทางทงหารดังกล่าวล้วนได้รับพระราชทานจากพระเจ้าฝ่างล่าทั้งสิ้นเฮ้ยท hey, ับตั้งแต่ส่งเจียง ยกทั nut, office, floor, so ้ใหญ่ทั้งบกทั้งน้ำลุกล้ำมาทางเจนนันไฟเราก็เสียหัวเมืองใหญ่ไปถึงสามแขวงเจ้าฟ้าฟางเถียนติ่งรับสั่งไม่เพียงหางโจเท่านั้นที่ตั้งมั่นดักผนังเรือใหญ่แห่งเจนนานหากเราเสียเมืองไปแล้วหมู่โจจะอยู่อย่างไรได้เมื่อไม่นานมานี้ขันทีผู้เหมือนหญิงโหราธิบดีของเราถวายรายงานว่าดาวมาร์ตัปพีจะเข้ารุกรานแผ่นดินบูแล้วการก็เป็นจริงดังว่า เราต้องพ่ายแพ้อย่างหนักให้กับทัพส่งพวกท่านขุนทหารต่างนั่งในตำแหน่งใหญ่โตวพวกท่านแต่ละคนล้วนเป็นนิสิตแผ่นดินดังนั้นขออย่าให้มีผู้ใดย่อย่อนในการถวายงานในหน้าที่ราชาการแก่ราชบลาลังเป็นเด็ดขาดโปรดวางใจเถิดพะะ่อยกขคาขุนทหารเหล่านั้นเพชรทูลด้วยไพลเอกคนที่กล้าแข็งแม้ทัพในกองที่ดนุกดันไพเราเหนือกว่าทัพส่งเกียงมากนะ เหตุที่เราต้องเสียไปหลายหัวเมืองก็เพราะเนตทหารที่รับผิดชอบพวกนั้นล้วนไร้สมรรถภาพจึงได้แพ้เขาเรามารู้ว่าทรงเจียงกับลู่จุนยี่แบ่งกำลังบุกเราจากสามทิศทางหากพระองค์กับท่านปูโรหิตจะอยู่รักษาเขตหนิงให้เอาไว้เป็นทงชัยพวกเราขุนพลทั้งหลายก็จะกระจายกำลังออกไปรับมือข้าศึกที่บุกลงมาฟ้าชายฟางเสียนติ่งพอพระไทยรับสั่งให้แบ่งกองทัพออกเป็นสามสาย พระองค์ทรงรั้งเฉพาะโปรฮิตเตอร์เอาไว้ป้องกันหางโจให้จอมพลที่เหลืออีกสามคนบัญชาทัพทั้งสามสายคือให้จอมพลสือส้อซิงฟางนำสี่ขุนพลยกขึ้นไปช่วยจังหวัดเต๋อชิงให้จอมพลรีดเทียนรุนพาอีกสี่ขุนพลไปช่วยด่านสนเดียวให้จอมพลสื่อเป้าเป็นจอมพลบัญชาการบวกกับขุนพลอีก8ดคนยกไปรับทัพหลวงของซ่งเจียงจอมพลทั้งสี่ได้รับเพลิรเพลินเงินทองและผ้าไหม เพื่อเป็นกำลังใจในการนำทัพออกไปจอมพลสือที่ยกออกไปเต๋อชิงก็นำทัพไปตั้งมั่นยังตำบลเฟงโถส่วนจอมพลลี่ที่มีเป้าหมายที่ด่านสนเดี่ยวก็ยกไปตั้งมั่นที่จังหวัดอยู่หางฝ่ายกองทัพส่งเจียงที่ยกอ้อมลงมาถึงตีนเขาหลินผิงมองขึ้นไปบนยอดก็เห็นธงแดงสะเพริบสะพรั่งและผู้คนเต็มไปื้น ส้มจี้งส่งหัวหลงกับฉินหมิงเป็นหน่วยล่วงหน้าออกไปแล้วเร่งให้บรดาแม่ทับเรือที่บัดนี้ยกขึ้นมาใส่ล้อรีบข้ามประตูน้ําฉางอันหัวหลงกับฉินหมิงพร้อมกําลังพลพันหนึ่งอ้อมปากทางเข้าสู่หุบเขาก็พบจอมพลสื่อเป้าและทับฝ่ายใต้ตั้งประจันอยู่จอมพลสืบเป้าสั่งสองคนพลให้บุกใส่สองคนหน้าในทันที 1. ในนั้นคือขุนพลหวางเหรินอีกหนึ่งคือขุนพลเฟิยี่ทั้งสองถือหอกยาว กองทัพฝ่ายส่งรีบกระจายกําลังออกรับมือชินมิงกวัดแหวงกระบองฟันหมาป่าตรงเข้ารับมือเฟ่งยี่หัวหลงก็ลู่หอ อ, กออกรบกับหวางเหรินสี่ม้าเข้าคลุกสี่ขุนพลก็บุกเข้าปะทะสู้กันมาได้กว่าสิบเพลงก็ไม่มีผู้ใดแพ้ชนะสองหัวหน้าเห็นว่าทหารฝ่ายใต้มีกองหนุนมาเสริมจากด้านหลังจึงตะโกนออกไปว่าเอา ทักสักเดี๋ยวกอนกินข้าวกินปลากันก่อนแล้วชักม้าพระปราทีตังหัวโรงเ อ, อ่ยขึ้นว่ายาพิ่งร้อนรบไปก่อนเลยขอรับรีบรายงานเรื่องนี้ขึ้นไปที่ท่านพี่ทรงเจียงท่านคงจะมีเรื่องหารือปรับกลยุทธ์ม้าเร็วส่งข่าวขึ้นไปยังทัพหลวงทรงเจียงรีบพาจูถงสุนิงหวงซินและซุนลี่ขึ้นมา้ายกหนุนขึ้นมายังแนวหน้า หวังหลุนกับเฟงยี่สองคนวรฝ่ายใต้ก็ชักม้าออกมาอีกเฮ้เรารอท่าไอ้คุนทหารขี้แพ้มาตะกี้พวกมึงออกมาสู้กันอีกทีจะดีหรือไม่ทั้งสองตะโกนขึ้นชิ้นหน่งได้ฟังก็โกรธแกว่งกระบองฟันหมาป่าเข้าใส่เฟงยี่ วางหลินเท้าหัวหลงแต่ก่อนที่ใครจะทันขยับสู้หนิงก็ราบห อ, อกลูกลงเดือยที่ส้นกระต้นสีข้างมา้าสู้หนิงกับหัวหลงเป็นผู้ประสิการมือหนึ่งและมือสองคนหนึ่งมีฉายาว่าครูพลห อ, อกเหล็กแต่ดันใช้ห อ, อกทองอีกคนมีฉายาว่าขุนพลแขนเหล็กแต่ก็ดินใช้ห อ, อกเงินด้วยเหตุเป็นมือหนึ่งมือสองหัวหลงจึงเทียบดอกเกาทันเข้ากับคันธนูกระต้นมา้าตามไปพอเข้าใกล้ก่อนที่ทั้งสองจะทันเข้าปะทะ หัวโลงก็ดีดเกาทันออกจากแหล่งลูกดอกติดขนนกดอกนั้นเสียบหวางเหรินตกจากหลังม้าทหารเจียงหนานเห็นเขาก็ขวัญเสียเฟิงยี่พอเห็นเพื่อนล้มมือไม้ก็เชื่อมช้าชิงหนิงเอากระบองหวดเข้าที่หัวไมยหนึ่งขุนพลเจียงหนานพวกนั้นก็ตกม้าไปอีก ทหารฝ่ายใต้แตกกระเจิงทหารจากทับส่งเข้าถือเอาเราวผักปลาซื่อเป้าไม่อาจจะพลิกสถานการณ์จึงล่าถอยไปจนถึงเขาเกาถิงแล้วจึงตั้งค่ายที่สะพานนวบุรพาแต่ก็ยังรู้สึกไม่มั่นคงอยู่นั่นเองคำนั้นจึงพากันถอนเข้าเมืองพอรุ่งขึ้นทับส่งยกข้ามเนินเกาถิงแล้วมาตั้งค่ายลงแทนที่สะพานนวบุรพา ทรงเจียงจึงสั่งแบ่งทัพออกเป็นสามกองแล้วเคลื่อนเข้าบีบหางโจวเป็นสามทางสายแรกเป็นทหารราบยกมาตามเส้นทางจากฐานเจิน้นเข้าตีประตูทางทิศตะวันออกสายที่สองซึ่งไปทับเรือของลี่จุนให้เคลื่อนจากสะพานนวะอุดรเข้ายึดกูถังเพื่อตัดเส้นทางที่ศัตรูอาจจะมาจาับทางตะวันตกก่อนแล้วจึงจะเลยลงมาตีที่กำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกที่ติดกับทะเลสาบซีหู ส่วนสายที่3เป็นทัพหลวงที่ประกอบด้วยทหารราบทหารม้าและทหารเรือทัพหลวงนี้ยังแบ่งออกเป็น3มกองคือกองหนึ่งเข้าตีประตูเป่ยกวนทางทิศเหนือกองสองเข้าตีประตูเกณฑ์ซานและกองทัพที่สมีทั้งทางน้ำและทางบกทำหน้าที่เป็นกองหนุนโดยมีส่งเจี้ยงที่ปรึกษาทัพปูหยงและกองประชาการทั้งหมดตามมาพอตกลงกันเรียบร้อยทัพทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติการ เราจะมาว่ากันถึงกองหน้าในทัพหลวงที่นำโดยกวนเชงขุนพลเงาใหญ่มีหน้าที่เข้าตีอย่างเชิงที่สะพานนวบุรพาแต่พอไปถึงกลับปรากฏว่าไม่เห็นทหารฝ่ายใต้เลยแม้แต่คนเดียวกวนเชงนึกสงสัยจึงหน้าถอยออกมาแล้วส่งม้าเร็วไปราย ง, งานส่งเจียงซึ่งส่งใต้จงรุตมาบอกว่าเราจะเคลื่อนพลโดยประมาทไม่ได้จงให้หัวหน้าสองคนพาหน่วยย่อยออกไปตีอย่างเชิงก่อนเข้าตีเรื่อยๆทุกวัน ส่งเจียมสั่งวันแรกเป็นหน้าที่ของหัวโงกับชิ้นหมิงวันที่สองเป็นหน้าที่ของสู้หนิงกับห่าวซื่อเวินพวกเขาผลัดกันทําเช่นนั้นอยู่หลายวันก็ไม่เห็นข้าศึกออกมารับมือแต่อย่างใดในวันนั้นมาถึงตาสู้หนิงกับห่าวซื่อเวินทั้งสองพร้อมม้าไม่กี่สิบม้าก็ล่วงเข้าไปจนถึงประตูเปิดกวนก็เห็นประตูเมืองเปิดกว้างอยู่จึงชักม้าขึ้นไปเหยียบสะพานชักข้ามคูเมืองแล้วฉเฉงงื้อดู แต่ทันใดนั้นของกลองบนเชิงเทินก็ดังก้องขึ้นทับม้าของทหารฝ่ายใต้พุ่งออกมาควรหน้าทั้งสองเรียบชักม้ากลับแต่ฉับทันนั้นเสียงปูตวัดก็ดังลัดลงมาจากทิศตะวันตกอันเป็นถนนวงแหวนรอบนอกเมืองหางโจ อ, อีกเส้นหนึ่งทหารม้าข้าศึกราวร้อยม้าก็ตรงเข้าปิดทางถอยสู้หนิงสู้ยังสุดชีวิตจนหลุดออกมาได้ครั้นเหลียวกลับไปดูไม่เห็นวี่แววของห่าวซื่อเหวินตามมาแต่พอขเขมิ้นมองไปอีกทีก็เห็นในทหารข้าศึกราวสิบคน คุมตัวเทพม้าป่าเข้าไปในเมืองชั่วแว บ, บหนึ่งที่สู้หนิงหันรีหันขวางอยู่นั้นก็ถูกเกาทันดอกหนึ่งปักเข้าที่ลําคอต้องชักม้าหนีทั้งทั้งที่เกาทันยังเสียบคาคออยู่อย่างนั้นโดยมีขุนพลฝ่ายใต้หกคนไล่ตามโชคดีที่มาพบกับกวนเชงเล่ยรอดมาได้แต่ก็เสียเลือดจนกระทั่งสลบ6กขุนพลเลิกไล่พากันกลับเข้าเมืองกวนเชงรีบรายงานขึ้นไปพอทราบข่าวส่งเจียงก็รีบรุดมาดูอาการสู้หนิง ครูพลหอกเหล็กมีเลือดไหลออกจากทุกรูทวารในร่างกายท่งเจียงร่ำไห้เรียกหาหมอกองทัพลูกดอกถูกดึงออกพ่อขี้พึ่งที่ใช้กับแผลต้องคมอาวุธซ่งเจียงสั่งให้นำสู้หนิงขึ้นไปพักผ่อนบนเรือลำหนึ่งโดยดูแลการเคลื่อนย้ายด้วยตนเองสู้หนิงสิ้นสติไปถึงสี่ครั้งก็จนเมื่อนั้นแล้วทุกคนจึงได้ตรหนักรู้ว่าครูพลหอกเหล็กต้องลูกดอกอาบยาพิษ ส่งเจียงแย่งหน้ามองฟ้าทอดถอนใจเฮ้ยหมอมหาสัจจันท ร, ร์อันเต้ากวนถูกเรียกตัวไปเมืองหลวงเราไม่มีหมอยาประจำทัพที่เก่งพอจะช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้แขนต้องเสียไปอีกข้างหนึ่งเสียแล้วส่งเจียงหดหูใจเป็นล้นพ้นวูหยงเข้ามารบเร้าให้กลับค่ายกำชับอย่าปล่อยให้ความรู้สึกผูกพันฉันน้องพี่มาฉุดตัวออกไปจากปัญหาการโซรบที่สำคัญต่อแผ่นดิน ส่งเจียงจำใจส่งสู้หนิงไปพักฟื้นที่ซิวโจรักษาอยู่นานถึงครึ่งเดือนแต่ก็ไร้ผลบาดแผลจากลูกเกาทันอาบยาพิษรักษาไม่ได้ครูคลห อ, อกเหล็กต้องสิ้นชีวิตแต่นั่นก็หลังมาแล้วย้อนกลับมาที่กองทัพตอนนั้นส่งเจียงส่งสายสืบแฝงตัวไปสืบข่าวห่าวซื่อเวินในหมู่ข้าศึกพอวันรุ่งขึ้นก็ได้รับรายงานว่ารงอนบนกำแพงเมืองเหนือประตูปวยวน หัวหาวเสื้อหุนถูกชักรอบแขวนประจานเอาไว้กับลำไม้ไผ่พวกเรารู้มาว่าฟางเทียนติงสั่งให้สับร่างเขาออกไปจนทอนขอรับอารมณ์ส่งเจี๊ยนสุดหนักอีกครึ่งเดือนต่อมาข่าวมรณกรรมของสู้หนิงก็สั่นเขาให้อีกความสูญเสียพี่น้องทั้งสองทำให้ส่งเจี๊ยนไม่อาจใส่ใจกับกิจการทหารใดๆไ ด, ไ ด, ได้แต่ยึดทางหลวงเอาไว้อยู่อย่างนั้นฝ่ายลี่จุนครั้นยกทับเรือตามคลองลงมา จนถึงสะพานนวะอุดรก็ส่งแมวมองออกไปสืบสภาพถนนสายกูถังที่ตัดลึกเข้าไปในเทือกเขาทางตะวันตกของหางโจก็ได้ข่าวว่าหาวซื่อหวนถูกตัดหัวและซู้หนิงต้องเกาทันอาบยาพิษเสียชีวิตลงแล้วจึงเอ่ยขึ้นกับจางซุนว่าตามความเห็นของข้าเป้าหมายของเราที่สะพานนวะอุดรคือคุมทางสองแพร่งที่จะแยกไปด่านสนเดียวสายหนึ่งกับทางที่จะแตกไปหูโจเตอฉิงอีกสายหนึ่ง หาสศึกใช้ถนนสายนี้ไปมาอยู่ไม่ขาดหากเราตีส ก, กัดเส้นทางลำเลียงของพวกมันพวกมันก็จะกระนาบเรามาจากสองด้านเรามีกำลังไม่พอจะรับมือศึกสองด้านเช่นนี้จากระนั้นเลยเรายกเลยก็ไปตั้งค่ายอยู่บนเทือกเขาด้านตะวันตกของตัวเมืองจะดีกว่าหลังเทือกเขามีทางแยกไปจงซีหากฉวยพลาดพลัง้งก็ยังพอใช้เป็นทางถอยหนีได้สะดวกนะ ว่าพรานก็ส่งในทหารชั้นประทวนไปขอความเห็นจากส่งเจียงแล้วนําทัพข้ามสันเถาหยวนเข้าไปในเทือกเขาด้านตะวันตกแล้วลงค่ายที่วัดหลิงหยินแล้วตั้งค่ายย่อยแยกไว้ที่ยอดเขาทางทิอกเหนือเพื่อคุมช่องเขาซีซีปัจจุบันเรียกว่าช่องเขากูถังส่วนหน่วยระวังหน้าตั้งอยู่ที่ถังเจียหวาพวกทหารเจียงหนานถอนเข้าไปตั้งมั่นในหางโจจางชุนเอ่ยกับลี่จุนครึ่งเดือนที่แล้วก็ยังไม่เห็นแต่งทัพอ อ, อกมาลบ หากเรายังขืนแต่ลบอยู่บนเขาเช่นนี้ก็คงหาความดีความชอบมิได้ที่ข้าน้อยใครจะทำคือว่ายน้ำข้ามทะเลสาบแอบเด็ดลอดผ่านประตูเข้าไปจุดไฟเป็นอนัสสัญญาณให้ท่านเข้าตีประตูน้ำหากทำได้แล้วค่อยรายงานขึ้นไปให้พี่ใหญ่ทราบแล้วทับเราทั้งสามสายก็จะได้ตีกระนาบเข้าไปพร้อมกันไม่เป็นความคิดที่ดีแต่ข้าเกรงว่าท่านทาคนเดียวจะไปไม่ตลอด เมื่อเทียบกับความเมตตาปราณีที่พี่ใหญ่มอบให้มานานหลายปีทําแค่นี้ยังถือว่าน้อยท้าเช่นนั้นจงรอสักหน่อยก่อนข้าจะไปขอท่านพี่ให้ทรงกล่องหนุนมาเสริมอ๋อเราทํากันไปเพื่อพร้อมกันก็ได้นะขอรับตอนที่ท่านยกเข้าเมืองตอนนั้นพี่ใหญ่ก็คงจะทราบเรื่องแล้วทเย็นวันนั้นจางชุนเน็บมีดสั้นคงกรีบเอาไว้กับตัวกินข้าวซะอิม่มดื่มเหล้าจนปริ่ยนถ้วย แล้วเดินไปที่ริมทะเลสาบซีหูช้อนสายตาขึ้นกวาดมองไปยังยอดเขาเขียวที่รายล้อมทะเลสาบอยู่ทั้งสามด้านค้นมองข้ามน้ำสีฟ้าสดใสเข้าไปยังตัวเมืองที่เห็นอยู่ริบๆประตูเมืองทั้งสี่ช่องปิดสนิท ต, ตั้งอยู่ติดทะเลสาบมองเห็นได้ชัดถนัดนีมีชื่อว่าเฉียนถังยงจินชิงโปและเฉียนหูท่านผู้ฟังที่เคารพโปรดทราบตอนนั้นทะเลสาบซีหู ยังไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางของการอพยพลงใต้ยอย่างขนานใหญ่เช่นในตอนนี้จุบจนกระทั่งหลังจากตาต้าทองทําสัญญาสงบศึกยุติการสู้รบกับราชวงศ์ส่งและพระจกักรพรรดิย้ายเมืองหลวงลงมาที่หางโจวแล้วเท่านั้นเมืองนี้จึงได้รุ่งเรืองดังที่เห็นเป็นอยู่แต่กระนั้นในสมัยนั้นทะเลสาบก็ยังผุดจุดชมวิวทิวทัศน์ขึ้นนับสิบสบิแห่งภูเขาครึ้มเขียวทั้ง3ด้านกลายเป็นฉากงดงามตรการตาตัดกับเรือแพหลาสีสันโรงเตรียมตั้งประชันโอ้อ้าอําภัย ศาลาเรียงรายช่ำเย็นชะงอกง้มเนือผิวน้ำคลามใสนับเป็นความประทับใจดังที่ท่านกวีเอกสูตรงโปรถจนาเอาไว้ในสลกใต้แผ่นฟ้าคลามใสทะเลสาบใหญ่สะท้อนน้ำคลามสดคุ้นเขางามงดรินรถอาบร่ำใต้สายพิรุณซีหูเทียบได้ดังซีซื่อจะธรรมชาติหรือจะรางสรร ล้วนอาองค์เทียบทันชั้นฟ้าสโลกอีกบทหนึ่งท่านก็เขียนอีกว่าเขียวสดลดหลนเขียวคือเขาเขียวเขาไล่คลื่นเขาทอดยอดดนตรีขับระบำแห่งสีหูคล้อยเคลื่อนไปสิน้นอาคันตุ ก, กะดื่มกินใต้สายลมอุ่นโบกโบยหางโจประดุดเปี้ยนโจจำแหลง ต่อมาใ ค, อใครต่อใครต่างเขียนสโลกลำนำสัรเสริญเยินยอพร่ำพรรณน า, นาถึงความงดงามของทะเลสาบสีหูอนเนกอั น, นันหลือจะจดจำกันหวาดไหวบนสะพานสีหลิงจางชุนหยุดยืนนิ่งทอดสายตาออกไปในผวั์อยู่เป็นนานวันนั้นเป็นวันในวัสันตะรุดูอากาศอบอุ่นน้ำในทะเลสาบใสครามดำสนิทขุนเขาที่ล้อมรอบนั้นเล่าก็อาบฝนจนเขียวด่งก้อนหยก เราถือกำเนิดและเติบโตมาบนสายน้ำสุนยางโต้คลืนต้านลมมาจนสุดแสนจะพร น, นาได้จางชุนดื่มดำแต่ไม่เคยเห็นผืนน้ำที่ใดจะน่าลหลงไหลถึงเพียงนี้ไม่ว่าใครหากได้มาตายอยู่ตรงนี้ย่อมเป็นผีที่มีความสุขยิ่งนัก <c oughs> วาพรางก็ถอดเสื้อออกซุกเอาไว้ใต้ราวสะพานรวบผมขมวดปมผูกไว้ด้วยด้ายแดงนุ่งหยักรังพันทับด้วยรัดประคบใหม่อย่างแน่นหนาห้อยมีดสั้นเอาไว้เดินเท้าเปล่า โหมตัวลงสู่ทะเลสาบดำ น, น้ำหายไปตอนนั้นได้เวลายามหนึ่งแล้วดวงจันทร์ทอประกายซีดจางอยู่กลางฟ้าพอใกล้จะถึงประตูหยงจินจางชุนก็โผล่หัวขึ้นเหนือผิวน้ำตั้งใจจะสะดับสำเนียงจากในเมืองเสียงกรองในเมืองตีบอกเวลายกสี่ยามหนึ่งบริเวณกำแพงเมืองไล่ลงมาถึงชายน้ำเงียบสงดร้างผู้คน มีทหารสี่ห้าคนเดินเวียนวนเฝ้ามองลงมาจากเชิงเทินจางชุนรีบดำน้ําลงไปในทันทีสักพักก็ค่อยๆโผล่หัวขึ้นมาอีกตอนนี้ไม่มีใครอยู่บนกําแพงจางชุนคลาหาทางเข้าไปในลําคลองที่ตัดตรงไปยังประตูน้ําแต่ประตูน้ําด้านล่างถูกกั้นด้วยลูกกรงเหล็กด้านบนเป็นเปลือกทึบเชือกเส้นหนึ่งต่อจากเปลือกล่ามเข้ากับกระพวนทองแดงจางชุนคลาอยู่เป็นนานก็รู้ว่ากรงเหล็กนั้นแทรกตัวเข้าไปไม่ได้จึงเลิกเปือกขึ้น กระพวนที่ติดอยู่ปลายเชือกก็ดังขึ้นก่าวใหญ่มีคนตะโกน ล, ลงมาจากกำแพงจางชนเรียบดำลงใต้น้ำว่ายหนีออกไปทางทะเลสาบ พ, พวกทหารลงมาสำรวจเฝือกแต่ไม่พบเห็นผู้ใดจึงกลับขึ้นไปบนกระแพงอย่างเก่าเฮ้ยปลาตัวใหญ่คุ้มว่ายมาชนน่ะพวกเขาสรุปกรับควจึงดังขึ้นเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกไปหลับยามต่อดีกว่าไปพวกเราเฮ้ยแค่ปลาตัวใหญ่ๆปะถัอวยอกษ์ให แล้วเฝ้าอยู่เช่นนั้นพักหนึ่งก่อนจะกลับไปหลับต่อจางชุนนิ่งฟังไม่ช้ากลองบนกรแพงก็ตีบอกยามสามรออยู่เป็นนานจนกระทั่งแน่ใจว่าพวกทหารคงหลับกันไปหมดแล้วจึงคลานขึ้นฝั่งเมื่อคิดว่าแทรกตัวรอดราวเหล็กเข้าไปไม่ได้และมองขึ้นไปบนกระแพงไม่เห็นผู้ใดจึงคิดจะปีนขึ้นไปหากข้างบนมีทหารเราคงเอาชีวิตไปทิ้งจางชุนคิดแต่หากไม่หองก็คงไม่รู้มือคลำหาก้อนหิน เลือกได้เหมาะมือก็โยนขึ้นไปบนเชิงเทินทหารที่ไม่ได้หลับยามเอะอะขึ้นพวกเขาลงมาสำรวจประตูน้ำอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เห็นอะไรมองจากหอสูงที่ตั้งอยู่บนเชิงเทินออกไปยังท้องน้ำในทะเลสาบก็ไม่เห็นมีเรือแม้แต่ลำเดียวเจ้าฟ้าฟางเถียนติงรับสั่งให้รวบรวมเรือทั้งหมดในทะเลสาบเข้ามาเก็บไว้นอกประตูฉิงโปในคุ้งจิงสือเพียงแห่งเดียวโอ๊ยประหลาดนะักพวกทหารพากันอุทาน คงเป็นผีแน่แน่ไปพวกเราไปนอนกันเถินอย่าสนใจพวกมันเลยถึงจะพูดออกไปเช่นนั้นแต่ทหารพวกนั้นก็ไม่ยอมไปไหนเป็นแต่หมอบคุดคุ้คอยทีอยู่หลังเชิงเทินอย่างระวังระไวจางชุนเงี่ยหูฟังอยู่ตลอดทั้งยามก็ไม่เห็นมีอะไรกระโตกกระตากจึงคืบคลานไปที่ตีนกระแพงตอนนั้นไม่มีแม้แต่เสียงกลองบอกเวลาจางชุนควางก้อนหินขึ้นไปอีกครั้งอย่างระมัดระวัง ตอนนี้ยามสี่เข้าไปแล้วไม่ช้าท้องฟ้าก็สางจางชุนนึกถ้าไม่ทาตอนนี้โอกาสหน้าคงไม่มีอีกแล้วขณะปีนกระแพงขึ้นไปได้ครึ่งทางก็ไปโดนกระพวนดังขึ้นอีกกลาวใหญ่ปลุก บ, บรรดาทหารยามให้ลุกขึ้นจางชุนรีบพุ่งหลาลลงไปในคลองขณะยาเริ่มจะไหหาเกาทันแหลนหลาก้ออิด ก, ก้อนหินก็โปรยลงมาจากเชิงเทินดังหาผลจางชุนวิเยชนผู้น่าสงสาร ชีบก็มาลานลงในลำคลองต่อหน้าประตูหย่งจินแห่งนั้นในวันเดียวกันส่งเจี้ยงก็ได้รับรายงานจากลี่จุนว่าจามชุนจะห่ายน้ำเข้าไปจุดไฟในหางโจเป็นสัญญาณให้เราเข้าตีข่าวชิ้นนี้ถูกส่งผ่านไปยังไพรพลที่วางกำลังอยู่ที่ประตูเมืองทิศตะวันออกคืนนั้นส่งเจี้งนั่งหารือกับหูหยงในกระโจม กระทั่งเวลาล่วงไปถึงยามสี่เกิดง่วงนอนจึงให้บรรดาผู้ช่วยออกไปซุนหัวโง้พับหลับอยู่บนโต๊ะทันใดนั้นลมเย็นหอบหนึ่งก็วูบเข้าใส่หนาวสั่นจนต้องดีดตัวขึ้นนัง่งครานั้นแสงไฟจากตะเกียงลานรุ่งรุ่งบรรยากาศเย็นเ ย, ยือย์พอสายตาปรับเข้ากับความมืดสลัวก็เห็นร่างหนึ่งยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในม่านหมอกจะบอกว่าคนก็ไม่เชิงครั้นจะว่าเป็นผีก็ไม่ใช่ตามลำตัวเกล็กกรังไปด้วยเลือด พี่ใหญ่อรับพี่วานโปรยเมตตาจิตให้ข้าน้อยมาบัดนี้ก็เนิ่นนานหลายปีเต็มทีแล้วน้องขอเอาร่างที่สูญสลายได้นี้มาพรีเซ้นวันนี้น้องต้องหาธนูแหลนเหลาจนเสียชีวิตที่ประตูน้ำยงจินน้องมาขออําลาท่านพี่ขอรับ ฮะนั่นไม่ใช่จ้างชุนดอกหรือไงส่งเจียงอุทานแต่พอหันไปมองอีกฝากหนึ่งของกระโจมก็เห็นร่างโชคเลือดอีกสามสี่ร่างจะให้เพ่งยังไงยังไงก็ดูไม่ออกน้ำตาแตกออกพร่างพรูพันก็รู้สึกตัวตื่นจากฝันบรรดาผู้ช่วยที่อยู่เวรภายนอกได้ยินเสียงร้องก็กรูกันเข้ามาภายในประหลอดนอกทรงเจียงเอ่ยเรีบขอให้ที่ปรึกษาแก้ฝันให้ เฮ้ยท่านแม่ทัพเน็ดเหนื่อยเกินไปซะแล้วจึงได้ฝันร้าย <Nou> วูหยงบอกปัดส่งเจี้ยงเล่ารายละเอียดตามที่ฝันทั้งหมดให้ฟัง <K olina> วูหยงก็พูดปลอบใจขึ้นว่า <K anish> เออท่านลีจุนไม่ใช่ดอกหรือที่รายงานข่าวเข้ามาว่าวันนี้ท่านจางชุนจะข้ามทะเลสาบเข้าไปจุดไฟสัญญาณในหางโจเรื่องนี้คงค้างคาอยู่ในใจแล้วท่านก็เก็บเอาไปฝันร้ายอ่ะ <S <S จางชุนเป็นคนเฉลียวฉลาดยิ่งนักหากเขาจะต้องถึงคาด มันจะเป็นความตายที่ไร้ตำหนิส่งเจียงเอ่ยจากชายน้ำเข้าไปยังกระแพงที่แถวนั้นมีอันตรายยิ่งนักเต็มไปด้วยเขาเป็นไปได้ที่เขาอาจเสียชีวิตและวิญญาณมาเข้าฝันเพื่อบอกท่านแต่อีกสามสี่คนนั้นเป็นใครกันเล่าส่งเจียงถามทั้งส่งเจียงกับปู่ยงไม่มีผู้ใดเดาออก ทั้งสองนั่งโสเล่กันไปจนฟ้าสางคอยแล้วคอยเล่าก็ไม่เห็นมีอะไรกระตกกระตะมาจากทางในเมืองก็ยิ่งให้ชวนสงสัยพอตกบ่ายลี่จุนรีบเข้ามารายงานว่าไปารายงานพี่ใหญ่จางซุนเปิงกับแพงประตูหยงจินต้องหาเกาทันที่ครองหัวถูกชักรอกขึ้นไปไว้ที่ปลายไม้ไผ่หน้ากำแพงเมืองฟังติดกับทะเลสาบ ส่งเจียงร่ำให้จนกระทั่งสิ้นสติหูหยงและหัวหน้าคนอื่นๆก็รู้สึกสะท้านไปตามๆกันจางสุนนั้นดีกับทุกคนจึงเป็นที่รักกันนักกันหนาข้ารู้สึกแย่ยิ่งกว่าเสียพ่อแม่ไปซะอีกส่งเจียงร่ำให้ เสียใจยลงไปถึงไขถึงกระดูกน้<_ <t> _>องพี่<_ <T> _>ทำไมจากไป็นแล้วอย่างนี้<_ t _><_ t _>ท่านแม่ทับเพิ่งระงรับอกระงรับใจอย่าเอาสุขภาพร่างกายไปเสี่ยงโปรดเอาสมองมาไตรตรองกิจสำคัญของบ้านเมืองจะดีกว่านะขอรับวูหยงกับคนอื่นๆบอก ข้าต้องไปเส้นไหว้ไว้ทุกข์ให้น้องเขาที่ริมทะเลสาพเราสูญเสียยิ่งนักครานีเฮ้ยมันเสียงเกินไปนะขอรับหากศัตรูรู้เขา้าพวกมันต้องยกออกมาโจมตีเราแน่ข้ามีวิธีจัดการส่งเจียงส่งรีขุยเป่าสู้เสียงจงและลี่กุนพร้อมทหารราบห้าร้อยคนล่วงหน้าไปลาดตระเวนคุมพื้นที่เอาไว้ส่วนตัวก็พาชื่อซิ่วไต้จงฟานรุยและมาหลิน พร้อมทหารราบอีกห้าร้อยคนยกล่วงหน้าไปตามเส้นทางมุ่งสู่มูเนินเขาทางตะวันตกอันเป็นที่ตั้งค่ายของลี่จุนอย่างเงียบๆพอรู้ว่าซ่งจิงจะมาลี่จุนก็รีบมาต้อนรับอยู่กลางทางแล้วพาหัวหน้าทั้งหลายเข้าไปพำนักในห้องวิปัสสนากรรมฐานในวัดหลิงหยินซ่งจิงเห็นวัดก็ร่ำให้อีกอาราธนาบรรดาหลวงจีนให้สวดทรงวิญญาณจางชุนขึ้นสวรรค์ เย็นต่อมาก็สั่งให้ในายทหารชั้นประทวนเอาป้ายที่เป็นผ้าขาวไปขึงไว้บนราวสะพานซีหลิงด้านติดทะเลสาบอ่านได้ใจความว่าดวงวิญญาณขุนพลจางชุนน้องชายผู้มาตายจากพระแล้ววางเครื่องเส้นต่างๆนานานาเอาไว้ให้เป็นที่สดุดตาสั่งให้ลี่ยขุยฟานรุยหมาลินและชื่อซิว่วแอบซุ่มเอาไว้ทั้งสองฝ่าของสะพานบริเวณหัวถนนที่ตัดออกไปสู่เนินเขาทางทิศเหนือแล้วเก็บใต้จงเอาไว้ข้างตัว ก่อนยามแรกเพียงไม่นานส่งเจียงแต่งกายด้วยชุดเสือ้อคลุมขาวสวมหมวกเหล็กสีทองพันเอาไว้ด้วยผ้าไหมไว้ทุกลงจากเนินทอดน่องไปยังสะพ า, านสีหลิงพร้อมด้วยใต้จงแนะหลงจีนหกเจ็รูปเครื่องเส้นอันประกอบด้วยหมูดำแพะขาวกระดาษเงินกระดาษทองพร้อมแล้วแม่ทับหนุ่มก็จุดธูปเทียนขึ้นส่งเจียงรำพึงรำพันถึงความผูกพันที่ตนมีกับจางชุน หันหน้าไปทางประตูหยงจินแล้วร่ำให้มีใต้จงยืนอยู่ข้างๆบรรดาหลงจีนสวดมนต์ไปก็ขยาวกระดิ่งไปอ้อนวอนขอให้ดวงวิญญาณของจางชุนมาสถิต ท, ที่ธงเชิญวิญญาณแล้วใต้จงก็อ่านคาไว้อะไรเส้นไหว้ส่งเจียงเอาเหล้ากรวดน้ำหลั่งลงพื้นแล้วเงยหน้ามองฟ้าทางทิศตะวันออกร่ำให ทันใดนั้นเสียงกูตวาดก็ดังมาจากสะพานทั้งสองด้านเสียงกลองรัวกล้องลงมาจากเนินเขาทั้งตอนเหนือและตอนใต้ทหารมาที่จะมาจับส่งเจียงก็ตีประดังกันเข้ามาทั้งสองด้านก็จริงดังว่าริมฝั่งน้ําันจุดเส้นไหว้สายกล้ากลายเป็นยุทธภูมิถวายเทพไทยองราชา บทขยี้ชีวาทหารกล้าแห่งเจียงหนานไปไม่กี่คนก็เขย่าน้ำในทะเลาสาบซีหูกระเซ็นขึ้นไปถึงสวรรค์ทรงเจียงกับใต้จงจะรับมือข้าสึกได้หรือฉไหนฟังบทถัดไปหากใครจะรู้ ซองกัง๋งตอนที่95้าิบห้าวิาส์จางชุนจับฟางเถียนติ่งส่งเจียนยึดหนิงให้ได้ด้วยเลย ทำพิธีเส้นไหว้ดวงวิญญาณจางชุนที่สะพานสีหลิงกับใต้จงนั้นก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเจ้าฟ้าฟางเถียนติ่งจะทราบเรื่องและบัญชาให้ทหาร2หน่วยพร้อมขุนพลสิบคนแยกกันออกมาจับอย่างนั้นเวลาเที่ยงคืนกองทัพในเมืองทั้งสองสายก็ลังหลยผ่านประตูทางทิศใต้กับทิศเหนือขุนพลห้าคนอ้อมเข้ามาทางทิศเหนืออีกห้าอ้อมทะเลสาบมาทางทิศใต้นํากําลังทั้งหมดมาด้วยสามพันคนกองทหารจากราชสำนัก ซุ่มอยู่สองภากสะพานด้านละห0 0พันคนมองเห็นคบไฟไหลมาตามถนนก็จุดคบไฟของฝ่ายตนขึ้นบ้างแยกออกไปรับทับฝ่ายใต้ทั้งสองข้างนั้นเมื่อเห็นว่าทับข้าศึกตั้งท่ารับมืออยู่ก่อนแล้วทหารฝ่ายใต้ก็รีบถอยหนีออกมาอย่างรวดเร็วทับฝ่ายรัฐบาลก็ไล่ตามตีไปทั้งสองปีหน Suzanne ึ่ง ถอยหนีข้ามน้าขึ้นมาทางเหนือก็ถูกสามพี่น้องตระกูลหยวน น, ย 5, นําไพร่พลห้าพันคนโผล่ออกมาจากหลังเนินเจดีปอกสู้ตัดทางหนีไอ้สกัดจับขุนพลฝ่ายใต้ได้คนหนึ่งและฆ่าทิ้งไปอีกคนหนึ่งส่วนอีกหน่วยหนีไปทางสะพานติงเสียงก็ถูกทหารราบห้าร้อยคนภายใต้กระ น, นำของลี่ขุยดักตีชิ้นจงกับดี่กุนหมุนล้อ บ, บินบุกเข้าใส่ได้ดอมคว่างมีดบินถูกขุนพลจางเจียนนอนตายไปหนึ่งเป่าสู้เอาดาบสับตายไปอีกหนึ่ง ลีดขุยเอาขวานฟันขาดสองพ่นตายตามไปเป็นคนที่สามไห้พลฝ่ายใต้ถูกบีบตกไปในทะเลสาบจมน้ำตายไปส่วนใหญ่ตอนที่ในเมืองแต่ทัพออกมาแก้คืนทหารฝ่ายส่งเจียงก็ถอนเข้าไปในป่ากันหมดแล้วพวกเขารวมพลกันที่วัดหลิงหยินวีรบุรุษแต่และคนก็ออกมาอ้างเอารางวัลทั้งสองทัพจับมา้าผิดเท้าดีได้กว่าห้าร้อยตัว ส่งเจียงทิ้งชื่อซิ่วฟานรุยและมาลินให้อยู่ช่วยลี่จุนคุ้มกันเดินเขาที่รายล้อมทะเลสาบซีหูและหาทางโจมตีหางโจทางตะวันตกแล้วพาใต้จงกับลี่ขุยกลับคืนไปยังค่ายเขาเกาถิงทางตะวันออกก่อนจะนั่งลงปรึกษาหารือกับวุยหยงและหัวหน้าอื่นๆในกระโจมรบกันคราวที่แล้ว ส่งเจียงสรุปให้ที่ปรึกษาทับฟังเราสังหารขุนพลค่าศึกไปสี่คนจับเป็นคนที่ห้าเราจะส่งไปให้สมหหเทสภิบาลสำเร็จโทษเนื่องจากส่งเจียงไม่ได้ข่าวสถานการณ์สู้รบที่ด่านสนเดี่ยวและเต๋อฉิงจึงได้ส่งใต้จงไปดูไม่กี่วันต่อมาเทพท่องทางก็รีบรุดกลับมารายงานไกรงอนท่านลู่จุนยี่ยึดด่านสนเดี่ยวได้แล้วขอรับและคาดว่า จะเดินทางมาสมทุกในอีกไม่ช้าก็าเร็วนี้ขอรับท่งเจี๊ยนยินดีแต่ขณะเดียวกันก็ให้กังวลใจไปด้วยจึงถามไปว่าเอา้าแล้วใพรพลแม่ทัพในกองของฝ่ายเราเป็นเช่นไรกันบ้างล่ะอะท่านเทพท่องทางข้อน้อยบรรจุเอาไว้ในแรงงานครบถ้วนแล้วขอรับท่านลองอ่านดูแล้วโปรดกรุณายังไม่สบายใจไปก็แล้วกันเราคงเสียพี่น้องไปอีกหลายคนเป็นแน่แท้ รถอยาพยายามปิดบังเลยบอกมาตามตรงเถิดด่านสนเดี่ยวเป็นช่องเขาขนาบด้วยเขาสูงทั้งสองด้านตรงกลางมีทางพิงสายเดียวมีค่ายตั้งคุ้มกันด่านและเขาสูงไปทุกจุดข้างตัวด่านมีต้นไม้สูงอยู่ต้นหนึ่งสูงหลายสิบเมตรยินขึ้นไปสังเกตการมองเห็นได้ไกลทุกทิศทุกทางตามไหล่เขาต่ําลงมาล้วนเต็มไปด้วยป่าสนที่ด่านแห่งนั้นเดิมมีสามขุนพลคุมอยู่คนแรกชื่อวูเชง คนที่สองชื่อเจียงหญินคนที่สามชื่อเวย่ยเฮงตอนแรกพวกมันก็ลงมารบกับท่านหลินชงหัวเสดำทุกวันจนเจียงหญินถูกหอกท่านหลินชงบาดเจ็บหลังจากนั้นวูเชงก็ตั้งรับอยู่แต่รักษาค่ายไม่กล้าออกมาสู้รบพอรุ่งขึ้นวันต่อมาลี่เทียนอยู่กับคุณพลอีกสามคนก็โผล่ออกมารบหลังจากรบกันกว่าหกสิบเพลงลูกฟางก็ฆ่าลี่เทียนอยู่ด้วยหอก ทหารข้าศึกถอยกลับเข้าด่านปิดประตูเงียบทัพเรารออยู่หลายวันจนหมดหวังแม่ทัพลู้จึงส่งโอเป็งเต็งเฟยลี่จงและโจถุงขึ้นไปสำรวจยอดเขาอันตรายต่างๆเหล่านั้นเพื่อหาทางเข้าตีค่ายแต่พวกเขากลับถูกลี่เทียนรุนที่นำกำลังจากด่านออกมาแก้แขนแทนน้องชายซุ่มเอาลี่เทียนรุนใช้ดาบเดียวฟันโจถุงตายคาที่ลี่จงบาดเจ็บหากทัพหนุนของเราไไม่ทัน แมวมองทั้งสี่คนคงจะตายหมดดังนั้นหัวหน้าฝ่ายเราสามคนจึงได้กลับค่ายพอวันรุ่งขึ้นขุนพลทูลคู่ตรงผิงเจ็บใจนะักชักม้าออกไปที่ตีนด่านตะโกนท้าให้ข้าศึกออกมารบแต่กลับถูกกระสุนปืนใหญ่ลูกแตกยิงมาถักที่แขนซ้ายจนบาดเจ็บใช้ห อ, อกไม่ได้ต้องกลับค่ายมาในสภาพเข้าฝือกที่แขนซ้ายรุ่งขึ้นยังกระหายจะกลับไปอีกแต่ท่านแม่ทัพลู่ไม่ยอมคืนนั้นผ่านไปพอะแขนค่อยยังชั่วขึ้นหน่อยนึง ท่านตรงผิงจึงแอบหารือกับจางฉินโดยไม่บอกกับแม่ทัพลู่ทั้งสองออกเดินเท้าไปลี่เฉินรุนกับจางเถาลงจากนานมาสู้ตรงใครจะจับรีเป็นเป็นทั้งสองรบกันไปกว่าสิบเพลงแต่มือตรงไม่ไหวเท่าใจคิดติดที่แขนซ้ายยังเจ็บอยู่ต้องถอยหลังเลยถูกจอมพลรี่ดันเข้าไปข้างๆฝ่ายจางฉินเอาหอกแทงรีห ล, ลบปลายหอกก็ปักติดอยู่กับต้นไม้ขณะพยายามจะดึงหอกออกลี่ก็เอาหอกแทงเข้าที่ทอ้องล้มลงไปกองอยู่กับพื้น ต้องผิงพอเห็นเพื่อนล้มก็สะดึกเข้าใส่พร้อมกับทวนคู่แต่จางเถาอยู่ข้างหลังก็อดาบฟันเขาที่บันเอวตัวขาดออกเป็นสองท่อนตอนที่แม่ทับลู่รู้เรื่องนี้ก็ออกไปช่วยเอาไว้ไม่ทันซะแลว้วข้าศึกถอนกลับเข้าด่านกันไปหมดทำอะไรไม่ได้ท่านเจ้าสัวจึงทรงสุนสินกับแม่นางเสือกู้สองผัวเมียพร้อมตัวเป็นพวกผูยบออกไปดูลู่ทางเข้าด่าน ทั้งสองเห็นเส้นทางสายหนึ่งก็กลับไปพาลี่ลี่ถังหลงชื่อเฉียนและไปเชงตามทางสายนั้นขึ้นไปวางเพลิงเผาด่านในตอนกลางดึกพราะรู้ว่าทหารฝ่ายท่องเข้าด่านได้พวกขุนพลฝ่ายใต้จึงทิ้งด่านหนีเอาตัวรอดเพราะท่านแม่ทัพรู่ยึดด่านได้และตรวจสอบกําลังพลก็พบว่าสุนทรินีกับแม่นางเสือกู้จับได้ขุนพลบูเชงลี่ลี่กับถังหลงจับได้เจียงหญิน และชื่อเขียนกับไปเชิงจับได้เวยเฮงทั้งหมดหล้วนเป็นขุนพลที่มีหน้าที่รักษาด่านอยู่เก่าทั้งสามถูกส่งตัวไปยังท่านสมุหเทศพิบาลจ้างเมื่อกู้สุกท่านตรงผิงจางฉินและโจดถุงคืนมาได้จึงฝังเอาไวเ้เหนือด่านแห่งนั้นท่านแม่ทัพลู่ไล่ตามศัตรูพอเลยด่านแห่งนั้นไปกว่า15้าลี้ก็ทันและเข้ารบกับลี่เฉียนรุนรบกันไปกว่า30ิบเพลงท่านลู่ก็ฆ่าจอมพลลี่ด้วยหอกกวกทัพหนุนของฝ่ายใต้ ไม่อยู่ในสภาพจะรบจึงแตกหนีไปพร้อมกับขุนพลที่ยังเหลืออีกสามคนท่านลู่จะมาถึงที่นี่เร็วๆนี้หละอขอรับหากท่านแม่ทัพไม่เชื่อในสิ่งที่ข้าน้อยเล่าก็โปรดอ่านเอาจากรายงานฉบับนี้เอาเองเถิดขอรับส่งเจียงอ่านราย ง, งานด้วยความหดหู่ใจเป็นยิ่งนักน้าตาเออน้องทั้งสองหน่วยเอาละท่านแม่ทัพรู้ชนะศึกแล้ว ผู้ยงเอ่ยขึ้นจึงจะสามารถเคลื่อนทับลงมาตีกระนาบพร้อมกับเราได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องสยบทหารฝ่ายใต้ลงได้เป็นแม่นมัน่นตอนนี้ที่ต้องทําก็คือรอเชื่อมทับเข้ากับทัพกูเวีนโจที่จะลงมาจากสายหูโจที่ท่านอาจารย์เอ่ยมานั้นก็ถูกต้องแล้วขอรับส่งเจี้ยนตอบว่าพรางก็สั่งรีบขุยเป่าสู้เสียงจงและลี่กุนพาทหารขึ้นเหนือไปด้วยสามพันคนเพื่อหาทางติดต่อกับทับสายหูโจ สลาตันดำขอบคุณฟ้าดินแล้วรีบนําไพร่พนจากไปส่งเจียงให้ไพร่พนทั้งม้าทั้งราบแก่จูโถงห้าพันคนเพื่อเข้าตีประตูบุรพาของนครหางโจวพวกเขาพากันเดินทับจากค่ายที่ตั้งอยู่ข้างหมู่บ้านแห่งหนึ่งไปตามถนนสายถังเจิ้นเข้าตีประตูตลาดผักอันเป็นชื่อประตูบุรพาที่เรียกหากันอยู่ในตอนนั้นชานมืองหางโจวฝั่งตะวันออกที่ขนานไปตามแม่น้ําเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมีบ้านเรือนร้านรวง และจำนวนผู้คนมากกว่าในตัวเมืองเสียอีกอีกทั้งสวนผักสวนผลไม้ก็มีให้มากหลายพอเข้าไปถึงกาแพงกองทัพฝ่ายส่งก็กระจายกันออกเป็นแถวลุงจีนลูหนึ่งในหัวหน้าประจำหน่วยถือไม้เท้ากระทมเดินสอ่อาจอาจลัดลาะไปตามตีนกาแพงเมืองร้องพาขึ้นเฮ้ยไอพวกคนเพื่อนลุงจีนลูตะโกนเร็วๆ เ, เข้าเล็กออกมาสู้กัน ทหารที่รักษาการอยู่บนเชิงเทินรีบไปรายงานในวังเจ้าฟ้าหลวงจีนพระพุทธรังสีมุนีเจ้าตึ้งหยวนจวั้าที่ปรึกษาใหญ่แห่งราชนาจักรพอรู้ว่าคนท้าก็เป็นหลวงจีนด้วยกันจึงแพททูลขึ้นว่าอาตมาทราบมาว่าชุมชนเหลียงซานก็มีหลวงจีนอีกรูปหนึ่งมีนามว่าหลวงจีนลูกใช้ไม้เท้าเหล็กเป็นอาวุธ ออกมหาบาพิษจะเสด็จขึ้นไปบนเชิงเทินเหนือประตูบุรพาอัตมาจะรบหลวงเจียนรูปนั้นให้ทอดพระเนตรสักสองสามเพลงถโอ้ยหลองเจียนลูกก็จีบหายเลยเจ้าฟ้าฟางเถียนติ่งทรงพอพระทัยแล้วเสด็จไปยังประตูตลาดผักพร้อมด้วยจอมผลซื่อเป้าและขุนพลคู่ใจอีกแปดคนประตูเมืองเปิดออกสะพานถูกโรยลง ลุงจีนเติ้งกับทหารราบหน่วยทรวงฟัน500คนก็โผล่ออกไปในกองทัพฝ่ายใต้ก็มีไอ้หัวร้อนกับเขาเหมือนกันเว้ยลุงจีนรู้นึกในใจเราจะให้มันลิ้มรถกระบองเลนสักร้อยที แล้วก็บุกเข้าใส่โดยไม่พูดพร่ทำทําเพลงใต้เงาหลิวคดโคง้งเหนือพงหญ้าเขียวขจีอสรพิษสีเงินสองตัวก็ชกกัดชวัดเฉวียนมางกอนหยกคู่หนึ่งก็ทีบทยานผันถายว่าเวียนหลวงจีนลูกโกรธเปรี้ยวไร้เศษเซี่ยวแห่งปริยัตในกมลจิตฝ่ายหลงจีนเต้นนั้นเล่าก็กลุ่มด้วยโทสัจจริตไม่มีเศษเมตตาธรรมเลยสักนิดจะหลงเหลือก็รูปแรกเคยถือศีลกินเพนกับเขามาแต่เมื่อไหร่ใช่ไม่ใช่ว่า ท่านชอบฆ่าคนในคืนเดือนมืดและรูปที่สองนั้นเล่าพระสูตรเคยอ่านผ่านตามาบ้างหรือเช่ไหนก็เป็นท่านไม่ใช่หรือที่ชอบวางเทิรในายามสายลมกล้าทั้งสองรบกันไปไม่ถ่ากว่าห้สิบเพลงแต่ไม่มีใครสยบอีกฝ่ายหนึ่งได้เจา้าฟ้าฟามที่ประทับยืนอยู่บนเชิงเทินอดที่จะทรงชื่นชมไม่ได้เราได้ยินชู้เสียงหลวงจีนลูกสาทุกคุหลังลายแห่งเล็บซานปาะม้าก็นานช้าแล้วไม่เคยคิดเลยว่า จะแต่งกล้าขนาดนี้แม่สมชื่ อ, อยิ่งนะักเจ้าฟ้าฟางรับสั่งกับซื่อเป้าสู้กันมานานขนาดนี้ไม่ยอมลงให้ท่านพระครูสีเขาไแเราเลยแม้แต่นิดเดียวฟ้า บ, บาดเองก็ใหยพิษหลวงเช่นกันนะพะยะค่ะจอมพลซื่อกราบทูลไม่เคยเห็นที่ใดเทียบได้เหมือนเช่นนี้มาก่อนเลยว่าไม่ละพะยะค่ะและแล้วในตอนนั้นเอง ม, มาเร็วก็รีบเข้ามารายงานว่า เกรทหารข้อเึกเข้าตีประตูเปิดปวนทางเหนืออีกแล้วนะพยาค่ะจอมพลซื้อรีบถวายบังคมลาอยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วนะพยะค่ะข้าพระทูด้วนวูสงเมื่อเห็นว่าหลวงจีนลูกเอาพระครูรังสีไม่อยู่เกรงจะเกิดพลาดทั้งก็กลายดาบคู่เข้าฟันพระครูโปรหิตรู้ว่าตัวรับมือสอคนไม่ไหวจึงถอยหนีเข้าเมืองวูสงได้ตามไปแต่ผู้บัญชาการทหารผู้หนึ่ง ควบม้าถลันเข้าใส่ด้วยห อ, อกลูกเขาพู้นั้นก็คือเปอย์หญิงกุยขุนพลผู้หนึ่งของเจ้าฟ้าสันติสุขแห่งแดนใต้นั่นเอง <c oughs> ทั้งสองรบกันอยู่บนสะพานข้ามคูเมืองปูสงจู่เข้าประชิดทิ้งพีรีไปเล่มหนึ่งเอามือข้างที่ว่างคว้าจับห อ, อกคู่ต่อสู้แล้วออกแรงกระตุกขุนพลเปย์หน้าคมําตามห อ, อกลงมาจากอานมา้าโอ กูสงตวัดพี่ไรเล่มที่เหลืออยู่ในมือสวนออกไปศีรษะเฟยก็ก่งหลุนหลุนหลุนหลุนไปบนพื้นหลงจีนลู่พากำลังหนุนโถมขึ้นไปบนสะพานเจ้าฟ้าปางรีบสั่งให้ทหารชักสะพานขึ้นเรียกไพรพลกลับเข้าเมืองจู้ถงถอนตัวกลับไปทั้งค่ายห่างจากกำแพงเมืองราวสิบลี้แล้วส่งม้าเร็วไปรายงานข่าวชัยชนะให้ทรงเจียงทราบ ในวันนั้นส่งเจียงพาทหารเข้าตีประตูเปิดกวนด้วยตนเองร้องท้าให้ข้าศึกออกรบจอมพลซื่อเป้าก็อำลาเจ้าฟ้าแห่งเจียงนานหยิบตลุมพุกขว้างขึ้นมาถือแล้วขึ้นม้าสพายดาบผ่าวายุย่ากราออกมานอกกำแพงเมืองจากแถวของกองทัพฝ่ายส่งวนเชงขุนพลงใหญ่ก็ควบม้าแหวกออกมารับมือข้าศึก ทั้งสองรบ ก, กันได้กว่ายี่สิบเพลงซื่อเป้าชักม้าหนีวนเชียงรีบดึงม้าหยุดไม่กล้าไล่ตามเป็นแต่กลับเข้าที่ตังเอ้เพตเชนไหนไม่ไล่ตามไปแล้วฮะซ่องเจียนถามฝีมือเชิงอาวุธของเขาไม่ได้ได้อยไปกว่าข้าน้อยคุณพลเงาใหญ่เอ่อยออกถอยหนีเช่นนี้แสดงว่ามันต้องมีเล่ส์สน่หเป็นมั่นคงเออคุณพลตุนไข้ก็เคยบอกว่า คนพูดนี้ถนัดตะลุมพุกคว้างวูสงสอดขึ้นเขาชักม้าหนีแกล้งทำทีเป็นแพดึงคู่ต่อสู้เข้าไปใกล้แนวรับตัวอ้อชนี้นี้เองคิดจะเล่นสกรปรกส่งเจียงเอ่ยเราจะเรียกทหารกลับค่ายว่าแล้วก็ใช้คนให้เอารางวันไปกำนันหูสงขณะเดียวกันลีกุยนำพลเดินเท้าตามทางเดินบนไหล่เขาจะไปสมทบลูกจุนยี่ ก็ปะเข้ากับจางเจียนและทัพที่พึ่งจะพ่ายลู่จุนยี่มาหยกหยกจึงสังหารขุนพลเย่าวยี่ในการรบที่ดูเดือดส่วนจางเจียนกับจางเถาแตกหนีถอยกลับไปยังด่านก็ถูกแม่ทัพลู่จุนยี่ดักเอาหลังจากปะทะกันครั้งใหญ่สองขุนพลฝ่ายใต้ก็หนีตามทางขึ้นไปบนภูเขาฝ่ายทัพท่องก็กวาดตามไปติดๆทั้งสองไม่มีทางเลือกจึงกระโดดม้าวิ่งหนีเข้าป่าข้างทาง ก็ตอนนั้นเองบุรุษสองคนก็โผล่ขึ้นมาจากหลังกอไผ่หนาทึบแต่ละคนถือถุงมวกเหล็กก่อนที่ขุนพลฝ่ายใต้จะทันป้องกันตัวก็ถูกชายทั้งสองคว่ำลงกับพื้นแล้วลากถูลูดถูกลางลงเขามาบุรุษทั้งสองหาใช่ใครอื่นไม่เขาคือเสียเจิ้นกับเสียเป้า่นนั่นเองพอแม่ทัพลู่เห็นเฉลยทั้งสองก็ดีใจใหญ่เมื่อสมทบเข้ากับกําลังของรีขุยก็เดินตรงไปยังค่าใหญ่ที่เขาเกาทิง ลู่เล่าให้ทรงเจียงฟังถึงมรณกรรมของตรงผิงจางฉินและโจถุงทั้งสองพากันเศร้าโศกบรรดาหัวหน้าในทัพลูเข้ามาคารวะทรงเจียงแล้วสองทัพก็รวมเป็นค่ายเดียววันรุ่งขึ้นทรงเจียงส่งตัวจำเจี๋ยให้สมุหเทาธิบาลจ้างที่สูโจตัดหัวห้อยประจานส่วนจางเถาถูกนำเอามาแหวกกหน้าค่ายชูหัวใจขึ้นฟ้า เป็นการเส้นดวงวิญญาณตรงผิงจางฉินและโจถุงข้าน้อยเตรียมจะขอร้องท่านแม่ทัพลู่ให้พาไพร่พลบุกขึ้นไปตีเต๋อชิงส่งเจียงเอ่ยกับบูหยงเพื่อบนจบทับกับผูเวินโจแล้ววกกลับมาตีนครหางโจทางนี้พร้อมกันลู่รับคำบัญชาระดมไพร่พลของตนแล้วออกเดินทางไปทางเมืองเฟงโก พอไปถึงก็เจอเข้ากับทัพจอมพลสื่อชิงฝาที่แตกพ่ายลงมาการฆ่าก็อุบัติขึ้นซื่อถูกบีบจนตกน้ําตายทหารที่เหลือก็พากันแตกพ่ายหนีไปลูกกับผู้เวียนประจบทัพกันแล้วยกลงมาสมทบกับทัพส่งเจียนที่เขาเกาถิงเมื่อสามทัพมาพร้อมสัพท์กันที่หางโจบรรดาหัวหน้าทั้งหมดก็ปรึกษาหารือกัน ส่งเจียงโอนการปกครองส่วนโจหูโจและด่านสนเดียวไปให้สมุหะเทาภิบาลจ้างกับเสนาธิการโกงช่วยบริหารการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยบนดินแดนที่ยึดคืนมาได้ส่งเจียงสังเกตว่าเหลยเหงกับโกงวางหายไปจากกองทัพของหูเหวียนโจหูเหวียนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น อ, อพี่ใหญ่เลยเห็นรบกับสื่อชิงฝางที่หน้าตำบลเตอ๋อฉิงถูกสือฟันตกหลังมา้าส่วนกองวงังรบกับขุนพลห่วงไอห่วงบีบให้เขาตกลงไปในน้ําทั้งมา้าทั้งคนขี่ล้มลงทหารฝ่ายใตย้พากันโอหอกแทงตายต้อม้าโสนเจ้าเอาขวานด้ามยาวจามกับบานขุนพลมีฉวนฝ่ายเร้าจับขุนพลห่วงอ้ายกับขุนพลสู้ไปและไล่กวดจอมพลสือชิงฝางตกน้ํำตาย ขุนพลสุเวต่วนอันอาศัยความวุ่นวายในการรบนรอดไปได้เราไม่ทราบว่าหายไปทางไหนขอรับน้ำตาส่องเจียงร่วงพราวราวสายฝนที่ได้ยินข่าวร้ายเรื่องการจากพรากของเหลยเหงเสือติดปีกและกงวางเสือข้อลายเมื่อคืนก่อนจางชุนก็มาเข้าฝัน ส่งเจียงเอ่ยปากกบดาหัวหน้าต่างๆแต่ทั้งขวามือของเขายังมีร่างเปื้อนเลือดของอีกหลายคนตอนนี้พี่รู้แล้วว่าพวกท่านเหล่านั้นที่แท้ก็คือท่านตงผิงจางฉินโจถุงเหลยเหงและองวางหากยึดนครหางโจและเขตหนิงให้ได้พี่จะนิมนต์พระสงฆ์มาสตรบางสุกุลเพื่อส่งวิญญาณพี่น้องเหล่านั้นขึ้นสวรรค์ ว่าแล้วก็สั่งให้ส่งตัวหวงอ้ายกับซื่อไปไปรับโทษประหารกับสมุหเทสาพิบาลจ้างเรื่องนั้นเราจะไม่เล่าอีกครับวันนั้นส่งเจียงสั่งให้ล้มม้าฆ่าวัวควายจัดงานเลี้ยงปลอบขวัญทับรุ่งขึ้นก็วางแผนร่วมกับปู่โยงเข้าตีหางโจโดยให้ลู่จุนยี่กับสิบสองหัวหน้าเข้าตีประตูหวเจ้าให้หัวหงนำสิบหัวหน้าเข้าตีประตูเกณฑซาน ให้อีก11หัวหน้านุนช่วยหมู่หงยกคนไปในเทือกด้านตะวันตกเพื่อสมทบกับทัพลู่จินในทะเล ส, สาบซีหูเข้าตีประตูน้ําฝั่งตะวันตกของหางโจให้ซุนซินกับอีก8หัวหน้าไปค่ายตะวันออกเพื่อช่วยจูถงตีตลาดผักและประตูเจียนเฉียวให้ลี่หญิงที่ค่ายตะวันออกมาดูแลการข่าวกรองและการส่งกําลังบํารุงมีหัวหน้า8คนคอยช่วยเหลือส่วนซ่งเจียงพร้อมด้วยผู้บัญชาการ21คน จะเข้าตีตามถนนที่มุ่งเข้าสู่ประตูเป่ยกวนทางทิศเหนือดังนั้นเท่ากับว่าส่งเจียงแบ่งสายเข้าตีหางโจเป็นสี่ทางเมื่อนั้นส่งเจียงก็พาไพ่พลของตนยกเข้าประชิดประตูเป่ยกวนร้องด่าท้าทายให้ข้าศึกยกออกมารบ บนเชิงเทินเสียงคล้องกรองก็ดังขึ้นประตูเมืองเปิดอ้าสะพานชักถูกโรยลงมาจอมพลซื่อเป้าก็ยกออกมาสูดเจ้าผู้พันทะลวงหน้าผู้มุทะลุดุดันก็ควงขวานด้ามยาวชักม้าออกมารับมือไม่ถึงสิบเพลงดีจอมพลซื่อเป้าก็ตีลวงแล้วชักม้าหนีสูดเจ้าไม่ฟังเสียงกวนเชิงที่ตะโกนไล่หลังให้ระวังตัวก็ชักม้าตามไป ชับท่านนั้นขวานฟ้าก็พุ่งเข้าฟาดใบหน้าโสเจ้าจังบะเร่พัดตกจากหลังมา้าเฮ้ชาันทิงโดนจนโดนกูเต็งเฟยรีบเข้าไปช่วยแต่ม้าซื่อเป้าเข้าถึงก่อนก่อนที่สิงโตตาฝ่ายจะทันป้องกันตัวซื่อเป้าก็เอากระบี่พาวายุตัดเต็งเฟยขาดออกเป็นสองท่อน พอถึงตอนนี้พระขุรัศมีปุโรหิตใหญ่พร้อมผู้บัญชาการทหารฝ่ายใต้อีกหลายคนก็ถาโถมออกมาจากเมืองทับส่งเจียงถูกตีแตกกระเจิงถอยหนีขึ้นไปทางเหนือหัวโลงกับฉินหนิงที่ถูกสั่งให้เข้าตีประตูเกียนชานก็นํากําลังคนตอทัพเจียงหนานจากทางด้านข้างแต้กลับไปแล้วคุ้มกันส่งเจียงกลับค่ายจอมพลซื่อเป้าผู้ประสบชัยชนะก็กลับเข้าเมืองด้วยยินดีปรีดาส่งเจียงได้แค่นั่งสลดหดหู่อยู่ในกระโจม ค่าที่ต้องมาสูญเสียผู้พันทะลวงหน้ากับสิงโตตาฝ่ายไปปูหยงเอ่ยขึ้นว่าเออในเมืองมีคุนทหารกล้าแข็งอยู่มากจะเอาชนะได้ต้องใช้เล่ลำพังจะหักเอาด้วยกำลังแต่เพียงอย่างเดียวคงไม่เป็นผลเออเราสูญเสียพี่น้องไปเรื่อยๆเช่นนี้ท่านอาจารย์คิดจะให้ทำอย่างไรดีหรือขอรับ ท่านแม่ทัพได้สั่งการให้ไพร่ผลฝ่ายเราเข้าตีสี่ทางมาแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จงเข้าตีประตูเปิดกวนอีกข้าศึกคงจะยกออกมารับตามเคยคราวนี้หากได้ยินเสียงปืนใหญ่ให้สัญญาณพวกขุนหน้าทั้งหมดต้องนำทหารเข้าตีประตูพร้อมกันทั้งสี่ด้านหากสายไหนทะลวงเข้าไปได้ก็ให้จุดไฟเป็นสัญญาณขอกองหนุนทหารข้าศึกจะพากันละล้าละละังไม่รู้ว่าจะไปช่วยด้านไหนดีเราก็จะไดช้ชนะครั้งใหญ่ ส่งเจียงสั่งใต้จงให้ส่งผ่านคำสั่งในรายละเอียดของการเข้าตีลงไปให้ทุกฝ่ายรู้ กวนเชงพาทหารม้าหน่วยย่อยไปทารบกับข้าศึกที่ประตูเปิยกวนร้องบนเชิงเทินก็ดังขึ้นจอมพนซื่อเป้าขี่ม้าพาทหารออกมาแล้วเข้ารบกับกวนเชงหลังจากรบกันได้ไม่ถึงสิบเพลงกวนเชงก็ผักหนีไปบ้างซื่อเป้ากับขุนพลผู้อื่นเห็นได้ทีก็ไล่าตามห่างเมืองออกไปหลิงเจิ้นผู้บริการทหารปืนใหญ่เห็นได้ทีดังนั้นก็ยิงปืนให้สัญญาณ พไพร่พนฝ่ายสรงที่รอท่าอยู่หน้าประตูต่างๆก็ระดังเข้าตีพร้อมๆกันเราจะขอเล่าเรื่องที่รองแม่ทัพลู่จุนยี่ลิ้นชงและหัวหน้าคนอื่นๆที่เข้าตีประตูโห่เจ้าก่อน<ม>พอเข้าไปใกล้ประตูเมืองก็เห็นประตูเปิดอ้าอยู่สะพานรอยชักลงมาพาดข้ามประตูดูผิดสังเกต ตลิวถังกระหายจะได้ความดีความชอบก็บุกข้ามสะพานไปดาบใหญ่กระชักมันในมือทหารบนกำแพงก็ตัดเชือกโยงประตูเหล็กที่ชักรอกขึ้นไปเก็บไว้ที่ช่องพิเศษตกลงมาโอ้ว่าอนอาถนาะพิศาษหนวดแดงทั้งม้าทั้งคนที่ติดอยู่ในช่องประตูกำแพงแห่งนั้นก็ตอนที่กษัตริย์เฉียนทรงสร้างหางโจขึ้นเป็นราชธานีนั้นพระองค์ทรงบัญชาให้สร้างประตูกำแพงเมืองเป็นสามชั้นประตูนอกสุดเป็นประตูกล ชั้นที่สองเป็นประตูเหล็กทึบสองบานและชั้นที่สามเป็นตะแกรงเหล็กขนาดใหญ่พอลิวถังพาม้าล่วงเข้าไปประตูเหล็กก็ปิดให้หลังขังริวถังเอาไว้ข้างในแล้วก็ถูกหมู่ทหารที่ซ่อนเอาไว้ในช่องกรุ่มรุมเอาจะไม่ให้เสียชีวิตได้ไหนวันนั้นลิ้นชงกับฮูเหวินโจพาไพร่พลกลับไปรายงานลู่จุนยี่ที่กองประชาการในวันนั้นไม่มีไพร่พลของฝ่ายส่งหน่วยใดเจาะเข้าไปในเมืองได้จึงพากันถอนตัวกลับ ม้าเร็วรีบรุดไปรายงานส่งเจี้ยนที่ค่ายใหญ่ที่ร่ำให้ด้วยอะไรหลิวถังอย่างขงคืนโอ้โถ ท, ทัง้งพี่น้องต้องมาจากไปอีกคนแล้วตั้งแต่สามาถเป็นน้องพี่ที่ยุนเชงแล้วขึ้นเขาไปกับพี่เจ้าไก่ท่านหลิวก็มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความละบากกรากร้านไม่รู้จักความสนุกสนานอย่างใครเขาผ่านการสู้รบมาเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่เคยเห็นอาการหักศึก ใครเล่าจะไปนึกว่าท่านต้องมาตายที่นี้ในวันนี้ออน้องพี่แผนที่ว่าใช้ไม่ได้บูหยงยอมรับไม่เพียงไม่ได้พ้นใต้ไฟเรายังเสียพี่น้องไปอีกคนโปรดเรียกทหารของเราถอยกลับออกมาจากประตูเมืองเถิดเราต้องคิดหาทางอื่นก่อนส่งเจียงให้ทุกร้อนเป็นยิ่งนัก คิดจะแก้แค้นให้ได้เร็วที่สุดก็ได้แต่ทอดถอนใจไม่สิ้นสุดสลาตันดาพยายามเข้าปลอบโยน อ, อย่ามิตกไปเลยผู้ใหญ่พรุ่งนี้ข้าน้อยจะออกไปพร้อมด้วยเป้าสู้เสียงจงและนี่กุนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะต้องจัดการไอ้ซื่อเป้าไอ้เตีย้ยหมาตื่นตัวนั้นให้ได้เขาเป็นจอมพลผู้ยิ่งใหญ่ตัวเจ้าเข้าใกล้เขาไม่ได้รอกข้าน้อยไม่เชื่อดอกขอรับ ข้าน้อยจับมันไม่ได้ในวันพรุ่งจะไม่ขอกลับมาให้พี่เห็นหน้าอีกเป็นอันขาดดูถูกฝีมือน้องคนเล็กนี่จังเลยฮะจงดูทางหนีทีไล่ให้แน่ชัดเพราะเขาไม่ใช่จะให้ใครๆไปเที่ยวตอแยได้ง่ายๆนี่ขุยกลับไปกระโจมตัวเองงัดเอาเล่าหหยใหญ่ขึ้นมาฟานเนื้อต้มหั่นบางใส่จานแล้วเชิญเปาสู้เสียงจงและลี่กุณมาร่วมดื่มเราทั้งสี่ล้วนลงสนามเล่นกันเป็นชุด ีขุยเยเข้าน้อยเพิ่งจะไปอาสากับพี่ใหญ่ว่าพรุ่งนี้เราจะไปจับตัวไอ้ซื่อเป้าให้ได้ดังนั้นข้าจะไม่ต้องการเห็นพวกท่านคนใดออมมือออมไม้เข้าใจไหมละพวกท่านเฮ้ยโอพี่ใหญ่มักใช้จต่ทหารไม้ออกหน้ารําไปเป้าสู้พูดขึ้นถ้าเช่นนั้นเราทั้งสี่มาสามัญต่อกันในวันนี้สัมแดงให้พวกเขารู้ว่า คนเดินเท้าอย่างพวกเราก็ทำอะไรได้เช่นกันหากจับไอสาระเลวนั้นได้ในวันพรุ่งนี้เราก็จะได้รอยหน้ารอยตาอย่างคนอื่นเขาบ้างเช้าต่อมาทั้งสี่ดื่มกินกันอย่างเต็มคาบหยิบอาวุธดาบขึ้นมาถือแล้วเตรียมเคลื่อนพลโอ้ว่าเค อ, อยดูเราขยี้พวกมันท่องเจี้ยงเห็นว่า ทั้งสี่ล้วนดื่มกินจะจนเมาหมายจึงประมาทขึ้นว่าเอา้าพวกท่านอย่าได้เอาชีวิตตัวไปทิ้งจะดีกว่าไหมแม่พี่ก็ชอบจะดูถูกพวกเราอย่างเนี้ยลี่ขุยตอบกลับเฮ้ยข้าก็หวังแค่อยากให้ทำได้ตามอย่างที่พูดเอาไว้เท่านั้นเอง เส้นเชียงขึ้นม้าพร้อมด้วยถวยทับม้าเป็นต้นว่าวนเชิงโอเพงลูฟางและโกเชงยกไปยังประตูเปิดกวน <sh arp> พวกเขาตีกรองโบกธงทิวร้องท้าข้าศึกให้ออกมารบกันลีดปุู๋้วกเรียวกราดออกหน้าหมู่กวัดแกว่งขวานคู่อยู่ไปมาเป่าสู้กล้ายดาบใบกว้างทะลึงตายอย่างดุดนันรอคอยเพียงการจังหารจะอุบัติเสียงจงกับลีกุนกระชับล่ใบจับ จัมีดบินของตัวทั้ง24ี่เล่มเสียบไว้รอบรอบรอบบินอยู่ในมือหนึ่งส่วนอีกมือหนึ่งถือทวนราบกระชับมั่นในมือกลองนั่นกล้องขึ้นบนเชิงเทินของก็ร้องรับจอมพลสื่อเป้าวิรุฬห์แห่งเจียงหนานขี่ม้าสีหมากสุกออกมาพร้อมกระบี่พาวายุขนาบข้างด้วยขุนพลอีกสองคนคนหนึ่งชื่อหูซื่ออีกคนหนึ่งชื่อเหลียนหมิงพอมาถึงก็กระจายกันออกรับมือฆ่าศึกนี่ขุยเป็นคนที่ไม่กลัวฟ้ากลัวดิน คำรามออกมาได้คำหนึ่งก็พาสามสหายผมเข้าใส่ซื่อเปาพอเข้าถึงตัวกระบี่าวายุก็เงื้อขึ้นลีขุยก็ฟันขาม้าให้สุดซื <c oughs> ด่อเปาจำใจกระโดดหนี <c oughs> เข้าไปปะปนกับไพรพลทหารม้าฝ่ายตัวตอนนั้นเปาสู้ฟันเหลียนหมิงตกม้าไปแล้วสองคุณพลโลบินก็โฉบชวัดชิวเยนไปมากระหนึ่งปายยกกับเข็มเงินส่งเจียงสั่ทับม้าให้บุกเข้าประชิดกาแพงเมือง แต่ต้องเผชิญกับท่อนซู้งและก้อนอิฐ ก, ก้อนหญินที่สาตซัดลงมาจากเชิงเพลิงจึงเรียกกลับทันใดนั้นก็เหลือเห็นเป่าสู้แว๊บหายเข้าประตูเมืองไปส่งเจียงได้แต่ครางแต่ตอนนั้นซื่อเป่าซ่อนตัวอยู่ในช่องประตูกําแพงพอเป่าสู้วิ่งทะลุทะล่าเข้ามาก็โผล่ออกมาจากซอกประตูด้านข้างฟันฉับเข้าให้อ <Hey. Hey. S 1> ยู่มาทูดจากโลกันก็ขาดออกเป็นสองท่อน เสียงจงกับลี่กุนเข้าคุ้มกันลี่ขุยลากตัวกลับออกมาส่งเจียงก็พาทับถอยกลับค่ายหดหูด้วยความตายของเปาสู้ลี่ขุยเองก็ร่ำให้ไม่แพ้กันแผนนี้ก็ไปไม่รอดวูหยงเอ่ยแม้เราจะฆ่าผลพลฝ่ายนั้นไปหนึ่งแต่เราต้องเอามือขวาของลี่ขุยเข้าแลกขณะที่ทุกคนกำลังเศร้าสลดพี่น้องเสียก็กลับเข้ามารายงาน แรงงอนพี่ใหญ่ข้ากับน้องเสียเป้าลาดตะเวนจากประตูเมืองทิศใต้ลงไปที่หมู่บ้านฟานห่างออกไปราวยี่สิบลี้หรือกว่านั้นสิเจนเอ่ยก็เห็นเรือประทุกสินค้าหลายสิบลำจอดอยู่ริมตะลิง่งจึงลงไปตรวจ ด, ดูปรากฏว่าเป็นกองเรือขนข้าวที่เจ้าพนัก ง, งานผู้หนึ่งชื่อหยวนคุมมาจากตำบลฝูหยางเราคิดจะฆ่าทิ้งอยู่แล้วแต่เขาร้องขอชีวิตและกล่าวว่าข้าน้อยเป็นพลเมืองดีในแผ่นดินของมหานจาจส่ง แต่ฟังว่าเรียกเก็บภาษีเราจนปี้ปนหากใครไม่ยอมใจก็ต้องถูกฆ่าทิ้งทั้งตระกูลพวกเรารู้มาว่ากองทัพจากราชสนั ก, กกันลงมาปลดเรื่องความทุกข์ยากในครั้งนี้ข้าน้อยเบือนายเหลือดีฝันเพียงใจเห็นสันทิสุขหวนกลับคืนมาอีกหนด้วยเห็นเป็นคนซื่อเราจึงไม่ฆ่าแล้วถามกลับไปว่าล้วมาทาอะไรอยู่ที่นี่ล่ะเขาตอบว่าบรรดาตำบลต่างๆได้รับคาสั่งจากเจ้าฟ้าฟังเถียนติง ให้ล้างยุงฉางทั้งหมดในเขตของตัวแล้วส่งเขาสารไปที่หางโจห้าพันถังแต่เพราะกองทัพฝ่ายท่านปิดล้อมเมืองสู้รบกันอย่างหนักเราจึงไม่กล้าเข้าไปจอดเรือพักรออยู่ที่นี่ทั้งหมดก็มีอยู่เท่านี้แหละขอรับดังนั้นพวกเราจึงเรียบกลับมารายงานบูหยงดีใจกล่าวขึ้นว่าเ <laughs> ฮฮฮอ้ยสวรรคประธานมาให้แท้เทียว เราจะใช้เรือเข้าสารพวกนี้เป็นอุบายแล้วบอกท่งเจียงให้มีคำสั่งลงไปให้พี่น้องเสียนงหมูหน้าสิบห้าคนร้อนเป็นชาวเรือกับครอบครัวห้ามพูดจาใดๆปะปนไปกับหมู่คนเรือเนต ล, ดลอดเข้าเมืองพอเข้าไปได้ก็ให้หลิงเจิ้นยิงปืนใหญ่ขึ้นเป็นสัญญาณให้กองหนุนของเราตีประดังกันเข้าไปพี่น้องเสียก็เรียกเจ้าพนัก ง, งานหยวนขึ้นฟัง แล้วแจ้งคำสั่งส่งเจียงให้ทราบในฐานะที่ท่านเป็นพลเมืองดีในแผ่นดินส่งท่านจงแบกรับภารกิจครั้งนี้ให้ดีหากงานครั้งนี้ลุล่วงท่านจะได้รับรางวัลอย่างงามหยวนไม่มีทางเลือกต้องทําการตามในทหารหลายคนขึ้นเรือ ท, ทําทีเป็นกะลาสีส่วนกลาสีที่แท้ถูกย้ายไปทําหน้าที่อื่นหวางหญิงซุนซินและจางฉิงเปลี่ยนเสื้อผ้าบรรดาเมียทั้งสาม อันประกอบด้วยนางกระบี่เหล็กสิบเสี้แม่นางกู้และนางไม่มดสุนก็แต่งตัวเป็นคนเรือบรรดาในทหารชั้นประทวนพร้อมเข้าประจําการเป็นฝีพายสันพาวุธทั้งหลายถูกเก็บเอาไว้ใต้ท้องเรือกองเรือก็ล่องตามน้ําลงไปจนถึงหน้าเมืองกองทับซ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากจุดนั้นนักเจ้าพนักงานหย้อนขึ้นฟังตามด้วยเซเจินเสี้เป้าและคนเรืออีกเป็นจำนวนมากพวกเขาพากันยืนอ๋อยู่หน้าประตูเมืองขอเข้าไปข้างในทหารบนเชิงเทินสักถาม แล้วรีบรายงานเข้าไปในวังเจ้าฟ้าฟางเถียนติ่งก็ทรงส่งขุนพลบูซื่อออกมาตรวจนับกองเรือแล้วกลับไปถวายรายงานฟางตรัสสั่งให้ขุนพลหกคนพาไพร่พลหนึ่งหมื่นคนไปรักษาการที่ทางเข้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้านที่หยวนจะนํากองเรือร่วงผ่านเข้ามาบรรดาหัวหน้าที่ปลอมตัวก็ประคนเข้าเมืองไปพร้อมกับชาวเรือเหล่านั้น ไม่นานนักเข้าสารทั้งห้าพันถังก็ถูกขนขึ้นฝั่งจนแล้วเสร็จขุนพลทั้งหก็ยกไพร่พลกลับเข้าเมืองบันนั้นทัพส่งที่โอบล้อมเมืองในรัศมีสองสามลี้ก็แปรขบวนรบพอเข้ายามสองหลิงเจิ้นก็ผลแม่กับลูกและปืนใหญ่ขนาดเล็ก9้าลังขึ้นไปบนยอดเนินบู่ซานแล้วจุดขึ้นบรรดาหัวหน้าที่เหลือก็กระจายกันออกไปจุดไฟเผาตามสถานที่ต่างๆด้วยไม่ทราบว่ามีทหารส่งเข้าเมืองมาได้กี่มากน้อย ทางโจทั้งเมืองก็ตกอยู่ในความสับสนอโกลานเจ้าฟ้าฟางเถียนติ่งที่ประทับอยู่ในวังก็ทรงตกพระไถยรีบตรงเกราะขึ้นมาตอนนั้นเอง<ะ>บรรดาไพร่พลบนเชิงเทินเหนือประตูเมืองก็ละทิ้งหน้าที่ทหารฝ่ายส่งตีประดังกันเข้าไปอย่างสามารถทุกคนต่างกระหายใครจะเป็นคนตีเมืองให้แตกขณะเดียวกันทับดีจุนที่เทือกเขาทางตะวันตกของตัวเมือง เมื่อได้รับคำสั่งจากซ่งเจียงก็พาไพร่พลเร่งรุดไปยังอ่าวประธานพิสุทธิ์พอหาเรือได้ก็ข้ามทะเลบุกขึ้นฝั่งที่ประตูหยงจินหือเข้าประชิดประตูน้ำเอาไว้ทุกช่องอาศัยความมื่นในยามค่ำคืนรีบจุนกับซื่อชิวเรื่องปีนกระแพงบุกขึ้นไปตีกูต ว, ว่ดใส่ให้อึงมีกันทั่วไปมีเพียงประตูทางทิศใต้เท่านั้นที่ยังเงียบสงบทหารฝ่ายใต้พากันหนีออกไปทางนั้น เจ้าฟ้าฟางส่งมองหาขุนทหารแต่ไม่พบผู้ใดส่งพลาดไปราเจ้าของหมาตายตื่นเตลดิดดิ้นสะเดือนดังปลาติดหนีสวิงรีบสเสด็จออกจากถางโจพร้อมคนเดินเท้าเพียงไม่กี่สิบคนพอผ่านตีนเขาปัญจับเมคาฉับพลันก็ทอดพระเนตรเห็นบุรุษผู้หนึ่งโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำเนื้อตัวเพล้ยเปล่าขาวเปาะคาบใบมีดองคมได้นนปากปีนตะลิงขึ้นฝั่งมาเจ้าฟ้าชายสันติสุขแห่งเจียงหนานพอเห็นเขาก็ตกพระไทยในรูปร่างหน้าตา ส่งชักม้าจะหนีแต่ไม่ว่าจะเขี่ยตียังไงยังไงม้าสรงก็ไม่ยอมขยับขยื่นเสมือนหนึ่งมีใครมาดึงบางเห็นเอาไว้ชายผู้นั้นวิ่งเข้ามาถึงดึงเจ้าฟ้าฟางเถียนติงลงจากหลังม้าแล้วฝันพระเสียรจนขาดกระเด็นกระโดดขึ้นม้าสรงมือหนึ่งยื่นพระเสียนอีกมือหนึ่งกังมีดไว้แน่นแล้วควบม้ากลับเข้าเมืองไปตอนควบผ่านเจดีย์ฉักกะสมานะฉัน ก็พบเข้ากับทัพของหลินชงและกูเวียนโจทั้งสองหันมาเห็นก็จําได้ว่าเป็นจางเฮงพี่ชายของจางชุนหูเวียนโจจึงร้องทักออกไปว่าหุ้ยท่านมาจากไหนหรือน้องพี่แต่จางเฮงควบม้าเข้าเมืองไป<ฮ>ไม่ตอบใดๆทั้งสิน้นในตอนนั้นส้งเจี้ยนกับทัพหลวงก็ล่วงเข้ามาในเมืองหางโจเรียบร้อยแล้วและใช้พระราชวังของเจ้าฟ้าฟางเถียนติงเป็นกองประชาการบรรดาหัวหน้าที่อยู่ที่นั่น พอ เ, เห็นจางเห็นควบม้าเข้ามาก็ตกตะลึง<อ>เด็ดคนเรือควบมา<อ>้าลงไปจนถึงที่ส้มเจียงยืนอยู่ม้วนตัวลงจากหลังมา้าเบี่ยงหัวโยนมีดลงกับพื้นแล้วคุกเขา่าก้มลงโขกศรีรษะร่ำให้ออกมาจนสุดเสียงส้มเจียงรีบรนลานลงมากอดเอาไว้กับตัวฮะ<อ>น้องพี่ท่านมาจากไหนหรือขอรับแล้วน้องอยู่นที่เจ็ดเล่าไปอยู่เสีที่ไหนกัน <c oughs> ข้าน้อยไม่ใช่พี่จางเฮงดอกขอรับเอา้าถ้าหากไม่ใช่แล้วจะเป็นใครได้อีกหรือพี่ใหญ่ข้าน้อยคนนี้คือจางชุนเพราะต้องคมหอกคมธนูตายอยู่นอกประตูน้ำหยงจินแต่สายป่านดวงวิญญาณไม่ยอมจากไปไหนลอยเรียน้ำอยู่นั่นเรื่องนี้ทำให้พญามังกรสถานบึงที่สิงสถิตยอยู่ในทะเลสาบสีหูสะเทือนใจเป็นยิ่งนักจินโปรดกล้าวให้น้องเป็นเจ้าพ่อแห่งจินหัว และเก็บข้าน้อยเอาไว้ที่วังมังกรใต้น้ำเพื่อเส้นวิญญาณขุนนางตอนที่พี่เข้าเมืองหยางโจวมาวันนี้ข้าน้อยสะกดรอยตามม้าของฟางเถียนติงออกจากเมืองไปในตอนกลางคืนก็เห็นพี่จางเฮงลอยอยู่ที่แม่น้ําจึงเข้าไปขออาศัยร่างว่ายน้ําข้ามาเตืนเขาปัญจักเมฆามาฆ่าไอ้โสครอกพู้นี้แล้วรีบนําให้พี่นี่แหละขอรับพอกล่าวได้ดังนั้นแล้วก็ฟุบลงเหมือนกับตายส่งเจียนรีบดึงขึ้นมาแก้ไข จนในที่สุดจางเฮงก็ค่อยๆลืมตาขึ้นและเห็นส่งเจียงและบรรดาหัวหน้าทั้งหลายไพร่พลก็มุงดูกันให้นั่นขนาดสารพัดคมศาตราวุธชูประชันกันให้สลอนเออพี่ใหญ่ข้ขขาน้อยมาพบกับพี่ที่ยมมโลกแล้วหรือชนไหนจางเฮงถามขึ้นส่งเจียงได้ฟังก็ร่ำให้ <c oughs> ท่านให้น้องจางชุนยืมร่างไปฆ่าเจ้าฟ้าทางเถียน <c oughs> <c oughs> เจ้าฟ้าฟ า, างเถียนติง ท่านให้น้องจางชุนยืมร่างไปฆ่าเจ้าฟ้าฟางเถยนปิงไอ้คนบัดซบท่านยังไม่ได้ตายหรอกขอรับพวกเรายังเป็นๆกันอยู่ท่านยังปลอดภัยดีถ้าเช่นนั้นแสดงว่าน้องข้าตายไปแล้วหรือเช่ไหนจางชุนพยายามดำน้ำลอดประตูน้ำที่ติดกับทะเลสาบซีหูจะเข้าไปวางเพลิงในเมืองแต่มีคนเจอ เลยถูกฆ่าด้วยเกาทันกับหอกอยู่นอกเมือง <c oughs> <c oughs> จางเฮงร้องไห้อย่างขมขื่นใหญ่ผู้ได้เพียงแค่นั้นก็ล้มลงกับพื้นหมดสติสัมปชัญญะแขนขาเกรงแข็งในตาปิดสนิทวิญญาณทั้งสามเจตพูดทั้งเจ็ดแขวนเป็นตะเวทอยู่บนขันช่าง <c oughs> ที่จริงแล้วถึงตอนนี้จะยังไม่ได้ตามไปกับท่านโยมาบาลขุนทหารผู้บัญชาโลก แต่พอความตายกลายมาถึงในตอนหน้ายมาทูตก็ต้องมาขานอดวงวิญญาณไปอยู่ดีเมื่อถูกความเศร้าเสียใจบทขยี้เอาถึงขนาดนี้แล้วจางเหงจะเป็นฉันใดฟังบทถัดไปหากใครจะรู้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 จนในที่สุดจางเฮงก็ค่อยๆลืมตาขึ้นและเห็นส่งเจียงและบรรดาหัวหน้าทั้งหลายไพร่พลก็มุงดูกันให้แน่นขนาดสารพัดคมศาสตราวุธชูประชันกันให้สลอนเออพี่ใหญ่ข้าน้อยมาพบกับพี่ที่ยมมโลกแล้วหรือฉช่นไหนจางเฮงถามขึ้นส่งเจียงได้ฟังก็รำให้ <laughs> ท่านพี่น้องจางชุนยืมร่างไปฆ่าเจ้าฟ้าฟางเถินติงไอ้คนบัดศบ ท่านยังไม่ได้ตายดอกขอรับพวกเรายังเป็นเป็นกันอยู่ท่านยังปลอดภัยดีถ้าเช่นนั้นสแสดงว่าน้องข้าตายไปแล้วหรือช่ไหน <c oughs> จางชุนพยายามดำน้ำลอดประตูน้ำที่ติดกับทะเลสาบสีหูจะเข้าไปวางเพลิงในเมืองแต่มีคนเจอเลยถูกฆ่าด้วยเกาทันกับหอกอยู่นอกเมือง <c oughs> จางเ่งร้องไห้อย่างขมขื่นพี่ใหญ่ ผู้ได้เพียงแค่นั้นก็ล้มลงกับพื้นหมดสติสัมปชัญญะแขนขาเกรงแข็งในตาปิดสนิทวิญญาณทั้งสามเจตพูดทั้งเจแคว้นเป็นตะเวทอยู่บนขันช่งที่จริงแล้วถึงตอนนี้จะยังไม่ได้ตามไปกับท่านโยมบาลขุนทหารผู้บัญชาโลกแต่พอความตายกลายมาถึงในตอนหน้าโยมทูตก็ต้องมาขานอดวงวิญญาณไปอยู่ดีเมื่อถูกความเศร้าเสียใจบทขยี้เอาถึงขนาดนี้แล้วจางเห็นจะเป็นฉันใด ฟังบทถัดไปหากใครจะรู้สองกังตอนที่เก้าสิบหกลูกจุนยี่ลุยไปสอโจทางบก ส่งเจียงยกเข้าสันเขามังกรดำในที่สุดจางเห็นก็ฟื้นคืนสติเอาพวกเราช่วยประคองกันเข้าไปในกระจอมส่งเจียงสั่ง ให้ยาบำรุงหัวใจแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับการปฏิบัติการใช้ฝั่งทะเลที่เขารับไปดำเนินการฮะว่าพรามก็หันมาสั่งไปส่วนกับเจียงจริงให้จดบันทึกความดีความชอบของบรรดาหัวหน้าคนอื่นๆในการสู้รบที่ผ่านมาตอนนั้นย่างเข้าเช้าวันใหม่บรรดาหัวหน้าทั้งหมดมาชุมนุมพร้อมกันอยู่ในค่ายลี่จุนกับชื่อซิ่วจับขุนพลฝ่ายใต้ชื่อหู่ซื่อสามหัวหน้าสตรีจับจางเต้าหยวน หลินชงใช้หอกอสรพิษด้ามยาวเสียบเล่นกงพี่น้องเสียฆ่ากุ้ยอยู่มีเพียงผู้บัญชาการทหารฝ่ายใต้ห้าคนเท่านั้นที่หนีรอดไปได้ท่งเจียงออกประกาศสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและกํานันทัพจางเต้าหยวนถูกทรงตัวไปให้สมุหเทสาพิบาลจ้างประหารท่งเจียงทําหนังสือเป็นลายลักษณอักษรเสนอแนะให้แต่งตั้งเจ้าพนัก ง, งานหยวนผู้นําเรือขนข้าวขึ้นเป็นเทสาพิบาลตําบลฟูหยางสมุหเทสาพิบาลก็ออกใบแต่งตั้ง เป็นชื่อเอาไว้ให้ไปเติมเองเรื่องนั้นเราจะไม่เล่าอีกบรรดาหัวหน้าพักกันอยู่ในเมืองผู้ช่วยเข้ามารายงานว่ารายงอนท่านหัวที่เจ็ดร้อยคอนถามแม่น้ํามันถึงที่นี่แล้วขอรับทรงเจียงรีบเรียกตัวเข้ามาสอบถามในกระโจมหัวที่เจ็ดเล่าเรื่องของตัวว่า ข้าน้อยพาไพ่ผลของฝ่ายเราไปกับท่านจางเหงหูเจี้ยนและตวนจิงจู้พอไปถึงชายฝั่งก็ได้เรือไปหลายลำเรานั่นเรืออยู่นอกฝั่งเมืองไห่เอี้ยนว่าจะเล่นทวนน้าเฉียนถังขึ้นมาทั้งหางโจ้แต่ถูกล้มและกระแสน้ําตีออกทะเลพอเราพากกระแสน้ําเข้ามาอีกก็ถูกหัวพายุพัดเรือล่มพวกเราทั้งหมดถูกเวียงตกน้ําท่านหูเจี้ยนลิงแขนยาวกับท่านตวนจิงจู้สุนัขขนทองไหวน้าไม่เป็นจึงจมน้ํำตาย ไห้ผลที่ไปด้วยส่วนใหญ่รอดแต่ถ้าว่าถูกกระแสน้ําพัดแตกกระจายไปทุกทิศทุกทางข้าน้อยร้อยคอมาถึงหัวขัวผ่านประตูเขาดินแต่ก็ถูกกระแสน้ําพัดขึ้นไปจนถึงเนินปันฟานจึงว่ายน้ําขึ้นฝั่งได้ขอรับข้าน้อยเห็นท่านจาเงเฮง้อยคออยู่ในน้ำํำแถวแถวเขาปันจักเมฆาก็รอให้ไหว้เข้าฟังแต่ท่านก็มาหายตัวไปซะอีกปาาเถะเมื่อคือนก่อนข้าน้อยเห็นแสงไฟลุกขึ้นในเมืองหางโจ และได้ยินเสียงปืนใหญจึงรู้ว่าพวกเราคงกำลังรบกันอยู่ในเมืองจึงว่ายทวนน้ำขึ้นมาถึงที่นี่แหละขอรับแล้วนี่ท่านจางเห็งมาถึงหรื อ, อยังล่ะขอรับท่านพี่ส่งเจียงเล่าเรื่องจางเห็งให้ฟังแล้วอนุญาตให้หยวนที่เจ็ไปพบพวกพี่ๆก่อนจึงสั่งการให้สามพี่น้องกลับเข้าประจำการหน้าที่แม่ทัพเรือตามเดิมและสั่งบรรดาแม่ทัพเรือทั้งหมดให้ระดมเรือเคลื่อนตามแม่น้ำขึ้นไปตีมู่โจ เนื่องจากดวงวิญญาณของจางชุนปรากฏตัวขึ้นสิงร่างคนส่งเจียงจึงสั่งให้สร้างศาลเจ้าขึ้นบนชายฝั่งทะเลสาบสีหูด้านที่ติดกับประตูหยงจินเอาไว้ให้คนเส้นไหว้ตั้งชื่อให้ว่าศาลเจ้าพ่อจินหัวต่อมาหลังจากปราบฟางล่าเสร็จส่งเจียงกลับเมืองหลวงและทูลถวายแรยงานความดีความชอบจางชุนฮ่องเต้ทรงโปรดกล้าวแต่งตั้งหลังมรณกรรมให้เป็นขุนพลแห่งจินหัว สารเจ้าอันเป็นอนุสรสถานรำลึกถึงจางชุนก็ยังคงตั้งอยู่ในหางโจมาจนเท่าถึงทุกวันนี้การที่นับตั้งแต่ข้าไม่น้ำยางสีเกียงมาต้องเสียบรรดาหัวหน้าเป็นไปจำนวนมากทรงเจียนเศร้าโศกนักจึงไปนิมนพระมาประกอบพิธีสวดบังสุกุลที่วัดอ่าวประธานพิสุทธิ์ติด ต, ต, ต่อกันถึง7วันเจคืนติดตั้งแผ่นป้ายวิญญาณโปรยทานหว่านบุญขอให้ดวงวิญญาณของพี่น้องได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์กันหมดทุกคน หลังจากทำบุญไปแล้วส่งเจียงก็สั่งให้ทำลายเครื่องสูงอันเป็นของประดับพระเกียรติเจ้าฟ้าฟางเถียนติ่งทั้งสิ้นแบ่งทรัพย์สินอื่นๆให้กับไม่ทับในกองและไพร่พลสันติสุขห้วนคืนสู่หางโจรัศดรพากันเฉลิมฉลองส่งเจียงก็หารือกับปู่หยงถึงแผนการจะยกไปตีมู่โจตอนนั้นเวลาก็ผ่านไปจนจะสิ้นเดือนสี่ทันใด น, นั้นก็มีข่าวมาว่ารงอน รองผู้ประชา ก, การทหารเหลิวควางสือพร้อมด้วยข้าหลวงผู้แทนพระองค์จากเมืองหลวงตะวันออกมาขอรับทรงเจียงกับบดาหัวหน้าพากันออกไปต้อนรับที่นอกประตูเปิยกวนนำพาเข้ามาในเมืองพระบรมราชโองการที่ทรงโปรดกล่าวลงมามีความว่ารับราชโองการ <c oughs> ถึงท่านแม่ทัพทรงเจียงข้าที่พยายามปราบปรามฟังละ ขณะนี้ท่านสร้างความดีความชอบให้แผ่นดินนักหนาเราจึงสรงของหลวงมาประทานให้แม่ทัพใหญ่ของท่านทั้ง35สิห้าคนเป็นสุราหลวง35หา้าไหและผ้าไหมอีกส5ส้าพับส่วนบรรดาปลัดทัพผู้ช่วยให้เป็นผ้าไหมอีกคนละมวล้วนความในพระชสารเห็นได้ชัดว่าพระจกักรพรรดิทรงรับทราบแต่ว่ามีเพียงกงสุนเชิงเท่านั้นที่ไม่ได้ข้ามน้ำแยงสีเกียงมาด้วยกับทัพ ส่วนความสูญเสียหลังจากนั้นไม่ส่งทราบเลยความที่เห็นสุราหลวงทั้งสาสิบห้าเหยือกกับผ้าไหมอีกสามสิบห้าพับวางอยู่ต่อหน้าก้อนเศร้าก็เล่นขึ้นมาจุกอกห้ามน้ําตาไม่ให้ตกเอาไว้ไม่อยู่ข้างอสุชนก็ไหลหลังพร่างครูข้าหลวงแทนพระองค์ตกใจจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นทรงเจียงก็เล่าเรื่องความสูญเสียของฝ่ายตนให้ฟังฮะสมเด็จพระจักรพรรดิมิทรงล่วงรู้มาก่อนเลยข้าหลวงต่างพระเนตรพระการอุทาน หาข้าน้อยกลับไปจะรีบถวายรายงานในทันทีเลยขอรับส่งเจี้ยงจัดโต๊ะเลี้ยงฉลองให้ข้าหลวงกับรองผู้ประชา ก, การทหารหลิวบรรดาหัวหน้าทั้งเล็กทั้งใหญ่ต่างมาร่วมดื่มกินสุราพระราชทานในงานเลี้ยงทั้งสิ้นทุกคนกล่าวรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสุราและผ้าไหมสําหรับพี่น้องที่มรณะกรรมจับไปถูกกันเอาไว้ตั้งหาดรุ่งขึ้นเช้าส่งเจี้ยงอสุราหลวงเยียบหนึ่งกับผ้าไหมอีกสําหรับหนึ่งตรงไปยังสามเจ้าจางซุนเรียกชื่อขุนพลผู้น้อง ทางเทสุราหลวงลงราดพื้นดังหลังน้ำทักสิโนโทกเอาผ้าไหมหลวงมาห่มรูปปั้นอันเป็นเจเว็ดนั้นไว้ส่วนผ้าไหมที่เหลือก็นำมาเผาอุทิศส่งให้พี่น้องคนอื่นๆทั้งสิ้นที่จากไปก่อนแล้วข้าหลวงอยู่ต่ออีกไม่กี่วันก็กลับเมืองหลวงส่งเจียนตามไปส่งการผ่านไปได้อีกสักสิบวัน สมุหเทศสภิบาลจ้างก็มีหนังสือมาเร่งรัดให้ออกปฏิบัติการส่งเจียงกับบูหยงจึงเชิญลู่จุนยี่เข้ามาปรึกษาหารือหากจะไปตีมู่โจเราต้องตามน้ำขึ้นไปส่งเจียงเอ่ยแต่หากอ้อมไปทาสัวโจเราต้องไปทางบกเลาะไปตามถนนแคบๆฟ้าดานยู่หลิงเข้าไปนั่นหมายความว่าเราต้องแบ่งกำลังออกเป็นสองสายตีเบิกออกไปทั้งสองทางท่านเจ้าสัว จะสะดวกทางไหนหรือขอรับเเป็นไพร่พลต้องฟังคําสั่งหน่ยไม่ว่าท่านแม่ทัพจะสั่งให้ไปไหนก็ต้องไปข้าน้อยไม่มีสิทธิเลือกเอาเองดอกขอรับถ้าฉช่นนั้นนะนะก็ปล่อยให้เป็นไปตามเจตนาของฟ้าก่อนแล้วกันทรงเจี้ยงจัดแบ่งไพร่พลออกเป็นสองสายแล้วเขียนใส่ติ้วเอาไว้เป็นสองแท่งจุดทูปรัธนาสวรรค์แล้วทั้งสองก็เลือดขึ้นมา ส่งเจียงหยิบได้มู่โจส่วนติ้วของลู่จุนยี่เขียนว่าเสอโจที่มั่นของฟางล่าคือคู่หาปางหยวนที่ตำ้บนห้วยน้ำใสส่งเจียงเอ่ยขึ้นหลังจากท่านยึดสวรโจได้แล้วจงตั้งค่ายลงที่นั่นแล้วรีบแจ้งให้ข้าน้อยทราบในทันทีเราจะได้กำหนดวันบุกเข้าตีคู่หาปางหยวนพร้อมกัน ส่งเจียงคัดตัวหัวหน้า28คนพร้อมไพร่พน 30,000 ให้หนุนลู่จุนยี่เข้าตีสอโจกับด่านยูหลิงส่วนพวกที่จะตามส่งเจียงเข้าไปตีมู่โจและสันเขามองกรดำประกอบด้วยหัวหน้า36คนคุมทับบกกับอีก7คนคุมทับเรือหลังจากกล่าวอำลาส่งเจียงและรองผู้บัญชาการเขตทหารหลิวแล้วลู่ก็ออกเดินทับไปตามกาหนดลัดเลาะไปตามเส้นทางในหุบเขาผ่านเขตตาบลหลินอัน ทังฝ่ายส่งเจียงก็ตระเตรียมเรือรบจัดไพร่าราบพลม้าแบ่งหน้าที่ให้บรรดาแม่ทัพในกองทั้งปวงพอถึงวันกําหนดก็เส้นธงชัยสอดประสานกันทั้งม้าทั้งเรือยกตามลําน้ําเฉียนถังตรงขึ้นไปยังตาําบลฝูหยางแต่เนื่องจากหยางโจในตอนนั้นครับก็เกิดโรคระบาดหัวหน้าหกคนป่วยไม่อาจาตามทัพไปได้และอีกสองคนต้องอยู่ดูแลคนป่วยรวมทั้งสิ้นจึงเป็น8คนเหลือตามทัพไปกับส่งเจียงเพียง37คนเท่านั้น ตอนนี้ขอย้อนกลับมากล่าวถึงชาจิ้นและเยียนฉิงที่แยกจากซ่งเจียงที่เมืองซิวโจพอออกจากเมืองก็มุ่งลงใต้มาออกชายฝั่งทะเลที่เขตตำบลใหเอียนลงเรือข้ามทะเลพอถึงเย่โจก็ขึ้นบกก่อนจะลัดเลาะไปตามเส้นทางเล็กๆลงมาสู่ตำบลหู่จี้ข้ามน้ําที่อยู่ผูเพื่อเดินบกต่อไปยังจังหวัดมู่โจนายทหารรักษาด่านก็หยุดทั้งสองเพื่อซักถามเออข้าน้อยเป็นบัณฑิตจากแผ่นดินจงกว๋วชายจิ้นตอบ เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์และการดูดวงฮวงจุย้ยรู้สิ้นไปทั้งหินและหยางทั้งลมทั้งฝนทั้งไตเรเลิกสเกาอีกทั้งเก้านิกายในสามศาสนาเรียกได้ว่าทุกสรรพสิ่งในใต้ล้าไม่มีสิ่งใดสอนไม่ได้ข้าน้อยเดินทางลงมาที่นี่ก็เพราะเห็นแสงแห่งบา ร, รมีของสมเด็จพระจกักรพรรดิพระองค์ใหม่เจรจรัตแปลงรัศมีขึ้นทางใต้ในดินแดนเจียงหนานก็แล้วเหตุเช่นไหนตัวท่านจึงได้บังอาจมา ข, ขวางทางบุญ เมื่อเลื่อมใสในความสูงส่งของสับแสงที่ใช้จิ้นหยิบยกขึ้นมาประดิษฐ์นทหารผู้นั้นก็คิดใคร่จะทราบชื่อข้าน้อยมินาว่าข้าหินแลออกจากบ่าวที่คอยติดตามมารับใช้ในดินแดนที่สูงส่งของท่านนี้แล้วข้าน้อยก็เดินทางมาแต่ตัวคนเดียวไ ม, ม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดแอบแฝงนายทหารผู้นั้นก็เชิญชายจิ้นให้พักอยู่ในด่าน และส่งมาเร็วเข้าไปรายงานยังมู่โจโมาเร็วตรงเข้าไปรายงานกับอุปนายกสูซื่อหยวนปุโรหิตเซนโซผู้ตรวจการราชสนักฮวนอีและจอมพลถันเก่าทั้งหมดก็สั่งให้นําใช้จิ้นมาพบเนื่องจากจับใจในคําโอภาปราศัยทางการมู่โจโจึงให้การรับรองอย่างอารียารอบและเนื่องจากรูปร่างหน้าตาหมดจดงดงามจึงไม่มีผู้ใดไทยถามระแวงแคงใจ ข้างฝ่ายสมุหานายกโลมินจงซึ่งประจำอยู่ณพระสถ า, านในตำบลห้วยน้ำใสก็สั่งให้ผู้ตรวจการราชสำนักหวนอี้ไปพาใช้จิ้นจากมู่โจขึ้นมาเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวในตอนนั้นนอกจากพระราชวังที่คูหาปางหยวนในตำบลห้วยน้ำใสซึ่งเป็นศูนย์ประชาการแล้วพระราชาธิบดีฟางล่าก็ทรงมีพระราชวังทั้งในจังหวัดมู้โจและสอโจอีกด้วยใช้จิ้นกับเหยียนฉิงตามหัวอี้ขึ้นไปยังตำบลห้วยน้ำใส และได้รับการแนะนําให้รู้จักกับสมุหานายกโลมินจงใช้จิ้นพูดจาฉาดฉาน ช, ช, ชัดถ้อยชัดคํำอีกทั้งปฏิพานไหวพริบและอากับกิริยามารยาณก็เป็นที่ต้องตาต้องใจสมุหานายกแห่งราชนาจักรปางล่าจึงยืนครานที่จะเลี้ยงรับรองใช้จิ้นที่สํานักว่าการของตัวแต่เดิมนั้นสมุหานายกโลเคยเป็นแต่ครูสอนหนังสืออยู่ในตําบลห้วยน้ําใสถึงจะคงแก่เรียนแต่เท่าว่าก็ไม่ได้สูงส่งอะไรนักหนา อากับกริยาใช้จิ้นยามโอภาปราศัยจึงนำความยินดีมาสู่ครูผู้เฒ่าเป็นยิ่งนักเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งหมดก็ไปรอท่าพระเจ้าฝ่งราชที่ราชสนักบรรดานางสนมกำนันเฝ้าแหนกันแน่นขนาดในท้องพระโรงส่วนภายนอกพระที่นั่งออกไปบรรดาเสนาอมาตทั้งบุนและบูก็ลดหลั่นไล่ลําดับเรียงกันไปให้สลอนราชเถอุครักพร้อมโลดทองทรงลูกฟักยืนรักษาการให้พร้อมพรัก สมุหานายกโลก็กราบทูลขึ้นว่าข อ, อเดชะได้ฝ่าละอองธุรีพระบาทปกเก้าวปกรมมรวกระหม่อมพระ้ากระหม่อมใครจะขอพระเจาทธธานพระรมราชาอนุ ญ, ญาตเบิกตัวมุรุษผู้หนึ่งนามว่าเค ย, ยินจากดินแดนของท่านปราทคงถือแห่งที่ราบภาคกลางผู้รอบรู้ทั้งการบุญการมูทั้งศาสตร์ทั้งศิล ท, ทั้งลึกซึง้ง ทั้งกล้าหันชานชัยเขาผู้นี้ปราดเปลืองทั้งเรื่องโหราศาสตร์เชี่ยวชาญนักหนาในกิจการอ่านหวงชุย้ยรู้สิ้นลมฝนสามารถอ่านพระฤกษ์รู้ตลอดสวรรค์กัรพิพบโมลนพระเจ้าค่าช่ำชองในนบพนิกายทุกไตรสตร์เงื่อน ง, งำใดในปราดลัทธิล้วนแล้วแต่เป็นคำพีที่กลางอ้าถูกดึงดูดมาที่นี่ก็ด้วยฤาษีเรืองร้องแห่งจกักรพรรดิที่อุบัติมี ขณะนี้คนผู้นี้มักคอยท้าอยู่ที่หน้าประตูนี้แล้วด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเอาให้สุภาพบุรุษผู้รอบรู้ท่านนี้เข้ามาได้พระเจ้าฝางล่ามีพระราช ด, ดำรัสให้เขาแต่งกายได้ตามปกติฮนะช้จิ้นถูกเรียกตัวเข้าไปในวังสุดตัวลงเขาเต่าปลุกปลกุกพรามสรรเสริญเยินยกให้พระเจ้าฝางล่าอายุยืนเป็นหมื่นมื่นปีเขาถูกนาตัวเข้าไปใกล้บัลลังฝางล่าทรงปลื้มพระไทย ที่ทอดพระเนตรเห็นรูปรักอันเป็นผู้ดีของชายจินท่านอาจารย์เห็นรัศมีอันใดในนจาจักแห่งนี้หรือขอรับพระเจ้าฟังล่าทรงมีพระกระแสรับสัง่งขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทข้าพระองค์มาจากดินแดนจงกวัวพระเจ้าค่ะวิดามานดาไอ้ขายฐานานานแล้วข้าพระองค์ต้องเลี้ยงดูตัวเองมาตลอดโอ้โห สงสัยครอบครัวอาจารย์นี่จะร่ำรวยเข้าขั้นมหาเศรษฐีเลยทีเดียวนะว่าไหมเฮ้ยทำไมเหรอเฮ้ยกับพ่อแม่ท่านอาจารย์นะ่ะเขามีธุรกิจขายทานทรงไปทั่วโลกเลยเฮ้ยปาดพ่อเขาหมายถึงพ่อแม่ท่านนะ่ะตายไปนานแล้วปาดพุเอเ้ยไม่น่ามาเป็นข้าหลวงหรอกน่าจะไปเป็นขอทานมากกว่าเฮ้ยโง่อย่างกับแมวอาม้าวังี้ย ท่านอาจารย์เห็นรัศมีอันใดในนจาจักแห่งนี้หรือขอรับพระเจ้าฟังล่าทรงมีพระกระแสรับสั่งขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระองค์มาจากดินแดนจงกวัวพระเจ้าค่ะบิดามารดาไปขายฐานานานแล้วข้าพระองค์ต้องเลี้ยงดูตัวเองมาตลอดได้ศึกษาเล่าเรียนสัพวิชาที่ถ่ายทอดกันลงมาจากพระมหาพรมาจารย์ตั้มแต่ครั้งโบราณากาลในอดีตเมื่อเร็วๆนี้ ข้าได้ตรวจดูท้องฟ้าข้าพระองค์เห็นว่าดวงดาราแห่งจกักรพรรดิสาดแสงตรงลงมายัางเบื้องบุราาทิศของแฟนบูดังนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยออ่อท้อสู่อุตสาบากบันฟันฝ่าวนทางไกลตามลงมาแต่ครั้นผ่อล่วงผ่านเจียนหานก็ได้เห็นจกักรพรรดิปัญจรางสีแปลงรัศมีขึ้นที่มู่โจพอมาวันเนี้ข้าพระองค์ก็ได้มาเข้าเฝ้าได้ย่นโฉมพระพักได้ประจักษ์ตาในบุญญาบรารมี พระพักเรืองอารามงามดังดวงอาทิตย์ทั้งหมดล้วนแล้วแต่แสงรังสีมันปัญจภาพข้าพระองค์นี้ช่างเป็นคนมีบุญเสียนี่ไก ร, ไรเฮ้ยแล้วชัยจิ้นก็เข่าต่าอีกคำรบหนึ่งถึงแม้พระราชนาจักเบื้องอาคาเนของเรายังอยู่แต่เมื่อเร็วๆนี้ต้องมาเสียหัวเมืองน้อยใหญ่ให้กับกองทัพส่งเจียกไปมากนะักพระเจ้าฝั่งล่าทรงมีพระราชดรัส ตอนนี้นะพวกมันกําลังบ่ายหน้ามาทั้งนี้เราควรจะทําช่ไหนดีหรือขอรับโบราณเคยบอกเอาไว้ว่าได้ง่ายก็เสียง่ายได้ยากก็เสียยากหลังจากที่พระองค์สถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์ขึ้นที่นี่พระองค์ก็ทรงยึดหัวเมืองมาได้ตั้งมากมายไก่กองถึงแม้ทรงเจียงจะยกมายึดพื้นที่คืนไปบางส่วนแต่ทว่าไม่ช้าโชค ว, วาสนาจะหวนกลับมาอยู่ข้างแผ่นดินของพระองค์อีก หาเป็นเช่นนั้นมิเพียงแต่แผ่นดินเจียงหนานจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงแต่สักวันหนึ่งแสนยานุภาพแห่งบุญวาสนาบารมีของพระองค์จะแผ่ครอบคลุงไปทั่วทั้งจงกวัวฝืนฟูยุคทองของอดีตสมัยยิ่งใหญ่กว่าครั้งห้านครั้งทางเสียด้วยซ้ำไปเมื่อได้สดับเช่นนั้นแล้วพระเจ้าฟาั่งลาก็ทรงพอพระทัยเป็นที่ยิ่งดํำรัสสั่งให้ใชาจิ้นขึ้นมานั่งบนฟูก ทรงแต่งโต๊ะเลี้ยงและโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชัยจิ้นก็เฝ้าแหนใกล้ชิดเฝ้าสรรเสริญเยินยอประจกประแจงพระเจ้าฝั่งล่าอยู่ไม่ได้ขาดเพียงไม่ถึงครึ่งเดือนข้าราชบริพารทั้งนอกและในวังล้วนต้องอธยาศัยใช้จิ้นเป็นยิ่งนักอยู่เพียงไม่นานความเป็นผู้ดีในทุกกระเบียดนิ้วของชัยจิ้นต่อทุกกรณีที่ประพฤติปฏิบัต ก็ชนะน้ำพระทัยในสายพระเนตรของพระเจ้าฝั่งล่าได้จนหมดสิ้นพระองค์ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้อุปนายกเป็นพ่อสื่อและพระเจ้ทานเจ้าฟ้าหญิงจินซื่อพระราชธิดาให้ตกแต่งกับใช้จิน้นและโปรดเกล้าให้ใช้จินดํารงตําแหน่งพระสวามีเจ้าเ ย, ยนฉิงที่เปลี่ยนชื่อตนเองเป็นหยุนปี้บัดนี้ก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นมหาเล็กหลวงผู้คนเรียกหาว่าพระนายยุ่น หลังพิธีอภิเษกสมรสชายจิ้นก็เข้านอกออกในเขตพระเจสฐานตามอำเภอใจรู้เห็นเส้นสนกลในไปสิ้นฝ่ายพระเจ้าฝัาฝ่งล่าเองก็ทรงเรียกหามาปรึกษาในกิจการทหารอยู่เป็นนิดรสศมีของพระองค์ยังมั่นคงขนงแก่นอยู่นะพระเจ้าค้าชายจิ้นเฝ้าเพชรทูลกรอกรูพระกันอยู่ทุกวันไม่ได้เว้นแต่เป็นเพราะดวงชะตาของพระองค์ต้องดาวบางดวงมาบดบางเอาไว้จะทรงอยู่ไม่เป็นสุขไปอีกสักชั่วครึ่งปีนี้ ต่อเมื่อส่งเจียงเสียแม่ทัพในกองไปจนหมดดาวพวกนั้นก็จะคลายซึ่งคราดและราชนาจักรของพระองค์ก็จะกลับมาฟูเฟื่องขึ้นมาใหม่พระองค์จะรุกไล่ศัตรูให้ตะเลดิดหนีและจะทรงพระอาญาบรามีเหนือที่รากลุ่มภาคกลางได้ในที่สุดพระเจ้าข่าอุย้ยไอ้ส่งเจียงมันฆ่าขุนทาหารอันเป็นที่สนิทใกล้ชิดของเราไปซะหลายคนพระเจ้าฝั่งล่ามีพระดํารัสถามเราควรจะทําฉันใดดี เออข้าพระองค์วี่เคราะดูดวงดาวบนท้องฟ้าดวงชัทาของพระองค์นั้นถึงแม้จะทรงมีขุนพลอยู่หลายสิบก็จริงแต่พวกเขาไม่ประพฤติปฏิบัติรักษาคุณธรรมน้ำมิตรที่เคร่งครัดนักในไม่ช้าก็จะแพ้ภัยหมอดไม่หมดสิ้นไปเองแต่จะมีดาวใหม่อีกยี่สิบปดดวงมาทดแทนช่วยกอบกู้ราชบลังยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้ า, าค่ะขุนพลข้างฝ่ายสรงเจียงอีกนับสิบจะเข้ามาสวนมพัก พวกเขาจะเป็นเรือกประจำดวงชะตาของพระองค์และจะเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีช่วยเหลือพระองค์บุกเบิกแผ่นดินให้แพ่ขยายออกไปกว้างใหญ่ไพศาลพระเจ้าข้าสำหรับพระเจ้าฝั่งล่านี้เป็นเรื่องที่น่า ย, ยินดีเหลือแสน นั้นทัพส่งเจียงก็ยกออกมาจากหางโจญาตราทั้งทางน้ําทางบกทวนแม่น้ําเฉียนถังขึ้นไปยังตําบลฝูหยางพระครูปรูหิตเติมอยวนจัวพร้อมสี่ขุนพลและกองทหารเด่นตายที่พ่ายมาจากหางโจก็พากันถอยทัพไปตั้งรักษาการอยู่ที่นั่นจึงส่งม้าเร็วไปขอความช่วยเหลือจากทางมู่โจอุปนายกซูทรงกําลังหมื่นคนภายใต้การประชาการของขุนพลที่วางใจที่สุดคือขุนพลไบฉินกับขุนพลจิ้งเตอ๋อ ทั้งคู่เป็นผู้กล้าไร้เทียมทานพอไปถึงฟูหยางก็สนธิกำลังเข้ากับบุโรฮิตเตอร์ยึดภูเขาสูงเอาไว้เป็นที่ตั้งรับยามนั้นทัพทรงเจี้ยงเพิ่งจะยกขึ้นมาถึงจุดที่เรียกกันว่าคุ้งเจ็ดลีจึงให้ทัพเรือไปหน่วยหน้าแล้วพาทัพม้ารุกคืบตามไปเมื่อทราบข่าวดังนั้นจอมพลซื่อเป้าก็นําทัพลงมาจากยอดเขาแบกขวานฟ้าถือกระบี่พาวายุออกมารับหน้าศึกกวนเชิงถหลันเข้ารบ แต่ลูกฟางตะโกดเรียกเอาไว้อุยท่านพี่แขงรอประเดี๋ยวปาดโทษไม่ไหวจังวะเนี่ยฮะขอให้ข้าน้อยได้ปรากมือก็ไม่มานอกคนนี้สักตั้งก่อนเถิดปะะาดโทษขณะที่ส่องเจี้ยงมองออกไปจากใต้ร่มธงฝ่ายตนลูกฟางก็ควบม้าถือหอบติดเคียวเสี้ยวจันตรงเข้าใส่ซื่อเป้า คุณทหารจากเจียงหนานกระชับกระบี่ภาวายุเอาไว้มัน่นทะลันออกรบทั้งสองประกบกันไปกว่าห้าสิเพลงลูกฟางก็เริ่มอ่อนแรงโอเชงผู้มาจากเขาคู่ด้วยกันห อ, อกก็ติดเคียวซิ่วจันเหมือนกันก็ควบม้าเข้าร่วมสมทบถึงจะสอรุมหนึ่งจอมพลซื่อเป้าก็ไม่เพี้ยงพลัมตอนนั้นเองปุโรหิตเติง้งที่อยู่บนยอดเขามองลงมายังสนามรบเห็นทัพเรือของส่งเจียงได้ลมส่ง แล่นตัดน้ำตรงมาถึงฝั่งทยอยขนไพ่ผลขึ้นตะลิ่งด้วยกลัวจะถูกขนาบจากสองด้านจึงให้สัญญาณถอยทับแต่ลู่ฟางกับโกเชงไม่คิดจะปล่อยให้ซื่อเป้าถอยหนีหลังจากทั้งสามรบกันไปนอีกสามเพลงสี่เพลงจูถงก็ควบม้าจากที่ตั้งเข้าร่วมวงซื่อเป้าเห็นว่าจะรับมือทั้งสามไม่ไหวจึงปัดอาวุธแล้วเพ่นหนี ส่งเจียงโบกแสบบรรชาทัพไล่ตามตีขึ้นไปบนสันเขาทัพฝ่ายใต้ต้านมาอยู่ก็แตกกระเนนขึ้นไปรอรับมืออยู่ที่ตะบนถงลู่เหนือน้ำขึ้นไปทัพส่งเจียงไล่ตามไปในตอนกลางคืนพอข้ามสันเขาไปได้ก็ลงค่ายพักพนในตอนนั้นส่งเจียงสั่งพี่น้องเสีย้ยเหยียนซุนเสือเตี้ยวหวางและนางกระบี่เหล็กสิบเสี้ยให้ออกไปยึดถนนสายที่แยกไปทางตะวันออกให้ลี่ขุยเสียงจงลี่กุนฟานรุยและมาลิน ไปรักษาถนนที่แยกออกไปทางทิศตะวันตกให้พาไพร่พลไปหน่วยละพันคนเป้าหมายคือให้บุกไปตามถนนทั้งสองสายลงไปบรรจบทัพที่ถงลูกและให้เข้ายึดที่ตั้งอันเป็นชัยภูมิทางทงหารในตำบล น, นั้นเอาไว้ส่วนทัพเรือที่นำโดยลี่จุนสามพี่น้องหยวนสองพี่น้องถงและเม่นกังก็ให้ยกตามลำน้าขึ้นไปตอนที่เสียจนกับพลพรรคไปถึงถงลู่นั้นเวลาก็ล่วงเกือบเที่ยงคืนเข้าไปแล้ว โปรฮิตเตอร์ ing, กำลังนั่งปรึกษาหารือกับจอมพลซื่อเป้าท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังขึ้ น, นกึกก้องกับมานาดจอมพลฝ่ายใต้ทั้งสองรีบขึ้นมาก็เห็นแสงคบสามสายพุ่งเข้ามาหาราวติดปีกซื่อเป้าเห็นเข้าก็รีบหนีค น, นอื่นๆก็เพนตามไม่มีผู้ใดกล้ายืนหยัดต้านทาน ฉับทันนั้นคบไฟทั้งสามสายก็ลังไหลจู่เข้ามาถึงตัวคุณพลหวนฝ่ายใต้ขึ้นมาค่อนข้างชา้าจึงเรียบควบ ม, ม้าหนีไปตามทางเส้นแคบๆสายหนึ่งกบกับเสือเตี้ยวหวางและนางกระบีเหล็กสิบเสีย้ยสองคนโผเมียร่วมมือกันเข้าขาตรงเข้ากระชากหวนลงจากหลังม้าและจับมัดไว้เฮ้ยปล่อยกู น, นะพวกมึงเฮ้ยท่านพี่จับมันมัดไว้ <laughs> เสร็จกูแล้วมึงเฮ้ย ตลาดตันดำลีขคุยกับไพรพลก็เที่ยวข้าปันแหละเผาผ่านไปทั่วส่งเจียงสั่งให้ทับตัวถอนค่ายแล้วเคลื่อนตามไปยังถงลูกที่นั่นเสือเตี้ยงหวางกับนางกระบีเหล็กสิเสียมอบเเลยศึกวนเคารา่อ้างแลกบาเหน็จทับส่งเจียงก็ส่งตัวเฉลยไปรับโทษประหารกับสมุหเทสภิบาลจ้างเรื่องนั้นเราจะไม่ลงรายละเอียด วันรุ่งขึ้นส่งเจียนก็เคลื่อนพ้นทั้งมาทั้งเรือขึ้นไปทางตีนเขามังกรดังข้ามสันเขาลูกนี้ไปก็คือมูโจ้โรฮิตเตอรกับขุนพลฝ่ายใต้ที่เหลือก็ยึดด่านวางกำลังทหารเอาไว้เต็มที่เนื่องจากมันตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำแยงสี่เกียงตัวด่านจึงตั้งอยู่ระหว่างสายน้ำเชี่ยวด้านหนึ่งกับหน้าผาสูงอีกด้านหนึ่งโดยมีป้อมค่ายตั้งอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างเป็นฐานพับเรือหลังจากตั้งค่ายปักหลักลงระเนียดเรียบร้อยแล้ว ส่งเจียงก็สั่งลีบขุยและพักพวกนำไพร่พลรอ บ, บินห้าร้อยคนไปลาดตระเวนตามเส้นทางแต่พอไปถึงตีนเขาลูกนั้นก็ถูกทหารฝ่ายใต้ทิ้งท่อนซุงและอียดหินลงมาใส่จึงกลับมารายงานส่งเจียงก็เรียกกองเรือขึ้นฝั่งมาครึ่งหนึ่งแล้วสั่งยวนที่สองพาผู้ช่วยไปด้วยสองคนพร้อมกับทหารเรือหนึ่งพคนให้ลงเรือพายหนึ่งร้อยลำตีกลองร้องเพลงพื้นบ้านตรงไปยังคุ้งน้ำที่ตั้งอยู่ที่ตีนสันเขามังกรดำ ณจุดนั้นฝั่งล่ามมีกองเรือห้าร้อยลำทหารเรืออีกห้าพันคนภายใต้การบัญชาของสี่แม่ทัพสมยาสี่มังกรแห่งเจ้าเจียงหัวหน้าใหญ่คือในพลเรือเชงกุ้ยมังกรเล็บหยกมีผู้ช่วยประกอบด้วยไซหยวนมังกรเกรดเงินเจียวเจิ้งมังกรด้านคลื่นและเชี่ยฟูมังกรคาบแก้วชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นชื่อพระเจาฐานทั้งสิน้นความจริงคนทั้งสี่เคยเป็นชาวเรือบนลำน้ําเฉียนถังมาก่อน หลังเข้าร่วมพระเจ้าฝั่งล่าก็แต่งตั้งให้พวกเขาเป็นขุนนางชั้นสามยวนที่สองพากองเรือภายตัดคลื่นเข้าหาฝั่งนายพลเรือทั้งสี่ได้รับรายงานล่วงหน้าก็เตรียมแพร่สูงต้นสนบรรทุกเชื้อไฟเอาไว้ห้าสิบแพรเอาฟางหญ้ากองสุมเอาไว้จนพูลยัดเชื้อประทุเอาไว้ข้างใต้แล้วใช้ตอกผูกโยงกันเอาไว้แพเหล่านี้ถูกดึงขึ้นมาเตรียมพร้อมพักเอาไว้ริมตะลิ่งขณะที่ยวนที่สองเม่งกลางกับสองพี่น้องตระกูลถงเข้าใกล้ฝั่ง แม่ทัพเรือฝ่ายฟางล่าเข้าดูอยู่พักใหญ่ก็ชูธงแดงสีสิซีดๆขึ้นโบกแล้วทั้งสี่ก็แต่งชุดชาวบ้านลงเรือเร็วสี่ลำพายออกไปล่อเรือเร็วทั้งสี่ลำเข้าประชิดกองเรือฝ่ายซ่งอย่างรวดเร็วยวนที่สองจึงสั่งการให้พลเรือทั้งหลายชาดเก้าทันออกไปสกัดห่าใหญ่เรือเร็วทั้งสี่ก็หนีไปยวนไล่ตามเข้าฝั่งแม่ทัพเรือทั้งสี่กระโดดขึ้นตลิ่งวิ่งหนี ไพรพนตามกันไปเป็นพวงพีพกไปแล้ววแน่จริงก็ตามมาใ <laughs> ยวนมองขึ้นไปเห็นป้อมค่ายทัพเรือตั้งอยู่บนฝั่งก็ไม่กล้าตามรีบพาคนหัวตนล่าถอยกลับมาที่เรือทันใดนั้นธงผืนหนึ่งบนสันเขามังกรอนดำก็โบกสะบัดทั้งคองทั้งกรองสัดกระหน่ำแพ่ไปถูกจุดแล้วผลักลงน้ำ ลอยเข้าหาฝั่งกองเรือฝ่ายส่งดักทางถอยเอาไว้ยิ่งได้ลมเปลวไฟก็ยิ่งลุกไม่ชดช่วงเลยออกไปด้านหลังกองเรือใหญ่ของฝ่ายฝั่งล่าก็ปรากฏตัวขึ้นอีกทหารฝ่ายใต้ถือชูหมวกยาวกับตะขอพากันกูตวัดพอมาถึงก็ตะลุยเขา้าฟาดฟันแบบไม่ยัง้งพี่น้องโถงเห็นศัตรูกล้าแข็งเหลือกำลังก็เอาเรือเกยฝั่งไปยินตะลิงหนีขึ้นเขาหาเส้นทางกลับค่าย ยวนที่สองกับเม่งกลางถูกทิ้งให้อยู่รับมือกับข้าศึกโดยลําพังแผลเชื้อไฟที่ล้อมอยู่ก็ประชิดเข้าใส่ยวนกําลังจะกระโดดน้ําก็พอดีกับที่เรือฝ่ายใต้ลำหนึ่งพุ่งเข้ามาจากด้านหลังตะขอด้ามหนึ่งชกออกมาดึงตัวเอาไว้ด้วยกลัวว่าหากถูกจับจะถูกประจานมารอเมหิตก็เอาดาบเชือดคอตัวเองตายเม่งกลางกระโดดหนีลงไปในน้ําฉับพลันปืนใหญ่บนแพลก็ระเบิดขึ้นพร้อมกัน ลูกกระสุนนัดหนึ่งพุ่งเข้าเขายิบหมวกเหล็กเสาหยกบกทวัตก็ถูกกระสุนปืนใหญ่บทหัวกะโหลกปลิวหายไปทั้งหมวกทั้งคนขุนพลเรือแห่งเจ้าเจียงทั้ง4รุกกลับลงมาที่กองเรือที่ตกอยู่ในกองไฟอย่างรวดเร็วลี่จุนอยู่ที่ห้าและอยู่ที่เจ็ดรั้งอยู่ท้ายเพราเห็นหน่วยหน้าแตกพ่ายและคาศึกที่ดำพลึบไปทั้งชายฝั่งด่าหน้ากันเข้ามาอย่างอำมหิตก็รีบคัดท้ายเรือล่องตามน้ําหนีลงไปไม่มีผู้ใดคิดจะแวะขึ้นฝั่ง หากแต่ตรงไปยังถงลู่อย่างรวดเร็วบนสันเขามองกรดำนั้นโรฮิตเติ่งกับจอมพลซื่อเป้าก็ยกพลจากสันเขาคิดจะตามลงมาเก็บเอาชัยชนะแต่เนื่องจากทางลงไปแม่น้ำไกลเกินกว่าที่จะยึดกำลังได้ไหวแถมกองกำลังฝ่ายส่งที่เข้าตีก็ถอนกลับค่ายที่ถงลู่ไปหมดแล้วจึงสั่งให้ทหารถอนตัวกลับขึ้นสันเขามมงกรดาอย่างเก่า ทรงเจียงนั่งห่อเหี่ยวอยู่คนเดียวในกระโจมหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของหยวนที่สองและเม่งกังจะกินก็ไม่ได้จะนอนก็ไม่หลับหูหยงและหัวหน้าคนอื่นๆปลอบยังไงยังไงก็ไม่ไหวในที่สุดหยวนที่ห้าและหยวนที่เจ็ดที่อยู่ในระหว่างไว้ทุกข์ก็เข้ามาพูดว่าไอ้ ai, พีงใหญ่ของเรามอบชีวิตตัวให้เป็นชาติพรีนั่นย่ำดีกว่าตายเยี่ยนจนใครยอยู่บนเขาเหลียญซานนักท่านพี่เป็นแม่ทัพสูงสุดของเรา ยัได้กดดันตนเองไปให้มากนักเลยขอรับโปรดเอาใจใส่เรื่องสำคัญของพีดินจะดีกว่าเราสองจะหาทางแก้คืนเอาเองเพราะได้ฟังเช่นนั้นส่งเจียงก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างวันต่อมาก็เรียกระดมพลเรียมบุก ค, คืบหน้าแต่ทว่าวูโยงลุกขึ้นมาขัดเอาไว้เฮ้ยท่านอย่าได้ใจร้อนเกินไปเราต้องคิดแผนการดีๆให้ได้สัตยาก่อน การบุกข้ามสันเขายังมีเวลาอีกถงเถือ่อสซีเจิ้นกับเสี่ยเป้าก็อาสาขึ้นว่าเราสองพี่น้องเป็นพลานป่าการไปหินเขาข้ามสันปัญหาเป็นงานของเราอยู่แล้วทำไมไม่แต่งตัวเป็นพลานป่าไปหินเขาขึ้นไปจุดไฟให้ไม่ป่าขึ้นสักครั้งให้ถอยไฟใต้พวกนั้นได้กรวยจนหัวหดทิ้งด่านหนีไปเป็นความคิดที่ดีบูยงเอ่ย แต่ถ้าว่าเขาลูกนั้นอันตรายยิ่งนักจะขึ้นไปนั้นยากหากก้าวพลาดสักนิดก็จะเอาชีวิตไปทิ้งซสือเปล่าเปล่าไ ป, ไปเลยก็นับต้องแต่แหกคุกเต็งโจแล้วเข้าไปร่วมกวนกับพวกพี่ที่เลี้ยงสารเปาะเป็นเพราะบา ร, รมีของพี่ใหญ่ส้งเจี้ยนโดยแท้ที่เราสองได้เป็นหนึ่งในพวกกล้ามานานไปแล้วมาตอนนี้ราชสนาจะพยะโทษให้พวกเราสามารถหวนกลับไปน่งผ้าไหมได้อีกครั้งดังนั้น เพื่อราชสำนักและเพื่อทดแทนพระคุณของพี่ใหญ่ส่งเจียงถึงจะถูกบดขยี้เป็นผุยผงก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะให้ไม่ได้เฮ้ยพูดอะไรเป็นอัปมงคลส่งเจียงทักพี่หวังก็แต่ได้ใช้ชนะครั้งใหญ่แล้วกลับเมืองหลวงไปพร้อมหน้าพร้อมตาพระจกักรพรรดิจะดูแลให้รางวัลอย่างเหมาะสมท่านทั้งสองไปทุ่งเทให้เต็มที่เถิดเพื่อแผ่นดินบ้านเกิดของเราเองพี <S <S ่น้องเสียก็ไปเตรียมตัว ดึงอาชุดหนังเสือขึ้นมาหม่มห้อยดาบเอาไว้กับเอลหยิบชะงูกเหล็กดาดขึ้นมาถือกล่าวอำลาส่งเจี้ยงแล้วบ่ายหน้าไปทางสันปันน้ำแห่งเขามังกรอนดำตอนนั้นเพิ่งจะได้ยามแรกทั้งสองเห็นนายทหารชั้นประทวนสองนายซุ่มอยู่ในป่าก็ฆ่าทิ้งไปทั้งคู่ตอนไปถึงตีนเขาลูกนั้นทั้งสองได้ยินเสียงกลองบอกเวลายามสองแววลงมาจากป้อมค่ายฝ่ายใต้บนสันเขา เนื่องจากการคืบคลานไปตามที่โล่งนั้นอันตรายเกินไปพี่น้องเสียจึงปีนป่ายขึ้นไปตามไหล่เขาที่สูงชันอาศัยก้อนหินและรากไม้ดึงตัวขึ้นไปบนสันเขาด้วยยากลําบากแสงจันทร์ส่องสว่างราวกลางวันพอปีนขึ้นไปได้ราวสองในสามทั้งสองก็มองเห็นแสงตะเกียงวัววบวบแหวมอยู่บนสันเขาก็ซุกตัวเข้าไปในซอกเขาแอบฟังสั์สำเนียงตอนนั้นยามตีบอกเวลายามสี่น้องพี่ฤดูเนี้กลางคืนชั้น ฟ้าคงจะมืดต่อไปได้อีกไม่นานเซจินกระซิบบอกน้องเราเรียบไปกันต่อเถอะทั้งสองคลืบคลานขึ้นไปหย่ำยากเย็นในไม่ช้าก็ขึ้นไปถึงแง่ผ า, าสูงชั้นแห่งหนึ่งตั้งตารางานปานฝาบ้านทั้งสองจึงใช้สองมือสอเท้าเกาะขึ้นไปด้วยเหตุนั้นจึงเอาฉมวกไพร่เอาไว้ด้านหลังแต่ทั้งวันก็ผ่านฉมวกเล่มหนึ่งไปกระแทกกับแง่หินสียงดังเคร้งใหญ่พวกยามลาตระเวณอยู่บนสันเขาหันไม่เห็นเข้า ตอนนั้นเสียเจนเพิ่งปีนขึ้นไปถึงง่ายหินแห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงตะโกนลงมาเฮ้เสกูยามรักษาการเหล่านั้นเอาตะขอไม้ไผ่แย่ลงมาควานหาตัวตะขอเกี่ยวผมบนหัวเสียเจนรีบชักมีดออกมาก็พอดีกับที่คนข้างบนออกแรงดึง oh. เสียเจนก็ลอยตามขึ้นไปให้ค้างอยู่กลางอากาศ <Okay. S 1> ด้วยอารามตกใจจึงควักมีดฟันลำไม้ไผ่ขาดออกไปสองท่อน ร่างของงูสองหัวก็ลอยละเลี่ยวตกลงไปกระแทกกับหินสูงกว่าร้อยเสียเบื้องล่างโอ้อนาหนาใช้ชีวิตกึ่งหนึ่งขึ้นไปอยู่บนเขาในฐานะผู้กล้ากลับร่วงลงมาร่างแหลกเหลวอยู่บนพื้นดินพอเห็นพี่ชายตกลงไปเสียเป้าก็รีบไต่หน้าผาตามลงมาช่วยแต่ก็ตกอยู่ท่ามกลางหากรอนหินก้อนอิดทั้งเล็กทั้งใหญ่ทุ่มลงมาใส่ดังสายฝนแมงป่องสองหางถูกซ้ำเข้าให้ด้วยหน้าไม้ ที่ระดมยิงลูกดอกออกมาจากกอไผ่หนาทึบอา น, นิจาเป็นพรานป่ามาทั้งชาติชะตาก็มาขาดตกตายตามพี่ใหญ่ซากศพกองไก่กันอยู่ข้างกอไผ่ริมสันเขาแมงกรันดำแห่งนั้นนั่นเองรุ่งเช้าพวกที่อยู่บนสันเขาก็ส่งคนลงมาดูร่างของคนทั้งสองถูกทิ้งให้ตากแดดตากลมอยู่อย่างนั้นแมวมองผู้หนึ่งไปเร่งงานส่งเจียมแม่ทับหน้าร่าให้จนสลบไปหลายตลบ ก่อนจะสั่งให้กวนเชงกับหัวโลงราดมทหารจะบุกขึ้นไปยึดสันเขามังกรดำแก้แค้นให้พี่น้องทั้งสี่เฮ้ยอย่าดวนใจร้อนไปเลยขอรับท่านแม่ทัพวูยงเตือนขึ้นอีกที่พวกเขาจากไปนั้นก็ด้วยเจตนาของฟ้าล่ำพังเพียงจะหรีผ้าหลามเจ้าด่านมาเป็นของเรานั้นไม่ได้ดอกเราต้องวาดแผนการยุทธฉลาดวางยุทธศาสตร์ให้หลักแหลมเสร็จแล้วก็ใช้ไพ่พน้นไปให้สอดคล้อง เฮ้ยท hey, น า, จายจอนพี่น้องของเราหมดไปหนึ่งในสามแล้วนะขอรับส่งเจียงคำรามอย่างเกลี้ยกราดมจะปล่อยให้บัตรศพพวกนั้นทิ้งซากศพพวกเขาเอาไว้กลางแจ้งแบบนั้นนะ่ะหรือคืนเนี้ยเราจะต้องเข้าไปแย่งศพเอามาใส่รองฝังตามธรรมเนียมให้ได้เฮ้ย hey, <Hey, S 2> ไอ้บัตรศพพวกนั้นทิ้งศพของพวกเขาเอาไว้ก็ด้วยจงใจท่านจะวูว้วาไม่ได้นะขอรับ ได่ส่งเจี๊ยงไม่ฟังเสียงเร่งระดมทัพเลือกเอาประดานักรบตัวกันลั่นได้สามพันคนจัดให้กวนเชงหัวหลงลูฟ่ฟางและโกเชงเป็นผู้ช่วยเคลื่อนพลขึ้นไปบนสันเขามังกรดำในคืนนั้นเลยพอได้ยามสองนทหารผู้หนึ่งก็พูดขึ้นว่าพวกท่านข้างหน้านั้นเป็นศพของท่านเสียท่านกับท่านเสียเป้าหรือไม่ใช่ ส่งเจียงควบม้าเข้าไปดูมีศพสองศพแขวนอยู่บนโครงไม้ไผ่ยิงเอาไว้กับต้นไม้สองต้นที่ต้นไม้ต้นหนึ่งถูกถากเปลือกเห็นแกนในสีขาวมีอักษรจาร์เอาไว้แต่แสงจันทร์ไม่เป็นใจให้อ่านได้ส่งเจียงเรียกอาชุดไฟที่ใช้จุดฟืนใหญ่เป็นฐานไฟแดงโร่มาส่องดูการอ่านได้ความว่าไม่ช้าก็เร็วไอ้ส่งเจียงจะมีสภาพเยี่ยง น, นี้ส่งเจียงโกรธนักสั่งการให้ฉะลอศพคนทั้งสองลงมาอย่างพื้น ทัในใดนั้นทั้งจากสี่ด้านคบไฟก็จุดสว่างสวัยเจิดจ้าทหารฝ่ายใต้ประชิดเข้ามาเสียงลูกเกาทันก็ดีดพึ่งลงมาจาก บ, บนหัวเรือรบในแม่น้ำเบื้องล่างก็ขนทหารขึ้นตะลิ่งส่งเจียงได้แต่คลางอยู่ภายในใจว้าวุ่นไปสิน้นรีบสั่งไพร่พลให้ถอนตัวแต่ก็ถูกซื่อเป้าขวางทางเอาไว้พอหันหลังกลับก็เจอหลวงจีนเต้งหยนจวะไีกระนาบเข้ามาทั้งปี โอ้ว่าอเนจจานอทารงความกล้าหาญมาตลอดชีวิตชื่อเสียงเกียรติภูมิสูงส่งวาดวิจิตอยู่เต็มท้องฟ้านพาอันหาขอบเขตไม่ได้มาบัดนี้ความพินาศและความตายไร้ที่กลบฝังมาลอยเด่นให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาแม่ทัพใหญ่อย่างทรงเจียงก็จริงดังเขาว่าการเข็นข้าขนานใหญ่แขวนยึดบนเส้นได้ใกล้จะขาดผึงสถานการณ์รัดรึงยิ่งกระหน่ำซ้ำร้ายวุ่นวหาวุ่นวายกันไปสิ้น ส่งเจียงกับไพรพลจเจ้าตัวรอดจากสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรฟังบทถัดไปหากว่าใครจะรู้เฮ้ย <c oughs> อย่าโดนใจร้อนไปเลยขอรับท่านแม่ทัพวูหยงเตือนขึ้นอีกที่พวกเขาจากไปนั้นก็ด้วยเจตนาของฟ้าล้ำพังเพียนจะภรีผ้าหลามจเจ้าด่านมาเป็นของเรานั้นไม่ได้ดอกเราต้องวาดแผนการยุทธิชลาดวางยุทธศาสตร์ให้หลักแหลม เสร็จแล้วก็ใช้ไพ่ผลไปให้สอดคล้องเฮ้ยท hey, นายจอนพี่น้องของเราหมดไปหนึ่งในสามแล้วนะขอรับส่งเจียงคำรามอย่างเกลี้ยวกล่อจะปล่อยให้บัตรศพวกนั้นทิ้งซากศพพวกเขากอาไว้กลางแจ้งแบบนั้นนะ่ะหรือคืนเนี้ยเราจะต้องเข้าไปแย่งศพเอามาใส่รองฝังตามธรรมเนียมให้ได้เฮ้ยไอ้บัตรศพวกนั้นทิ้งศพของพวกเขากองไว้ก็ด้วยจงใจท่านจะวูว้วาไม่ได้นะขอรับ แต่ส่งเจียงไม่ฟังเสียงเร่งระดมทัพเลือกเอาประดานักรบตัวกันกลั่นได้สามพันคนจัดให้กวนเชงหัวหงลูกฟางและโกเชงเป็นผู้ช่วยเคลื่อนพลขึ้นไปบนสันเขามังกรดำในคืนนั้นเลยพอได้ยามสองนทหารผู้หนึ่งก็พูดขึ้นว่าพวกท่า น, <ว> น, <ท>นข้างหน้านั้นเป็นศพของท่านเสียเัินกับท่านเสียเป้าหรือไม่ใช่ ส่งเจียงควกม้าเข้าไปดูมีศพสองศพแขวนอยู่บนโครงไม้ไผ่อิงเอาไว้กับต้นไม้สองต้นที่ต้นไม้ต้นหนึ่งถูกถากเปลือกเห็นแกนในสีขาวมีอักษรจารเอาไว้แต่แสงจันทร์ไม่เป็นใจให้อ่านได้ส่งเจียงเรียกอาชุดไฟที่ใช้จุดฟืนใหญ่เป็นฐานไฟแดงโรคมาส่องดูการอ่านได้ความว่าไม่ช้าก็าเร็วไอ้ส่งเจียงจะมีสภาพเย่ยงนี้ส่งเจียงโกรธนะักสั่นการให้ฉลอศพคนทั้งสองลงมาย่างพื้น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 ช่วงเวลาแห่งวรรณกรรมจีนต่อไปนี้ขอเชิญพัดพบกับวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ชุด ส, สองกลงจากบทประพันธ์ของซื่อในอันแปลโดยอาจารย์จรัสชัยเชีย่ยวยุทธวันนี้เสนอถึงตอนที่97มีชื่อตอนว่าโรฮิตเตอรไปต้องธนูที่เมืองมู่โจกเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยส่งเจี้ยงขึ้นสันมังกรดำ คนซื้อเป้าตะโกนสั่งเสียงดังลัน่นไอ้ซ่งเจีย๊ยบมึงลงม้าแล้วมาย้อนสิโลราบชิ้ต้หน่อยดีมัวรอบ้าอะไรอยู่วะฮะ้ไอไ้กนเชิงได้ฟังก็โกรธควัดแกงงาวกะตุ้นม้าเข้าหาซื่อเป้าแต่ก่อนที่ทันจะได้ปรามมือก็มีเสียงกูตวาดดังมาจากด้านหลัง แม่ทัพเรือฝ่ายฟางล่าทั้ง4ี่ก็บุกขึ้นมาจากทางฝั่งน้ําพร้อมๆกันนั้นขุนพลหว่างจี้กับขุนพลเช่าจงก็พาไพร่ผลตะลุยลงมาจากด้านบนสันเขาเมืองก้อนดำ <Hey. Yeah. S 1> หัวหลงศึกมาเข้ารับมือกับหว่างจี้ทั้งสองรบกันได้ไม่กีเ่เพลงหัวหลงก็หนีโดยมีหวังกับเช่าไล่ตามหัวหลงเที่ยวตัวกลับมายิงเกาทานันออกไปติติดกันสองดอก <c oughs> สองข oh. ุนพลฝ่ายใต้ก็ร่วงจากหลังม้าตามกันลงไปทับท่องโหวร้องแต่ก็ไม่กล้าบุกใส่ส้ำยังถอยหนีไปโดยไวการที่หวังกับเช่าสิ้นสภาพไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้แม่ทัพเรือทั้งสี่ก็ชนะเท่ากับว่าหัวหลงหยุดแนรบที่เข้ามาตีจากด้านหลังอย่างได้ผลแต่ฉับพลันนั้นทัพฝ่ายใต้อีกสองกองก็ตีกระนาบเข้ามาทางปีกนำโดยขุนพลไปฉินและขุนพลจริงเตอ๋อลู่ฟางและโกเชงเรีบแย ก, ออกรับมือ คุณทหารทั้งสี่พันตูกันอย่างสุดฤทธิ์ทรงเจียนกำลังคิดวิตกอยู่ในใจแต่พอดีมีเสียงโบกเวกวยวายดังขึ้นมาจากด้านหลังทหารฝ่ายใต้บริเวณนั้นแตกหนีกระเจ็ดกระเจิงลีกุยพร้อมด้วยเสียงจงกับลีกุณผู้ประชา ก, การทหารหน่วยโล บ, บินพาไพร่พล น, นับพันคนตีกระนาบเข้ามาทางด้านหลังของทัพซื่อเป่าพอปโปรหิตเติมทรงกองหนุนไปช่วย ทับของฝ่ายตัวก็ถูกหลวงจินลู่กับพระธุดงบูสงตีดัดหลังเข้าให้อีกพีรีพี่ไรทั้งจั่วทั้งจ้วงวเหล็กทั้งดุนก็ทั้งบดทั้งขย่ยีตะบี้ตะบันทับฝา่ายใต้แตกออกเป็นช่องคนเดินท้าฝ่ายซ่องอีกพันคนก็หนุนตามมาติดๆยิ่งกว่านั้นหัวหน้าอีกแปดคนก็พาหนุ่ยผสมทั้งมา้าทั้งคนตีบดังกันเข้ามาอีกปรากฏว่าพอถึงตอนนี้ทับของซื่อเป้าและเติ้งหยวนจัว่วก็ตกอยู่ในวงล้อมของทับซ่องที่มาใหม่จนรอบด้าน หลังจากช่วยส่งเจียงออกมาจากวงล้อมได้แล้วกองทัพส่งก็คุ้มกันพากันกลับไปยังกองบัญชาการที่ตำบลถงลูกปล่อยให้ทัพของจอมพลซื่อเป้าถอนทัพกลับขึ้นดอยพอไปถึงค่ายส่งเจียงก็กล่าวขอบพระคุณบรรดาพี่น้องเฮ้ยหากพวกท่านไม่ร่วมกันเข้าไปช่วย ข้าน้อยคงมวยตามไปอยู่ด้วยกับเสียจนเสียเป้าในเมืองผีเสร็จแล้วเป็นแม่นมันก่อนในเมื่อท่านแม่ทับไม่ฟังความบูยงก็สกิดให้ข้าน้อยจึงเรกรงว่าจะเกิดเรื่องผิดพลาดจึงได้ส่งพวกพี่น้องตามไปส่งเจียงพร่ำรำพึงถึงบุญคุณของพี่น้องไม่ขาดปากข้างฝ่ายบนดาดสันมังกรดำจอผลซื้อเป้าก็หารือกับโรหิตเติม ซื่อกล่าวขึ้นว่าตอนนี้ทัพไอ้ทรงถอยกลับไปถงลู่แล้วแต่หาพวกมันดอดลัดเลา ะ, ะผ่านมาตามหุบเขาฝฟากกระนุนมู่โจก็จะตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงข้าน้อยหวังให้ท่านพระครูไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวที่วังในตําบลห้วยน้ําใสกราบวงค์ขบถุนให้พระองค์ทรงทัพลงมาช่วยเราจะได้ยันพวกมันเอาไว้ตรงนี้เออที่ท่านจอมพลกล่าวมาก็ถูกต้องยิ่งนักแล้วเติ้งกล่าว ข้าน้อยจะเดินทางไปทันทีนี่แหละขอรับว่าพรางปูโรฮิตเตอร์ก็ขึ้นมามุ่งหน้าไปมู่โจเข้าพบสมุหนายกสู้สือหยวนบอกว่ากองทัพไอ้ส่งเจียงล่าหารยิ่งนักข้าน้อยยันพวกมันไม่อยู่จึงมากราบทูลขอกองหนุนไปช่วยสูขึ้นมาพาปูโรฮิตเตอร์ไปยังคูหาปางหยวนที่ตำบลห้วยน้าใสเข้าพบสมุหนายกลโลมินจง และเล่าให้ฟังถึงวัตถุประสงค์ที่จะมาขอเข้าเฝ้าเพื่อทูลขอกองหนุนนั่นเองรุ่งขึ้นพระเจ้าฝางล่าเสด็จออกวาราชการสมุหานายกอุปนายกและประหฮิตเติ้ก็พากันก้มลงโขกศรีรษะประหฮิตเติมสืบท้าออกมาถวายพระพรให้อายุยืนหมื่นปี เออเจริญพรท่านมหาบอพิตรอาตมาหลวงจีนเติ้งหยวนเจ้าฟุตถถงอยได้สนองพระบรมราชโองการให้เดินทางไปอยู่รักษาเมืองหางโจกับฝาชายไอ้ทรงเจียงใช้กองทัพที่กล้าแข็งและขุดพลที่ห้าวหารบุกโจมตีตอนนั้นพวกเราไม่มีปัญหาจั ย, ยันพวกมันได้อยู่แล้วสำไรไอ้พวกพนักงานหยวนยังแอบใช้เรือสเสบียงลักลอบขนพวกมันเข้ามาในเมืองสักอิกพวกเราจึงต้องเสียเมือง เช่าวาชายกระหายใครจะรบจึงต้องพบจุดจบสวรคตดไปในการต่อสู้จอมพลซื่อเป้ากับอัตมาถอยหนีขึ้นมาป้องกันด่านบนสันแมงกอดามเอาไว้เมื่อเร็วๆนี้ดูเหมือนมันค่อนข้างรวนเรอยู่ดังนั้นในตอนนี้มันจึงยังทับเอาไว้ที่ถงรูแต่เนื่องจากพวกเราที่ด่านไม่มีกำลังพลพอจึงกระจายกำลังลงไปคุ้มกันหุบเขาด้านล่างอีกฟากหนึ่งไม่ฉาไม่นอน พวกมันก็คงจะส่งไพร่พลลัดเลาะตัดตาไปตามหุบเขาเล็ดลอดผ่านด่านสันเข า, ามงกรอดำตรงมาตีมู่โจโด้วยเหตุนี้พวกเราจะมาขอทูลให้พระองค์โปรดส่งกำลังลงไปตั้งสงกัดที่หุบเขาขับไล่กองทัพของพวกมันให้ถอยลับไปและยึดหัวเมืองต่างๆของเราคืนมาอัตามาพู้ตาำต้อยจึงตรงมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะพระเจ้าค่ะเอ้ก็เราแบ่งทหาร ออกไปรักษาการตามจุดสําคัญสําคัญจนหมดสิ้นแล้วพระเจ้าฝั่งล่ามีพระราชดำรัสเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งจะส่งไปรักษาด่านยู่หลิงอีกหลายหมื่นคนเลยทีเดียวตอนเนี้กําลังคนที่เหลือก็มีแต่กองทหารราชโองการเอาไว้รักษาวังเท่านั้นจะให้ไปอีกนั้นคงเป็นไปไม่ได้<ม>เออขอเดชะถาหากมหาวพิตรไม่แบ่งทหารให้อัตมาก็ไม่ทราบว่าจะถาวายงานอย่างไรได้พระโลหิตเติ้งกราบบุคคลทูล หากไอ้ทรงเจียงอ้อมสันเขาของเราไปในหุบ ก, ก็ไม่มีทางจะป้องกันมูโชได้สมหุหนายกโลกราบคมทูลเสริมขึ้นอีกว่าออเดชะสันเขามงกรดำนั้นสำคัญยิ่ง น, นักพระเจ้าค่ะตอนนี้ราชวงศ์ขรมีอยู่สามหมื่นคนควรแบ่งให้ท่านราชครูไปสักหมื่นหนึ่งควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะแต่พระเจ้าฝั่งล่านั้นตั้งพระไัยมั่นซะแลว้ว การเข้าเฝ้าในวันนั้นเป็นอันยุติมูสีนะอามาดแยกย้ายกันกลับสมุหะนายกโลยูปรึกษาหารือกับเินาบดีฝ่ายต่างๆและลงมติยืนกรานให้อุปนายกสูส่งขุนพลผู้หนึ่งพร้อมไพรพล5 0 0พันคนไปหนุนช่วยเติ้งกับสูก็กลับมูโจแล้วคัดเลือกเสี้โหเซงขุนพลชั้นเลิศกับไพรพลชั้นยอดอีกพันคนปูโรฮิตเติ้ง นาทหารทั้งหมดกลับไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้จอมพลซื่อเป้าที่สันเขาเมืองกรดดำฟังเออในเมื่อพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงมอบทหารหน่วยราโชโองการมาขับไล่ข่าศึกเช่นนี้ที่เราพอจะทำได้ก็คืออยู่รักษาด่านที่นี่เอาไว้ให้มั่นคงแต่จะให้ออกไปรบนั้นคงไม่ได้จอมพลซื่อเป้ากล่าวฝ่ายแม่ทัพเรือทั้งสี่ก็ให้ป้องกันลำน้ําให้ดีหากศัตรูยกมาก็ไต่โต้ไว้จะให้เป็นฝ่ายรุกนั้น ก็คงจะไม่ได้อีกเช่นกันขณะเดียวกันเนื่องจากเสียหัวหน้าและแม่ทัพในกองไปเป็นอันมากท่งเจียงจึงได้แต่ยึดถงลูกเอาไว้ไม่รุกคืบหน้าไปได้กว่ายี่สิบวันแล้วก็ตอนนั้นเองม้าเร็วก็เข้ามารายงานว่ารายงานใต้เท้ากรุณาถงกวนองค์ขมนตรีฝ่ายกิจการทหารนำของพระเจ้ทหารมาที่หางโจขอรอับท่นใต้เท้ากรุณาส่งขุนพลหวังปิง คุ้มของพระรธาทานแยกออกไปมอบให้ท่านรองแม่ทัพโน้จนยี่ยที่ด่านอยู่หลิงแล้วขอรับท่านไต้เท้าถงคงจะมาถึงที่นี่อีกในไม่ช้านี้แล้วขอรับผมส่งเจียงพร้อมกับบู่หยงและหัวหน้าทั้งหลายก็รีบกุรีกุจอออกไปต้อนรับนอกเมืองห่างออกไป2ี่สลี้พอกลับเข้ามาในกองบัญชาการในเมืองก็อัญเชิญพระเจาสารออกมาอ่านของกำนันทั้งปวงถูกนาออกแจกจ่ายให้หัวหน้าทั้งหลาย ส่งเจียงและคนอื่นๆพากัรคาระวะและแต่งต๊ะขึ้นเฉลิมฉลองให้สมเกียรติแด่องค์คมนตรีถงเออระหว่างเดินทางมาเนี่ยข้าได้ยินว่าท่านแม่ทัพเสียหายไปอโขถงกว่านเอ่ยพอได้ฟังส่งเจียงก็หลังน้ำตาตอนที่ข้าขึ้นเหนือไปปราบพวกเหลวตาตากับท่านข้าหลวงเจ้าพวกเราได้ชัยชนะไม่เสียพี่น้องไปเลยแม้แต่คนเดียวแต่พอข้ามแยงสีล่วงมาในเจียงหนาน กระทั่งก่อนจะออกจากเมืองหลวงท่านโกงศูนก็มาจากเราไปพระจกักรพรรดิก็ทรงดึงพี่น้องบางคนของเราเอาไว้อีกมาเร็วๆนี้อีกแ9ดเก้าคนก็ล้มป่วยลงที่หางโจวไม่มีผู้ใดจะรับประกันว่าจะรอดตายมาได้หรือไม่พะขึ้นไปตีสันเขาบังกรดำสองครั้งเนื่องด้วยภูมิประเทศในแถบนั้นมีผสมผสานกันทั้งเทือกเขาสูงและสายน้ำเชี่ยวเป็นพื้นที่อันตรายในการรบเป็นยิ่งนัก ถึงจะพยายามอย่างไงยังไงก็ตีด่านมันไม่แตกฝ่ายเรากลับเสียพี่น้องไปอีกจำนวนหนึ่งช่างโชคดีเสียนี่กระไรที่ของพระเจาทานเหล่านี้ได้มาชลมใจนยามอับจนพ้นปัญญาอย่างเช่นในตอนนี้เออสมเด็จพระจกักรพรรดิทรงตระหนักดีว่าท่านแม่ทัพได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ในแผ่นดินยิ่งใหญ่แค่ไหนองคมนตรีถงกล่าว พองค์ยังทรงทราบถึงความสูญเสียของฝ่ายท่านจึงส่งข่าพร้อมขุนพลหวังปิงและขุนพลเจ้าถันมาหนุนช่วยแม่ทัพอีกแรงหนึ่งข้าส่งขุนพลหวังปิงนำของกำนันไปแจกจ่ายที่ค่ายของท่านรองแม่ทัพลู่จุนจี้แล้วขอรับว่าพลางก็แนะนําขุนพลเจ้าถันให้ทรงเจีิงรู้จักบรรดาผู้มาใหม่พำ น, นักกันอยู่ในเมืองถงลูกเจ้าภาพก็จัดงานเลี้ยงดูเป็นอันดี ู้ขึนองคมนตรีถงเรียกกระดมพลจะยกขึ้นไปตีด่านกับสันเขาบหยงรีบออกมาท้า hey! ท า, ายท่านใต้เท้ากรุณาขอรับอย่าดวนพหลีพ่หลามไปเลยให้เราส่งเยียนชนกับหมาลินไปเอาตัวชาวบ้านมาสอบถามสภาพดูว่าปากกระน้นของด่านเป็นเช่นไรซะก่อนแล้วเราส่งกำลังอ้อมไปตีขนาบกันเข้ามาข้าเชื่อว่าพวกมันคงรับศึกสองด้านไม่ไหว เราก็คงจะยึดด่านได้เสมือนถมน้ำลายใส่ฝ่ามือเป็นความคิดที่เยี่ยมยอดท่งเจี้ยงสำนองว่าแล้วก็ส่งสองหัวหน้าพร้อมไพร่ผลรูปร่างกำยำล่ำสันอีกหลายสิบคนไปสืบหาชาวบ้านที่เต็มใจในท้องถิ่นพอตกเย็นทั้งสองก็กลับมาพร้อมกับชายชาราผู้หนึ่งท่านลุงผู้นี้เป็นใคระซรงเจี้ยงถามเ อ, อ่อ เชาวบ้านในแถบพื้นที่ขอรับมาลินตอบลุงผู้นี้รู้เส้นทางในวูเขาแถบนี้ดีเออท่านผู้เฒ่าขอรับส่งเจียงเอ่ยหากท่านพาพวกเราข้ามสันเขามังกรดำไปได้ข้าจะกำนันท่านอย่างงามไปทีเดียวเฮ้ครอบครัวข้าเป็นคนที่นี่มาหลายชั่วรุ่นแล้วแต่ฟังรหมันกดขี่บีถ้าพวกเราแสนสาหัสนะักจนไม่มีที่จะอยู่โชกดีนักหนา ที่พระจะักรพรรดิทรงทหารมาช่วยพวกเราจะได้กลับเอามีสันติสุขอีกหนข้าจะนําทางไปถึงเมืองตรงกวนู่โจก็อยู่ถัดไปอีกไม่ไกลแล้วพราะถึงกําแพงเมืองตรงกวนด้านทิศเหนือท่านต้องออกไปทางประตูด้านทิศตะวันออกฉันมังกรดาก็อยู่บนเขาเทือกต่อไปนั่นแหละปะ่าทอกป่าขี้ลงทะทะุงแท้ๆคุยซะอีกป่าทะกลุงเอ้เยอไม่ได้สิจะได้มีหน้ามีตา ก, กับเขาบ้างอ่ะ ส่งเจียงยินดียิ่งนักสั่งให้นำเงินทองมามอบให้มกธธุเทพชราเก็บตัวไว้ในค่ายเลี้ยงดูปูเสือยอย่างอิ่มหนำสำราญวันรุ่งขึ้นส่งเจียงเอ่ยปากกับถงกวนเออท่านใต้เท้าการุณาขอรับโปรดอยู่ช่วยรักษาถงลู่เอาไว้พังพางก่อนข้าจะออกเดินทับออบไปมู่โจแล้วเราช่วยกันตีสันเขาลูกนั้นพร้อมทั้งตัวด่านจากสองด้านเราคงจะยึดได้ไม่ยากนะัก ตามคาสั่งขององคมนตรีถงสรงเจียงแบ่งไพร่คนออกไปสองกองตัวน้าหัวหน้าสิบสองคนแยกไปตามทางเดินลัดเลาะไปตามภูเขาฟากหนึ่งส่วนองคมนตรีถงจะนําทัพอีกกองหนึ่งเคลื่อนไปตามถนนหลวงตรงไปยังตัวด่านอย่างเปิดเผยทัพที่ไปกับทรงเจียงมีกําลังพลหนึ่งมืนคนเคลื่อนตาม ช, ชายชราไปอย่างเงียบเชียบเครื่องบังเหียนถูกอพ่าพันกันเสียงกระทบผู้คนคาบกิ่งไม้ไว้ปิดปาก พอขึ้นไหล่เขาไปได้ครึ่งทางก็เจอกับทหารข้าศึกส่งเจียงสั่งการให้รีบขุยเสียงจงรีบกุลและไพร่พ ล, พลตีตะลุยขึ้นไปฆ่าพันทหารข้าศึกราวสี่ร้อยห้ารอคนจนหมดสิ้นพอถึงยามสี่ทั้งหมดก็ไปถึงตำบลตรงกวนวูหญิงสิงผู้บริหารป้องค่ายตรงกวนมีไพรพลเพียงสามพันคนรับมือทหารส่งเจียงที่มีจํานวนมากกว่าไม่ไหวก็พากันแตกหนีไปทางมู่โจ้ขุนพลวูรีบรายงานให้อุปนายกสู่ทราบในทันที ไรยงาส่งเจียงเดินทับอ้อมสันมังกรดำมาตอนนี้พวกมันยึดด่านตรงควรได้แล้วขอรับอุปนายกซูตกใจรีบเรียกหาบรรดาขุนพลเข้ามาปรึกษาหารือขณะเดียวกันส่งเจียงก็สั่งการให้หลิงเจิ้นผู้บัญชาการทหารปืนใหญ่ยิ่งปืนใหญ่ขึ้นจอมพลซื่อเป้าที่อยู่ในค่ายบนสันเขาก็ตกใจตื่นสั่งขุนพลไปชินให้พาทหารออกไปสืบดู ไปเห็นธงทิวและไพร่พลของทรงเจี้ยงดำาพลดเต็มที่ราบลามขึ้นมาตามไหล่เขาจึงรีบกลับมารายงานให้จอมพลซื่อเป้าทราบในเมื่อพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงแต่งกองหนุนมาช่วยเราจึงได้แค่อยู่รักษาด่านซื่อเป้าเอ่ยไม่อาจลงไปช่วยได้เท่านพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกท่านจอมพลโ่โลหิตเติมแยงแตัวท่านจะไปช่วยมู่โจหรือไม่ก็ตามทีแต่ถ้าพระราชวังที่นั่นแตก พวกเราที่นี่ก็ไม่มีผู้ใดจะรอดหากท่านคิดจะอยู่ก็ตามใจสุนตมาจะไปมู่โจบาดพรคนอะไรขี้งอนชมัดถึงซื่อเป้าจะหวาดล้อมยังไงยังไงก็ไร้ผลหลวงจีนเติ้งระดมพลได้ห้าพันคนหยิบไม้เท้าประทําขึ้นมาถือแล้วพาขุนพลเสียโหลงมาจากสันเขากองกำลังส่งเจียงที่ถงกวนแทนที่จะบุกต่อขึ้นไปยังมู่โจกลับแยกสายขึ้นมาตีด่านสันมังกรดำ พอเคลื่อนคนไปสักพักก็พบกับปูโรหิตเตอร์ทับทั้งสองขยับเข้าประชิดหลวงจีนเติ้งชักม้าออกมาข้างหน้าทารบกันตัวต่อตัวหัวหลงเอ็นตัวไปกระซิบใส่หูวส่งเจียงส่งเจียงพยักหน้าเรียกฉินหมิงมหารือกันสามคนแล้วฉินหมิงก็ควบม้าออกรบกับพระปูเติ้ลหลังจากรบกันไปได้กว่าห้าสิบหกสิบเพลงฉินหมิงก็ควบม้าหนีกองทับส่งแตกกระเจิง ด้วยคิดว่าตัวชนะแล้วหลงจีนเติ้งก็พลาออกมาที่จะจับตัวส่งเจียงหัวโลงเตรียมคุ้มกันส่งเจียงเอาไว้พร้อมแล้วรอจนเติ้งเข้าใกล้ได้ระยะก็นาวคันธนูจนสุดเหยียดเล็งแล้วดีดออกลูกดอกพุ่งราวผีพุ่งใต้ปักเข้าใส่ใบหน้าเต้งหัวคมามตกหลังมา้าทันใดนั้นทหารฝ่ายส่งก็กลูกันเข้าไปปลิดชีวิตพระครูโบริการรบที่ดุเดือดรุนแรงและนองเลือดก็ตามมา ทัพฝ่ายใต้พ่ายแพ้ยังหมดรูปคุณพลเสียโหสู้ไม่ได้ก็นหนีไปทางมู่โจทัพส่งเจียงเคลื่อนเข้าประชิดสันมังกรดำแต่ก็ถูกหาซุงอิดหินถล่มลงมาใส่จนต้องถอยกลับจึงนำทัพย้อนกลับมาตีมูโจพอไปถึงเมืองหลวงทางใต้ฝ่ายเจียงหนานเสียโหก็ตรงเข้าไปรายงานอุปนา ย, ยกสูกรงอน กองทัพส่งล่วงผ่านตะบนตงกวนเข้ามาแล้วพวกมันสัหารพระครูโปรฮิตเตอร์ itter, และกำลังเคลื่อนทัพมาจะถึงมู่โจในวันนี้แล้วขอรับอุปนายกซูรีบส่งคนพาขุนพลเสียโ h ขึ้นไปห้วยน้ำใสเพื่อรายงานสมุหานายกโลกและให้นำความขึ้นกราบบุคคมทูลถวายรายงานขอนีชะใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทปกกล้าวปกกระหม่อมบัดนี้กองทัพส่งล่วงผ่านด่านตงกวนเข้ามาได้แล้ว เรากำลังจะเข้าตีมู่โจในวันนี้พระเจ้าข่ะพวกเราใครจะกราบทูลพระองค์ให้สรงทหารไปช่วยเหลือโดยไวไม่ฉะนั้นแล้วฝ่ายเราจะสูญเสียหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าฝั่งล่าทรงงงนดยิ่งนักมีพระกษัริรับสั่งให้หาจอมพลเจิ้งเตียวและบัญชาให้นำทหารองครักษ์หนึ่งหมื่นห้าพันคนเดินทางไปช่วยมู่โจในคืนนั้น ขอเดชะข้าพระองค์ยินดีนจะถาวายงานตามพระบรมราชโองการจอมพลเจิ้งกราบบุคคลทูลแต่ข้าพระองค์ใครจะขอพระหราจารย์ไปด้วยกับทัพเช่นนี้แล้วเราย่อมจะปราบทัพไอส่งเจียมลงได้อย่างแน่นอนพระเจ้าข้าพระเจ้าฟังล่าทรงเห็นชอบรับสั่งให้หาพระโหราจารย์เป้าเต่ายี่เป้าพนมมือสองข้างแล้วกราบบุคคลทูลว่า ไอ้ทรงเกียงกับกองทัพของมันลุกรานราชนาจักรเห็นข้าทหารไปทั้งนายทั้งเบ่าทำลายเมืองของเราไปมากนักมหาบัตรนี้ก็ยังบิกหัดบุกขึ้นมาถึงมู่โจพระเจ้าฟังล่าทรงมีพระกระแสรรับสั่งเราหวังใจท่านพระครูโปรดแสดงเวทมนต์ปกปักรักษาพวงชนปกป้องคุ้มครองบ้านเกิดเมืองนอนเอาให้ขอเดชะพระองค์โปรดหัพระไทยพระจงคา พระโหราจารย์กราบบุคคลทูลถึงแม้ว่ากระหม่อมจะไม่ได้เก่งกาจอะไรกันนักกันหนาแต่ก็พอจะเรียนรู้อะไรมาบ้างด้วยเดชชักพระบารมีอันแก่กล้าของมหาบาพิตรกระหม่อมจะกวาดล้างกองทัพไอ้โรงเจียงให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินขา้าตีพวกมันให้แตกกระจายตายไปเป็นผีไม่มีที่กลบฝังบาท้อเฮ้ฮพระเจ้าฝั่งละทรงพอพระราชาฤทัยยิ่งนักจึงจัดงานเลี้ยงขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่พระโหราจารย์หลังงานเลี้ยง พระโหราจารย์เป้าถวายพระพรลาแล้วไปหารือแผนการกับจอมผลเจิ้งและขุนผลเสียหงเป้าเต่าหยีผู้นี้ครับอดีตเคยเป็นเต้าเสือมาจากเทือกเขาในจินหัวบวชเรียนมาตั้งแต่ยังเล็กหากแต่ในลทัทธิเต่าที่ศึกษานั้นกลับเป็นนิกายในรัทธินอกรีดเป็นวิชามารแขนงหนึ่งต่อมาเมื่อเข้าถึงหางฝ่ายฟางล่าและกลายเป็นขบฏเต็มตัวตัวก็เอาลัที่ชั่วร้ายมาปฏิบัติใช้ ย, ยิ่งคุณธรรมก่อความไม่สงบพระสำรษ า, ายไปทั่ว เมื่อใดที่ต so ้องรบก็เอาอิทธิฤทธิ์เวทมนมาใช้ในทางที่ผิดมีกระบี่วิเศษเล่มหนึ่งชื่อเอกอาคมสามารถล่องหนไปฆ่าคนได้ในรัศมีร้อยเเพื่อเป็นรางวัลที่ก่อเหตุเพศภัยพระเจ้าฝั่งลากจึงโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งพระหัวราจาร์ประจำบางหลวงฝ่ายจอมผลเจิ้งเปียวแต่เดิมเป็นในดาบประจาตบลหลานสีจังหวัดบูโจชํานาญในการใช้ทวนไหลไม้พอง พมาสวามิภักกับฝางล่าก็ได้รับโปรดกล้าเป็นจอมพลผู้บัญชาการกองทหารรักษาพระองค์ด้วยลุ่มหลงในรหัสลับที่ไสยเวทในธรรมวิถีแห่งเตา่าจึงยอมตัวเป็นสิทธ์ของพระโหราจารเป้าและได้เรียนรู้กรารไร้เวทมนต์อยู่หลายบทเนื่องจากทุกครั้งที่จะสู้ตายเจิงเปียวจะไร้เวทเป็นเมฆหมอกลึกลับคนทั้งหลายจึงพากันให้สมมติว่าเจิงเจ้าปีศาจส่วนขุนพลเสียโหก็เป็นคนที่มาจากเทือกเขาในจังหวัดบู่โจ เริ่มตนอาชีพเป็นพรานถนัดในการใช้เหล็กกวยฟางเป็นบริวารผู้หนึ่งในอุปนายกซูที่ปกครองมู่โจโมาบัดนี้คนทั้งสามก็ร่วมกันหารือกันอยู่ในกองประชาการหน่วยทหารรักษาพระองค์ยามเป้าประตูประกาศขึ้นว่าคันทีผู้หวนหญิงมาขอพบพระโหราจารย์เฝ้าขอรับคันทีผู้เข้ามาถึงก็กล่าวขึ้นว่าข้าได้ทราบว่าท่านใต้เท้ากรุณา กำลังคิดหานูทางกำราบก อ, องทัพส่งเมื่อคืนก่อนคาดสรวจดูท้องฟ้าดวงดาวของเหล่าคุนทหารในเจียงหนานล้วนรุกรูเลือนรางส่วนดาวของคุนทหารฝ่ายทรงกว่าครึ่งเจอเจอรต์รัสมีท่านพระครูขอรับมาดว่าไปครั้งนี้จะเพื่อกำราบศัตรูซึ่งก็เป็นการดีอยู่ดอกแต่ข้าเกรงว่าพนักท่านจะเกิดพลาดพลั้งล้มเหลวจะไม่ดีกว่าหรือหากพนักท่านจะทูลถวายดีกาขึ้นไปเพื่อขอสวามิภักดิ์ รักษาไพร่ฟ้าข้าพ น, นินไม่ให้ต้องล่มจมตาไปด้วยเบาเดือดดานไปจริงนักสมบัติกระบี่เอ็ดอาคมไปฉับเดียวก็ตัดขันที่ผู้ออกเป็นสองท่อนและทูลถวายรายงานขึ้นไปถึงพระเจ้าฝ่งล่าเป็นรายลักษณ์อักษรเรื่องนั้นเราจะไม่เล่าให้ยาวกวาไปอีกครับและแล้วทั้งสามก็เคลื่อนทัพออกไปช่วยรักษาหมู่โจโดยมีจอมพลเจิ้งเปียวไปทัพหน้าและขุนพลเสี้ยโหเป็นทัพหลัง ระหว่างนั้นทัพส่งเจียนเขาตีมู่โจไปหลายครั้งโดยไม่มีแผนการอะไรที่แน่นอนมาเร็วรีบเข้าไปรายงานข่าวกองหนุนจากห้วยน้ำใสที่จะเข้ามาช่วยพวกที่ถูกล้อมอยู่ในเมืองส่งเจียงจึงส่งเสือเตี้ยวหวางพร้อมนางกระบีเหล็กสิบเสี้และทหารม้าสามพันคนออกไปลาดประเวนอย่างเชิงตามเส้นทางที่จะขึ้นไปยังห้วยน้ายําใสทัพหน้าของจอมพลเจิ้งเปียวก็มาเชิญกับเสือเตียวหวางทั้งสองกระมือกันรบกันไปได้8ปดเ้าเพลงโดยไม่มีฝ่ายใดพูดจา เจิงอ่านเวทมนต์แล้วเป่าลมออกไปคำหนึ่งว่าค<ป>วันสีดำกลุ่มใหญ่ก็พวยพุ่งขึ้นจากหมวกเหล็กของจอมพลแห่งกองทหารราชฎรมขลับในกลุ่มก้อนเมฆนั้นมีเทพ ย, ายดาเกราะทองประทับยืนจังก้าในมือถือกระบองวิเศษสยบมารดุนหนึ่งเสือเตี้ยวหวางเห็นเข้าก็แตกตื่นควบคุมตัวเองไม่อยู่เจิงก็เสียบเอาด้วยห อ, อกจนพุ่ง นางกระบี่เหล็กสิเสี้ยครั้นเห็นผัวตกหลังม้าก็เหลือใจขุนพลหญิงควงกระบี่สีครามคู่พุ่งเข้าใส่จอมพลเชิง<ก>ทั้งสองรบกันไม่นานเชิงผาหนีหญิงสาวตามตีไปได้วยริแแ์แค้นเ อ, อิงเก็บหอกแล้วล้วงมือเข้าไปในย่ามไหมห ย, ยิบอิดสำริดเลี่ยมทองขึ้นมาถือเหยี่ยวตัวกลับด้วยฉับพลันแล้วคว้างออกไป อีกก้อนนั้นพร ะ, ะหนาของผู้ที่ไล่าตามมาเต็มเป่านางกระบี่เหล็กจิบเสี้ยงายหลังตกมาตายโอ้และหนอวีรสตรีสาวผู้อ่อนแอนอรชรชีวิตต้องมาจรจากไกลดังฝันสลายไปในสายว ส, สันฝ่ายเหนือพ่ายแพ้อย่างหมดรูปกลับมารายงานส่งเจียงว่าเสือเตี้ยหวังหญิงกับนางกระบี่เหล็กจิบเสี้ถูกจอมพลเจิ้งเปียวสังหารในข่าวนั้นกองผลราดตระเวนต้องเสียไพ่พลไปกว่าครึ่ง ด้วยเพลิงแค้นที่มัสี่ขุนพลไปถึงสองคนส่งเจียงก็ระดมทหารได้ห้าพันคนโดยมีลีขุยเสียงจงและลีกุนตามไปด้วยไม่ช้าก็เห็นกองทัพของเจิงเจ้าปิศาจส่งเจียง<อ>ขี่ม้าออกไปข้างหน้าร้องตวัดใส่ด้วยเขียดแขนว่าไอ้พวกจอนจังไรเฮตุใดจึงกล้ามาข่าหัวหน้าของกูไปถึงสองคนเจองไม่ฟังเสียง ลู่หอกโถมมาเขาใส่ลี่ขุยเห็นดังนั้นก็ยิ่งโกรธใจหวัดแกว้งขวานคู่ทะลันออกไปข้างหน้าเสียงจงกับลี่กุลก็ยกโลบบินวิ่งตามไปกักกับข้างให้ลี่ขุยทลาเขาใส่เจิงเจ้าพิศษหันหลังโกลนแอบโดยมีคนทั้งสาวิ่งตามไปติดๆบ่ายหน้าไปยังที่ตั้งของทหารฝ่ายใต้ด้วยกังวลถึงความปลอดภัยของลี่ขุยซ่งเจี้ยนก็ประเคนไพร่พลทั้งห้าพันคนโถมตามไปทัพฝ่ายใต้ก็แตกกระเจิดกระเจินกันออกไปไม่เป็นสัม ส่เจียงสั่งพลแด่ให้เป่าเรียกให้่พลกลับส่อง ห, หน้าที่คุ้มกันลีบขุยถอยกลับที่ตั้งแต่ต้องพบว่าพูกตนตกอยู่ภายใต้กลุ่มเมฆสีดําที่บดบังแสงตะวันจากท้องฟ้าเบื้องบนจนไม่รู้เหนือรู้ใต้แยกกลางวันกลางคืนไม่ออกทัพฝ่ายส่งทั้งทัพที่ตกอยู่ใต้อาคมของจอมพลเจิงก็เริ่มละล้าละ ล, ะลงังหลงทิศผิดทางไปสิน้นส่งเจียงแหงหน้าขึ้นมองฟ้าแล้วร้องขึ้นว่า นี่ข้าน้อยต้องมาตายอยู่ในสถานที่เย่างนี้เองหรือเช่นไหนบัดนั้นตะวันก็พลันฉายหมู่เมฆแตกกระจายม่านหมอกก็สลายไปสิ้นส่งเจียงมองออกไปก็เห็นบุรุษร่างยักษ์ใส่เกราะทองรายร้อนพวกตนเอาไว้เป็นหลายชั้นส่งทั้งทัพก็ซดตัวลงบนเขาเฝ้ารอท่าความตายส่งเจียงเองก็ลงมา้ามายอมจำนนค่หท่ า, ายซวีไวทเทัศ ส่งเจี๊ยงร้องบอกมอบติดดินในหูได้ยินแต่เสียงลมเสียงฝนอึง่งอนแต่กลับมองไม่เห็นผู้คนใดๆทั้งสิ้นตอนนั้นทั้งนายทั้งบ่าวตามเอามือปิดหน้ารอท่าให้แทงจะได้ตายตายไปเสียเพียงไม่นานนักเสียงลมและฝนก็ผ่านไปแต่กลับไม่มีคมสาตราวุธใดๆสับลงมาแม้แต่ฉับเดียวและแล้วก็มีมือหนึ่งยื่นลงมาพยุงส้งเจี๊ยงแล้วเอ่ยขึ้นว่าโปรดยืนขึ้นเถิด ท่านแม่ทัพส้งเจี้ยงเงยหน้าขึ้นดูก็เห็นบัณฑิตผู้หนึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าส้งเจี้ยงหยัดตัวยืนขึ้นแล้วโค้งคารวะด้วยความงุนงงสงสัยท่านเป็นผู้ใดหรือขอรับข้ามีนาม ว, ว่าเศร้าจุนเป็นคนท้องถิ่นนี้มาที่นี่ก็เพื่อเรียนท่านแม่ทัพผู้ทรงคุณธรรมให้ทราบว่าอายุไขของฟางล่าใกล้จะหมดลงแล้วเหลืออีกเพียงสิบวันก็จะตายข้า ได้กระทำการเพื่อท่านมาหลายหนักแม้วันนี้ท่านจะยังลำบากลำบนอยู่แต่ไนไม่ช้าโชคจะเวียนมาสู่ท่านไม่ตระหนักรู้เรื่องนี้บ้างเลยหรือท่านนักรบผู้ทรงคุณธรรมเออก็แล้วอีกนานสักเท่าใดเราจึงจะจับฟังน่าได้เล่าขอรับบัณฑิตผู้นั้นยกมือขึ้นผลักเบาๆทรงจียงก็ตื่นจากพววงนี่ล้วนแล้วแต่ฝันไปทั้งสิน้น ส่วนบุรุษร่างยักษ์ใส่กรอบทองที่เห็นรายล้อมอยู่ก็ลุ้นแต่เป็นต้นสนสูงตร anggan อาบต้องแสงทองยามตะวันคล้อยลอยอยู่ปลายยอดไม้ส่งเจียงตะโกนสั่งไพร่ผลให้ช่วยกันหาเส้นทางเมฆหมอกสลายท้องฟ้าใสกระจ่างทันก็ได้ยินเสียงกู่ตะวัดดังมาจากหลังหมู่สนส่งเจียงรีบพาไพรผลตรงไปที่ต้นเสียงก็เห็นหลวงจีนลู่กับพระทูดงบู่สงกําลังจะเข้าพันตูกับจอมพลเจิ้งเปียว พระโหราจาร์เป้ายืนม้าดูอยู่เห็นวูสงควงดาบคู่โผมทลันเข้าใส่เจิบจึงดึงกระบี่เอกอาคมออกมาจากฝักและคว้างออกไปคมกระบี่ตัดแขนวูสงขาดบาดแผลชะกันนักสีเลือดไปจนสลบหลวงจีนลู่เห็นเช่นนั้นก็ใช้ไม้เท้าเหล็กบุกฝ่าเข้าไปด้วยเพลิงแขนตอนที่ทลันเข้าไปถึงตัวเพื่อนแขนบูสงห้อยอยู่ข้างลาตัวแต่ทว่ายังจับกระบี่เอกอาคมเอาไว้แน่น เจ้าตัวค่อยๆลืมตาฟื้นขึ้นอย่างช้าๆแล้วใช้ดาบเฉือนแขนซ้ายที่บัตดนี้ให้กระรุงกระริงดังหนึ่งติ่งย้อยให้ขาดออกส่งเจียงสั่งไคร่พลให้แบกกลับไปรักษาที่ค่ายห <c oughs> ลวงจีลูกบุกมาจากทางด้านหลัง ก็ตรงเข้ารบกับขุนพลเสียโห o v e r ได้หลายเพลงเสียโห o แตกนี้หลวงจีนลู่ได้ที <c oughs> ก็ควญญงไม้ทับและทำปาดกระหนังใส่ทับฝ่ายใต้ดังใช่หัวผ่านพลิกหน้าดินแต่งเตลิดนีไปสิน้นเสียโห o v ควบม้าขึ้นเขาหนีไปในป่าลึกหลวงจีนลู่ก็เกาะติดตามไปไม่คิดเลิกล่ะเจ้าปิศาจกับไพ่พลหันมาพุ่งเขา้าใส่ทับทรงเจียงนี่ขุยเสียงจงแหลี่กุนฝมุนรอเป็นกลางหันพร้อมมีดสั้นแหลนซัดและขวานคู่ก็ตรงเข้ารับมือ เมื่อต้านไม่อยู่เจิ้งก็ล่าถอยข้ามภูข้ามห้วยไปทั้งทั้งที่ยังแปลกถิ่นไม่รู้จักภูมิประเทศทั้งสายก็ไล่ตามข้ามห้วยสายนั้นไปด้วยหวังจะสร้างกิจภูมิอวดส้งเจียงนั่นเองทันใด น, นั้นบนตลิ่งฝั่งตะวันตกทหารฝ่ายใต้ราวสามพันคนที่ก่อนนี้แตกหนีข้ามน้ําไปซุ่มอยู่บริเวณนั้นก็โผล่ออกมาขวางทางเอาไว้เสียงจงรีบหันกลับจะหนีแต่คุณพลฝ่ายใต้สองคนสกัดเอาไว้ จึงรีบตะโกนเรียกลี่กุลและสลาตันดำแต่ทั้งสองไล่ตามเสี้ยโหหอกออกไปไกลซะแลว้วตอนนั้นลี่กุลไล่ตามข้ามห้วยไปแต่พลัดตกหลุมลึกถูกซ้ำด้วยหากเกาทันเทพเหิอนฟ้าทันก็จบชีวิตเสียงจงยืนอยู่บนตะลิ่งคิดจะกระโดดน้ำก็ถูกเชือกพานขาหกาเมนก่อนจะทันลุกขึ้นกองทหารฝ่ายใต้ก็กรูกันเข้าศัพท์เทพนาจาแปดกรก็เละเป็นเศษเนื้อ โอ้ว่าอันนี้จานออช่างกะไรเลยชีวิตที่ผ่านมาของคนทั้งคู่ยังมีอะไรเหลืออยู่ให้ต้องพิสูจน์ทราบถึงวีรภาพกันอีกหรือก็ไม่ด้วยเหตุนั้นจึงมีเพียงลล่ขุยเท่านั้นที่ยังไล่ตามเข้าไปในหุบเขาขณะเดียวกันทับส่งก็ข้ามน้ำตามไปพอได้สักครึ่งลี้ก็ได้ยินเสียงตะโกนไล่หลังมาหมอหงฉินหมิงและฟานรุยนากองทัพหนุนตามมาสมทบและช่วยกันบดขยี้ทับฝ่ายใต้ บุกเข้าไปแก้รีขุยออกมาจากหุบเขามีเพียงหลงจีนลู่เท่านั้นที่หายยังไงยังไงก็ไม่เจอพวกเขาจำใจกลับมารายงานเรื่องที่เกิดขึ้นกับทรงเจียงแม่ทับหน้าร่ำให้อย่างขมขื่นเมื่อนับจำนวนไพร่พ ล, พลก็ได้รู้ว่าทับตัวตายไปร่วมครึ่งหลงจีนลู่หายส่วนบูยงก็แขนซ้ายขาดทันใดนั้นม้าเร็วก็เข้ามาประกาศว่าไหงอนที่ปรึกษาทัพ บ, บูยง นำพลร่องตามนะ้ำมาสมทบอีกหนึ่งหมื่นคนขอรับพ่อมาถึงบูหยงก็เล่าว่าเฮ้ย <Hey, S 2> พอดีขุนพลหวางปิงขุนพลเจ้าถันและผู้บัญชา ก, การทหารเหลียวกวางสือยกทัพมาสมทบกับท่านองคมนตรีถงกวนที่ตั้งทัพรออยู่ที่ตีนเขาสันมังกรดำหากน้อยถึงถที่ยวกาดพาไพ่พลเหล่านี้แยกมาสมทบกับท่านแม่ทัพตอนนี้ในทัพท่านองคมนตรีจึงมีหัวหน้าเราเหลืออยู่เพียงสามคนเท่านั้น ส่วนหวหน้าที่เหลืออยู่ตามมากับข้าน้อยส่มเจี้ยงเล่าถึงความสูญเสียของตัวแล้วเสริมว่าอตอนนี้น้องบูดสงแขนด้วยและก็ไม่มีผู้ใดทราบว่าท่านหลวงจีนลูหายไปทั้งไหนนั่นเป็นเหตุให้ข้าน้อยเจ็บใจนะักท่านแม่ทัพต้องมองภาพใหญ่เอาไว้กูหยงเตือนตอนนี้ถึงเวลาจับฟางลาแล้วนี่เป็นสิ่งสาคัญที่สุดในแผ่นดินท่านต้องไม่ปล่อยให้เรื่องพี่น้อง มารบกวนสุขภาพนะขอรับส่งเจียงชี้ให้วูโยงดูหมู่สวนรอบๆแล้วเล่าเรื่องความฝันของตนให้ฟังเฮ้ยที่นี่นะน่าจะมีสารเจ้าอยู่ใกลๆ้ๆท่านจึงได้ฝันน่ะอาจารย์ที่ปรึกษาทับเอ่ยวิญญาณนั้นมาเข้าฝันเพื่อปอกป้องคุ้มครองท่านนั่นเองเออท่านอาจารย์พูดถูกต้องยิ่งนักแล้วขอรับเราออกไปค้นดูดีกว่าเพื่อจะได้เข้าไปเส้นไหว้อะ เขาพากระเดินเข้าไปค้นหาในป่าเขาก็จริงดังว่าห่างออกไปไม่ถึงครึ่งระยะเกาทันพวกเขาก็พบศาลเจ้าแห่งหนึ่งอักษรทองบนป้ายอ่านด้ความว่าศาลเจ้าพ่อมังกรดำทั้งสองเดินเข้าไปด้านในพิจารณาดูรูปปั้นเจ้าพ่อมังกรดำที่ประดิษฐานอยู่ด้านในสุดของศาลเจ้าหลังนั้นส่งเจียงให้ประหลาดใจยิ่งนักภาพที่รูปปรากฏ กับภาพที่มาเข้าฝันนั้นตรงกันเพลงส่งเจียงคุกเข่าโคกศีรษะก่าบขอบพระคุณข้าแต่ท่านเจ้าป่าเจ้าเขาท่านเจ้าพ่อมองอนดำขอรับที่เจ้าพ่อเสด็จมาคุ้มครองป้องกันให้ในครั้งนี้ข้าน้อยไม่ทราบที่จะกระตันยูรู้พระคุณอย่างไรได้ครบถ้วนข้าน้อยกราบขอให้พระองค์ท่านโปรดกรุณาอภิบาลข้าน้อยต่อไปหากข้าน้อยเอาชนะฟังล่าได้ ข้าน้อยจะทูลถวายดีกาแด่องค์พระจกกักรพรรดิให้ทรงมาบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อเติมเสริมแต่งศาลเจ้าแห่งนี้ให้ใหญ่โตโอ่อ่าและโปรดพระเาทานพระราชธินอ น, นามให้สูงขึ้นไปอีกหลังจากโคกศีรษะกันอีกคำรบหนึ่งทั้งสองก็ออกจากตัวศาลเจ้าก้าวลงมาพิจารณาศิลาจารึกที่อยู่ในสนามซึ่งกล่าวไว้ว่าศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยถัง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงปรรดิษฐ์นามว่าเศร้าจุนสอบเป็นขุนนางไม่ได้จึงกระโดดน้ําตายเจ้าแห่งสวงสวรรค์สงสารจึงโปรดเกล้าให้เป็นที่เจ้าพ่อมังกรดําต่อมาบรรดารัษฎรละแวกนี้สวดขอลมก็ได้ลมสวดขอฝนก็ได้ฝนดังนั้นจึงพากันสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ให้เป็นที่เส้นไหว้ทุกๆฤดูทั้ง 4. สี่ทรงเจียงเรียกหาหมูดําตัวหนึ่งแพะขาวตัวหนึ่งมาทําพิธีเส้นไหว้ ตอนออกมาจากสารเจ้านั้นทรงเจียงมองไปตามหมู่สนรอบๆ อ, อย่างพินิจพิจารณาและเล่าให้วูหยงฟังว่าต้นสนพวกนี้แปลงเป็นนักรบยักษ์ได้อย่างน่าพิศวงเช่นไรราบเท่าทุกวันนี้ที่นอกประตูด้านเหนือของเมืองเจียนโจยังมีสารเจ้ามังกรดำตั้งอยู่และละมอกหมื่นสนก็ยังคงยืนตร a ง g g a อยู่ที่เดิม พอกลับไปถึงกองบัญชาการท่งเจียงกับบูหยงก็นั่งหาเรือการเข้าตีมู่โจวไปอีกครึ่งคืนแล้วทรงเจียงก็อัวฟุบหลับไปกับโต๊ะอย่างเหนื่อยอ่อนได้ยินเสียงขานขึ้นว่าบันดิตเศร้ามาขอพบครับท่งเจียงตะลีตะลานลุกออกไปรอรับที่หน้ากระโจกเจ้าพ่อมังกรดำโค้งคำนับก่อนจะกล่าวว่า วา น, นี้ข้าไม่ออกมาคุ้มครองท่านโหรหลวงเป้าที่ไร้มนเปลี่ยนมูสนให้เป็นนักรบเกล็ดทองคงจับท่านไปแล้วและวันนี้ข้ามาขอขอบใจที่ท่านแม่ทัพอุตสาห์ไปเส้นไหวและใครจะบอกท่านว่าท่านแม่ทัพจะตีมู้โจแตกได้ในไม่ช้านี้แล้วและอีกไม่ถึงส0บวันก็จะสามารถจับฟางล่าได้ซ่งเจียงใครจะเรียนเชิญอนะดุกะเข้าไปในกระโจมเพื่อสอบถามเรื่องให้ละเอียด แต่ลมเย็นหมู่หนึ่งกันโชคใส่ปลุกให้ตื่นกลายเป็นฝันอีกคำรบหนึ่งจึงรีบเรียกหาวูหยงมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเออในเมื่อเจ้าพ่อมอังกรดำมาเข้าฝันท่านอีกเช่นนี้เราต้องเข้าตีมู่โจให้แข็งขันกันอีกสักหน่อยวูหยงเอยเออถูกต้องที่สุดแล้วขอรับท่านอาจารย์ส่งเจี้ยงรับคาเป็นมั่นเป็นเหมาะ รุ่งเช้าก็เร่งระดมคนเข้าตีมู่โจ o. สั่งเยียนชุนกับมาลินให้ไปตั้งค่ายปิดทางแยกที่ตรงไปยังสันมังกรดำเอาไว้ก่อนให้กวนเชงหัวหลงฉินหมิงและจูถงเคลื่อนทับหน้าเข้าตีกับแพงด้านทิศเหนือของมู่โจ o. และให้หลิงเจิ้นเอาปืนใหญ่แม่กับลูกระดมยิงเข้าไปในมู่โจเก้าชุด เสียงระเบิดดังขึ้นไปถึงสวรรค์สันปตัตภีเนินถล่มถมเทือกเขาทหารฝ่ายใต้ในมู่โจ้ควันหนีดีฟอแตกตื่นทั้งทั้งไดยังไม่ทันรบก่อนนั้นทัพของพระโหราจารย์เป้ากับจอมผลเจิงเจ้าปีศาจถูกหลงจีนลู่ตีแตกพ่ายไปแล้วส่วนขุนพลเสียโ hone ถูกให้กวดไปที่ไหนก็ไม่รู้ไร้พลที่เหลือก็ล่าถอยเข้าเมืองเป้ากับเจิงรีบเข้าไปปรึกษาหารือกับอุปนายกสูและหัวหน้าคนอื่นๆ ขับส่งยกมาปิดล้อมเราคนเหล่านั้นเอ่ยสิ่งใดพอจะให้เราเพึ่งได้ตั้งแต่โบราณกาลมายามใดที่ข้าศึกยกเข้ามาประชิดติดประตูเมืองก็มีแต่ต้องสู้ตายเท่านั้นที่พอจะช่วยให้รอดสู้เอ่ยหากพวกมันบุกเข้ามาได้พวกเราไปต้องถูกจับเป็นแม่นมันมากมาถึงตาอับจนซะแลว้วมีแต่ต้องทนเดินหน้าเท่านั้นเจิงเจ้าปีศาจได้จอมพลถันเกา่า ขุนพลวูหญิงสิ่งเป็นประหลัดรวมทั้งแม่ทัพในกองอีกสิบกว่าคนก็เปิดประตูเมืองขี่ม้านำทหารออกไปหนึ่งเมือนคนส่งเจียงสั่งให้ทัพถอยห่างจากช่วงระยะธนูปล่อยให้ข้าศึกออกมาจากเมืองแรขบวนได้ด้ดยอิสระพระโหรา จ, จาร์เป้านั่งเอเตบนเก้าอี้เท้าแขนดูอยู่เหนือเชิงเทิน ด้วยมีอุปนายกสู่โร์ฮิตเซนและผู้ตรวจการราชสำนักฮวนอี้นั่งบนตังอยู่ข้างๆจอมพลเจอร์ลู่ห อ, อกควบมาขึ้นมาข้างหน้าส่งจีง้งสมควรเชิงขุดพลเงาใหญ่ออกรับมือทั้งสองรบกันไปได้ไม่กี่เทิงเมื่อฝีมือสู้กุนเชิงไม่ได้เจอก็ได้แต่ปัดป้องหลบหลีกอาวุธคู่ต่อสู้พอเห็นเช่นนั้นพระโหราจารย์เฝ้าบนกระแพงก็ร่ายเวทมนต์เป่าลมออกจากปากและตะโกนตามออกไปว่า บนศีรษะของเจิงพลันบังเกิดกลุ่มพันดำโคลยพุ่งขึ้นภายในนั้นเทพกระทององหนึ่งก็ปรากฏกายขึ้นถือติ้วสยบมานเนื้อแขนขึ้นเตรียมท่าฟ า, าดขณะเดียวกันเมฆดำอีกก้อนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเหนือทับฝ่ายใตย้แผ่ตัวออกครอบทับส่ง ท่นใดนั้นสรงเจียงก็สั่งฟานรุยเจ้าสูนมวลแผ่นดินเรียบรับมือกับอิทธิฤทธิ์ส่วนตนเองก็ท่องมนที่อยู่ในกำภีสวรรค์เพื่อขับไล่พายุและความมืดที่ก่อตัวขึ้นเหนือหัวของกวนเชงพลังเมฆสีขาวก้อนหนึ่งก็ลอยขึ้นภายในนั้นปรากฏเป็นเทพองค์หนึ่งขี่มังกรดำในมือถือตะลุมพุกเหล็กทรงเข้าใส่เทพเกราะทองที่พุ่ออกมาจากศรีรษะของเจิงกองทัพทั้งสองเห็นการพันตูในหมู่เทพ ต่างฝ่ายต่างก็กูตะกรนขึ้นให้อึงมีไปหมดสู้กันเพียงไม่กี่เพลงเทพผู้ทรงมังกรดำก็ขับไล้เทพกระทองหนีไปก<ท>วนเทิงเอาเงาตวัดฟันออกไปฉับหนึ่ง <cam: c oughs> จอมคนเจิ้งก็ตกจากหลังมา้าพอเห็นลมพายุและสายฟ้าก่อตัวขึ้นเหนือทัพฝ่ายส่งพระหัราจย์ก็ตกใจเตรียมผุดลุกขึ้นจากเก้าอีกระสุนปืนใหญ่ที่พุ่งเป็นลูกไฟ ออกมาจากกระบอกปืนใหญ่ฟาดสวรรค์ของหลิงเจิ้นกับบดขยี้ศีรษะและลำตัวของพระขู่เป้าแลกเหลวคลายเป็นเศษเมื้อกองทัพฝ่ายใต้แตกท่ายกองทัพท่งก็ลังไหลเข้ามูโจจูถงใช้หอกแทงจอมพลถังเกาทะลุตกจากหลังมา้า <Hey. S 1> กระบี่บินของลี่หญิงสังหารผู้บัญชาการเป้ามูหญิงสิงตอนที่พระหัราจยา์เป้าต้องกระสุนปืนใหญ่ร่างแหลกเหลว กองทหารฝ่ายใต้บนเชิงเทินก็แตกหนีก็ลงมาจากกำแพงกองทหารส่งเจียงซึ่งบัด น, นี้ยึดเมืองได้แล้วโดยสิ้นเชิงก็จับอุปนายกสูสือยวน โ, โรฮิตเซนโซและผู้ตรวจการราชสนัคหวนี้บรรดาแม่ทัพในกองอื่นๆถูกค่าทิ้งโดยไม่มีผู้ใดถามไถ่แช่ซื่อส่งเจียงสั่งให้เผาวางฝังล่า เอาเงินทองและผ้าไหมออกจากใจบรรดาแม่ทัพในกองแล้วออกประกาศรับรองความปลอดภัยของราศดร<อ>ก่อนที่การตรวจนับจำนวนทหารจะทนจบมาเร็วก็เข้ามารายงานว่า<อ>รายงานผู้ใหญ่ส่งมาลินขึ้นไปดีดานบนสันมังกรดำต้องแหลนขุนพลไผ่ฉินและถูกจอมพลซื่อเป้าเอากระบี่ฟันซ้ำตัวขาดเป็นสองท่อนท่านเสือพยองเยยนชุนเข้ารบได้ถูกจอมพลซื้อเป้า เอาขวันฟ้าขว้างตายซื่อเป้าอาศัยความด้วยเปรียบบุกตะลุยมาทางนี้แล้วขอรับทรงจี๊ยบได้ฟังก็ร่าให้เสียใจที่เสียหัวหน้าอีกสองคนสั่งให้กวนเชงหัวโงฉินหมิงและจูถงบุกขึ้นไปรับมือจอมพลซื่อเป้ากับขุนพลไปฉินและยึดด่านบนสันมังกรดำและก็เนื่องจากไปรบบนสันมังกรดำกวาดล้างชุมโจนแห่งตะบลห้วยน้ําใสและจับตัวพระราชาทธ่บดีฝางล่า แห่งคูหาปาังหยู่นนี้เองชื่อเสียงของส่งเจี้ยงและของพี่น้องจึงถูกจารเอาไว้ปูิประวัติศาสตร์สืบต่อมานับเป็นพันๆปีเกติภูมิได้รับการสะดุดีท่ายทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าความห้าวหาญจดจารเนื้อด่านสันมังกรดำชื่อเสียงกึกก้องเกรียงใครไปทั่วคูหาหุบห้วยน้ําใสกองทัพส่งเจี้ยงเผชิญหน้ากับข้าศึกเยี่ยงใดฟังบทถัดไปหากใครจะรู้ วันนี้เสนอถึงตอนที่98มีชื่อตอนว่ารองแม่ทัพลู่สู้ศึกหนักที่ด่านยู่หลิงส่งเจียนยึดห้วยน้ำใสด้วยไหวพริบส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทั้งหลายรับฟังได้นะโอกาสนี้ กวนเชงกับอิสามุนาพาไพ่ผลญาตรลาขึ้นไปบนสั์มังกรดำโดยไวไม่ช้าก็ประจันหน้ากับทัพจอมพลซื่อเป้าออเอจอทยเอไดไจึงกล้าฆ่าพี่น้องกูวะฮึกวนเชงตะกนไปจากหลังมา้าพอเห็นเป็นกวนเชงจอมพลซื่อเป้าก็หมดความกระหายใครจะรบใช้ขลพลไปฉินไปแทนแล้วตัวก็ถอนกาลังกลับขึ้นไปบนสันเขาอย่างเก่า ทั้งคู่รบกันไปไม่ทันถึงสิเพลงดีก็ได้ยินเสียงคล้องดังลงมาจากยอดเขาเป็นสัญญาณถอยอวนเชงไม่ไล่ตามถอยถอยแล้วพังรบกันสนเนื่องด้วยตอนที่จอมพลซื่อเป้ากําลังพะวงอยู่กับการบัญชาการรบกับกวนเชงที่บุกขึ้นมาทางตะวันออกนั้นตัวก็ลืมภาคตะวันตกที่องคมนตรีถงกวนนาทหารตีกระนาบขึ้นมาทหารฝ่ายใต้ก็เริ่มรั้สัมประสาย คุณพลหวางปิงฝ่ายส่งเข้ารบกับผู้บัญชาการจิงเต๋อฝ่ายใต้หลังจากรบกันไปได้กว่าสิเพลงหวางก็ฟันจิงเต๋อตกหลังม้าขณะเดียวกันลูกฟางกับโกเชงสองหัวหน้าฝ่ายส่งก็รุกขึ้นไปยึดสันผูแต่ก่อนจะทันถึงโกเชงถูกก้อนศิลาขนาดใหญ่งัดตกลงมากระแทกใส่แหลกเหลวไปทั้งม้าทั้งคน ในระหว่างนั้นกวนเชิงที่อยู่ทางทิศตะวันออกสังเกตเห็นทัพฝ่ายใต้ที่ตั้งมั่นอยู่ข้างบนเกิดรวนเร่คณีดูก็รู้ว่าชร้อยกองทัพฝ่ายตนอีกกองหนึ่งคงจะตีรัดขึ้นมาทางตะวันตกจึงนํากําลังฝ่ายตนบุกตะลุยตีกระหนาขึ้นไปบ้างเมื่อถูกตีประดังมาจากสองด้านทหารบนสันก็ยิ่งคงกันไม่ติดลูกฟางกับขุนพลป่ายฉินประจันหน้ากันเคารพไปได้สักสามเพลงไปเสืึกม้าทแทงด้วยหอลกลู่ก้มหลบหอกถากสีข้าง มืออีกข้างหนึ่งของไปก็คว้าจับหอกเสี้ยวจันของลูกเอาไว้แน่นออกแรงบิดด้วยว่ารบในระยะประชิดใช้อาวุธได้ไม่ถนัดทั้งสองจึงตัดสินใจทิ้งอาวุธแล้วสู้กันด้วยมือเปล่าบนหลังมา้า oh <my> บนสันเขา oh <my> เป็นที่อันตรายเกินที่ม้าจะยืนบนกีบเท้าให้มั่นคงการที่คนขี่ทั้งสองกอดปั้มยิ่งทำให้ม้ายืนขาไม่อยู่ทั้งคนทั้งมา้าทั้งคู่พลัดตกสันเขาลงไปร่างแหลกเหลว oh <my> ควรเชงกับพลเดินเท้ารุกขึ้นไปจนถึงสันเขา จอมพลซื่อเป้าเห็นว่าตัวตกอยู่ในวงล้อมทั้งหน้าหลังด้วยกลัวว่าหากถูกจับจะถูกเขากระทําให้ได้อายก็ชิงเอากระบี่ภาวายุเชือดคอตัวกองทัพส่งสามารถยึดด่านบนสันเขาแมงก่อนดำได้โดยสิ้นเชิงขวนเชงส่งม้าเร็วไปรายงานข่าวชัยชนะให้ส่งเจียนทราบกองทัพส่งอีกหน่วยหนึ่งยังรุกขึ้นมาตามลําน้ําตอนใต้มู่โจเท่ากับกดดันทั้งบนทั้งล่างแม่ทัพเรือฝ่ายใต้ทั้งสี่ พอเห็นว่าด่านสันมังกรดำและมู่โจถูกยึดไปแล้วจึงพากันทิ้งเรือหนีขึ้นฝั่งตรงข้ามแต่ชาวบ้านช่วยกันจับตัวเชงกุ้ยกับเสียฟูนำไปมอบให้ฝ่ายชนะที่มู่โจส่วนไซหยวนกับเฉียวเจิง้งหนีรอดไปได้ ท่านกองทัพส่งภายใต้บัญชาการขององคมตรีถงและผู้บัญชาการหลิวขึ้นมายึดสันมังกรดำได้แล้วก็เดินทับต่อขึ้นไปถึงมู่โจส่งเจียงรีบออกไปรอต้อนรับที่นอกเมืองทัพที่เดินทางมาถึงก็เข้าไปตั้งค่ายอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองออกประกาศ ร, รับรองความปลอดภัยของรอัษฎรและให้ทหารท้องถิ่นกลับเข้าประจำการตามปกติไร่พนฝ่ายใต้มาออกตัวเป็นจำนวนมากส่งเจียงสั่งให้เปิดยุ้งฉางนำเสบียงอาหารออกแจกจ่ายพลเมือง พากันกลับไปประกอบกิจาการงานและเป็นพลเมืองดีตามเดิมหัวใจของไม่ทัพเรือเชงกุ้ยกับเสี่ยฟูถูกแบกออกมาเส้นดวงวิญญาณของหยวนที่2และเม่งกังส่วนดวงวิญญาณของผู้วัยชนบนสรั์มังกรดำก็ได้รับการเส้นไหว้แยกกันลี่จุนรับคําสั่งให้ลําเลียงขุนทหารฝ่ายใต้ขึ้นเรือ ล่องลงไปมอบให้พัว่าการจ้างเป็นหลายลำตอนฟังข่าวการตายของลูกฟางและโกเชงส่งเจียงให้เสียใจนักไม่อาจตัดใจเคลื่อนทับไปไหนได้แต่หยุดทับรอท่าลู่จุนยี่เพื่อจะยกขึ้นไปตีห้วยน้ำใสพร้อมกัน จะกล่าวฝ่ายทับลู่จุนยี่พร้อมด้วยหัวหน้า28คนกำลังพ้นอีกสาม0มื่นที่แยกออกไปตั้งแต่ที่หางโจก็เดินทับตรงไปยังสวอโจระหว่างทางผ่านเมืองหลินอันซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแล้วต่อไปถึงด่านยู่หลิงผู้รักษาด่านคือขุนพนผลผังหวานซุนมือธนูผู้สุดฉมังแห่งเจียงหนานมีผู้ช่วยอีกสองคนคือขุพนพลเหลยจงกับขุพนพลจีจีแต่และคนใช้หน้าไม้หนัก800้อยช่าง ต้องใช้เท้ายันช่วยจึงจะดึงสายมาขึ้นนกได้แถมยังถือกระบองหนามขนาดใหญ่ส่วนผังมีกำลัง 3, สามพันพอทราบข่าวว่าลู่จุนยี่จะยกทัพมาก็เตรียมการไว้พร้อมสิ้นแล้วทุกอย่างเป็นแค่รอคอยให้เข้ามาใกล้แม่ทัพลู่ส่งทหารราบสามพันภายใต้บัญชาการของหัวหน้าขี่ม้าหกคนนำโดยซื่อจินเป็นกองหน้าเคลื่อนเข้าไปอย่างเชิงกองหน้าลัดล็อกไปตามถนนที่ตรงไปยังด่าน โดยไม่พบผ่านทหารข้าสึกเลยแม้แต่ผู้เดียวซื่อจินให้สงสัยจึงหารือกับหัวหน้าที่ไปด้วยทันใดนั้นธงขาวผืนหนึ่งก็ชูขึ้นเหนือกำแพงบนตัวด่านขุนพลผังหวานสุนผู้ขมังธนูก้าออกมาข้างหน้ายืนมองที่ซื่อจินและหัวร่อร่วนไอโชนบ้านนอกขอบือเสนอจุนเฮยตอนได้รับอภัยโทษจากจากักรพรรดิซง มึงควรจะอยู่แต่ในบึงเหลียงสารจึงจะถูกถึงมึงหันกล้ามาแสดงท่าวีรบุรุษถึงที่นี่นับว่ากล้าดีนะแน่อยู่แล้วว่าพวกมึงยังรู้จักชื่อเสียงกูฝ่ายมึงเองก็มีไอ้บันซบผู้หนึ่งนามว่าไอ้หัวหลงให้มันออกมาแสดงฝีมือให้ดูจะดีกว่าแต่ก่อนอื่นกูจะสาธิตฤทธินูให้พวกมึงได้ดูเป็นตัวอย่างนี่ก่อนคาพูดจะสุดปาก ขุนพลผังก็ปลายเกาทันพุ่งใส่ซื่อจินก้าวมังกรถูกลูกดอกเขาเต็มเป่าพัดตกจากหลังมา้าหน้าอีกห้าคนที่เหลือรีบควบม้าเข้าไปช่วยซื่อจินกลับขึ้นมา้าแล้วพากันล่าถอยออกมาบัดโดนเสียงค้องก็รัวกล้องลงมาจากยอดเขาหากเกาทันก็โปรยปลายออกมาจากดงสนที่ยืนต้นอยู่สองไหล่เขาข้างทาง บรรดาหัวหน้าต้องทิ้งซื่อจินเพื่อห น, นีออกมาแต่พลุดเข้ามาในช่องเขาแห่งหนึ่งก็เห็นเหลยจงกับจีจียืนอยู่บนไหลาทางเปิดข้างละเนินสาดลูกดอกออกจากหน้าไม้ใส่หัหน้าทั้งห้าราวหาผลแม้แต่วีรชนที่ว่องไวที่สุดก็ยังยากจะหลุดรอดจากคมลูกดอกเหล่านั้นออกมาได้อ น, นิจาบรรดาหัวหน้าใหญ่แห่งบึงเหลียงซาน ชีวิตพันถูกพรากไปดั่งฝันทั้งหกทิ้งร่างเกยกายกันอยู่ที่ตีนด่านแห่งนั้นนั่นเองในไพ่ราบทั้งสามพันเหลือกับไปแรงงานสักร้อยคนเห็นจะได้เมื่อลู้ได้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นก็อ้ำอึง้งเงียบอยู่ไม่รู้ว่าจะเอ่ยอะไรออกไปเป็นนานเฮ้ยคิดมากไปก็รังแต่จะทวงกิจการงานสำคัญให้เนิ่นช้าจูวูเสร้อยเหลี่ยมเอ่ย เรามาคิดหาหนทางยึดดานฆ่หาขุนทหารพวกมันเป็นการล้างแค้นจะดีกว่านะขอรับอ้ท่านพี่ทรงเจียงคงใคร่ควรมาอย่างดีที่เฟ้นแต่หัวหน้ามือดีๆมาให้ลูกเอ่ยแต่ถ้าว่าไม่ทันชนะก็มาเสียหัวหน้าไปถึงหกคนส่วนไพ่ผลที่ให้ไปด้วยสามพันก็เหลือกลับมาเพียงร้อยเศษๆเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้พอไปถึงสอโจแล้วข้าน้อยจะกล้าเข้าหน้าพี่ใหญ่อย่างไรได้ เ้ยโบรันเคยบอกเอาไว้ว่าชัยภูมิเหนือกว่าเวลาแต่ชัยภูมิก็ยังต้องลงให้กับการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับมวลชนเราทั้งหมดล้วนเป็นคนซานตงุงแหละเหอเปยมาจากที่ราบภาคกลางไม่มีใครสักคนจะคุ้นเคยการรบในเขตป่าเขาลำนาวไพรทำให้เราเสียเปียบด้านชัยภูมินักดังนั้นสิ่งที่เราควรทาในตอนนี้ก็คือหาคนพื้นถิ่นสักคนมานาทางในป่าเขาชี้ให้ไปซ้ายไปขวาจึงจะถูก ่ท่านอาจารย์กล่าวมานี้ก็ชอบแล้วขอรับเราควรจะส่งผู้ใ ด, ดไปเป็นแมวมองไปดูลู่ทางดีเออความเห็นอันต่ำต้อยของข้าน้อยไอ้หมัดบนหนังกลองชื่อเฉียนน่าจะเหมาะสมที่สุดเขารู้วิธีไต่กำแพงปีนช้คคาอีกทั้งหากคับขันก็รู้จักเอาตัวรอดลู่เรียกชื่อเฉียนมาสั่งไอ้หมัดลาออกมาจัดเตรียมสเสบียงกลาง เน็บมีสั้นเขากับเอลแล้วออกเดินทางพอไปได้สักครึ่งวันฟ้าก็เริ่มมืดไอ้มัดมองออกไปก็เห็นแสงตะเกียงเต้นไหวๆอยู่แต่ไกลมีแสงตะเกียงที่ไหนคนก็ย่อมอยู่ที่นั่นหรวะเฮ้ยชื่อเฉียนคิดพรางคลำหาทางไปในความมืดแสงไฟที่เห็นส่องลอดออกมาจากวัดเล็กๆแห่งหนึ่งไอหมัดเล็ดลอดเข้าไปคาระวะหลวงจีนชารารูปหนึ่ง เไม่ต้องมารยาทไปดอกท่านผู้สันจรลุ้มจีนเอ่ยในยามหน้าเสียวหน้าขวานเช่นนี้อะไรพาประสบมาถึงที่นี่ล่ะฮะเฮ้ <c oughs> เออท่านผู้ทรงศีลขอรับข้าน้อยขอบอกตามซื่อข้าน้อยเป็นผู้ประชาการมาในทัพกับท่านทรงเจียงแห่งหลิงซานเปาะมีน้มว่าชื่อเฉียนขอรับ พวกข้าน้อยมาตามพระราชโองค์การโปรดกล่าวให้มาปราบฟังล่าแต่เมื่อวันก่อนขุนพลฝ่ายโจรบนด่านยู่หลิงใช้ธนูฆ่าหัวหน้าฝ่ายเราตายไปหกคนพวกเราฝ่าข้ามด่านไปไม่ได้ขอรับข้าน้อยได้รับคําสั่งให้ออกมาหาทางอ้อมจึงบุกลึกข้ามป่าดงมาถึงที่นี่ท่านพระครูพอจะช่วยเหลือพาพวกเราแอบข้ามไปได้หรือไม่พวกเราจะถวายปัใจจัยให้อย่างเต็มที่เลยนะขอรับเออ ชาวบ้านร้านถิ่นแถบนี่นะล้วนถูกไอ้ฝางลามันกดขี่ข่มเหงไม่มีผู้ใดไม่ชิงชังทังเกียรตุพวกมันดอกฮคนเหล่านี้ล้วนเคยอุปถรัรมภ์ทำบุญกับทางวัดมาโดยตลอดแต่มาบัตินี้ต้องหนีหายไปสิน่นอัตมาไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนถึงจำใจรอตายอยู่ตรงนี้ทั้งเป็นโชคหนักหนาทหารแห่งองค์พระจั ก, กรพรรดิเดินทัพประกอบกู้สันติสุ ขึ้นให้ไพร่ฟ้าประชาชีอีกนหนกวาดล้างไอ้พวกอับปีจังไรจังหนึ่งไล่ผีหาอีกครั้งแต่ก่อนอาตมาจะไม่กล้าพูดอะไรด้วยเกรงว่าพวกโดนมันจะรู้แต่ในเมื่อท่านเป็นขุนทหารอยู่ในองค์พระสงชัยอาตมาจึงพูดด้โดยสะดวกปาดท้คแับนี้นะไม่มีเส้นทางให้เดินหรอกแต่หากท่านบุกผาไปตามสันเขาด้านตะวันตก ก็จะอ้อมหลังดา่านพาอันเลยไปได้อาตมากเกรงก็แต่ว่าพวกโจรจะส่งคนไปปิดเส้นทางเอาไว้ฉัญจรไปมาดังก่อนไม่ได้เท่านั้นเองเออแล้วพระคุณเจ้ารู้ทางเข้าไปที่ตัวด่านไหมขอรับเฮ้ยก็ใช้เส้นทางเดียวกันนั่นแหละพระศกเม็่ใแต่ใช้ทางแยกวกลงไปอย่างตัวด่านแต่ตอนเนี้ท่านคงใช้ไม่ได้ฉันแล้ว เพราะพวกตนมันล้มเล่องหินขนาดใหญ่มาปิดทางไว้เออตราบใดที่เดินไปได้ข้าน้อยย่อมทําทุกอย่างผ่านมันไปจนได้นั่นแหละขอรับพระคุณเจ้าช่วยเราให้เห็นแจง้งข้าน้อยจะรีบไปรายงานท่านแม่ทัพและพระคุณเจ้าจะได้รับรางวัลอย่างงามนะขอรับเออโปรดจะได้บอกคนนอกว่ารู้เรื่องนี้มาจากอาจารยนะพระศกเขาใชเปล่าบาดท้ตอนแรกบอกไม่กลัวแล้วไงท่าน ไม่ไม่กลัวหรอกแต่มันไม่ค่อยกล้านะ่ะอย่างนั้นลือหลวงพ่อใช่แล้วใช่แล้วเออพระคุณเจ้าข้าน้อยเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนเป็นยิ่งนักข้าน้อยไม่เอาพระคุณเจ้าไปขายดอกชื่อเฉียนกล่าวอำลาหลวงจีนชารากลับมายังค่ายและรายงานเส้นทางให้ลูกทราบลูกเรียกที่ปรึก ษ, ษามหารือด้วยความดีใจเฮยยอดเยี่ยม จู่วเอ่ยตอนนี้เราสามารถยึดด่านยู่หลิงได้อย่างง่ายได้ประดุดถมน้ำลายใส่ฝ่ามือเราต้องส่งคนไปกับชื่อเฉียนให้ดำเนินไปตามแผนที่เรากำกับจะต้องทำอะไรต่ออีกอรับท่านที่ปรึกษาชื่อเฉียนขอคำสั่งงานที่จะมอบให้ทำครั้งนี้สำคัญมากคือวางเพลิงแหละยิงปืนใหญ่ท่านมีหน้าที่หลักขนปืนใหญ่และชุดเหล็กไฟขึ้นไปเหนือด่านอ้อมลงมาด้านหลังตัวป้อม และจุดไฟเผาด่านและยิงปืนเป็นอนัสัญญาณเฮ้ย <Hey, S 1> แค่นี้เองหรือขอรับถ้าเช่นนั้นข้าทำคนเดียวก็ได้ไม่ต้องเอาผู้ใดไปช่วยให้เกะกะเพราะไม่มีผู้ใดจะปีนฝาเดินบนหลังคาได้เหมือนข้าแล้วหากทํทตามแผนนี้ท่านที่ปรึกษาจะยึดป้อมมันได้อย่างไรหรือขอรับโอ้ oh, นั่นง่ายนะขวกข่าศึกมันต้องวางกลังซุบเอาไว้ตามสองข้างทางใช่ไหม เราก็เผาป่าไม่ให้มันมีที่หลบซ่อนได้ก็เท่านั้นไม่แหลมคมยิ่นักแล้วขอรับท่านทีพปรึกษาชื่อเฉียนเลือกตะบันไฟไปให้ปืนใหญ่ขึ้นใส่หลังกล่าวอำลาลูกมอบเงินยี่สิบตำรึงและข้าวสารหนึ่งถังให้ในทหารชั้นประทวนผู้หนึ่งแบกตามไปกำนันหลงจีนชาราผู้นั้นพอตกบ่ายทั้งสองก็ไปถึงตัววัด เออแม่ทับหน้าของเราทราบซึ้งในความเมตตาของพระคุณเจ้านักชื่อเฉียนเอ่ยขึ้นกับหลวงจีนผู้นั้นท่านจึงส่งของกำนันเล็กๆน้อยนี้มาให้เป็นรางวัลขอรับไอหมัดบนหนังกลองถวายปัจจัยก่อนจะสั่งในทหารชั้นประทวนกลับค่ายแล้วหันกลับมาทางหลวงจีนเท่าเออข้าน้อยใครขอรบกวนพระคุณเจ้าสั่งเนน้อยให้ช่วยนาทางข้าน้อยไปด้วยเถิดขอรับเออไอตอนกลางวัน ทาหารข้าศึกบนป้อมอาจจะเห็นสู้รอให้ดึกก่อนกันนี้กว่าพอตกเย็นหลวงจีนเจ้าบ้านก็เลี้ยงอาหารชื่อเฉียนพอตกกลางคืนก็เอ่ยกับสิทธว่าเออเจ้าเนน้อยเอยน้ำทางขุนทหารผู้นี้ไปที่นั่นแล้วรีบกลับมาไวๆอย่าให้ผู้ใดรู้เห็นเป็นอันขาด ชื่อเฉียนกับเนน้อยผู้นั้นก็ออกจากวัดที่สร้างอย่างยิบยับแห่งนั้นตัดลึกเข้าไปในเทือกเขาทั้งสองปีนป่ายไปบนเนินเขาที่รกชัดและสูงชันอาศัยเถาวัลย์และรากไม้เหนียวตัวตามแสงจันทร์สลัวขึ้นไปด้วยความยากลําบากในที่สุดก็ขึ้นไปถึงหน้าผาแห่งหนึ่งทั้งสองมองสูงขึ้นไปก็เห็นเส้นทางเล็กๆตัดลัดเลาะโขดหินขึ้นไปตามหน้าผาแต่เนื้อโขดหินขนาดใหญ่กลุ่มนั้นปรากฏเป็นกองหินมหฮมาสมเปรดเส้นทาง จะมีใครที่ไหนข้ามไปได้เอ่อท่านผู้การครับเนน้อยเออข้ามกองหินนี้ไปตามเส้นทางที่เห็นตัวป้อมจะอยู่ฝ้ากระนูนนะโยมเออท่านเนน้อยท่านกลับไปได้แล้วขอรับเห็นเส้นทางชัดแค่นี้แล้วข้าน้อยไปเองได้ขอรับเนน้อยผู้นั้นก็หวนกลับไปไอหมัดบนหนังกลองที่สามารถเหินลังคาใต้กำแพงกระโดดข้ามลัวขโมยมา้า ก็ใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีมาไปยืนข้ามสิ่งกีดขวางเข้าไปได้อย่างง่ายดังลัดนิ้ว <S <S บัตรนั้นนอกบริเวณตัวด่านออกไปทางด้านทิศตะวันออกแสงไฟสีแดงจ้าจับไปครึ่งแผ่นฟ้าก็เลยว่าระหว่างที่ไม่ทับลู่กับจูบูสั่งเลิกค่ายเดินทับเข้าประชิด ต, ตัวด่านนั้นก็จุดไฟเผาป่าไล่ไปตลอด2อภาคทางหน่วยหน้าที่ประกอบด้วยทหารราว4ี0ร้อคนต้องคอยเก็บกวาดซากศพของทหารฝ่ายใต้ ที่กองสุุมเส้นทางเป็นภูเขาเลากาข้าที่หนีไฟไม่ทันคุณพลผังจอมขมังธนูที่อยู่ในตัวป้อมได้รับรายงานจึงพูดขึ้นว่าเฮ้ยพวกมันใช้ไฟทำลายการซุ่มป่องของฝ่ายเราไปหนึ่งแต่จะเป็นไรมีเรายังยึดตัวป้อมอยู่ดูทีสิว่าพวกมันจะฝากเข้าไปได้อย่างไง อกองทัพสรงประชิดกันเข้ามาขุนพลผังก็พาเหลยจงและจีจีขี่ม้าออกไปดักที่ทางเข้าตัวด่านชื่อเฉียนค่อยๆคลานขึ้นไปที่ตัวด่านทีละคืบทีละคื บ, ลคบแล้วปีนต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนคบไม้ที่มีใบพุ่มดกรกชัดมองลงไปเห็นขุนพลข้าศึกสามคนมอบซุ่มพร้อมดิษฐานุแหล่หน้าไม้ครบคันมองออกไปนอกตัวด่านแสงคบไฟจากกองทัพสรงเคลื่อนขึ้นมาประดุดงูเลื้อยพอมาถึงลิ้นชมกับภูเวีโจดึงม้าหยุดที่ตีนด่าน แล้วตะโกนขึ้นไปว่าเฮ้ยไอ้พวกขุนพลโจนกล้าดียังไงจึงได้มาพากันต่อต้านกองทหารพระเจ้าัผ่นดิฮะพวกขุนพลฝ่ายใต้มัวสารวนอยู่แต่ธนูกับหน้าไม้ไม่ทันรู้ตัวว่าไอ้หมัดได้มาแอบซ่อนอยู่เนื้อด่านนานแล้วชื่อเฉียนค่อยๆโรยตัวลงตามต้นไม้ลงมาอย่างเงียบเชียบคืบคลานไปทางหลังป้อมพอเห็นกองฟางสองกอง ก็เข้าไปซ่อนอยู่ระหว่างกลางวางปืนใหญ่ไว้บนฟางกองหนึ่งเอาเชื้อดินประสิวกับกรรมฐานโรยบนกองฟางทั้งสองงัดตะบันไฟออกมาจุดชนวนรีบปีนหนีขึ้นไปซ่อนอยู่บนหลังคาป้อมพร้อมปืนใหญ่อีกกระบอกหนึ่งพอกองฟางข้างล่างติดไฟได้ที่ก็ระเบิดขึ้นเสียงดังราวจะเขย่าวสวรรค์ฝ่ า, ายใต้ร้องเสียงหลงพากันวิ่งหนีทั้งทั้งที่ยังไม่ทันได้ต่อสู้และผู้ใดเล่าจะมีกระเพาะไปสู้รบ ขณะที่ขุนพลผังกับสองผู้ช่วยมองไฟที่ลุกไหม้มาจากหลังคาค่ายชื่อเฉียนบนหลังคาก็ยิงปืนใหญ่ขึ้นอีกนัดหนึ่งแรงระเบิดสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งตัวป้อมทหารฝ่ายใต้ควันหนีดี่อทิ้งศาสตราวุธถอดชุดเกราะหนีออกทางประตูหลังด่านชื่อเฉียนที่ซ่อนอยู่บนหลังคาป้อม um, ก็ร้องตะหวัดออกไปฟังได้ความว่าเอาทหารสู้น้าแสนเขาด่านมาได้แล้ว ออกไม่อยากตายก็ยอมแพ้เสแต่โดยดีคุณพนผังขยี้เท้าเพื่อระ ง, งับความแตกตื่นเหลยกับจีตัวแข็งทื่อกล้ามเนื้อไม่ยอมเคลื่อนไหวลิ้นชงกับฮูเวนโจขึ้นมาได้ก่อนบรรดาหัวหน้าค น, น, นอื่นๆพวกมาอ้อมตัวด่านไล่ตามทหารฝ่ายใต้ที่แตกหนีไปกว่า30 l. สิลี้สุนลี่จับได้เหลยจงเวยติงโกจับได้จีจีมีเพียงคุนพนผังบ้านชุนเท่านั้นที่หนีรอดไปได้ ไร่ผลฝ่ายใต้ถูกจับเป็นได้ครึ่งหนึ่งทับซ่งเข้าไปตั้งค่ายอยู่ในตัวด่านแม่ทับลูกบูรบําเร็จให้ไอหมัดบนหนังกลองอย่างเอกอุพักหัวใจเลยกับจีจีออกมาเส้นดวงวิญญาณซื้อจินชื่อซิลและหัวหน้าอีกสี่คนที่ถูกฆ่าศพของคนทั้ง6ถูกกู้ขึ้นมาฝังรวมกันเอาไว้บนเนินส่วนซากศพคนอื่นๆที่เหลือถูกนําไปเผาวันรุ่งขึ้นลูกกับหัวหน้าคนอื่นๆผู้ระเราะขึ้นมา้าทรงม้าเร็วไปแจ้งข่าวการยึดด่านผู้ว่าการจา้าง ขณะเดียวกันก็เร่งเดินทัพประชิดสโจพอไปถึงก็ลงค่ายอยู่นอกชาญเมืองเจ้าฟ้าฟางโหผู้ว่าการสอโจมีสัก์เป็นพระเจ้าอาของพระเจ้าฟางล่าหรือเป็นพระอนุชาของพระบิดาในพระเจ้าฟางล่าทรงมีขุนพลเป็นผู้ช่วยสองคนคนหนึ่งนั้นคือเสนาบดีหวังหยินอีกคนหนึ่งคือรองเสนาบดีเกาอยู่ทั้งสามร่วมกันปกครองจังหวัดสอโจทหารป้องกันเมืองมีกําลังพลสอง0 0ื่นอยู่ภายใต้ผู้บัญชาการราวสิบกว่าคน แต่เดิมหวางเป็นช่างสกัดหินอยู่ในหุบเขาสอโจใช้หอกเหล็กขี่ม้านามว่าม้าบินตะกุยเขาด้วยว่าม้าตัวนี้สามารถปีนเขาลุยลำธารปานวิ่งอยู่บนพื้นราบส่วนเขาเป็นคนสอโจมาจากครอบครัวเก่าใช้หอกป้องเป็นอาวุธเนื่องจากคนทั้งสองแค่พออ่านออกเขียนได้ถึงพระเจ้าฝางล่าจะแต่งตั้งให้ว่าการตาแหน่งสูงแต่ก็กันเอาไว้ที่อานาจฝ่ายบูเป็นหลัก หลังจากพ่ายแพ้ที่ด่านยู่หลิงผังว่านชุนก็หนีไปราย ง, งานเรื่องดังกล่าวกับพระเจ้าฟางโหที่ส่จโจขอเดชะราษฎรท้องถิ่นเอาเราไปขายพื่ะข้พวกมันพาส่งเจียงอ้อมขึ้นมาทางหลังเขาให้ผลของเราแตกหนีหม่อมฉันยันเอาไว้ไม่อยู่พระเจ้าค้าเจ้าฟางโหทรงกริวด่านยู่หลิงมีความสำคัญต่อสอจโจเป็นที่ยิง่งตอนนี้พวกมันยึดไปได้ซะแลว้ว ไม่ช้าก็เร็วพวกมันก็จะยกกันมาถึงที่นี้แล้วที่นี้เราจะผลักดันพวกมันได้ยังไงฮะเฮยพระอาญาไม่ผลกล้าวโปรดทรงระงับโทสะเอาไว้ก่อนพะยะค่ะตายฝ่าพระบาทเสนาบดีหวางถาวายคำแนะนำดังโบราณกล่าวไว้ว่าไม่ควรตำหนิขุนพลพ้ายสวรรค์หาได้ประสิทธิ์ประสาทผู้ใดให้พร้อมสิ่งไปเสียทุกอย่าง แทนที่จะกำหนดให้ต้องชนะจงให้ขุนพลผังว่านซุนติดทันบนเอาไว้สักหนึ่งก่อนทรงโปรดกล้าวให้เขานำทัพออกไปแก้ตัวหากยังล้มเหลว อ, อีกจึงค่อยเพิ่มโทษขึ้นเป็นสองเท่าเถิดพะยาคาพระเจ้าฟางโหทรงเห็นชอบก็มอบทหารให้ขุนพลผังไปห้าพันบัญชาให้เคลื่อนพลออกไปและให้กลับมาพร้อมชัยชนะในวันนั้นลู่จุนยี่เข้าตีสวโจขุนพลผังนำทหารที่ได้ออกจากเมืองไปรับมือ ขับทั้ง <Hey. S 1> สองแปลขบวนรบคุนพลผังชักม้าออกมาร้องท้ารบกันตัวต่อตั ว, ต ว, ตวจากฝ่ายส่งเที่ยงโอเปงถึงหอกเหล็กควบม้าลงสนาม <Hey. S 1> ไม่ถึงห้ายกผังก็ถอยหนีโอเปงใคร่จะแสดงความกล้าจึงควบม้าตาม <Hey. S 1> ผังหันกลับมายิงเกาทันใส่ <Hey. S 1> โอเปงคุนทาหารผู้ชำนาญศึก <Hey. S 1> ก็ยื่นมือออกไปคว้าลูกดอกดึงลงมาจากกลางอากาศโดยไม่ทันตระหนักว่า ผิงยิงได้เป็นชุดหลังจากจับลูกดอกกลางอากาศได้ก็ย่ามใจพวกม้ากระชั้นเข้าไปสายธนูผังดีดเสียงดังผึ่งอีกคำรบหนึ่ง <c oughs> ลูกดอกลูกที่สองก็ปักเข้าร่างออเปร์เต็มเป่าร่วงลงจากหลังมา้าเสนาบดีหวงังกับรองเสนาบดีเก่ามองลงมาจากเชิงเทินก็เห็นปีกทองไหวแม่ฆร่วงลงสู่พื้นและขุนพลผังก็นํากําลังตะลุยใส่ทับส่ง กองทับส่งแต่พ่ายถอยหนีไปกว่าส0สิบลี้ก่อนจะลงค่ายเมื่อนับจำนวนไพร่ผลก็พบว่าจางชิงคนปลูกผักเสียชีวิตในสนามรบนางไม่มดสุนได้ไพร่ผลที่ไปด้วยช่วยกู้ศพหัวตัวเองคืนมาเผาเจ้าตัวร่ำไห้โดยไม่นำพาต่อสิ่งใดๆแม่ทับลูกคดหูไปกับภาพที่เห็นรู้สึกได้อย่างเดียวว่ายุทธวิธีของตัวผิดพลาดในการโจมตีวันนี้เราเสียแม่ทับไปอีกสองคนแล้ว ไม่ทับรูกปรึกษากับจูวูจะให้ทนต่อไปเช่นนี้อย่างไรได้เออสำหรับชีวิตทหารชัยชนะหรือพ่ายแพ้เป็นเรื่องปกติจะอยู่หรือตายพระท่านลิกขีดเอาไว้ล่วงหน้าอันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะขอรับจูบูปลอบพวกฝ่ายใต้เชื่อว่ามันบีบเราจนต้องถอยคืนนี้นะพวกมันจะต้องดอดเข้ามาป้อนค่ายเป็นการรังควานอย่างแน่นอนเราควรจะถอนออกจากค่ายวางกาลังซุบออกไ้ทั้งสี่ด้าน ตรงกลางค่ายล่ามแกะเอาไว้ให้หลายๆตัวหน่อยจู่หู ก, ก้มลงกระซิบรายละเอียดในแผนการที่เหลือหูเวียนโจได้รับคําสั่งให้วางกําลังหน่วยหนึ่งซุ่มไว้ด้านซ้ายของตัวค่ายหลิ้นชงซุ่มอยู่ทางด้านขวาซานถิงกุ้ยกับวยติงโกอยู่ทางทิศเหนือและหัวหน้าคนอื่นๆก็พากันวางกําลังซุ่มอยู่ตามสองภากทางเข้าค่ายหากคืนนั้นทหารฝ่ายใต้เข้าตีฝ่ายกลางค่ายจะลุกให้สัญญาณเข้าตีพร้อมกัน แล้วไพร่พลฝ่ายส่งก็เข้าประจำการตามแผนขณะเดียวกันเสนาบดีหวางกับเกาที่พอจะเรียนรู้ทำราพิชัยสงครามมาบ้างก็หารือร่วมกับเจ้าฟ้าฟ า, ฟางโหสเด็จอาของพระเจ้าฟางล่าทั้งสองเอ่ยขึ้นว่าฮาฮาฮาฮาเฮ้ยพวกเราไต้ทับฝ่ายส่งจนแตกหนีไปถึงสามสิบลี้คนกับม้าหมดกาลัง่ายของมันไร้การป้องกันใดๆ หากราบุกตีซ้ำเข้าไปอีกในตอนนี้เราก็จะได้ชัยชนะเหนือพวกมันอย่างเป็ดเสร็จพวกท่านจงดูรายละเอียดให้ทั่วทีหากว่ามั่นใจก็ทําไปได้เลยเก้ากระหม่อมกับขุนพลผังจะเป็นฝ่ายบุกออกไปเก้ากราบทูลฝ่าบาศ์กับท่านเสนาบดีหวงังรอถารักษาเมืองอยู่ที่นี่คืนนั้นสองขุนพลผูกเกราะเดินทัพไปพร้อมไพร่พล เพื่อให้เงียบที่สุดเครื่องอ่านมานั่งถูกกรองผู้คนข้าปล้องยาไว้ในปากพอเข้าใกล้ค่ายก็เห็นประตูพเนียดเปิดอ้าเอาไว้จึงลังเลที่จะเดินหน้าต่อเสียงเคาะกรองบอกมงยามได้ยินชัดแต่ระบุเวลาไม่ได้เการีบดึงม้าหยุดเฮ้ยอย่าเข้าไปข้างในนะทำไมเราขอรับท่านเสนาบดี น, นั่นไม่ใช่เสียงเคาะบอกมงยามตามปกติชักจะไม่กลิ่นทาแม่งทาแ eng ซะแล้ว อไต่เท้าผิดไปซะแล้วละครับพวกมันพ่ายแพ้กำลังขวัญหายร่างกายก็อ่อนเปลียกระทั่งยามก็ลำลบากตื่นตีจังหวะผิดๆทุกทุกไม่มีอันใดให้เป็นที่กังวลใจดอกเดินหน้าต่อไปเถิดขอรับเออว่าเช่นฮีก็ขวรอยู่ดอกทั้งสองสั่งไพร่พลให้เดินหน้าทหารก็พากันเข้าไปในค่ายซาสตราวุธเต็มพิกัดคุ้นพลฝ่ายใต้ทั้งสองตรงดิ่งไปยังกระโจมผู้บัญชาการแต่กลับไม่พบผู้ใด และแล้วที่ต้นหลิวกลางค่ายพวกเขาก็เห็นแกะสองสามตัวถูกมัดสองขาหน้าแขวนเอาไว้เหนือพื้นไม้เคาะบอกเวลาผูกติดขาหลังตามวิสัยของแกะเมื่อขาวิดพื้นไม่ถึงดินแกะก็จะพากันดิน้นเอาตีนตะกวยอย่างพื้นดินเป็นพักๆไม้ตีกรองที่ผูกเอาไว้ก็กระทบกับหน้ากรองที่วางอยู่ข้างใต้นั่นเองคือที่มาของเสียงกลองแบบสะเปะสะปะรออผู้คนผลก็คือฝ่ายเข้าปล้นพบแต่ค่ายเปล่า คุณพลทั้งสองร้องขึ้นพร้อมกันหันหลังกลับวิ่งหนีไฟสัญญาณกลางค่ายลุกโผล่ขึ้นปืนใหญ่ก็ยิงสลุดรัต ล, ลงมาจากยอดเขากระสุนปืนใหญ่เป็นลูกไฟตกใส่ค่ายไพร่ผลที่ซุ่มอยู่ทั้งสีด้านก็ตีประดังกันเข้ามาอย่างดุเดันคุณพลทั้งสองหนีออกมาทางประตูค่ายก็ประจันหน้ากับคูเวียนโจ๊ไอ้จน หากอยากไม่ชีวิตอยู่ก็ลงมมามายอมแพ้เสียเสนาบดีเกาตกใจคิดแต่จะหนีไม่มีใจจะรบหูเวียยไล่ตามทันก็ใช้กระบองสองมือเข็นใสกระโหลกเกาก็หลุดหายไปกระบีหนึ่งราวครึ่งหัวขุนพลผังพยายามบุกฝ่าวงล้อมออกมาจนสุดฤทธิ์ขณะที่จวนจะหลุดออกมาได้ต่ขอไม้ก็ฉกออกมาเกี่ยวขาม้าจนล้มถังหลงที่ซุ่มอยู่ข้างทางก็คว้าจับเอาตัวถังได้เป็นๆบรรดาหัวหน้าฝ่ายส่ง ช่วยกันเข็นค่าทหารฝ่ายใต้ตามเส้นทางบนเขาจนหมดสิน้นพอรุ่งเช้าพวกเขาก็กลับเข้ามารวมตัวกันที่ค่ายลู่จุนยี่เข้าไปนั่งในกองประชาการมอบรางวัลให้ไพร่พลเรื่องนั้นเราจะไม่เล่าต่อเ <sympathy? S 2> มื่อตรวจนับไพร่พลก็พบว่าทัพฝ่ายส่งเสียติ่งเต๋อชุนเสือต้องเกาทันเนื่องจากถูกงูกัดที่เท้าตอนเข้าวงสุ่มพิษไหลเข้าท้องตายกองทัพท่งที่ประสบชัยชนะ ควักหัวใจขุนพลผังว่านซุนออกมาเส้นไหววิญญาณโอเปงซื่อจินและหัวหน้าคนอื่นๆและส่งหัวขุนพลผังไปยังผู้ว่าการจางวันรุ่งขึ้นไม่ทับลู่ก็พาทับบุกประชิดสอโจเระตูเมืองเปิดอ้าไม่มีธงทิวบนกำแพงบนเชิงเทินก็ว่างเปล่าไม่มีทหารเลยแม้แต่คนเดียวซานถิงกุ้ยกเวยติงโก กระหายจะได้ชื่อว่าเข้าเมืองได้ก่อนกบพากองหน้าบุกเข้าไป ท, ทั้งทั้งที่ทัพหลวงเพิ่งจะมาถึงลู่สุดจะห้ามปราบไว้ทันครานั้นเสนาบดีหวางได้รับรายงานว่าทัพที่ยกไปปล้นค่ายฝ่ายซ่งประสบความเสียหายอย่างหนักจึงแซงทิ้งเมืองแต่สั่งให้ขุดหลุมพรางขนาดใหญ่เอาไว้ที่ประตูเมืองด้านในเอาหน้าฝ่ายซ่งทั้งสองบุกเข้าไปทั้งมาทั้งคนก็ร่วงหล่นลงไปในหลุม พลหอกพลธนูของฝ่ายใต้ที่ซ่อนตัวอยู่ทั้งสองฝากก็ประเคนห่ากเกาทันลงไปโกว่าอนิจจาหนอคนผู้ไม่อมอมดวงวิญญาณต้องจรจากไกลทิ้งร่างเอาไว้ในหลุมดินแห่งนั้น ด้วยแขนที่ต้องเสียขุนศึกกระแสชนกับขุนพลอัคณีไปลูกก็สั่งกองหน้าของตัวให้ตีประดังกันเข้าไปแต่และคนถือก้อนหินก้อนดินติดตัวไปโยนใส่หลุมพรางก่อนจะกรูกันออกไปทําการเข่งฆ่าแต่ทว่าที่กลบหลุมขึ้นมาจนเต็มนั้นกลับเป็นซากศพของทหารฝ่ายใต้นั่นเองแม่ทัพลู่ที่ยืนม้าเป็นสง่าอยู่หน้าทัพก็ควบม้าไปกลางเมืองตรงเข้ารบกับเจ้าฟ้าฟางหฮแค่เพลงเดียวลูก ก็ระดมเพลงแขนที่อัดแน่นอยู่ในแผ่นอกจ้วงแทงพระเจ้าอาของพระเจ้าฝั่งล่าด้วยเงาวงเดือนตกหลังมา <c oughs> ้าให้พลฝ่ายใต้เปิดประตูเมืองทางตะวันตกและเพนนีโดยมีทัพซ่งไล่ตามไปติดๆบ้างก็ถูกฆ่าบ้างถูกจับได้เป็นจำนวนมากขณะเดียวกันเสนาบดีหวางหนีออกไปได้แต่ถูกลี่หยุนขวางเอาไว้หวางลู่หอกควบม้าเข้าใส่ <c oughs> ่างเสือตาโศกยืนอยู่บนพื้นดินคาสศึกของหวางพุกเข้าชนเหยียบขยี้อดีตในดาบประจำตาบลยี่สุยร่างแหลกเหลวอยู่ใต้กีบม้าฝ่ายซื่อหยงที่เดินเท้าอยู่เห็นเข้าก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่รับมือเพลงห อ, อกจากขุนพลแห่งเจียงหนานที่ฉกใส่ราวกับผีสิงไม่ไหวเพียงไม่กี่เพลงก็ถูกฆ่าเอาชีวิตไปอีกคนหนึ่งไม่ตายง่ายจาง ข้างฝ่ายซุน ล, ลี่หวงซินโจโหยวนและโจหุนกรูกันออกมาจากเมืองเข้ารบกับหวางเสีนาบุดีแห่งเสือโจรบกับคนทั้งสี่โดยไม่หวั่นกลัวและแล้วหลินชงก็เข้าร่วมวงต่อให้มีสามเสียนหกกรหวางก็รับมือหัวหน้าทั้งห้าไม่ไหวทั้งห้าก็รุมกันเข้าฝ่ายสับเอาจนตาย อนิจจาเสนาบดีแห่งเจียงหนานสิ้นสุดความฝ่ายฝันเธอเยื่อทธยนอยากลงไปตรงนั้นนั่นเองพวกเขาตัดหัวหวงังควบกลับมามอบให้แม่ทับลูกที่เข้าไปพักอยู่ในพระราชวังสองโจคือแปรและความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้รับการฟื้นฟูไพร่ฟ้าประชาราชได้รับหลักประกันอีกครั้งตอนนั้นไพร่พลฝ่ายซ่งเข้าเมืองไปจนหมดสิ้นแล้ว ลู่สมมะาเร็วไปรายงานข่าวชัยกับผู้ว่าการจ้างและทรงเจียงทรงเจียงที่รั้งทัพอยู่ที่มู่โจโ ย, ยินดียิ่งนักเพราะจะได้ร่วมกันรุกเข้าตีที่ซ่อนของข้าศึกเสีีแต่เมื่อรู้ว่าฝ่ายตัวต้องเอาชีวิตพี่น้องเข้าแลกอีกถึงสิบสามคนจิตใจก็แป้าลงไปถนัดแม่ทัพหน้าร่ำให้ดั่งว่าดวงใจจะแหลกสลายบูยงที่ปรึกษาทัพก็ได้แต่ปลอบประโลมเฮ้ย จะอยู่หรือตายพระท่านลิ์ขิดเอาไว้ก่อนแล้วจงอย่านำความเศร้าโศกมากระทำย่อมยีสุขภาพเลยนะขอรับท่านไม่ทัพยังต้องดูแลกิจการงานอันสำคัญของบ้านเมืองอยู่เฮ้ท่านอาจารย์กล่าวมาได้ถูกแล้วขอรับข้าน้อยทราบดีแต่ถ้าว่าข้าน้อยยังทำใจไม่ได้ก็รายชื่อทั้งหนึ่งร้อยแปดคนของเรามีจาร์เอาไว้บนแผ่นศิลาจารึกแห่งสวรรค์ผู้ใดจะไม่ทันนึกว่าเราต้องมาล้มหายตายจากกันไปเป็นเบื่อเยี่ยงนี้ นี่เปรียบดังเสียแขนเสียขาบูหยงอ้อนวอนให้ทรงเจียงระงับอกระงับใจก่อนจะเตือนว่าเร่งตอบน้ังสือแม่ทัพลูกกำหนดวันตีเข้ามาบรรจบกันที่ห้วยน้ําใสจะดีกว่านะขอรับขณะเดียวกันพระเจ้าฟางล่าที่ทรงประทับอยู่ณนะพระราชวังในหุบปางหยวนในตำบลห้วยน้ําใสก็ทรงเปิดประชุมบรรดาเสนาอมาตย์ทั้งบุนทั้งบูหารือเรื่องจะรับมือกับทรงเจียง คุณทหารจากทัพพี่แตกพ่ายเข้ามาถวายรายงานว่าแรงอนเมืองสอนโจโล่มแล้วพระเจ้าคอาพระปิตุลากับหวังและเกาสองเสนาบดีถูกฆ่ากองทัพส่งจะยกมาตีห้วยน้าใสเดินทัพ บ, บีบเข้ามาเป็นสองทางพระเจ้าคอาพระเจ้าฝ่างล่าทรงมีพระกระแสรับสั่งกับหมวดเสนาอำมาตด้วยความตกพระทยัยพวกท่าน ล้วนได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในตําแหน่งสูงสุดเสวยสุขในการปกครองไพ่ฟ้าอนณาประชาราษฎไปเสียทุกเมืองทุกขแขวงทุกตําบลกันมาก็ช้านานักแล้วตั้งแต่ทัพส่งเจียงบุกข้ามน้ําข้ามแผ่นดินเข้ามาบรรดาหัวเมืองของเราล้วนประสบความพ่ายแพ้เห็นก็แต่พระตําหนักในห้วยน้ําใสแห่งนี้มาบัดนี้พวกมันแบ่งกําลังมาเป็นสองสายเราจะขับไล่ไพรีให้หนีไปอย่างไรได้ฮะ สมุหานายกโลมินจงก้าวออกมากราบบุคคลทูลว่าขอเดชชะใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทปกคก้างปกครอมขณะนี้กองทัพส่งใกล้จะยกมาถึงพระราชวังที่นี่แล้วพระเจ้าค่ะจุดนี้เป็นทำเนียบที่ยากแก่การป้องกันไพ่พลของเราก็อ่อนแอขุนทหารก็เหลือน้อยไร้หรอมีแต่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทจะทรงนำทัพโดยพระองค์เองเท่านั้นพวกเขาจึงจะรบกันจนสุดฤทธ ด้วยกล่าวด้วยกระมมขอเดชะอก็เป็นจริงดังที่ท่านว่ามาพระเจ้าฝั่งราทรงเห็นชอบจึงทรงมีพระบรมราชองการความว่าให้ขุนนางทุกชั้นยศเตรียมพร้อมติดตามเราเข้าสู่การรบขันแตกฮักผู้ใดจะนำกองหน้าพระเจ้าข้าส ม, มุหานายกโกราบปรคมทูลถามโออก็ให้เป็นเจ้าฝ้าฝัาางเจีย พระนัดาของเราที so ่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการและแม่ทัพใหญ่เป็นผู้นำให้จอมพลตู้เวยแห่งเราม้าและเราราบเป็นประหลาดทัพนำไพรพลที่เป็นหน่วยทหารราชงรักหนึ่งหันและผู้พรชาการอีก30สบคนเป็นทัพหน้ากรยทางข้ามเทื่อกเขาจองสะพานไปเจ้าฟ้าฝั่งเจียพระนัดาในพระเจ้าฟางล่าความจริงทรงเป็นหลานปู่ของพระเจ้าฟางโหง ที่เสด็จสวรรคตที่สอโจโดยตรงอีกด้วยพระองค์จึงทรงกระหายใครจะทูลขอกองทัพยกออกไปรบแก้แค้นให้พระอัยการอยู่แล้วมาบัดนี้ก็ได้รับโปรดกล้าให้เป็นแม่ทัพหน้าสมประสงค์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพระองค์นี้ทรงเป็นบุคคลที่มีขัตติยะมานะใช้งาวงเดือนและทรงหานกล้าเป็นที่ยิ่งส่วนจอมพลตู้เหวน้นเล่า แต่ก่อนเคยเป็นช่างตีเหล็กในหุบเขาสอโจเป็นช่างแสงผู้สามารถเป็นผู้ที่พระเจ้าฝางล่าดทรงไว้วางพระทัยเป็นที่สุดในยามสู้รบเขาใช้มีดคว้างหกเล่มถนัดรบด้วยการเดินหน้านอกจากนี้ครับพระเจ้าฝางล่าดยังโปรดกล้าวให้ครูฝึกทหารราชองครักษ์ให้กงหลงนําทหารจากหน่วยราชองครักษ์อีกหนึ่งมื่นคนยกไปรับมือกับลูจุนยี่ที่สอโจขณะนั้นกองทัพส่งเจี้ยนทั้งทัพ บ, บกทัพเรือ ก็ยกจากส่อโจขึ้นมาที่ห้วยน้ายําใสแม่ทัพเรือลี่จุนคุมไพร่พลขึ้นมาทางน้ำปูหยงที่แล่นเรือมากับซ่งเจียนก็เอ่ยขึ้นว่าเอฟังล่ะมันต้องรู้ว่าเรากําลังจะยกทัพมาหากมันตัดสินใจหนีเข้าไปหลบในหุบเขากนยากที่เราจะตามจับมันไปรับโทษอย่างเมืองหลวงหากคิดจะจับมันให้ได้เราควรจะทําการจากทางนอกและนายต้องใช้คนชี้ตัว และจะต้องรู้ว่ามันจะหนีไปไหนจะได้ดักถามถูกการแางทำทีไปสวามิพักจะทำให้คนของเราเข้าไปในค่ายของฝ่ายมันได้และช่วยเรารู้ว่าจะต่อตีมันได้ยังไงท่านชายใช้จิ้นกับเยียนฉิงก็ไปเป็นไส้ศึกให้เรานานแล้วแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้ข่าวคราวแล้วตอนนี้เราควรจะใช้ผู้ใดทําทีไปยอมแพ้ดีขอรับ อ, อในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าน้อยนั้นคิดว่าลี่จุนเหมาะสมที่สุดขอรับให้เขาแล่นเรือสเสบียงขึ้นไปเป็นของกำนันตบตาฝ่ายมันด้วยการขอออกฟังล่ามันเป็นคนหูเบาจากหมู่บ้านในหุกเขาอยู่แล้วเพราะเห็นทัญยาหารมากมายขนาดนั้นคงไม่กล้าออกปากปฏิเสธแม่ช่างหลักแหลมนักท่านอาจารย์ที่ปรึก ษ, ษาส่งเกี้ยงเอ่ยพลางสั่งใต้จงให้รีบไปแจ้งแก่ลี่จุน แม่ทัพเรือจึงสั่งการลงไปยังหยุ่ที่ห้ากับหยุ่ที่เจ็ดให้ปลอมเป็นใต้กงให้พี่น้องถงทำทีเป็นกลาสีพาเรือขนข้าวหกสิบลำติดธงเขียนว่าของกำนันล่องน้ำขึ้นไปจากต้าซีพอเข้าใกล้ตำบลห้วยน้ำใสก็พบกองเรือทหารป่ายใต้ที่สาดหาเกาทันเข้ามาใส่ลี่จุนจึงตะโกนไปจับสะพานเรือว่าอหยุดกนข้ามีอะไรจะเปล่าพวกเราพากันมาอ่อนน้อม พวกเราขอมอบข้าวเหล่านี้เป็นของกำนันแก่ไพ่ผลของพวกท่านหวังว่าพวกท่านจะรับมันไวน้เห็นชัดอยู่แล้วว่าลี่จุนกับคนเหล่านั้นปราศจากอาวุธกองทัพฝ่ายใต้ก็หยุดยิงส่งคนมาตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วรายงานขึ้นไปยังสมุหะนายกโลโลจึงอนุญาตให้ลี่จุนขึ้นฝั่งอดีตใต้ของเรือในลำน้าแยงสีเกียงถูกควบคุมตัวไปคารวะสมุหะนายกโล เจ้าเป็นอะไรกับส่งเจียงโลซักมิยศฉันอะไรเหตุใดจึงเอาข้าวของมาสวามิภักดิ์เช่นนี้เออข้าไม่น้ำวะลี่จุนแต่เดิมเคยเป็นผู้กล้าบนแม่น้ำสุนยางข้าเป็นคนบุกลานประหารที่เจียงโจเข้าไปช่วยชีวิตส่งเจียงแต่พอได้รับพระราชทานอภัยโทษจากองค์พระจกักรพรรดิและได้เป็นแม่ทัพหน้ามันกลับลืมเลือนมิตรภาพของพี่น้องของเรามันทำให้ข้าได้อายมาหลายครั้งแล้วขอรับ แม้ตัวมันจะยึดหัวเมืองและอนักเขตในแผ่นดินของท่านได้มากมายแต่พี่น้องของเราจำนวนมากต้องพลีชีพมันเองก็ไม่รู้จะบุกจะถอยไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปดีแต่มาบังคับทัพเรือของข้าให้ออกหน้าข้ารับการดุอาต่อไปอีกไม่ไหวดังนั้นจึงนำสเสบียงมาขอขึ้นกับราชนาณจักรที่ยิ่งใหญ่ของท่านขอให้ท่านโปรดรับเอาไว้ด้วยเถิดสมุหานายกโลกคล้อยตามครับ จึงนาลี่จุนไปเฝ้าพระเจ้าฝางล่าในพระเจาฐานแล้วกราบทูลเรื่องดังกล่าวถวายลี่จุนมอบกราบและเล่าเรื่องเช่นเดิมพระเจ้าฝางล่าไม่มีเหตุผลใดให้ต้องแครงใจจึงโปรดกล้าให้ลี่จุนเป็นแม่ทัพเรือสูงสุดให้อยืนที่สองยู่ที่เจ็ถงเวยกับถุงเหม๋งเป็นขุนพลเรือกันทุกตัวตนและให้พักเรือในฐานทัพเรือห้วยน้ําใสหลังจากเราขับไล่ไอ้ทรงเตี้ยงสถาปนาการปกครองของเราขึ้นได้ใหม่ แล้วจะพิจารณาปูนมะเนตให้พวกท่านอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าฝางล่ามีพระกระแสรับสั่งรีจุนโค้งคำนับและกราบบคมธูลาสั่งการให้คนข้าวขึ้นยุ้งฉางเรื่องต่อไปเป็นยังไงเราจะไม่ขอเล่าให้ดาวเอาเองนะครับระหว่างนั้นส่งเจียงก็ส่งกวนเชงหัวหงชิงหมิงและจูถงให้เดินทัพไปยังเชิงที่ชายเขตตบนห้วยน้าใสที่นั่นก็ประจันหน้ากับกองทัพของพระเจ้าฝางเจียพระน ด, ดา ทับทั้งสองกระจายกําลังกันออกตามหลักพิชัยยุทธเจ้าฟ้าฝางเจี้ยยืนม้าอยู่ในทัพของตนเอาเงาพาดอานด้านหลังเป็นจอมพลตู้เวยยืนอยู่บนพื้นผู้เกราะเต็มอัตราศึกเสียบมีดกว้างเอาไว้ในซองบนแผ่นหลังจอมพลตู้ถือกระบี่วิเศษสตะดาราทั้งสองตรงขึ้นไปแถวหน้าชินเหมิงขี่ม้าออกมาจากแถวฝ่ายซ่องเจี้ยง กาดแกว่งกระบองฟันหมาปา่าควบเข้าใสเจ้าฟ้าฝ่งเจี้ยรบกันไปไม่มีใครพูดจาเจ้าฟ้าฝางเจีย้ยทรงหนุ่มแน่นกระปี้กระเป๋าเชี่ยวชานักหนาในการใช้ง้าวงเดือนทั้งสองมุ่งมั่นรบกันอย่างเต็มที่รบกันไปได้30เพลงไม่มีผู้ใดแพ้ชนะเมื่อเห็นเจ้าฟ้าฝางเจี๊ยไม่ได้เปรียบจอมพลตู้เวยก็ดึงมิดซัดหลบมาอยู่หลังมา้าทรงแล้วโคลออกไปคว่างข้าใส่ใบหน้าฉินหนิงโดยฉับพลันเจ้าอัศนีบาดสายฟ้าฟาดก้มหลบ เจ้าฟ้าฝั่งเจีย้ยสบโอกาสก็แทงใส่ด้วยเงานี่เอาไปกินออโอ้ว่าอเนจจาเอย๋ยผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งจังหวัดชิงโจก็มาด่วนม้้ยมอนไปเสียก่อนเวลาอันควรเจ้าฟ้าฝั่งเจีย้ยไม่กล้าบุกเข้าตีทับส่ง ในทหารชั้นประทวนรีบใช้ตะขอไม้ยื่นเข้าไปเกี่ยวเอาศพชิ้หมิงออกมาพอไป้ายแรงงานส่งเจียงใบหน้าไม่ทัาใหญ่ก็ซีดเผือดสั่งให้เอาศพใส่ลงเตรียมทําพิธีฝังแล้วส่งหน่วยหน้าขึ้นไปเสริมอีกด้วยพึ่งได้ชัยชนะเจ้าฟ้าฝั่งเจีย้ยส่งตะโกนขึ้นว่าฮ่าฮพวกมึงยังมีใครคนอื่นอีกก็ให้พวกมันออกมารบมาเจอกูนายไวไ สุกเจียงเรียบขี่ม้าออกมาแถวหน้ามองไปด้านหลังทับเจ้าฟ้าฝั่งเจี้ยท่ามกลางหมู่เสายอดน้ำเต้าทองก็เห็นขบวนข้าราชบริพารของพระเจ้าฝั่งล่ายาตราใกล้เข้ามาพร้อมขบวนขวานด้ามยาวชูสลอนมีขบวนงาวงเดือนแซมซ้อนเป็นหลายแถวไพร่ผลรอบด้านแห่แหนท่องทิวปักลายหงกับมังกรทงตะขาบทั้งเขียวทั้งแดงโกลนประดับยกอ่านม้าหนังสัตว์ตัดเย็บอย่างประณีตบรรจงผื้นทงประดับมุกร้อยได้ครามเหลือบเช่นขนนกกระเต็น บนชัดปักมังกรผ ง, งาดฟ้ากำลังแหวกว่าอยู่ในหมู่เมฆาสีฟ้าใสม่านหมอกสีม่วงสดส่วนเสือบินประดับผืนธงนั้นเล่าก็เหินไปในเมฆสวรรค์ควันสวัสดขุนาาานางฝ่ายบุญอยู่ฝั่งซ้ายขุนนางฝ่ายบู้อยู่ฝั่งขวาหมู่เสนาอามาตย์พรั่งพร้อมรายร้อมประดับยศองค์พระทรงรถผู้ปราบดาพิเศษจากฐา น, นันดรไพรไม่พลโจรไพรในป่าพงไพรแต่อาจเอื้อมไปในอธิปัตใต้ร่มฉัดเหลืองราชเก้าชั้นพระเจ้าฝั่งล่า ผู้ปราบดาพิเศษทรงประทับเอกเนกอยู่บนหลังเอกอาชาเครื่องอา่านสายบังเหียนที่บังคับมา้าล้วนประดับหยกทรงมงกุฎทองเปล่งปลั่งยอดแหลมชัยงอนพระภูษาปักลายก้ามังกรล่องลอยไปในหมู่เมฆาดวงสุริยันจันทราบนภาคฟ้าเข็มขัดหยกรัดบั้นพระองค์ประดับทองและอัญมณีมีค่าบาดยุคนสอดอยู่ในฉลองพระบาทปักด้วยทองพื้นเป็นลายเมฆ ทรงอาชาเพาะพันจนขนมันวาวขาวปลอดตลอดตัวใส่ออกมาที่หน้าทัพเพื่อพระองค์เองพอดพระเนตรออกไปเห็นสรงเจี่ยงยืนม้าอยู่ฝั่งตรงข้ามก็บัญชาให้เจ้าฟ้าฝั่งเจีย้ยให้ออกไปจับตัวข้างฝ่ายกองทัพทรงก็เตรียมสู้และกระหายใครจะจับเจ้าฟ้าฝั่งล่าเช่นกันพอเจ้าฟ้าฝั่งเจีย่ยขยับจะควบม้าออกไปฉับพลันก็มีม้าเร็วควบเข้ามารายงานว่าแรางออน กองทัพส่งภายใต้บัญชาการของลู่จุนยี่จับครูทหารโหกงงหลงที่จะยกขึ้นไปช่วยสอจโจตีทหารไฟเราแตกรกระจายตอนนี้พวกมันยกขึ้นมาถึงเขาด้านหลังทางฟ้ากระนนแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าฝั่งล่าทรงตกพระไทยรีบบัญชาการให้ยกกลับไปป้องกันพระราชวางังระหว่างพระเจ้าฝังล่าถอยทัพเจ้าฟ้าฝั่งเจี้ยสั่งจอมพลตู้ว่วยให้รักษาแนวเอาไว้แล้วทั้งสองก็ถอนกํลาลังตามเสด็จไปที่หลัง พอไปถึงห้วยน้ําใสพระเจ้าฟังล่าก็สดับเสียงร่ําให้คร่ําควรดังมาจากทางพระราชวางังทั้งคนทั้งม้าวิ่งกันให้สับสนเป็นรี่จุนกับพักพวกทั้งสี่ที่ลอบวางเพลิงขึ้นพระเจ้าฟางล่าพาทหารราชโองกษรบุกเข้าไปดับไฟทรงเจียงพาไพร่คนให้กวดตามไปทั้งรบทั้งฆ่าพอเห็นพระราชวังตกอยู่ในกองไฟก็รู้ได้ว่าเป็นผลงานของลี่จุนและคนอื่นๆทับทรงเจียงก็ยิ่งโหมลุกไล่ ก็ตอนนั้นเองทัพลู่จุนยี่ก็อ้อมเลื่อมเขาออกมาสองทัพประสานกันบุกเข้าห้วยน้ำใสพระตำหนักห้วยน้าใสตกอยู่ใต้เพลิงพยาบาทของกองทัพฝ่ายซ่งไพรพลฝ่ายใต้ถูกจับไปทั่วทุกขนทุกแห่งทัพซ่งรื้อทำลายแนวป้องกันลงจนหมดสิน้นพระเจ้าฝางล่าได้จ้าฟ้าฝังเจีย้ยนำพาเสด็จหนีต่อไปยังคูหาปางหยวน ส่งเจียงกับทัพหลวงก็เข้าไปในพระราชวังห้วยน้ำใสหรือพระราชวังล้างทําลายพระที่นั่งยึดเครื่องสูงเครื่องราชูปโภคและข้าวของมีค่าทุกอย่างเผาพระตําหนักล้นพระคลังและยุ่งฉางทั้งหมดทั้งสิน้นทับส่งเจียงกับลู่จุนยี่ก็เข้าไปตั้งมั่นในพระตําหนักห้วยน้าใสบรรดาหัวหน้าก็พากันอ้างเอาความดีความชอบ การตรวจนับพลก็พบความเสียหายเพิ่มเติมยู่เป่าซื่อพูดร้ายบนทางเปลวและนางไม่มดสุนผู้สูงใหญ่ถูกมีดสั์ของจอมพลตู้เวยเสียชีวิตโจโหยวนมังกรซ่อนไพรกับตู้เฉียนผู้สูงเทียมฟ้าถูกไม้เหยียบตายลี่ลี่เทียบเชิญวิญญาณทั้งหลงเสือดาวดวงทองและใช้ฟูแขนเหล็กบาดเจ็บสาหัสเยียวยาไม่ได้และหยวนที่ห้าบ้ามุดทะลุที่ถูกใชใ้เป็นสายถูกจับได้ตอนรอบวางเพลิง ก็ถูกสมุหานายกโลที่พระราชวังห้วยน้ําใสสั่งประหารขุนนางฝ่ายใต้เก้าสบสองคนถูกจับสมุหานายกโลกับจอมพลตู้เวยหายไปมีใบประกาศรับรองความปลอดภัยรัษฎรขุนนางฝ่ายใต้ทั้งหมดถูกส่งตัวไปให้ผู้ว่าการจ้างตัดหัวแล้วแขวนประจานมีชาวบ้านผู้หนึ่งเข้ามาแจ้งว่าถอนกองทัพของท่านบุกเขา้ามาในห้วยน้ายําใสสมุหานายกโลแขวนคอตายอยู่ในป่าศน เพราะคนเป็นคนสั่งค่าหยวนที่ห้าขอรับจอมพลตู้เวย่ยหนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านนักร้องสาวที่เลี้ยงเอาไว้เป็นเมียเก็บถูกแมงดาเอามาแฉส่งเจียงให้รางวัลฉายผู้นั้นและสั่งให้กุดหัวสมหะนายกโลใช่ชิงผู้น้องใช่ฟูพาเอาหัวใจตู้เวย่ยออกมาเส้นวิญ ญ, ญาณบรรดาหัวหน้าที่ล่วงลับไปในการรบครั้งนั้นโดยมีส่งเจียงเป็นประธานในพิธี วันรุ่งขึ้นทรงจี้งกับดู่จุนยี่ก็เคลื่อนพลตรงไปยังคูหาปางหยวนแล้วปิดล้อมทางเข้าเอาไว้พระเจ้าฝั่งล่าทรงเก็บพระองค์เงียบอยู่แต่ในคูหาโดยมีเจ้าฟ้าฝั่งเจื้อและกองทัพที่เหลืออารักขาอยู่โดยรอบแต่เมื่อทหารฝ่ายใต้ไม่ออกมาสู้รบกองทัพทรงก็บุกเข้าไปไม่ได้ถึงพระเจ้าฝั่งล่าจะทรงบัญชมอยู่บนดงหนากระดานตะปูพระองค์ก็ไม่รู้จะทําอะไรสภาพการดังกล่าวล่วงผ่านไปวันแล้ววันเล่า ขณะที่พระเจ้าฝางล่าทรงจมจอมอยู่ในความหดหู่ทันใดนั้นขุนานางผู้หนึ่งในชุดไหมปักมอบกราบอยู่บนพื้นข้างบัลลังก็กราบทูลขึ้นว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมถึงจะไม่ได้องค์อาจสามารถใดใดแต่ข้าพระองค์ยังไม่ได้ทำอะไรอันเป็นการทดแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเมตตาพระรมาให้ข้าพระอ ง, ง, งค์คุ้นเคยนักหนากับตำราพิชัยสงคราม และอุทิศทั้งชีวิตให้กับการฝึกอาวุธนานาชนิดหากใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทพระเจ้าทานกองทัพให้ข้าพระองค์จะผลักดันทัพส่งเจียงให้แตกกลับไปฟื้นฟูแผ่นดินของเราขึ้นมาใหม่ข้าพระองค์หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นที่ต้องพระประสงค์ของใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะพระเจ้าฝั่งล่าทรงพอพระชายรุษไทยเป็นยิ่งนักทรงระดมทหารในพระราชวังคูหาปังหยวน ส่งคนเหล่านั้นออกไปรบกับส่งเจียงบอกไม่ได้ว่าฝ่ายใดจะได้รับชัยชนะด้วยว่าทั้งคู่ดูน่าประทับใจพอๆกันก็เพราะพระเจ้าฝางล่าทรงทหารหน่วยนั้นออกไปหัวก็ร่วงหล่นลงใต้ตีนบัลลัง โลหิตอุ่นๆก็สาดรถลาดประตูห้องท้องพระโรงที่กรุกเอาไว้ด้วยหยุบรังของพระเจ้าฝาังล่าถูกกว่าจนเฮี้ยนเตียนโลงทรงเจียงได้จันโลงคุณงามความดีเกรียงไกลไปทั่วแผ่นฟ้าเกลือกล้าไปทั่วล่าธรณีและผู้ใดเข้ามาขันอาสาออกรบฟังบทหน้าหากว่าใครจะรู้ ช่วงเวลาแห่งวรรณกรรมจีนต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ชุดซองกลจากบทประพันธ์ของซื่อไหนอันแปลโดยอาจารย์จรัสชัยเชี่ยวยุทธวันนี้เสนอถึงตอนที่99มีชื่อตอนว่าหลวงจีนลู่ลักสังขานไปในเจอ้เจียงส่งเจียงสวมชุดขุนนานไปเยี่ยมบ้านส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกท่าน รับฟังได้นะบัดนี้ขุนนางผู้ขันอาสานำทัพจากคูหาออกรบไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพระสวามีเจ้าเครยินพระเจ้าฟังล่าทรงดีพระราชนทัยเป็นยิ่งนักไม่พวกเราช่างโชคดีซนี่กระไร พระเจ้าฝั่งหน้าทรงมีพระราชดำรัสให้พระสวามีเจ้าเต็มใจจะสัญญาเดชานุภาพออกไปกำราบไอ้พวกโจรถอยพวกเราทราบสึงใจเป็นยิ่งนักที่ท่านจะใช้ความฉลาดปราดเปรื่องกอบกู้กิจภูมิของแผ่นดินให้เฟื่องฟูขึ้นมาอีกคนพระสวามีเจ้าเคยินเตรียมไพล่พลโดยมีพระนายยุนเป็นประลัทัพ พระเจ้าฟางลาบพระรจ้าทานกรอบทองคำฉลองพระองค์ชุดใหม่และม้าสรงชั้นดีในพระองค์ให้พระสวามีเจ้าพระสวามีเคร่อหินพร้อมด้วยเจ้าฟ้าฝางเจีย้ยกับขุนพลอีกกว่า20สิคนและทหารราชโองรครักษ์อีกหนึ่งหมื่นก็ยกออกไปจากคูหาปางหยวนแปรขบวนพร้อมรบมีผู้เข้าไปราย ง, งานข่าวดังกล่าวกับซ่งเจียงและลู่จุนยี่ ที่รีบยกกำลังออกไปตั้งรับทั้งสองเห็นพระสวามีเจ้าควบม้าขึ้นมาแถวหน้าไม่มีผู้ใดจำได้ว่าเป็นท่านชายใชย้จินทรงียงสั่งหัวหลงให้ออกประมือหัวหลงลู่หอกควบม้าขึ้นหน้าตะโกนด่าฝ่ายตรงข้ามอย่างเย้ยหยันเฮ้ย hey, ไอ้ถอยอยางบึงเป็นผู้ใดใครกันวะใหญจึงคิดมาต่อต้านกองทัพพระจกักรพรรดิเฮ้ยชิมรสมือกูก่อนก็จะรู้เองกูจะสับมืงให้ละเอียด รอชาหาอะไรวะรีบลงมาไม่ยอมจำนอนฉันจะโดยไหวเอาไว้วชีวิตให้ฮึฮ่าโอ้คือข้าหยินจากสานตงใต้ตล่าต่างรู้จักชื่อเสียงกูไม่สิ่งไอ้โจรบ้านนอกจากมึงเหลียงสารอย่างมึงหาได้อยู่ในสายตา ก, กูาไม่พวกเราเหนือกว่าพวกมึงยิ่งนัก ข <c oughs> right? no ูจะกวาดล้างพวกมึงยึ้นหัวมึงต่างๆกลับคืนมาให้ได้ซ่งกับลูกอยู่บนหลังม้าฟังอยู่ก็จาได้พากันนึกขึ้นว่านี่มันสีทัางชายใช่นี่นาแต่ก่อนเขาไม่เคยพูดเลยว่าจะมาทรยศเรากระทั่งชื่อก็เปลี่ยนเป็นเครื่อยิงนก็ยังแปลได้ความว่าใช่จรินแต่วูหยงพูดขึ้นว่า กอนจะขึ้นเขามาเป็นขบวนท่านชายใช้เคยให้ที่หลบภัยแก่ผู้ที่ทางการหมายตัวให้ข้าวให้น้ําให้น้ําให้ท่าให้ปลอมเป็นพ่อค้าท่านจะลืมเรือนมิตรเก่าๆได้ไหนหรือขอดูผลการประหอ ก, กับหัวหลงก็จะรู้ได้ลูต่ตอบ ห, หัวหลงกระตุ้นม้ากบุกเข้าใส่สองม้าประทะสองอาวุธกระทบสองขุนพลก็รบกันเป็นพลวันไม่ช้าก็สู้กันไปจนถึงห้วยสายหนึ่ง ตอนนั้นทั้งสองก็เข้าพันตูกันในระยะกระชิดแล้วน้องพี่ท่านจงแ้่ ท, ทําทีเป็นแพใช้จิ้งแอบแค่นเสียงให้ต่ำข้าน้อยจะอธิบายในภายหลังเมื่อหรงได้ยินหลังจากรบกันไปได้อีกสามเพลงก็หมุนม้าหนีออกมาไ อ, อ้ ก, กีบพะกูจะไม่ไล่ตีหรอกค้าหินตะโกนไม่ใครพูดใดอีกคิดว่าตัวเองแน่ก็ออกมาสู้กัน หัวหรงชักมากลับมาถึงแนวก็รายงานส่งเจียงกับลูกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นให้กวนเชงออกไปล้ออีกสักยกผู้หยงแนะกวนเชงก็กวาดแกว่งมังกรคลามที่ตีเป็นเงาเหล็กคมกล้าควบมาขึ้นไปข้างหน้าเฮ้ยไอคุณนางฉันต่ำจากสารตุงคุณพนเขาใหญ่ตวาดกูขอให้ออกมาปรับมือกันทั้งสองรบกันอย่างอาถรรพ์ พอได้ห้าเพลงกวนเชิงก็แซงทำทีเป็นแพหนีกลับเข้าแถวฝ่ายตัวเคอหญินก็ไม่ไล่แต่กลับใส่ม้าออกมาข้างหน้าตะโกนท้าขึ้นอีกว่าเฮ้ยพวกมึงมีคนคนที่กล้าแข็งกว่านี้มาตีกับกูอีกหรือไม่ปาดควบสุ่งเจียงซัมจูถงควบม้าออกไปสู้เป็นรายต่อไปทั้งสองฝ่ายรุกไล่กันไปมาหลอกลออ่อสายตาทั้งสองทัพ หลังจากหกเจ็ดยกจู๋ถงก็หนีอีกแต่คราวนี้ใช้กินไล่ตามถลันแทงไปแท่งหนึ่ง<ป>จู๋ถงกระโดดมา้าวิ่งหนีไปบนพื้นดินปล่อยให้ทหารฝ่ายใต้ยึดม้าเอาไว้พระสวามีโบกอาวุธไปข้างหน้าโยนทัพของฝ่ายตัวเข้าตะลุมบอลส่งเจียนพาทัพถอยหนีไปสิบกว่าลี้ก่อนที่จะลง่า่ฝ่ายเคื่อหญินก็ไล่ตามไปโรรานั้นแล้วเลิกทัพกลับคูหาบ้าง พระเจ้าฟางล่าทรงรับฟังการถวายไรงานพระสวามีผู้วีระอาตหานปราบขุนพลข้าศึกสามคนและรุกไล่ทัพของส่งเจียงถอยไปถึงสิ่งนี้พระเจ้าค้อเมื่อทรงปราบปลื่มในพระราชฤิรไทยเป็นล้นพ้นพระเจ้าฟางล่าก็ทรงพระราชทานแต่งโตเลี้ยงหลังจากพระสวามีถอดชุดเกราะแล้วก็ได้รับพระราชทานวโรกาสให้เข้าเฝ้าในเขตพระราชฐานชั้นในและขึ้นไปนั่งอยู่บนยกพื้นเกียรติยศ พระเจ้าฝางล่างทรงยกจอกทองขึ้นดื่มอวยพรด้วยพระองค์เองฮัะแรกทราบแต่เพียงว่าท่านพระสวามีเป็นบัณฑิตไม่เคยคิดเลยว่าจะเชี่ยวชาญด้วยวรยุทธ์ถึงเพียงนี้ปาดทุกหากได้ระแคะระคายเช่นแต่แรกเราก็คงไม่ต้องสูญเสียดินแดนไปมากมายจงเปล่งพลานุภาพด้านนี้ให้ถึงที่สุดหวาดล้างไอ้พวกโจรป่าให้สิน้นกู้แผ่นดินเราคืนมาให้หมดเถิดเราสอง จะได้ร่วมกันแบ่งปันความเรืองรองของสันติภาพมั่งคั่งลาบสการะแห่งมหาอาณาจักรที่หวนคืนมาไม่ได้การเว้ยขอเดชะพระบารมีปกกล้าปกกระหม่อมโปรดทรงวางพระไทัยได้เลยพระเจ้าข้าพระสวามีกราบขคมทูลข้าพระองค์จะทำให้ถึงที่สุดในวันพรุ่งนี้ขอเชิญฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรอยู่บนเนินเขา ขา พ, พระองค์จะกว่ดล้างไอ้ส่งเจียงกับคนของมันให้สิ้นซากไปเลยพระเจ้าข้าพระเจ้าฝางล่าทรงเห็นชอบทรงสมนัสยินดีปรีดาเป็นที่ยิ่งคืนนั้นทุกคนดื่มกินไปจนดึกจึงได้แยกย้ายกันไปนอนรุ่งเช้าพระเจ้าฝางล่างดออกว่าราชการแต่ทรงมีพระราชบัญชาให้ลง ม, มาฆ่าวัวขุนเลี้ยงดูไพร่พลจนอิ่มหนำสำราญ หมดผู้เกราะขึ้นมา้ายกออกจากคูหาด้วยใบหน้ายิ้มย่องผ่องใสท่ามกลางเสียงคล้องกลองธงชัยโบกสะบัดสะพรึบสะพรับครั่งพร้อมไปด้วยไพร่ฟ้าข้าบริพานหมูเ่เสนาขุนทหารแวดล้อมพระเจ้าฝางล่าสงเสด็จขึ้นไปบนยอดเขาเหนือคูหาเพื่อชมพระสวามีเจ้ารบตอนนั้นทรงเจียงทรงผ่านคําสั่งลงไปยังหัวหน้าทั้งปวงจนทั่วทั้งกองทัพการรบในวันเนี้ มาถึงที่แตกหักแล้วจงจับไอ้ฟางล่าให้ได้แต่อย่าพิ่งฆ่ามันพอเห็นท่านชายใช้จินในหมู่ทัพฝ่ายใต้ชักม้าหนีจงตามตีรุกไล่เข้าไปในคูหาจับไอ้ฟางล่ามาให้ได้บรรดาไพร่พลฝ่ายเหนือกระชับอาวุธเอามือถูกันอย่างมั่นใจทุกคนล้วนกระหายจะเข้าไปปล้นสะดมสมบัติพัทสถานที่เก็บอยู่ในพระราชวังคูหาปางหยวนสร้างชื่อเสียงและเอาบําเหน็จรางวัลในการจับตัวฟางล่า จึงพากันเข้าประจําแนวรบหน้าครูหาปาังหยวนด้วยความคึกคักข้างฝ่ายเคอหญินแม่ทัพฝ่ายใต้ยืนม้าอยู่ใต้ร่มธงในระยะวิ่งม้าออกรบแต่พระเจ้าฝางเจียรราชนดาพลาดหอกขวางอ่านม้าออกมาสกัดเอาไว้ก่อนอร้อให้ข้าน้อยลิบไอพวกขุพนพลฝ่ายนั้นไปสักหนยก่อน ราชนิกูลเอ่ยแล้วท่านอาคอยขับให้ผลของเราออกตามไอกองทัพซ่งพอเห็นเหยียนชิงยืนม้าอยู่หลังชายจิ้งก็ยินดีแผนฝ่ายเราถ้าจะสำฤทิ์ผลแฮรำพึงดังนั้นแล้วก็รวบรวมสมาธิพร้อมลงมือลงไม้ไปจ้าเจ้าฟ้าปางเจีย้ยขับม้าออกมาร้องท้าทายวนเชงก็ควงเงาควบม้าออกมาจากแถวซ่ง ทั้งสองรบกันได้สิบเพลงหัวโลงก็ควบม้าออกมาร่วมวงถึงจะสองหนึ่งแต่เจา้าฟ้าฝั่งเจี๋ยก็หาด้พท่านพึงใดๆ ไ, ไม่ตอนแรกที่รบกันทั้งสองเคนหนึ่งยังไงยังไงก็ไม่ลงแต่แล้วต่อมาหนึ่งก็ค่อยๆตกเป็นฝ่ายรับ ทันใดนั้นหลี่หยิงกับจูถงก็ขับม้าออกมารุมปินโต๊ะสี่หนึ่งนั้นมันให้เหลือทนสิ้นดีเจา้าฟ้าฝางเจี๊ยชักม้าเรียนจะกระหนี่คือ่อยิ้นทลันม้าออกจากร่มธ ง, งขว้างเอาไว้พระสวามีโบกมือให้สัญญาณหัวหน้าทั้งสี่ก็ประชิดเข้ามาฝ่ายตัวเค่อยิ้นก็ดู่หอเข้าใส่เจา้าฟ้าฝางเจีย้ยทรงกระโดดลงจากหลังม้าวิ่งหนีแต่ถูกใช้จิ้นเสียบเอาด้วยห อ, อกทีหนึ่งหนี่เฮ้ยเกือบไปแล้วกู เฉียงชิงโคลออกมาจากด้านหลังก็ใช้กระบี่จบชีวิตเจ้าฟ้าฝั่งเจีย่ยลุเสียงเรสร็จกูแล้วมึงนี่ <c oughs> คใครฝุ่นฝ่ายใต้ตกตะลึงแล้วหันหลังกลับพากันแตกหนีพระสวามีเจ้าก็ขึ้นเสียงตะวาดออกไปเป็นการสั่ทับว่าวุ้ย <c oughs> ข้าไม่ใช่ข้หยินหากแต่เป็นใช้จริงัวหน้าคนหนึ่งในทัพทรงเตียง ส่วนมหาดเล็กหลวงที่อยู่กับข้าที่นี่ที่แท้ก็คือเย็ยนฉิงอจฉริยะเทพพวกเรารู้สิ้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนอกทั้งในคูหาผู้ใดก็ตามที่จับฟังล่าได้เป็นเป็นจะได้เป็นขุนนางไม่เกียติได้มาขี่ชั้นดีพวกเจ้ายอมแพ้ซะดีๆจะได้ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อหากขัดขืนจะถูกข่าลางโทษใช้จิ้นเย็ยนฉิงกับหุวหน้าทั้งสี่ก็พาไพร่พลจํานวนมากบุกเข้าไปในคูหา เจา้าฟ้าฝางลาทอดพระเนตรลงมาจากยอดเขาทรงกระทืบโดนติณอานทองควดม้าหนีลึกเข้าไปในเทือกเขาพอกองพับทั้งห้าสายของทรงเจียนเข้าไปในภูหขาแล้วจึงรู้ว่าพระเจ้าฟางลาเสด็จหนีไปได้ก็หันไปกวาดต้อนข้าราชบริพารหลังจากบุกเข้าไปขนทองหยองเพชรนินจินดาออกจากพระคลังได้สองเที่ยวเยียนฉิงพร้อมกับพักพวกที่ไว้วางใจก็ช่วยกันวางเพลิงพระตำหนักในพอใช้จิ้นเข้าไปในตำหนักของตน ก็พบว่าเจ้าฟ้าหญิงจินซื่อพระราชธิดาชายาของตนผูกพระสอสิ้นพระชนไปแล้วจึงเผาพระตำหนักลงพระศพไปในกองเพิงและปล่อยให้บรรดานางสนมกำนันหนีไปส่วนในพระที่นั่งใหญ่หัวหน้าฝ่ายส่งสังหารคนที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นนางสนมกำนันองค์ครักษ์ในพระองค์และวงสารนวงทั้งหลายทั้งสิ้นแล้วปล้นพระคังข้างที่ทรงเจียงสั่งให้ควานหาพระเจ้าฝังล่าไปทั่วทั้งวังหลวง ยวนที่เจ็บุกเข้าไปปล้นห้องส่วนพระองค์ที่ใช้เก็บพระมหามงกุฎเครื่องทรงรัดองค์ยกเขียวคทายกเนื้อขาวฉลองพระบาทลำลองด้วยตั้งใจไม่ให้ลองสวมใส่เครื่องทรงที่งดงามไม่อยู่จึงวาดเสเต็มยศขึ้นมาหยอดย่างไปทางหน้าวังแต่แรกบรรดาไพ่พลก็คิดว่าชะอยจะเป็นพระเจ้าฝั่งล่าจริงก็พากันกรูเข้าล้อมพอเห็นหน้าเป็นยวนที่7็ก็พากันหัวรอดยวนกระหิ่งยิ้มย่องที่ได้เล่นมุกขำ จึงวิ่งม้าวนไปรอบรอบวังดูแลสั่งงานการปล้นสะดมอย่างเต็มที่ขุนพลหวังปิงกับขุนพลเจ้าถันที่มาจากเมืองหลวงตะวันออกพร้อมทัพองคมนตรีถงกวนและได้เข้าร่วมโจมตีครูหาปางอยู่ในวันนั้นด้วยได้ยินเสียงอื้ออึงในหมู่ทัพส่งบางคนก็ว่าจับฟางลาได้แล้วจึงตะลีตลานเข้าร่วมหวังจะผสมโรงหาความดีความชอบขาเห็นแต่หยวนที่เจ็แต่งองค์ทรงเครื่องสวมใส่ชดา หัวเราะร่วนไปมาอย่างสำราญบานใจยิ้มตายวุ้นก็พากันตะวาดดาออกไปว่าเฮ้ยไอ้คนพูดนี้กล้าดีนักหนามาแต่งองค์เป็นฟางล่ะทำท่าองค์อาใหญ่โตถึงขนาดไอ้ยวนได้ยินก็ชี้หน้าด่ากลับด้วยโกรธเฮ้ยคนอย่าพวกเมืองนี่คิดว่าตัวเป็นใครวะหากไม่เพราะพี่ใหญ่ส่งเจี้ยง วัวลายอย่างพวกมึงคงจะถูกทอดทิ้งไปนานแล้วที่พวกมึงมาทําอยู่ที่นี่ก็ดีแต่คอยสารเนรแส่สอดช่วงชิงความดีความชอบของพวกเราพี่น้องรวมทั้งของกูที่ควรจะได้มึงควรกลับไปกราบถวายแรงยงานองค์พระจักรพรรดิดีกว่าว่างานนี้ไม่ต้องมีขุนพลใหญ่อย่างมึงทั้งสองช่วยก็ได้ปาทุกวิ๋วังกับเจ้าโกรธจัดเตรียมจะรบ หยวนควาดทวนมาได้ก็ตรนเข้าใส่คนทั้งสองโู <S <S เวียนโจที่รู้เห็นการทะเลาะเบาแวงมาตั้งแต่ต้นก็วกมาเข้ามาแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันในทาหารคูหนึ่งไปรายงานส่งเจียงแม่ทับหน้ารีบรุดมาอย่างที่เกิดเหตุร่วมกับปู่ยงตวาดให้หยวนลงมา้าแล้วถอดเครื่องทรงของพระเจ้าฝัางล่าออก ส่งเจียงรีบขอโทษขอโพยคุณพลทั้งสองแม้ไม่มีทางอื่นเลือกนอกจากจำต้องรับคำขอสมาจากส่งเจียงและหัวหน้าคนอื่นแต่ภายในของหวังกับเจ้านั้นไม่อาจจะระงรับความแค้นลงได้ในวันนั้นซากศพกองไก่เป็นภูเขาเหล่ากา โลหิตไหลนองดั่งร่องห้วยตามที่ปรากฏต่อมาในพระราชพงศาวดารแห่งราชนาจักรส่งบันทึกอเอาไว้ว่าเฉพาะในครั้งนั้นทหารฝ่ายเจียงหนานถูกฆ่าตายไปกว่าสองหมื่นคนสุ่งเจียงสั่งให้เผาพระราชวังบรรดาพระที่นั่งพระตำหนักในสุมงช่องห้องหอล้วนวินาศสันตโลลงไปในกองเท่าฐานกองทัพส่งลงระเนียดปักค่ายอยู่ปากทางเข้าคูหาปางหยวน จากการตรวจนับจำนวนเฉลยศึกก็พบว่าพระเจ้าฝางล่าทรงหนีไปได้ทรงเจียงสั่งให้ตรวจค้นเข้าไปในทุกหุบเขาติดใบบอกแจ้งเตือนชาวบ้านชาวช่องว่าหากมีผู้ใดจับฝางล่าได้จะได้รับการทูลเกล้าถวายยศขุนนางจากองค์พระจกักรพรรดิผู้ใดให้เบาะแสะก็จะได้รับรางวัล ขณะเดียวกันพระเจ้าฝางล่าสเสด็จพลานไปในหุบเขาแล่นตเตลิดดังหมายยามเจ้าหนายเพิ่งตายสเสดิจ ด, ดังปลาติดสวิงสลัดทิ้งเครื่องต้นแห่งอง์ราชาไม่ว่าจะเป็นมหามงกุฎใบไม้ไหวพระภู้สาหลืองทองและฉลองพระบาทในวังสเสด็จฝ่าพงหญ้าสูงไปได้วยรองเท้าฝางเพียงคืนเดียวก็ข้ามไปได้ห้าสันเขาในที่สุดก็สเสด็จมาถึงช่องเขาที่เป็นอุโมงค์แห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ข้างๆวัดบ้านป่าอซอมซ้พระเจ้าฝางล่าทรงหิวกระหายเป็นกําลัง จึงเสด็จดำเนินตรงไปขออาหารทันใดนั้นหลวงจีนร่างอ้วนสูงใหญ่ก็ทลันออกมาจากหลังต้นสนเอาไม้เท้าพระธรรมหัวให้แล้วจับมัดเอาไว้นักบวชผู้นั้นหาใช่ใครอื่นนอกจากหลวงจีนลู่หลังลายผู้รู้แจง้งจึงพาพระเจ้าฝ่างล่าเข้าไปในอารามให้กินข้าวปลาอาหารหน่อยหนึ่งแล้วคุมตัวลงมาจากเขาทั้งสองพบกองตระเวนที่ส่งขึ้นไปควานหาพระเจ้าฝ่างล่าก็พากันกลับลงมามอบตัวอดีตกษัตริย์ผู้นั้นให้ส่งเจียม พอเห็นว่าเป็นใครส่งเจียงก็ดีอกดีใจยกใหญ่ไต่ถามหลวงจีนลู่ขึ้นว่าเอ้าหลวงพี่ขอรับไปเจอมันได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยก็หลังจากคราวที่รบกันที่ป่าละมะอมื่นสนบนสันมังกรดำอาตมาไล่ตามขุนพลซสี่โหเซิงเขาไปในหุบเขาลึกแล้วข้ามันลงที่ตรงนั้นแต่อาตม า, า ย, ยังไล่ตามไพร่พลโจดฝ่ายใต้ลึกก็ไปอีกจึงเกิดหลงทางและไปพบหลวงจีนท่าบนเขาเขียวแห่งหนึ่ง ท่านพาอาตมาไปที่วัดป่าแล้วบอกว่าเรามีฟื้นไฟข้าวปลาอาหารและผักป่ามากมายจงรอท่าอยู่ที่นี่แหละหากเห็นคนตัวใหญ่ๆโผล่มาทางนี้ก็ให้จับเอาไว้ตอนนั้นด้วยไม่รู้ว่าเส้นทางในแถบนั้นอาตมาเห็นแสงไฟจุดขึ้นที่เตียงเขาก็เฝ้ามองอยู่เช่นนั้นไปตลอดทั้งคืนพอล่วงมาอีกวันหนึ่งอาตมาก็เห็นไอ้หมอนี่ปีนเขาขึ้นมาจึงเอาไม้เท้าหัวดให้แล้วจับมานี่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นไอ้ฟางล่ะ เออแล้วหลวงจินชรารูกนั้นไปอยู่เสียที่ไหนแล้วขอรับอาตมาเองก็ไม่ทราบชรอยพระท่านคงจะเป็นเซียนปรากฏร่างขึ้นมาอย่างแน่แท้อ้าข้าน้อยได้กลับไปถึงเมืองหลวงก็จะกราบทูลถึงความดีความชอบของหลวงพี่หลวงพี่จะได้หวนคืนไปสู่ทํานองคาราวาสได้เป็นอมาตษขุนน้ขุนนางอย่างเก่าพันยาและบุตรหลานในอนาคตก็จะได้มีเกียรติยศชื่อเสียง บรรพชนก็จะได้รับการยกย่องเชิดชูตัวพระขุนเจ้าเองก็จะได้ทดแทนพระคุนบิดามารดาที่เลี้ยงดูท่านมาจนได้ดีเฮ้ยอัตมาสิ่งความยินดีในโลกีเยวิสัยไปจนหมดแล้วไม่ปราถนาจะกลับไปเป็นขุนนางแค่หาที่สงบสงบพิงกายเอาไว้จนกว่าจะสลายไปอย่างสงบสุข ก, ก็เพียงพอแล้วเออถ้าเช่นนั้นพวกเราก็จะให้หลวงพี่ ได้เป็นเจ้าอาวาสอารามใหญ่ๆที่มีเกียรติที่ไหนสักแห่งบิดามารดาจะได้ภาคภูมิใจหลวงจีนลูสายหน้าอีกอตมาไม่ปรารถนาดอกข้าวของประดานั้นมันไม่เป็นประโยชน์อะไรแค่เนื้อหนังห่อหุ้มกระดูกเอาไว้อย่างนี้ก็ดีถมไปแล้วส่งเจียงก็หมดสิ้นคําดีๆจะพูดทั้งตัวทั้งหลวงจีนลูไม่มีผู้ใดรู้สึกเป็นสุขพอระดมทับขึ้น ฟางลากก็ถูกขังกรงเอาไว้บนเกวียนเตรียมจะลากไปถวายพระจกกักรพรรดิในเมืองหลวงตะวันออกทรงเจียงก็ออกคําสั่งให้ญาติตราทัพจากคู่หาปังหยวนในตะบลห้วยน้ําใสบ่ายหน้ากลับลงไปสู่นครมู่โจวผู้ว่าการจ้างรองผู้บัญชาการทหารมณฑลหลิวองค์คมนตรีถงศรีนาธิการกรงกับเกงลงค่ายรอท่าอยู่ก่อนแล้วทั้งหมดได้รับทราบข่าวชัยชนะครั้งใหญ่ของทรงเจียง และฟางล่าถูกจับคุมตัวลงมาที่มู่โจโจึงพากันออกมาต้อนรับส่งเจียงกับบรรดาหัวหน้าทั้งหลายทั้งสิ้นก็พากันโค้งคาราวะท่านแม่ทัพพวกเราได้ทราบข่าวว่าการไปรบครั้งนี้ยากลำบากนักสูญเสียพี่น้องไปมากมายผู้ ว, ว่าการจ้างเอ่ยแต่เมื่อท่านแม่ทัพประสบชัยชนะเหน็ดขาดพวกเราก็เป็นสุขใจยิ่งนักส่งเจียงโค้งคำนับอีก ตอบกลับไปทั้งน้ำตาว่าตอนขึ้นไปตีเหลียวตาตาพวกเรามีอยู่ด้กันทั้งสิ้นหนึ่งร้อยกับอีกแปดคนกลับมาโดยไม่มีใครเป็นอันตรายใดๆมีแต่กองสุนเชิงที่มาฉากเราไปพี่น้องอีกหลายคนถูกดึงตัวเอาไว้เมืองหลวงและพอข้ามแยงสีเกียงมาตีหยางโจพวกเราก็ตายไปถึงเจ็ดในสิน ถึงแม้ว่าข้าน้อยจะรอดมาได้แต่จะให้ข้าน้อยกลับสานตงไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านและญาติมิตรอย่างไรได้ <c oughs> เออท่านแม่ทัพจะได้กล่าวเช่นนั้นเลยขอรับตัว่าท่านเองก็รู้คำโบราณเป็นอย่างดีแล้วไม่ใช่หรือว่าชีวิตจะยากดีมีจนสูงต่ำดำขาวยาวสั้นหลวถูกลิ่ิขดเอาไว้แล้วบรรดาพวกดียังโชคดีมีชีวิตอยู่ก็ต้องทาบุญทำทานอุทิศเพื่อคนที่โชคร้ายตายไป อวท่านไม่มีเหตุผลประการใดจะต้องไปละอายในความสูญเสียพระนท่านประสมความสําเร็จชื่อเสียงหรือเรื่องกระเดื่องไกลพระจักรพรรดิจะต้องปูนบําเหน็จพระราชทานชั้นยศชื่อเสียงของท่านจะได้ปรากฏเป็นอนเนกอ น, นันต์อย่าเมื่อท่านสวมชุดพระเจ้ทานกลับไปเยี่ยมบ้านผู้คนที่พบเห็นทั้งปวงก็รังแต่จะคิดอิจฉาอย่าได้ลาเค็ญใจอยู่แต่เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว ใส่ใจแต่การเดินทัพกลับไปทูลถวายรายงานแด่องค์พระอดิเทพเถิดทรงเจียงคารวะด้วยความทราบซึ้งในพระคุณพลางทรงคําสั่งไปยังบรรดาหัวหน้าต่างนั้นผู้ว่าการจ้างสั่งการลงไปให้นําเฉลยทั้งหมดไปประหารที่ตลาดเมืองมูโจเสียทั้งสิน้นกันเอาไว้เฉพาะฝางล่าทรงตัวขึ้นไปยังเมืองหลวงตะวันออกบรรดาผู้คนตามหัวเมืองฝ่ายใต้ต่างๆที่ยังไม่ถูกยึดพอทราบข่าวว่าฟางหน้าถูกจับได้แล้วก็พากันเพ่นหนี บางก็ตรงมาขอสวามิภักดิ์ที่มู่โจพวกที่มาอ่อนน้อมถูกกันเอาไว้เป็นพ ล, ลเมืองดีมีการปิดประกาศให้คำรับรองกับไพร่ฟ้าค้าพื้นดินทั้งหลายทั้งสิ้นสำหรับสมัครพรรคพวกที่ติดสอยห้อยตามพวกขบถฝ่ายใต้ หากไม่คิดไปทำร้ายผู้ใดและสมัครใจมาขอออกก็จะได้รับอนุญาตให้กลับไปถือความทรัพย์สินในถิมฐานบ้านช่องทำไร่ไถนาตามเดิมพอการในหัวเมืองตำบลและจังหวัดต่างๆกลับสู่ความสงบเรียบร้อยก็มีการแต่งตั้งขุนนางและวางป้อมทหารของฝ่ายส่งขึ้นรักษาการดูแลความปลอดภัยของปวงอนณาประชารัฐคนทั้งหลายก็กลับไปประกอบสัมมาอาชีพตามปกติ ว่าการจากจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองสันติสุขขึ้นที่มู่โจอย่างยิ่งใหญ่ขอบคุณและแจกจ่ายบำเหน็จรางวัลให้พวกขุนนางทั้งหมุนทั้งบุกและสั่งส่งเจี้ยกับลู่จุนยี่ให้พากองทัพปราบศึกกลับไปยังราชธานีกรมกองต่างๆรวบรวมอาวุธยุทโ ธ, ธปกรณ์พร้อมเคลื่อนทัพไม่ว่าจะไปที่ใดเมื่อหวนรำลึกถึงพี่น้องที่จากไปส่งเจียกก็น้าตาไหล แล้วก็ทราบข่าวว่าจู้ฟูกับมู่ซุนไปเยี่ยมไข้หัวหน้าหกคนที่ล้มป่วยด้วยโรคระบาดที่หางโจทั้งสองป่วยตามไปด้วยมีเพียงหยางหลินกับมู่ซุนเท่านั้นที่รอดตายกลับมาร่วมเดินทับต่อไปได้โอ้อนิจจาเอย๋ยหลังลำบากตรากตรำกันมานานพอสันที่สุขหวนคืนมาสู่คนทุกผู้ได้กลับมาอยู่ร่วมกันแต่กระลายเลยพี่น้องทั้งหในที่สุดก็พากันแพ้สังขารรอนรานลงมาในหางโจใชแล้ว ณที่สงัดแห่งหนึ่งในอารามมู่โจงทรงเจียงสั่งให้แขวนป้ายผ้าขนาดยาวนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์สามรหกสิบทเส้นไหว้ขอให้ดวงวิญญาณของผู้ไหวชนได้ขึ้นจากนรกหลุมที่เก้าสู่สวงสวรรค์วันรุ่งขึ้นก็สั่งให้ล้มม้าข้าวัวตอนพาหูหยงและหัวหน้าคนอื่นๆไปร่วมพิธีเส้นไหว้ที่วัดมังกรดำพวกเขาพากันเผากระดาษเงินกระดาษทองรำลึกถึงพระเด็จพระคุณเจ้าพ่อมังกรดำ ที่คอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองมาโดยตลอดพอกลับมาถึงค่ายทรงเจียงก็รวบรวมศพหัวหน้าที่เหลือทั้งหมดที่ตายใส่ลงฝังตามประเพณีกองทัพปราบศึกเตรียมเคลื่อนพลตามผู้ว่าการจ้างไปหางโจเพื่อไปรอท่าพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เดินทัพกลับเมืองหลวงมีการถวายรายงานกราบประคมงทูลถึงชัยชนะพร้อมแนบรายชื่อหัวหน้าต่างๆที่ได้สร้างคุณงามความดีแต่ในจํานวนหัวหน้า108คนทั้งสิน้น มีเพียง36มคนเท่านั้นที่ยังรอดชีวิตทัพหน้ายาตราออกไปจากมู่โจเสียงคล้องเสียงกลองดังราวจะเขยา่าภูผาธงแดงแห่งชัยชันะก็ เ, เคลื่อนไปกับทัพเป็นทิวแถวยาวนับสิบลีเหล่าม้าเอาโอวุรตีกับปรนโลหะฝ่ายถวยหารตาขู่กล้องไปเนื้อร้องฟ้าคำรนการเดินทัพสู่หางโจเป็นไปได้วยความราบรื่นเนื่องจากทัพของผู้ว่าการจ้างยังอยู่ในเมือง ส่งเจียงก็เลี่ยงให้ทหารไปลงค่ายอยู่ที่เจดีชักกะสมาณะฉั น, นส่วนตัวกับหัวหน้าที่เหลือก็เข้าไปอยู่ภายในตัววัดชักกะสามคีระหว่างรอท่าพระราชองการส่งเจียงกับลู่จุนยี่มีเรื่องต้องเข้าไปตรวจข่าวในหางโจอยู่เนือ ง, องระหว่างนั้นหลงจินลู่กับบูสงพำนักอยู่ในบริเวณวัดก็ดื่มด่ำอยู่กับทัศนียภาพแห่งหุูเขาลำเนาไพราปากแม่น้ำครามใสานอกเมืองในคืนนั้นดวงจันทร์กระจ่างฟ้า ลมเย็นโบยโบกพื้นฟ้ากับท้องน้ำคลามใสทั้งสองกำลังหลับอยู่ในอารามพอตกเที่ยงคืนก็ตกใจสะดุ้งตื่นด้วยเสียงคล่นคลืนโครงครามดังลั่นมาตามแม่น้ำเฉียนถังหลวงจีนลูกผู้มาจากหลังด่านไม่เคยพบพ่านสิ่งนี้มาก่อนเลยในชีวิตคิดได้แต่ว่าเป็นเสียงกลองสึกชร้อยไอ้พวกโจรป่าจะแอบเข้ามาโจมตี จึงคว้าไม้ท้าพระธรรมกระโดดผงลงจากเตียงตวัดเฟือยออกไปคำหนึ่งเตรียมถลันออกไปข้างนอกบรรดาพระสองฆ์องค์เจ้าที่จำวัดอยู่ด้วยก็พากันอ้าปากหวัวเฮ้ยมีอะไรหรือครับหลวงพี่พวกหลวงจีนถามท่านจะหฮ่อไปไหนกันนะฮะเฮ้ยกำลังหลับกงนอนเว้ยต ก, กใจหมดพ่อได้ยินเสียงปลองต้องไปรบแล้วพวกหลวงจีนก็พากันหัวเราะ <c oughs> <c oughs> หลวงพี่เขาใจผิดแล้วนั่นไม่ใช่เสียงกลองหรอกแต่เป็นเสียงจากกระแสน้ำหลากปากแม่น้ำเฉียนถังที่สื่อตรงคงมั่นสังหาเฮ้ยหลวงจีนรู้มืดแดด้านเฮ้ยเหตุฉะไหนพวกท่านจึงว่าเป็นช่นนั้นพวกหลวงจีนรูปอื่นๆก็เดินไปเปิดหน้าต่างออกและชี้ให้ดูหัวคลื่นที่กำลังถาโ ถ, ถมขึ้นมาตามปากแม่น้าคลื่นจะซัดกลับเข้ามาในแม่น้ําันละสองครั้ง ทั้งกลางวันและกลางคืนตรงเวลาเพลงเฉพาะวันนี้เป็นวันที่สิบห้าเดือนแปดน้ำจะขึ้นตอนยามสามที่ว่าซื้อตรงคงมั่นนั้นก็เพราะว่ามันไม่เคยสายเลยนั่นเองหลุงจีนลูกะเม่นมองยอดคลื่นในแม่น้ำสักพักก็เข้าใจไปทั้งสิ้นและตบมือฉาดใหญ่ร้องออกไปด้วยอาการหลิงโลดเอ้ยรู้แล้วไอ้กอนละ คำพยากรณของท่านเจ้าอาวาสของอาตมาบอกไว้ว่าพบเสี้ยให้ข้าตอนรบกันที่ป่าละมะหมื่นสนอาตมาข่าเสี้ยโหเซงเจ้าอาวาสท่านก็ บ, บอกอีกว่าเห็นล่าให้จับอาตมาก็จับฟางล่าได้มาตอนนี้นะอาตมาต้องเติมคำทานายที่เหลือให้ครบคี่ได้ยินเสียงน้ำก็ให้บรรจบให้ครบสังสารพได้ยนสายทานก็ให้ระกสังขารไปเสียมาตอนนี้ อัตมาได้ยินและได้เห็นมันแล้วแล้วไอ้คำที่เหลือนั้นมันทำอย่างไรกันวะเนี่ยวานท่านช่วยบอกทีเถอนะข อ, อรับอื้ยตัวท่านเองก็ร่วมอยู่ภายใต้ร่มบารพุทธศาสนาผมแต่ผ้าคาสวพัทซะเปล่าปาดท้อเหตุฉันไหนจึงทำเป็นไม่รู้ลุงจีนเหล่านั้นเอ่ยคำว่าผีได้ยินเสียงนะ้ำก็บรรจบให้ครบสังสารผีได้ยนสายธานก็ให้หละสังขารไปเสีย ในแวดวงสังฆปริมณฑลแห่งเราคือให้ดับขันไปเสียอุ๊ยไม่รู้เรื่องเลยเลยว่าหลวงจีนลู่หลังลายได้สมมติยามหลวงจีนลู่ผู้รู้แจ้งใชเปล่าป่านทุกต้องให้เรามาบอกหลวงจีนลู่หัวร้อฮ่าฮโอ้เป็นเช่ีนี้เห็นหากเป็นเช่นนี้อาตมาจะได้วนให้บรรจบครบสังสารวัฏดับขันไม่ได้ความสงัดงันสักทีโปรดต้มน้ําไม่สักสองสามถัง อาตมาจะขอชำระร่างกายให้สะอาดหมดจดซะก่อนบรรดาหลวงจีนเหล่านั้นคิดว่าจะพูดเล่นๆแต่ก็ทราบดีว่าหลวงจีนลู่อารมณ์ร้ายเพียงใดจึงไม่กล้าจะปฏิเสธหลังจากทำความสะอาดร่างกายจนหมดจดถัดผ้าใหม่ดังจะเข้าเฝ้าองค์พระจั ก, กรพรรดิก็หันไปสั่งความในทหารชั้นประทวนของตนคนหนึ่งว่าจงไปแจ้งผีใหญ่ซ่งเจียงเรียนเชิญท่านมาที่นี่บอกให้มาดูใจอาตมา นำเข้าไปในอารามชั้นในบรรจงเขียนสโลกใส่แผ่นกระดาษดึงเบออาอัศนะรองหัวเข่าออกมาไว้ตรงกลางห้องวิปัสสนากรรมฐานจุดทูบใส่กระถางเอากระดาษแผ่นนั้นวางบนตั่งนั่งสมาธิแล้วขึ้นไปนั่งบนอาศนะในท่าขัดตมาดเท้าซ้ายก่ายเท้าวขวาแล้วก็ล่วงข้ามไปในนิวรณ์ ตอนส่งเจียงได้รับรายงานก็กระวีกระวาดพาบดาหัวหน้ารีบตรงไปที่วัดแต่ตอนนั้นหลวงจีน ล, ลู่แน่นิ่งไม่ไหวติงไปซะแล้วสโลกในกระดาษแผ่นนั้นเขียนเอาไว้ว่าตอนมีชีวิตไม่เคยคิดถือสินกินเพลินรักแต่จะโลดแล่นเข็นข้าวางเพลิงแต่ชับพลันกรงหยกนั้นก็แงม้มอ้าอีกโซดรวนที่เคยฉุดฆ่าไว้ก็ลื่นไหลดูก่อน ก็ในเมื่อกระแสน้ำแห่งความซื่อตรงคงมัน่นโถมทางมาที่ปากน้ำเฉียนถังนณะวันนี้อาตมาก็สำเนียกรู้ได้ในที่สุดสมดังที่ได้สมมุยาว่าหลวงจีนลูผู้รู้แจง้งอันนี้อาตมาอําเสริมให้นะครับพออ่านสโลกส่งเจียงกับลู่จุนยี่ก็ทอดถอนใจไม่หยุดหย่อนบรรดาหูหน้าทุกคน จุดธูปเทียนโคก ศ, ศีรษะคารวะหลวงจีนลู่ผู้จากไปผู้ว่าการเจ้างองค์คนมนตรีถงและขุนนางคนอื่นๆรีบรุดจากในเมืองมาทําความเคารพศพดังว่าเช่นกันส่งเชี่ยงนำผ้าไตรกับปัจจัยที่พระจกักรพรรดิประทานลงมาให้หลวงจีนลู่ไปถวายแก่พระสงฆ์องค์เจ้าที่วัดรัตนาให้ช่วยสวดแผ่กุศลเพื่อเป็นการราลึกถึงสามวันสามคืนร่างถูกนําไปใส่ไม้ในโลงไม้จำปาแดง แล้วนิมนต์เจ้าอาวาสวัดจริงสานมาเป็นประธานในพิธีชาปนากิจ <Okay. S 1> บรรดาเจ้าอาวาสจากวัดอื่นๆที่มาร่วมต่างก็อ่านพระสูตรสวดบางสกุล mm hmm. ข้าวของเครื่องใช้หลวงจีนลูกถูกนําเอาไปเผาหลังพระเจดีฉักกระสมาณฉันสมภารแห่งวัดจริงสานก็เดินถือคบไฟเข้าไปประชิดกับโลงศพหลวงจีนลูกชี้ไปที่คบไฟพรางกระซิบเรียกเบาๆว่าเออหลวงจีนลูกหลวงจีนลูก ท่านเริ่มอาชีพในป่าเขาแสงไฟเต้นเร่าในแววตาการเข็นข่าสิงสถิตในกระมนลหมาบัรนี้ล่วงลนไปกับกระแสน้ำไปยังที่ที่ไ ม, ม่มีผู้ใดรู้ดูช่างน่าสนเท่นักเกล็ดยกขาวจะพรางพราวฟ้าท้องคำจะดัดตาไปตามดินเจ้าวาดรูปนั้นจอคบไฟใส่กองฟอนเลีวไฟลุกท่วมลงไม้บรรดาหลวงจีนทั้งหลายก็พากันสวดมนต์ หลังจากนั้นก็เก็บอัฐิและอังคารนำไปฝังเอาไว้ในลานพระเจดีย์บรรดาผ้าผ่อนแพรพรันเงินทองของชมพูต่างๆนานาอันได้มาจากที่ต่างๆก็ถูกนำมามอบให้ไว้ใช้สอยเป็นกองกลางในวัดฉักกะสามคัคคีแห่งนั้นพระธุดงบูสงถึงจะรอดตายมาได้แต่ตอนนี้เหลือแขนเพียงข้างเดียวพี่ใหญ่ขอรับข้าเป็นไอ้ด้วนค้นแขนพิการ พระธุดงบูสงเอ่ยขึ้นกับทรงเจียงข้ามิปราทถนาจะไปเฝ้าองค์พระจกักรพรรดิที่เมืองหลวงข้าคิดจะนำสมบัติพระสถานต่างๆของตนมามอบให้ทางวัดชกะสามาคัคคีไม่ให้มีบ่วงใดๆมาคอยผูกมัดใจให้เป็นกังวลเผื่อว่าตัวจะได้บริสุทธิ์หากท่านพี่ทำลายชื่อผู้ที่จะเข้าวางังรดละชื่อข้าเอาไว้ด้วยเถิดตามแต่ท่านจะปราถนาเถิดทรงเจียงเอ่ย ดังนั้นหูสงก็บวชเรียนเป็นหลวงจีนจำภาษาอยู่ในวัดชักกะสามังคีแห่งนั้นเวลาต่อมาก็มีชีวิตยืนยาวถึง80ปีจนแก่เท่าขณะอยู่ที่หางโจวส่งเจียงมักจะเข้าเมืองไปฟังข่าวคราวอยู่เสมอทัพของผู้ว่าการจ้างออกเดินทางมาก่อนส่งเจียงก็ย้ายไพร่พลของตนเข้าเมืองไปแทนต่อมาอีกครึ่งเดือนข้าหลวงผู้แทนพระองค์ก็เดินทางมาถึงหางโจวพร้อมด้วยพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ให้ไม่ทับหน้าสรงเจียงพาทับกลับเมืองหลวงในตอนนั้นทัพหลวงที่ประกอบด้วยผู้ว่าการจ้างองคองมนตรีถงรองผู้ประชาการทหารมณฑลหลิวเสนาธิการทหารกงและเก่งขุนพลหวางและขุนพลเจ้าล้วนไปถึงเมืองหลวงก่อนแล้วขณะที่ทรงเจียงกำลังจะเคลื่อนทับ หลิ้นชงกลับล้มป่วยด้วยอัมพาตอย่างกะทันหันหยางซ่วงไอเ้เผือกกระดูกสันหลังงอกตายลงชื่อเฉียนก็จากไปเพราะไส้ติ่งอักเสบส่งเจียงโศกเศร้าหินักต่อมาก็ได้ข่าวจากตำบลต้นถูว่าหยางซื่อเดรัจฉา น, น่าดําก็ตายฝังศพเอาไว้ที่นั่นในเมื่อหลิ้นชงเป็นอัมพาตพวกเขาจําต้องทิ้งเอาไว้ภายใต้การดูแลของลุงจีนหวู่สงหลังจากนั้นครึ่งปีหัวเสือดําก็จากไป หลังจากพวกเขาเดินทางออกจากหางโจ้ไปหน่อยหนึ่งเหยียนฉิงก็เข้าไปหาเจ้าสัวลู่จุนยี่อดีตผู้มีพระคุณและเอ่ยปากขึ้นว่าข้าน้อยอยู่รับใช้พระคุณท่านมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กได้รับความเมตตากรุณาจากท่านเหลือที่จะกล่าวมาบัดนี้พวกเราก็ปฏิบัติกิจการงานเป็นที่สําเร็จลุล่วงไปแล้วเหตุใดจึงไม่ทิ้งยศขุนานางหนีไปแสวงหาที่เ ง, งียบๆอยู่กันฉันสันโดษ จะไม่ดีไปกว่าหรือขอรับนับตั้งแต่พวกเราชาวเหลียงซานปอดได้กลับคืนสู่ร่มทงแห่งมหาอาณาจักร่งได้ขึ้นเหนือไปกำราบพวกเหลียวลงใต้มาบำราบปางล่าพวกเราต่างสูญเสียพี่น้องไปมากมายกายกองมาบัดนี้เมื่อสามารถกลับบ้านไปในชุดขุนาังมีเกียรติยศศักดิ์ศรีมอบให้ลูกเมียไว้ในภายหน้า เหตุ hey, ไหนเจ้าจึงมาเลือกหนทางที่สูนเปล่าเช่นนี้เล่าเจ้าอัจฉริยะเทพยิม้ม <c oughs> ท่านผู้มีพระคุณพระคุณท่านคิดผิดซะแล้วล่ะขอรับหนทางของพระคุณท่านเองต่างหากที่จะต้องไปลำบากลำบนยนนิ้นชิงพวกนี้ถึงจะยังเด็กเล็กแต่สายตากว้างไกลยิ่งนักข้าเองใช่จะเป็นคนเถอยเยอเยานอะไรกับใครเขาแม้เพียงสังนิษก็เถอะลูก้านเจ้ากำลังจะบอกว่า ราชสำนักคิดว่าข้าเป็นตัวอันตรายเช่นนั้นหรือ อ, อบรรดาวีรชนพวกเรเกียนและจงรักภักดีแต่ครั้งอดีตการผ่านมาล้วนมีมากมายที่พลีกายก่อตั้งราชวงศ์แต่กลับถูกองค์อธิการไทยสั่งประหารเฮ้ก็เพราะต่อมาพวกเขาล้วนกระทำผิดคิดร้ายไม่อย่างนั้นก็อย่างนี้แต่ข้าไม่คิดจะทําอะไรผิดจะมีเหตุผลคนใดให้ต้องเป็นห่วงกังวล หากไม่ยอมฟังข้าพระคุณท่านจะเสียใจเอาเมื่อสายไปแล้วข้าก็คิดจะไปลาท่านม่ทับส่งเจียงอยู่ดอกแต่ท่านผู้นั้นคงมั่นในพระดอนภาพความผูกพันฉันเพื่อนพ้องน้องพี่ให้รุนแรงนักข้าเกรงว่าท่านจะไม่ยอมปล่อยข้าไปจึงได้มาขอแต่พระคุณท่านเท่านั้นแล้วจะไปไหนเอออาจจะทั้งล่วงหน้าทั้งถามหลังขอรับลูจุนยี่หัวเราะ เอาละเอาละจงไปตามทางของเจ้าเถิดแล้วคอยดูกันว่าเจ้าเองจะจบยังไงเยียนชิงโขกศีสษะเป็นการอำลาแปดครั้งในคืนนั้นก็เก็บรวบรวมข้าวของและจากไปในที่ที่ไม่มีผู้ใดรู้รุ่งเช้ามีคนถือหนังสือฉบับหนึ่งไปมอบให้ทรงเจียงในนั้นมีใจความว่าข้าน้อยเยียนชิง ขอคขารวะไม่อยังท่านพี่ไม่ทัพหน้าทรงเจียมด้วยความเคารพอย่างสูงข้าน้อยรำลึกถึงพระคุณที่ท่านพี่แม่ตาปราณีช่วยอบรมสั่งสอนเสมอมาต่อให้พยายามสักเพียงไหนก็คงทดแทนได้ไม่สิ้นด้วยชะตาชีวิตที่แหวงวิ่นความคิดอ่านยังขาดเขนเกินจะเป็นขุนนางอย่างใครเขาข้าน้อยจึงขออำลาไปใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกความจริงข้าน้อยอยากจะมาลาท่านพี่โดยตนเอง แต่เพราะรู้ดีว่าท่านพี่ผูกพันกับความเป็นพี่น้องยิ่งนักและคงจะไม่ยอมอนุญาตข้าน้อยจึงได้แอบหนีไปเมื่อคืนก่อนโปรดอภัยให้ข้าน้อยด้วยข้าน้อยใครจะทิ้งครัวสีบทนี้เอาไว้แทนคำอำลายิงดีหันหลังให้ยศศักดิ์มิพักใส่ใจในทรัพย์สินจะขอเก็บกินก็แต่อภยญทานไว้คาจนสังขารที่เรียบง่าย คำโครงบทนั้นดีดสายใจแห่งความหม่นไหมของทรงเจียงให้สั่นไหวได้แต่งงกเงินเงินหันไปเก็บรวบรวมติวตำแหน่งของพี่น้องที่ล่วงลับส่งล่วงหน้าไปยังราชสำนักในเมืองหลวงเพื่อกำหนดผู้ที่จะเข้าเฝ้าให้เหมาะสมทับหน้ารัดเลาะไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยวในที่สุดกระลุถึงชาญเมืองซูจโจลีจุนมังกรกลางน้ำเชี่ยวแซงทำทีเป็นป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อพอข่าวไปถึงทรงเจียงไม่ทับหน้า ก็รีบพาหมอเร่งรถไปหาด้วยตนเองเ อ, อท่านพี่อย่าเสียเวลาให้ข้าเตะ่วงการเดินทับออกไปให้เนิ่นช้าเลยขอรับลีจุนอ้อนวอนพระจก้าพัทจะตำหนิเอาได้ตอนนี้ท่านผู้ว่าการจ้างคงไปถึงก่อนแล้วหากท่านพี่นึกสงสารก็ทิ้งถงหวยกับถงเหม่งเอาไว้ดูแลข้าก็พอแล้วหากข้าดีขึ้น พวกเราจะรีบตามไปเข้าเฝ้าในทันทีขอรับท่านพี่รีบพาทัพร่วงหน้าไปก่อนเถิดถึงจะกระอักกระอ่วนในจิตใจแต่จะให้ผัดวันประกันพรุ่งไปก็ใช่ทีผู้ว่าการจ้างส่งคนลงมาเร่งส่งเจียบก็จำใจเดินทับต่อทิ้งสองพี่น้องตระกูลถงและลี่จุนเอาไว้ข้างหลังลี่จุนรีบพาสองพี่น้องไปหาเฟยเป้าและพักพวกบ้านนอกทั้งสี่ คนทั้งเจ็ดร่วมหารือกันในหมู่บ้านหลิวโค้งแห่งนั้นพวกเขาขายสมบัติพระสถานบ้านช่องห้องห อ, งหอต่อเรือแล้วแล่นออกจากท่าเรือเมืองไทจังไปยังต่างแดนในที่สุดลี่จุนก็เป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามฮาพระนามอะไร <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนว่ากันต่อได้ไหม อ, อาจารย์จรัสชัยนะพูดไว้แค่นี้เองเฮ้ย <c oughs> จริงๆเราก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าชื่ออะไร ในที่สุดลี่จุนก็เป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามถงเหวยกับเฟยเป้าก็ได้เป็นขุนานางในต่างแดนทั้งสองมีอนาคเขตตามชายทะเลของตัวเองจะทำอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาแต่นั่นก็ล้วนเป็นเรื่องราวตามประวัติลี่จุนในชั้นหลังลงมา การเดินทับออกจากซูโจเหตุการณ์ปกติตอนผ่านซางโจกับหลุนโจที่เคยมีการสู้รบกันอย่างดุเดือดสองฝ่ายสูญเสียกันอย่างหนักนั้นส่งเจียงให้หมุนไหมอยู่ในหัวจิตหดหูอยู่ในหัวใจข้าที่พอข้ามยางซีเกียงไปตัวก็ต้องทิ้งพี่น้องเจ็ดในแดส่วนเอาไว้แต่หลังทับผ่านทางหยางโจแล้วเข้าหวาอันจากนั้นไปก็ไม่ไกลจากเมืองหลวงตะวันออกแล้ว ส่งเจียงสั่งการให้บรรดาหัวหน้าที่เหลือเตรียมพร้อมเข้าเฝ้าพวกเขาไปถึงเมืองหลวงตะวันออกในวันที่ยี่สิบเดือนเกกองทัพของผู้ว่าการจ้างเดินทัพเข้าเมืองหลวงก่อนคนของส่งเจียงก็รั้งทัพรอท่าคําสั่งอยู่ที่สถานีด่านสะพานเฉินชานพระนครจุดเดิมเมื่อนับจํานวนหัวหน้ารวมกับตัวส่งเจียงเองแล้วที่เหลือกลับมาทั้งหมดมียีสิบเจดคน ในนี้เป็นขุนทหารอาวุโสท2สิบสองคนแม่ทัพส่วนหน้าจดรายชื่อผู้พลีชีพเพื่อแผ่นดินขึ้นทูลกล้าวถวายพระจกักรพรรดิและสั่งหัวหน้าที่เหลือตรับเตรียมเสื้อผ้าเพื่อการเข้าเฝ้าให้เหมาะสมสามวันต่อมาก็ได้รับหมายเรียกเช้าวันนั้นก็มาถึงคนทั้ง27คนขี่ม้าเข้ามาในเมืองนี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่ประชากรในเมืองหลวงได้เห็นบรรดาหัวหน้าพากันเข้าเฝ้าองค์องธิปัตย์แห่งลทัททิเตา คนแรกก็เมื่อครั้งที่ได้รับโปรดเกล้าให้อภัยโทษตอนนั้นพวกเขาสวมใส่ชุดใหม่พระจานทานเขียวแดงคล้องสุพรรณบัตรและหิรัญยบัตรตามชั้นยศคราวต่อมาตอนกลับจากปราบเหลียวตาตา้าตอนนั้นทั้งหมดสวมชุดเกราะและคนที่สามในวันนี้พวกเขาสวมหมวกใส่ชุดพลเรือนตามพระกระแสรรับสัง่งผู้คนที่แห่แหนกันมาดูส่งเสียงหือฮาด้วยความชื่นชมคนทั้ง27ดลงมาที่ประตูวัง แล้วก้าวเข้าไปโขกศีรษะกับขั้นบันไดยกสีแดงชาติ8ครั้งถอยออกมาแล้วโคกศีรษะอีกแปดครั้งสืบเท้ากลับมาเครื่องทางระหว่างจุดแรกกับจุดหลังแล้วโคกศีรษะอีกแปดครั้งฝุ่นฟุ้งตลบจากการคารบทั้ง24่สหนเสียงร้องถวายพระพรหมหมื่นปีดังก้องกังวานไปทั่วท้องนภาการขอจงทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นป จักกะพัดฮุยจงส่งทอดพระเนตรออกไปก็เห็นผู้คนมาเข้าเฝ้าบางตาไปมากนักพระองค์ทรงสะท้อนพระราชฤทัยจึงมีพระกระแสรับสั่งให้เข้าเฝ้าในท้องพระองค์ทรงเจียงกับลู่จุนยี่พาหัวหน้าที่เหลือก้าวขึ้นไปตามขั้นบันไดทองแล้วเข้าไปคุกเข่าอยู่หน้าพระวิสุทธิระดับเพชรนินจินดาพระเจ้าหุยจงก็ทรงมีพระเจ้กระแสรับสั่งให้ลุกขึ้นตอนนั้นเสนาอำมาตที่เฝ้าแหนอยู่ก็ชักพระวิสุทธิเผยออก เราได้ทราบว่าหลังข้าวน้ำแยงสีเกียงไปแล้วทับออกศึกส่วนหน้าก็ต้องประสบความยากลำบากสูญเสียพี่น้องไปกว่าครึ่งพวกเราเศร้าใจในเรื่องนี้นะกส่งเจียงร่ำให้ทั้งทั้งที่ยังคุกเข่าอยู่เช่นนั้นขอเดชะใตยป่านอองธุรีพระบาทปกข้าวปกกระหมอ่อมคงจะด้วยเพราะข้าพระองค์เป็นแค่คนบ้านนอกหาบกร้านไร้ซึ่งฉานฉลาด ไม่มีความสามารถใดๆต่อให้เข็นสมองโกยตับไตเสีพุงออกมาสาดไว้ในสนามรบก็ไม่อาจทดแทนพระหมหากรุณาธิคุณที่มีอย่างล้นเกล้าล้านกระหมอ่อมได้ตอนที่พวกข้าพระองค์สาบานตัวเป็นพี่น้องบนเขาบู่ไทยก็มีกันอยู่ครบหนึ่งร้อยแปดชีวิตใครเลยจะมาคิดว่าจะมาจากไปถึงแปดในสิบ ขอเดชะพระบารมีปกกล้าปกกระหม่อมข้าพระองค์มีรายชื่อพร้อมอยู่นี่แล้วพระเจ้าค่ะ <c oughs> ข้าพระองค์ขอพระราชทานบาโรโกาสสรงเมตตาปราณีโปรดการผู้เขาไปดํารงตําแหน่งที่เหมาะสมด้วยเถิดพระเจ้าค่ะควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณา <c oughs> เราจะพระราชทานเกียรติยศให้แก่หวงซุยขอบระดาผู้พรีชีพ ผู้เสียสละเพื่อราชบัลลังก์ทุกๆคนคุณงามความดีของพวกเขาจะได้ไ ม, ม่มีวันสูญหายแล้วส่งเจียงก็โค้งคำนับทูลถวายดิการใจความว่าข้าพระองค์ส่งเจียงแม่ทัพฝนหน้าผู้บัญการทหารสูงสดุดแห่งกองทัพ อ, อกศึกและคนอื่นๆขอทูลกล้าถวายรายงานดังต่อไปนี้แม้ว่าโง่เขลาเบาปัญญา ได้ประกอบกรรมทำผิดรชาชอาญาจนถึงขั้นอุกฤษมาแล้วแต่บรรดาข้าพระองค์ทั้งหลายก็ล้วนได้รับพระหมหากรุณาธิคุณถึงกระดูกจะถูกปนเป็นฝุ่นผงร่างกายจะถูกบดขยี้มีแนวนอยู่ติดพื้นก็ไม่อาจจะทดแทนพระเมตตาได้หมดหลังจากทิ้งบึงน้ำแห่งนั้นมาพวกข้าพระองค์และพี่น้องก็ได้ทุ่มเทไถ่ถอนความชั่วช้าของตนจนถึงที่สุด พวกข้าพระองค์ได้ให้สัตว์ปฏิญาณเป็นพี่น้องกันบนเขาปูไทยด้วยใจเป็นหนึ่งและตอนนั้นมาก็สาบานจะปกปักรักษาแผ่นดินคุ้มครองไพร่ฟ้าประชารชานพวกข้าพระองค์ได้สยบเหลียวตาต้าลงที่อยู่โจและจับตัวฝังล่ามาจากครูหาในห้วยน้ำใสด้วยการประกอบคุณธรรมความดีแต่พื้นพื้นเหล่านี้พวกข้าพระองค์ต้องสูญเสียพี่น้องผู้ประชาการทหารชั้นยอดไปเป็นจานวนมาก ทุกคืนทุกวันไม่เป็นอันสงบสุขพวกข้าพระองค์จึงขอเพร่ระานพระมรกาศให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระโรมราชมินิจฉและเพร่ระานความเมตตาปราณีแด่บรรดาผู้ล่วงลับและปกปักรักษาผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยเถิดพระเจ้าค้าความปรารถนาของพวกข้าพระองค์แต่เพียงประการเดียวคือได้หวนกลับไปทาไร่ไถนานตามบ้านนอกเคานะนา จึงกราบพระจัฺทานขอลาออกจากราชการด้วยความซื่อตรงและจิตใจที่ประวัติท่านพึ่งขวกค่าพระองค์น้อมกล้าวขอรับพระบรมราชวนนิฉัยด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเหชะรายชื่อขุนทหารของเราประกอบด้วยจากบัญชีรายนามแสดงว่าผู้ที่ถูกฆ่าตายในสนามรบมีห9บคนป่วยตายสิบคนละสังขารไปหนึ่งเป็นอามาาพาตหนึง่ง บทเรียนเป็นหลวงจีนที่วัดฉักกะสามังคีอีกหนึ่งเป็นเต้าสือกลับไปฉีโจหนึง่งอีกสี่แยกไปมีชีวิตอิสระอีกห้าทั้งยังอยู่นี่และที่กลับมาเมืองหลวงก่อนเหลือรอดตายมา27่คนและบัดนี้มายอบตนเข้าเฝ้าอยู่เบื้องหน้าบัลลังก์ดีกาใบนี้ลงนามกากับโดยไม่ทับส่วนหน้าทรงเจียงกับรองไม่ทับลู่จุนยี่ พวกท่านหนึ่งร้อยแปดคนล้วนเป็นดวงดาวในจักรภพพระเจ้าหุยจงส่งทอดถอนพระราชฤทัยหลังจากหนีหายไปสี่ตอนนี้เหลือมายี่สิบเจ็ดกล่าวอีกนายหนึ่งคือจากไปแปดในสิบพระเจ้าหุยจงส่งพระราชาทานชั้นยศให้ผู้วายชนหากคนใดมีบุตรชายก็ส่งเรียกตัวเข้าวังโปรดกล้าให้เป็นขุนนางถ้าไม่มีก็โปรดกล้าให้สร้างศาลขึ้นเส้นไหว เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีเนื่องจากดูวิญญาณของจางซุนได้ประกอบการอันมีคุณค่าอนเออนกอนันต์จึงได้รับโปรดเกล้าให้เป็นขุนพลสุพรรณโรธหลวงจีนลู่ที่จับฟังล่าและละสังขารไปได้รับการโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่งพระคุณเจ้าวีรภาพเรืองรองวู่ส่งได้เป็นเจ้าอาวาสวัดฉักกะสามัคคีและจำพรรษาไปจนสิ้นอายุไขนางกระบี่เหล็กสิบเสี้ยกับแม่นางซุน ที่จบชีวิตไปในสมรภูมิก็ได้รับตําแหน่งหลังวายปราณที่เกิกไกลหัวหน้าระดับอาวุโสสิคนที่เข้าเฝ้าได้รับโปรดเกล้าให้เป็นข้าหลวงประจําจังหวัดหรือผู้ประชา ก, การทหารระดับจังหวัดหรือมณฑลหัวหน้าระดับรองลงมาอีกสิหคนก็กระจายกันออกไปประจําการตามกรมกองทหารต่างๆและรอท่าการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการอีกต่อหนึ่งส่วนแม่นางเสือกู้ได้รับการโปรดเกล้าให้ไปเป็นเทสาพิบาลตําบลตรงหยวน ทรงเจียงได้รับพระราชทานยศเป็นจอมพลพลักบรมีดํารงตําแหน่งผู้ว่าการจังหวัดฉู่โจวลู่จุนยี่ได้รับพระราชทินานามเป็นจอมพลพละคุณะปาการดํารงตําแหน่งเป็นผู้ว่าการจังหวัดลู่โจวพระเจ้าหุยจงยังพระราชทานทองคําและเงิน300ร้อยช่างกับผ้าไหมให้คนละห้าไม้แด่ขุนพลระดับรองสิบห้าคนและพระราชทานเงินทองห้าร้อยช่าง กับผ้าไหมคนละแปดไม้แดดขุนพลระดับอาวุโสสิบคนส่งเจียงกับลู่จุนยี่ได้รับพระราชทานเงินทองคนละหนึ่งพันตํานึ่งผ้าไหมสิบไม้รวมทั้งเสื้อผ้าพระราชทานกับม้าผีเท้าดีอีกคนละตัวทั้งหมดแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณดวงวิญญาณของเจ้าพ่อมังกรดำที่เสด็จมาปรากฏกายถึงสองครั้งสองคราที่มู่โจช่วยพิทักษ์แผ่นดินปกปักรักษาไพ่ฟ้าและอํานวยให้กองทัพได้รับชัยชนะนั้น ได้รับพระราชินานามต่อท้ายยาวเฟื้อยพระองค์ยังทรงเปลี่ยนชื่อเมืองมู่โจกับสอโจอันเป็นที่มั่นสําคัญของฝางล่าเป็นเมืองเหยียนโจและหุยโจตามลําดับส่วนตําบลห้วยน้ำใสก็เปลี่ยนชื่อเป็นตําบลซุนอันและคู่หาปางหยวนซึ่งเป็นเกาะเกาะหนึ่งอยู่แล้วก็ถูกแยกออกเป็นอิสระจากเขตปกครองของทั้งแหลมข้าหลวงเมืองมู่โจได้รับคําสั่งให้นําเงินภาษีมาบูรณะเพิ่มเติมขนาดศาลเจ้าพ่อมังกรดํา พอเสร็จแล้วพระเจ้าหุยจงก็ทรงพระสถานป้ายสารเจ้าลงไปประดิษฐานให้ทุกวันนี้สารเจ้าก็ยังคงอยู่ดินแดนเจียงหนานซึ่งถูกฝังล่าเรศนาทารินมานานหลายปีอยู่ในสภาพทรุดโทรมปรับหักพังก็ทรงโกรธกล่าวให้ยกภาษีและเว้นการเกณฑ์แรงงานในราชดอนเขตนั้นเป็นเวลาติดต่อกันถึงสามปีหัวหน้าแต่ละคนกล่าวสดุดีพระเจ้าหุยจง องอธิคไทยก็มีพระราชดํารัสเรียกตัวเข้าไปร่วมงานเลี้ยงในพระราชสํานักที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ความสําเร็จของพวกเขาคุณนางชั้นสูงสุดทั้งบุญทั้งบูต่างมาร่วมงานฉลองพองานเลี้ยงจบลงส่งเจียงก็กราบบงคมทูลขึ้นว่าขอเดชะหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษที่บึงเหลืงซานพวกเราเสียไพรพลพไปมากกว่าครึ่งพวกเขาบางคนที่เหลือใครจะได้กลับบ้าน ข้าพระองค์กราบทูลขอให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระบรมราชวินิจัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าหุยจงก็ทรงมีพระบรมราชองค์การความว่าผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่รับราชการในกองทัพต่อไปจะได้รับเงินหนึ่งร้อยพวงอีแปะผ้าไหมสิบพับและให้เข้าประจำการในหน่วยเสือหมอบกับมังกรคนองเพื่อรับเบี้ยววัดและข้าวเป็นรายเดือนส่วนผู้ที่ปรารถนาจะลาออก จะได้รับเงินคนละสองพวงอีแปะผ้าไหมสิทพับและได้รับอนุญาตให้กลับไปใช้ชีวิตพลเรือนในภูมิหลังนาวของตัวขอเดชะพระบรมีปกลปกล้าปกกระหมอ่อมข้าพระองค์เกิดในตงบลหยุนเซิงซ่งเจี้ยงกราบบคคทูนหากแต่หลังจากกระทัาผิดอาญาก็ไม่กล้ากลับบ้านข้าพระองค์กราบบคคทูลใต้ฝา่าละอองธุลีพระบาทขอพระอ ท, ทานโอกาส ให้เด็กกลับไปเก็บกวาดทาความสะอาดสุสาบนบรรพชนและยิ้ยมเยิยนบรรดาญาติสนิทมิสหายแล้วข้าพระองค์จะรีบไปรับตําแหน่งที่ฉู่โจพระเจ้าค่ะพระเจ้าฮุยจงทรงพระโสมนัสพระจะทานทรัพย์เพื่อการดูแลปฏิสังขรณ์ครื่อหาบรรพบุรุษเป็นเงินหนึ่งหมื่นพวงอีแปะท่งเจียงกับบรรดาหัวหน้ากล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายบังคมลาและพากันลาถอยออกมา วันรุ่งขึ้นบรรดาหัวหน้าทุกคนได้รับเชิญไปงานเลี้ยงฉลองสันธิภาพที่สภาเสนาบดีฝ่ายบริหารจัดขึ้นหลังจากนั้นอีกวันก็เป็นงานอย่างเดียวกันของสภาเสนาบดีฝ่ายกิจการทหารผู้ว่าการจ้างรองผู้บัญชาการทหารมณฑลหลิวองค์มนตรีถงเสนาธิการทหารกงกับเก่งขุนพลหวางกับขุนพลเจ้าล้วนได้รับการเลื่อนตำแหน่งแต่เรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาหลอกให้อ่านอยู่ตั้งนานป่าทุก โดยคำชี้แนะของกรมพระธรรมนรูนกราโหมและเป็นไปตามกฎมณฑีบานฝางล่าถูกพาตัวไปแล่เนื้อถูกพระเค่าตาัดศีสัตที่จัตุรัสสี่มุมเมืองในเมืองหลวงตะ ว, วันออกแล้วประจานสดเอาไว้กลางแจ้งสามวันส่งจิ้นกับส่งฉิงผู้น้องออกจากเมืองหลวงพร้อมทหารร้อยสองอคนแบกบสัมภาระล่วงหน้าไปก่อนการเดินทางกลับไปยังมณฑลซานตรงเที่ยวนี้ไม่มีเหตุการณ์อันใดเป็นพิเศษครับ พอไปถึงบ้านเกิดที่ตะบนหยุ่นเซงบรรดาชาวบ้านร้านถิ่นและญาติสนิทมิสหายก็พากันออกมาต้อนรับแต่พอขบวนเคลื่อนมาถึงคาเรือหาดก็พบว่าข้าหาพดีทรงผู้บิดาที่ชราภาพมรณกรรมไปนานแล้วและยังนอนรอท่าอยู่ในโลงพี่น้องทั้งสองร่ําให้ยังขมขื่นโศกเศร้าไปหนักหนาบรรดาบ่าวไพร่ในครัวเรือนก็พากันมาร่วมไว้อาลัยข้าหาพดีเท่าดูแลทรัพย์สินและกิจการในนาไรา่เอาไว้ได้อย่างวิเศษ ส่งเจียงจึงสามารถเอาใจใส่กับการโปรงศพผู้เป็นบิดาได้เป็นการเฉพาะผู้ว่าการชูโจคนใหม่นิมนต์พระสองฆ์องค์เจ้ามาสวดให้ผู้บ่ายชนบรรดาขุนานางในตำบลและจังหวัดพากันมาร่วมงานในพิธีโดยไม่ขาดสายพอเรกขามถูกกำหนดพี่น้องทั้งสองก็ถือชายผ้าคลุมศพร่างของข้าหาบดีชาราถูกแห่ออกไปฝังให้นอนอย่างสงบอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งบรรดาขุนานางจากในตัวจังหวัด เพื่อนบ้านคนเท่าคนแก่ญาติมิตรล้วนมาเคารพศพกันโดยทั่วหน้าเรื่องนั้นเราจะไม่ขอเล่าให้ยาวความครับส่งเจียงมีใจหวนกระวัดระลึกถึงเจ้าแม่นพระสวรรค์และจําได้แม่นยําว่าตัวยังไม่ได้ไปแสดงความกตัญญูกตาเวทีจึงเอาเงินห้า 0,000 ืนพวงเอแปะจ้างช่างฝีมือมาสร้างศาลเจ้าให้ไม่ช้าก็เสร็จเป็นศาลเจ้าบนยอดเขามีซุ้มประตูทางขึ้นเขามีทางเดินมงหลังคาคู่ขึ้นไปสู่รูปปั้นของเจ้าแม่ ที่ทาสีสันประดับประดางดงามด้วยเกรงว่าหากขืนอยู่นานไปพระจ้ากัรดัชรทรงกริว้วทรงเจียงก็หาเลิกออกทุกข์แล้วทำพิธีสวดต่ออีกหลายวันแล้วแต่งโตเลี้ยงอำลาญาติมิตรสหายและบรรดาผู้อาวุาโสประจำหมู่บ้านวันต่อมาญาติมิตรก็จัดงานเป็นการตอบแทนแสดงความชื่นชมยิน ด, ดีต่อการที่ทรงเจียงได้เป็นขุนนางซึ่งเราจะไม่เล่าให้ยาวความ และแล้วส่งเจียงก็มอบหมายการดูแลเครือขายเอาไว้ในมือของส่งชิงผู้น้องถึงส่งชิงจะได้รับยศเป็นขุนานางแต่ส่งเจียงก็สั่งให้น้องอยู่เฝ้าบ้านบริหารเรือกสวนไร่นาคอยดูแลสุสารบรรพบุรุษส่วนเงินทองที่เหลือติดตัวก็เอาออกแจกจ่ายชาวบ้านร้านถิ่นไปจนหมดสิน้น ขอยกเรื่องสัพเพเฮรักเอาไว้พังพางก่อนครับหลังจากอยู่บ้านนานซสนหลายเดือนสรงเจียนก็ออกเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนร้อนแรมกลับมายังนครหลวงตะวันออกบรรดาพี่น้องจํานวนมากก็พาครอบครัวของตัวไปตั้งรกรากต่างเมืองบางกาะไปรับตําแหน่งใหม่ครอบครัวบรรดาผู้พรีชีพเพื่อราชบัลลังก์ก็นําบําเหน็จรางวัลที่องค์พระจกักรพรรดิประทานให้กลับไปยังภูมิลําเนาของตัวสรงเจียนค่อยๆทยอยจัดส่งกองทัพของตัว ให้แยกย้ายกันไปประจำตามกรมกองต่างๆไม่ช้าครอบครัวของพี่น้องที่เสียชีวิตก็จากไปจนหมดผู้ที่ได้รับแต่งตั้งไปเป็นขุนานางก็อําลาแยกย้ายกันไปรับตำแหน่งตามกระทรวงต่างๆไปจนสิ้นวันหนึ่งไต้จงเทพท่องทางก็มาหาทรงเจียงทั้งสองโอภาปราศัยกันสักครู่ไต้จงก็บอกเรื่องบางอย่าง ผลก็คือส่งเจียงวีระบุรุษแห่งตะบลหยุ่นเชงก็กลายเป็นผีสิงสถิตอยู่บนที่ราบเหลียวเ อ, อิบปรากฏนามจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์นับเป็นพันปีวีรกรรมเป็นที่จดจำไปอีกนานหลายตอนหลายศตวรรษก็จริงดังเขาว่ารูปเขียนติดเอาไว้ที่หอกริติยศในเขตพระสฐานแต่ดวงวิญญาณกลับไปสถิตยอยู่ในสารจา่าแล้วใต้จงไปพูดอะไรกับส่งเจียง ฟังบทถัดไปหากใครจะรู้ช่วงเวลาแห่งวรรณกรรมจีนต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ชุดสองกำจากบทประพันธ์ของซื่อในอัน และโดยอาจารย์จรัสชัยชี่ยวยุทธวันนี้เสนอถึงตอนที่หนึ่งร้มีชื่อตอนว่าสงเจียงเป็นผีสิงสถิตอยู่เหนือทุ่งเหลียวเอิรพระเจ้าหุยจงทรงพระสบินถึงบึงเหลียงซาน จงเทพท่องทางพุดลุกขึ้นแล้วเอ่ยปากกับทรงเจียงว่าเออพระจกักรพรรดิทรงพระเมตตาพระจ้าทานยศให้ไปรับตำแหน่งข้าหลวงเมืองเยียนโจแต่วันนี้ข้าน้อยตั้งใจจะมาขออำลาไปถือชีวิตสันโดษไปเป็นเต้าสืออยู่วิหารภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดไทอานเออแล้วเหตุฉช่นไหนท่านพี่จึงได้เลือกทางเดินเช่นนี้หรือขอรับเออก็เพราะว่าข้าหลับฝันไปว่า มิยอมมาทูดมาเรียกตัวจึงได้ตัดสินใจไปเช่นนั้นท่านพี่ท่านมีเวทมนต์สามารถเดินเหินได้รวดเร็วหากล่วงลับไปแล้วข้าเชื่อว่าท่านจะต้องได้เป็นเจ้าที่เจ้าทางอย่างแน่นมัน่นทั้งสองอำลาจากกันไตจงทิ้งตำแหน่งไปถือบวชเป็นนักพรตเต๋าที่วิหารภูเขาศักดิ์สิทธิ์วันทั้งวันจุดธูปเทียนระเพ็ตบะสวดอ้อนวอนแต่จกักรพัสวรรค์ แม้ไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เพียงไม่กี่เดือนต่อมาก็กล่าวอำลาเพื่อ น, นักพรตของตนแล้วสิ้นลมไปด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบหลังจากนั้นดวงวิญญาณของเทพท่องทางก็ปรากฏร่างขึ้นที่วิหารหลังนั้นบ่อยๆชาวบ้านผู้เลื่อมใสศรัทธาก็พากันเอาโครงกระดูกมาแต่งปั้นขึ้นเป็นรูปเคารพ บ, บูชายวนที่เจ็ดผีมาเกิดพอได้รับแต่งตั้งก็อานาส่งเจี้ยงไปรับตาแหน่งผู้บัญชาการทหารเขตไก่เทียน ต่อมาอีกไม่กี่เดือนขุนพลหวางปิงกับขุนพลเจ้าถันคู่อริที่ถูกปรามาตเอาไว้เมื่อครั้งสมรภูมิคูหาปางหยวนก็หาเหตุร้องเรียนเรื่องดังกล่าวขึ้นไปยังองคมนตรีถงอยู่เป็นนิดไอหมอนั่นเอาเครื่องทรงฟังล่ากับชะดาห ย, ยกมาสวงใส่ถึงตอนนั้นจะเป็นแค่เรื่องตลกแต่มันก็ฝังใจเรามาตลอดทั้งสองกล่าวจะให้เอาหยวนไปฆ่าให้ได้เขตทหารไก่เถียนอยู่ห่างไกลธุรักอันดาน ราษฎรที่นั่นก็หูหน้าบาเทือนมันต้องก่อขบวดขึ้นเป็นแมงมันว่าไม่เล่าพวกเราใช่ใช่ต้องฆ่ามันให้ได้ถงนำเรื่องไปเล่าให้ใช่จริงฟังสมุหานายกใช่ก็นำความขึ้นกราบบุคคทูลพระเจ้าหุยจงขอพระเจ้าานให้ปลดจวนที่เจ็ดออกจากตำแหน่งไล่ให้ไปเป็นราษฎรสามัญเสียตอนที่มีพระบรมราชโองการปรดกล้าวไปตามนั้น ไม่มีผู้ใดจะดีใจไปกว่าหยวนที่เจ็อีกแล้วเขาเดินทางกลับไปหามารดาที่หมู่บ้านป้ายศิลาในบึงเหลียงซานปาะและใช้ชีวิตเยี่ยงชาประมงอยู่ตามเดิมหยวนเลี้ยงดูมารดาจนสิ้นชีวิตตัวเองก็หมดอายุไขไปในวัยห0สท่านชายช้ยจิ้นสลาตันน้อยที่อยู่ในเมืองหลวงพอได้ทราบข่าวว่าไต่จงไปถือศีลเป็นนักพรตและทราบอีกว่าราชสนักสั่งปลดหยวนที่เจ็ออกไปเป็นราษฎร ด้วยเหตุที่มีผู้เชื่อว่าจะมีจิตคิดขบถเพราะแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นฝั่งล่านั่นเองตอนที่เราไปอยู่กับฝั่งล่าก็ได้เป็นถึงพระสวามีเจ้าใช้จิ้นนึกหากไอ้ผู้ขุนนางกลางฉินพวกนี้รู้เขา้าแล้วเอาไปเป่าหูพระเจ้าหุยจงไอ้เราจะไม่ถูกเขาสั่งปลดให้เป็นที่อับอายได้หรื อ, อยากระนั้นเลยเราควรเป็นฝ่ายเริ่มซึก่อนจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปลำบากลําลบนเอาเมื่อปลายมือ โดยอ้างว่าทำราชการต่อไปไม่ถนัดด้วยโรคไขข้ออักเสบที่เป็นเป็นหายหายจึงขอลาไปทำไร่ไถนาเมื่อได้รับอนุมัติใช้จิน้นก็อำลาข้าราชการแล้วกลับไปอยู่วังที่ตำบลแห่งให้ในจังหวัดกังโจตามเดิมมีชีวิตสะดวกสบายเป็นปกติสุขอยู่มาวันหนึ่งก็จากไปทำทั้ง ท, ท, ที่ร่างกายยังแข็งแรงดีลี่หญิงอินสีทยานฟ้าเป็นผู้บัญชาการเขตทหารจงซานได้ครึ่งปีก็ได้ยินว่า ท่านชายใช้จิ้นลาออกจากราชการจึงยกเรื่องไขข้อขึ้นมาอ้างบ้างว่าทำราชการไม่ได้ก็ลาออกกลับไปอยู่บ้านเดิมที่หมู่บ้านมังกรเดียวต่อมาก็สมทบกับตู้สิงไอ ห, หน้าผีร่ำรวยมั่งข้างกันไปทั้งสองคนแล้วก็จบลงด้วยดีจบแล้วยังปา ท, ทุกเฮ้ยบอกให้นั่งเฉยๆก็ไม่นั่งวันหลังไม่ต้องมานั่งคางๆเลยแล้วกวนเชงครับเป็นยังไง ฝ่ายกวนเชิงขุนพลเงาใหญ่เป็นผู้บัญชาการป้อมไข้ต้าหมิงเมืองหลวงมณฑลอุดรมีชื่อเสียงเป็นที่ลือเรื่องกระเดื่องไกลในหมู่ทหารและราษฎรในเมืองนั้นวันหนึ่งเมาระหว่างฝึกทหารตกหลังม้าล้มป่วยแล้วก็จากไปว้ยตายง่ายจังวัฝ่ายฮูเหวินโจโกระบองสองมือได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการผู้หนึ่งประจํากองทหารราชฎรครับที่เมืองหลวงมันฝึกซ้อมไพรพลเป็นประจําทุกวันในปีหลังๆมา นำทัพออกไปรบกับเจ้าฟ้าตาตาทองที่4ถูกฆ่าตายในสนามรบทางตะวันตกของแม่น้ำไหวยจูถงสุภาพบุรูดคราวงามรับราชการเป็นผู้บิชาการป้อมค่ายเป่าติ่งก็จะเริอนรุ่งเรืองต่อมาสร้างชื่อเสียงโดยตามทัพของแม่ทัพเหลิวกวงสือ ไ, ไปรบกับตาตาทองและมาจบชีวิตลงตอนที่ไปดารงตาแหน่งผู้ว่าการทหารเขตทหารไทปิงหัวหลงรีกวงน้อย าพาภรรยาและน้องสาวเข้ารับตําแหน่งข้าหลวงเมืองหญิงเถียนหวูหยงจอมายากลเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวกับใครเขาก็พาเด็กรับใช้คนหนึ่งเดินทางไปรับตําแหน่งผู้ประชาการเขตทหารหวู่เชงลี่ขุยสลาตันดำที่ไม่แต่งงานเช่นกันก็พาเด็กรับใช้สองคนไปรับตําแหน่งข้าหลวงเมืองหลุนโจวเหตุฉะไหนเราจึงได้ไขเรื่องราวของหัวหน้าระดับอาวโุโสเจ็คนก่อนไปจนหมดวาระสุดท้ายของท่านเหล่านั้น แต่ยักให้เรื่องราวตอนจบของหัวหน้าใหญ่อีกสามคนหลังนี้เอาไว้บอกแต่ว่าไปรับตําแหน่งที่นั่นที่นี่เท่านั้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าหัวหน้าใหญ่ทั้งเจ็ดจะไม่ปรากฏเรื่องราวของพวกเขาอีกแล้วส่วนหัวหน้าใหญ่ที่เหลืออีกห้าคนอันประกอบด้วยซ่งเจียงลู่จุนยี่วูหยงหัวหงและลี่ขุยเรื่องราวของพวกเขาจะยังปรากฏอยู่ในพงศ์สวดาลเล่มนี้ต่อไปอีกหน่อยหนึ่งส่วนหัวหน้าระดับรองอีกสิบห้าคนก็มีชะตาชีวิตดังนี้ นอกจากส่งฉิงพัดเหล็กที่ถูกสั่งให้อยู่เฝ้าบ้านแล้วตู้ฉิงไอหน้าผีกลับไปอยู่กับลี่หญิงในชนบทห่วงซินผู้เยียบสามดอยเดืองกลับไปรับตําแหน่งที่ชิงโจซุนลี่ขุนพลขี้โรคพาสุนซินขุนพลน้อยผู้น้องและแม่เสือกู้น้องสะพายรวมทั้งลูกหลานกลับไปรับตําแหน่งเก่าที่เติ้งโจโจรุนมังกรหอนเดียวไม่ปรารถนายศบรรดาศักด์ก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่บนเขาทะเลหมอกใช่ฉิงบ้านเดียว กลับบ้านที่เมืองหลวงวนทนอุดอรในฐานะพลเมืองธรรมดาพร้อมกวนเชิงเปยส่วนคุณธรรมชุดเล็กกับหยางหลินพยักลำพองหลังจากหารือกันจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็ขอกเกษียณกลับไปใช้ชีวิตในหุบเขาหนาม้าตามเดิมเจียงจริงลูกคิดวิเศษคิดถึงบ้านเก่าก็กลับถันโจแบบราษฎรเต็มขั้นจูู่เสียร้อเหลี่ม เรียนรู้คําสอนในลทัทธิเตา๋าจากฟานรุยเจ้าอสูรมวลแผ่นดินไปสักพักหนึ่งก็เกิดดวงตาเห็นธรรมจึงบวชเป็นเต้าสือตามไปทั้งสองใช้ชีวิตท่องเที่ยวไปทั่วแผ่นดินในที่สุดก็ไปจบลงโดยเข้าจําำรรษากับกงซุนเชงมั ง, งกรในม่านเมฆใช้ชีวิตบ้านปลายหมดไปตามอายุไขมู่ซุนกู่ไม่กลับกลับไปใช้ชีวิตพลเรือนที่ตลาดเมืองเจียหยางหลิงเจิ้นอัศนีบาดฟาสวรรค์ผู้ประชาการปืนใหญ่ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้ากรมวัตถุระเบิดหมออันเต้ากวนหมอเทวดากลายเป็นแพทย์หลวงชั้นผู้ใหญ่ในราชสานักหวงฟู่ตวนคราวแดงเข้ารับผิดชอบกรมม้าต้นจินต้าเจี้ยนช่างสลักแขนยกได้เป็นขุนนางในพระครังข้างที่เสี่ยวร้างมือเทวดาเป็นอาจารย์ใหญ่ภายในจวนสมุหานายกไช่เย้โหข้อหอยเหล็กยังอยู่รับใช้ในวังของรัศวามีหวางซึ่งก็มีชีวิตอยู่ไปจนสิ้นชีวิต ซึ่งเรื่องนี้เราจะไม่เล่าต่อหลังจากนั้นส่งเจียงกับลู่จุนยี่ก็จากไปรับตําแหน่งของตนบ้างลู่จุนยี่ที่ไปหลู่โจด้วยไม่มีครอบครัวก็พาเพื่อนร่วมทางไปด้วยไม่กี่คนส่งเจียงเข้าไปถวายบังคมลาพระเจ้าหุยจงกล่าวคําอําลาเสนาบดีต่างๆแล้วออกเดินทางไปฉู่โจพร้อมบ่าวไพรในครัวเรือนจํานวนหนึ่งพอถึงตอนนั้นบรรดาหัวหน้าก็พากันแยกย้ายไปตามทิศทางของตนจนหมดสิน้น จะไม่ขอเล่าให้ยาวความไปอีกครับเพราะว่าใกล้จะจบแล้วนั่นเองตอนที่พระเจ้าไทจงขึ้นถลิงราชสมบัติต่อจากพระเจ้าไทจูผู้สถาบราราชวงศ์ส่งนั้นพระองค์ก็ทรงประกาศพระราโชบายของพระองค์เอาไว้เป็นที่แจ่มชัดอยู่แล้วเป็นแต่ว่าในช่วงท้ายราชสมัยพระองค์ถูกข้าราชบริพารตกตาส่วนพระเจ้าหุยจงองอธิปัตย์ในเวลานี้ก็ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลและทรงมีพระปริชายานอย่างลึก แต่ข้าราชบริพารที่อยู่ใต้เบื้องพยุคนบาทกลับยึดอำนาจการบริหารส่วนใหญ่เอาไว้ในมือคอยอิจฉาฤิษยากลั่นแกล้งและกระทำย่ำยีผู้จงรักภักดีและขุนนางตรงฉินมาโดยตลอดสิ่งนี้เองครับที่เป็นเรื่องที่น่าเวทนายิ่งนะักใช่จริงถงกวนเกากิวและหยางเจี้ยนสร้างความสับสนโอมานทาร้ายอนาประชาราชไพรฟ้าข้าพดินอย่างสาหัสสากัน เกียรติยศชื่อเสียงและบาเหน็จรางวันที่ทรงพระรจาทานลงมาให้ทรงเจียงและบรรดาหัวหน้านั้นเป็นที่เสียดแทงหัวใจของจอมพลเก่ากับจอมพลหยางยิ่งนักทั้งสองจึงปรึกษาหารือกันไอ้ทรงเจียงกับไอ้ลู่จุนยี่เป็นศัตรูของพวกเราเก่าเอ่อยตอนนี้ผมมันได้เป็นขุนานางผู้ใหญ่มีเกียรติยศปรากฏไปทั่วในราชสำนักพอกระโดดขึ้นอานม้าก็ได้บัญชาการกองทัพ พอปลายขาลงมายืนบนพื้นดินก็ได้ปกครองไพร่ฟ้าอน า, าประชาราษพวกเราศีนาวดีตลายเป็นเพียงไอ้มือเราควรทำตามคำโบราณที่ว่าจะเป็นสุภาพชนต้องไม่ตาขาวจะเป็นชาวยุทธก็ต้องอมหิตข้อมีแผนจอมพลอยางเอ่ยเราต้องกําจัดไอ้ลู่จุนยี่ซะก่อนเพราะเท่ากับเป็นการตัดแขนขาของไอ้ส่งเจียงไอ้หมอนี่มันแกรงกล้านะักหากเราทาอะไรไอ้ส่งเจียงก่อน และไอ้ลูกเกิดรู้เข้ามันจะหันมาเล่นงานเรามาลองไขแผนการนี้ออกมาดูทีหรือขอรับก็คือว่าให้ทหารที่ลู่โจท์ทำเรื่องร้องเรียนขึ้นมายังกระทรวงดีกล่าวว่าลูจุนยี่คิดกบฏแอบช่องสูงกำลังสะสมสบเสียงกลางและย่ามาเราก็จะนำพวกนั้นเข้าพบท่านสมุหานายกเพื่อขอให้นำเรื่องขึ้นกราบองคมทูลองพระจักรพรรดิ สว่านายกใช่ก็จะรับเรื่องนี้ไปทำต่อขอพระกรมราชานุญาตเรียกตัวลูกจนยี่เข้ามาสอบถามในวังพอพระจกักรพรรดิพระเจ้าทานเลี้ยงมันเราก็จะแอบเอาบรอดใส่ข้าวให้มันกินประอดก็จะไหลเข้าไปจุกไตมันก็จะเคลื่อนไหวมากไม่ได้จะประกอบกิจการงานสำคัญสำคัญใดๆก็ไม่ถนัดหลังจากนั้นก็ค่อยส่งสุราหลวงใส่ยพิษออกฤทิช้าไม่ให้อิส่งเจียงกิน พอจากนั้นอีกสักครึ่งเดือนก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วเสนาบดีกลางจิ่งทั้งสองก็แอบส่งคนที่ไว้วางใจได้ไปเอาตัวทาหารจากลู่โจมาสองคนเสนาบดีทั้งสองลงมือเขียนดิกามอบให้ทาหารทั้งสองแล้วร้องขึ้นไปยังสภาเสนาบดีฝ่ายกิจการทาหารในหนังสือฉบับนั้นระบุว่าลู่จุนยี่และลมกำลังพลที่ลู่โจสะสมฟ่อนหญ้าและสเสบียงอาหารเตรียมการก่อขบฏ รวมทั้งติดต่อส่งข่าวแจ้งแผนการให้ส่งเจียงที่ฉู่โจซาบเป็นประจำสม่ำเสมอทงกวานองคมนตรีฝ่ายกิจการทหารชิงชงังส่งเจียงไปทุนอยู่แล้วก็รับคำร้องแล้วรีบส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานสมุหานายกใช่อ่านคำร้องแล้วเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเก่าวกับอย่างก็เสนอให้นําผู้ร้องเรียนไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพุยจงโดยตรงการก็เป็นไปตามที่กําหนด คราวที่ทรงเจียงกับลูจุนยี่ยกทัพไปปราบเหลียว ต, ตาตาและต่อด้วยการลงไปปราบฟางล่านั้นพวกเขามีไพร่พลถึงแสนคนแต่ก็ไม่เคยแสดงท่าว่าจะมีจิตใจคิดร้ายพระเจ้าหุยจงทรงมีพระราชดํารัสตอนนี้ทั้งคู่ก็หันมาสู่คลองครองทําและจะคิดกลับไปทําชั่วกลากบฏได้อีกเจยวหรือเราไม่เคยทําร้ายพวกเขาเลยแม้แต่นิดหน่อย พวกเขาจะมีสาเหตุอันใดที่จะไปคิดขบถทรยต์ต่อราชบัลลังก์เรื่องนี้ไม่กลิ่นชอบก้นเราไม่เชื่อหรอกเฮ้ยใต้ฝ่าพนระองทุรีพระบาททรงตรัสเรื่องความจงรักภักดีเก้ากับอย่างกราบบกมทูลแต่จิตใจคนนั้นยากแท้อย่างถึงนะพระเจ้าค่ะลูกจุนยี่อาจจะคิดว่ายศชั้นของเขาต่ำไปไม่พอใจถึงขั้นคิดขบถก็ได้ โชคดีแล้วเกินที่มีผู้รู้เห็นซะ ก, ก่อนเราจะเรียกเจ้าตัวมาสอบถามให้รู้ความจริงด้วยตัวเองจะดีกว่าเฮ้ยใช่กับถงก็กราบราบรกมทูลเสนอขึ้นว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทปกกล้าปกกระมอมลูกจุนยี่ผู้นี้เปรียบเสมือนสัตว์ตาควบคุมยากหนักหนาหากทำมันตื่นมันก็จะเกิดระแวงหากเป็นเช่นนั้นคงจะประดักประเดิดกันนักจะจับก็คงยาก เหตุชันไหนจึงไม่ทําทีเชิญมาร่วมเสวยพระกรยาหารเล่าพระเจ้าค่ะในระหว่างสนทนาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็ย่อมจะยังจิตใจของเขาได้หากไม่มีอะไรพวกเราก็ลืมเรื่องทั้งหมดนี้เสียตัวเขาเองก็จะคิดว่าที่เขาได้รับเชิญก็คงเป็นไปด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทยังจดจําคุณงามความดีของเขาได้ควรไม่ควรแม้แต่จะทรงพระกรุณาพระเจ้าค่ะพระเจ้าหุยจงทรงเห็นชอบ พระองค์ทรงส่งข้าหลวงให้ถือหนังสือไปเรียกตัวลู่จุนยี่มาเข้าเฝ้าที่วังหลวงตอนราชทูตถือหนังสือไปถึงลู่โจบรรดาขุนน้าขุนนางต่างๆก็พากันออกมาต้อนรับแล้วกลับเข้าไปที่ศาลาว่าการเพื่ออ่านพระบรมราชโองการขอละเรื่องปีกย่อยเอาไว้ก่อนครับเมื่อได้ทราบความลู่จุนยี่ก็รีบขึ้นมาเดินทางพร้อมทูตในพระองค์เข้ามาพำนักอยู่ในเรือนรับรองนอกวังพอรุ่งขึ้นอีกวันก็มารอเข้าเฝ้าอยู่ที่ประตูบูรพาฉาย สมุหะนายกใช่จริงองคมนตรีฝ่ายกิจการทหารถงกวานจอมพลเกากิวและจอมพลหยางเจี้ยนก็นำลู่จุนยี่เข้าเฝ้าพอพิธีการต่างๆผ่านพ้นไปแล้วพระเจ้าหุยจงก็ทรงมีพระกระแสะรับสั่งขึ้นว่าเออเราใคร่จะเห็นหน้าท่านอีกเป็นยังไงไปอยู่ที่ลู่โจท่านสุขสบายได้อยู่หรือเออขอข อ, ขอเดชะพระอาญามิผลกล่าว เป็นเพราะเดชะบารมีของไท้ฝ่าละ อ, องธุรีพระบาททั้งทหารและไพร่ฟ้าข้าพปดินมีความสุขกายสบายใจดีพระเจ้าค่ะพระเจ้าหุยจงทรงมีพระปฏิสันฐานกับลูกจุนยี่ไปจนใกล้เวลาเที่ยงเจ้าพนัก ง, งานเครื่องต้นก็ออกมาประกาศว่าขอเดชะหากมีพระราชประสงค์อาหารเที่ยงสาหรับอคตุกะผู้มาเข้าเฝ้าพร้อมแล้วพระยะหาห์ เกากับหยางเอาปลอดใส่อาหารที่นําออกมาตั้งไว้บนโต๊ะพร้อมแล้วพระเจ้าหุยจงก็ทรงมีพระราชบัญชาให้เจ้าพนักงานเครื่องต้นยกสำรับมาให้ลู่จุนยี่ลู่ถวายบังคมและเริ่มรับประทานอาหารท่านต้องดูแลกองทหารของเราที่ลู่โจให้ดีพระเจ้าหุยจงทรงมีพระดํารัสสั่งเราม่ปรารถนาจะให้เกิดเรื่องอะไรยุ่งยากลู่จุนยี่กล่าวรำลึกถึงพร้มหากรณาที่คุณ แล้วถวายบังคมลากลับลู่โจโโไปด้วยไม่ระแคะระคายใดๆถึงแผนการอันชั่วร้ายของพวกขุนนางกลงฉินเหล่านี้ไม่แต่น้อยเราจะเห็นผลได้ในไม่ช้าก้าวกับหยางกล่าวอย่างลิงโลดเริ่มตั้งแต่เขากลับลู่รู้สึกปวดหลังอ่อนเปรียยเพียแรงไปทั้งตัวขี่ม้าก็ไม่ได้จึงไปเรือล่องเรือรอนแรงไปตามแม่น้ําหวได้หลายวันก็ลุถึงแถบเมืองสือโจ เรื่องก็เกิดขึ้นแล้วครับคืนนั้นลู่ดื่มสุรายืนยันจะขึ้นไปยืนบนหัวเรือตอนนั้นประลอดใช่จะไหลไปถึงแต่เพียงตายเพียงอย่างเดียวไหมหากยังซึมเข้าไปในกระดูกอีกด้วยจะยืนก็ยืนไม่มั่นกอบกับในตอนนั้นมึนเมาลู่ก็ตกลงไปจมน้ำตายในแม่น้ำไหวาสายนั้น <c oughs> นั่นเอง <c oughs> โอ้อั น, นิจจาเอย๋ยกิเลนหยกแหงหอเปยมาถูกเขากระทาย่ายีผู้ยีผู้ยา กลายเป็นผีจมน้ำตายใต้ห่วงมหันต์นบศพถูกกู้ขึ้นจากน้ำนำมาใส่ลงแล้วฝังเอาไว้บนเนินเขาแห่งหนึ่งในสือโจขุน mm. นางท้องถิ่นรีบมีรายงานขึ้นไปยังเสนาบดีในวังหลวงพอผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งสี่ทราบก็นำความขึ้นกราบประกมทูลองค์พระจกักรพรรดิขอเดชักพระอาญาไม่ผลกล่าวทั้งสือโจมีรายงานเข้ามาว่าลูจุนยี่ตกน้าตายที่ไม่น้ำหวหากส่งเจียงรู้เขา้า คงจะคิดระแวงและอาจจะกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดพวกข้าพระองค์ใคร่กราบพระคมทูลขอ้ต้ฝ่าละองธุรีพระบาทให้ส่งทูตพร้อมสุราหลวงไปแสดงน้ำพระทยัยปลอบประโลมจิตใจให้เขาสงบลงด้วยเถิดนะพระเจ้าค่ะรักอธิราชทรงครุ่นคำนึงอยู่เป็นนานหากพระองค์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยก็ไม่ทรงมั่นใจได้ว่าส่งเจียรจะมีปฏิกิริยาเช่นใดแต่ก็อีกนั่นแหละ หากทรงเห็นชอบก็เกรงว่าจะนําอันตรายไปสู่ทรงเจี้ยงแต่เมื่อพระองค์ไม่อาจเลือกเป็นอย่างอื่นไปได้ในที่สุดก็ทรงปล่อยพระองค์ให้หลงไปกับคารมแห่งคําโกหกพกลมของพระดาเสนาบดีทั้งสี่จึงทรงมีพระกระแสะรับสั่งให้ข้าหลวงอันเชิญสุราหลวงสองหไปฉูโจงเหตุการณ์กลายเป็นว่าข้าหลวงผู้นั้นเป็นเพื่อนสนิทของเกาแหลกหยางเสอิทชะตาชีวิตลิขิตให้ทรงเจียงเอาไว้เพียงแค่นี้แต่คนไหนใครเลย จะไปคิดว่าผู้ลั่นไกให้ตายสนิทกลับเป็นเสนาบดีกังฉินตัวร้ายทั้งสี่นี่เองพวกเขาเอายาพิษออกเล็กช้าเจือเข้ากับสุราพระรจชทานแล้วส่งให้ข้าหลวงนำไปส่งให้ถึงฉู่โจนับตั้งแต่ส่งเจียงมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการฉู่โจและบัญชาการหน่วยทหารที่นั่นเขาก็เอาใจใส่ฝึกปลือไพร่ผลให้เชี่ยวชาญและซักซ้อมชาวประชาค น, าานให้คุ้นกับการศึก เหล่าทหารก็รักใคร่ปวงราษฎรก็ให้ความเคารพประดุดบิดาตัดสินปัญหาต่างๆด้วยความนุ่มนวลกระบวนการปกครองก็แยบคายถวยราดทั้งหลายให้ความเชื่อฟังเป็นที่เคารพเรื่องใสของใครๆทุกผู้ยามใดที่ว่างเว้นส่งเจียงให้รักเป็นหนักหนาที่จะออกไปเที่ยวเล่นเตร็ดเตยไปนิดในอนาบริเวณที่ราบลุ่มผืนใหญ่เลยประตูชูโจออกไปทางทิศใต้ ที่เรียกกันว่าทุ่งเหลี่ยวเออสถานที่แห่งนั้นถักทอไปด้วยร่างแหแห่งห้วยหน่องคลองละหานตรงกลางทุ่งรากมีเทือกเขาย่อมย่อมเทือกหนึ่งปกคลุมด้วยป่าสนเขียวขจีทิวทัศน์ที่ปรากฏช่างงดงามสะกดให้หวนระลึกลึกจ้อนไปถึงตอนที่อยู่บนเขาเหลี่ยมซานถึงเขาลูกนี้จะมีขนาดย่อมกว่าแต่ทว่ามันก็แวดล้อมด้วยห้วยหน่องคลองละหานทานน้ําใส อีกทั้งเนินเขาและทางเดินเท้าที่วกเวียนขึ้นไปโคตเขินเนินสไลด์ที่แลเห็นเด่นตะโ ง, งกอยู่บนยอดประดุ ด, ดังมังกรขดหลังก่อนดีดผลพยักเตรียมกระโจนเข้าตะกบเหยื่อหน้าผาแหลกเงื่อมชงงอนลดหลั่นเป็นชั้นๆห้วยน้ําผุดกุดน้าําใสเวิ้งวางเวียงไหว้ตโตกทานลานหินทั้งหน้าหลังทั้งสิ้นดังจําลององค์กันมาสถานที่แห่งนั้นร่มรื่นน่าพิรมเป็นที่ยิ่งกระทั่งสรงเจียมก็ยังอดที่จะบอกตนเองไม่ได้ว่า ถึงคราวตายจะมาขอฝังกายเอาไว้ตรงนี้ดังนั้นไม่ว่ายามใดที่เว้นว่างจากภารกิจเป็นต้องมาท่องเที่ยวเที่ยวไปด้วยจิตใจอันเป็นสุขในสิบวันแรกของฤดูร้อนปีที่หกตามักราชส่วนหัวหรือหลังจากที่ส่งเจียงเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการฉู่โจโดได้ครึ่งปีเขาก็ได้รับรายงานว่ามีข้าหลวงอันเชิญสุราหลวงจากเมืองหลวงตะวันออกมาถึง ก็พาบรรดาขุนนางฝ่ายต่างๆออกไปรอต้อนรับพาเข้ามาในเมืองข้าหลวงอันเชิญพระกรมราชองการออกอ่านณนะห้องโถงบนสลาว่าการมอบสุราพระอจะทานให้ดื่มพอส่งเจียงขอให้ข้าหลวงดื่มด้วยกันข้าหลวงผู้นั้นกลับปฏิเสธอ้างแต่ว่าตัวเป็นมัชชวิรัตกินแต่ผักทรงเจียงจึงดื่มไปตามลําพังแต่พอเสร็จพิธีการข้าหลวงผู้นั้นก็รีบเดินทางกลับกระทั่งของกํานันที่มอบให้ก็ไม่ยอมรับ ไม่ทันนานส่งเจียงก็รู้สึกเจ็บในกระเพาะฉุกคิดได้ว่าชะรอยจะมีอะไรเจืออยู่ในสุราไหลนั้นพอตรวจสอบดูจึงรู้ได้ว่าระหว่างเดินทางข้าหลวงที่อ้างว่าตัวเป็นคนไม่ดื่มเหล้ากลับดวดทุกครั้งที่แวะพักตามเรือนรับรองของทางราชการส่งเจียงก็ตระหนักได้ทันทีว่าตัวเสียท่าไปซะแล้วด้วยเชื่อแน่ว่าสุราหลวงไห้นั้นเจือยาพิษก็ได้แต่ทอดถอนใจรำพึงขึ้นว่า เมื่อยังเด็กศึกษาตำราของเจือพอเติบใหญ่มาก็เรียนรู้การเป็นเจ้าพนักงานเคราะหร้ายนักที่ไปทำผิดต้องโทษอาญาแต่ถ้ว่าจะให้คิดขบวนั้นไม่ใฝ่ฝันเลยแม้แต่กระเพียงมาบัด น, นี้พระจกักรพรรดิทรงฟังความขุนนางกำฉิงพระราชทานสุรายาพิษมาให้ดื่มทำกันถึงขนาดนี้มันสมควรแต่การแล้วหรือเชไหนแต่ไี่เป็นไรไปดอกถึงตัวจะตายก็ไม่ว่าเกรงแต่ว่า ี่คุยที่บัดนี้ไปเป็นผู้บระชาการที่หลุนโจหากเกิดไปล่วงรู้แผนการชั่วร้ายของราชสำนักมิแคล้วจะหนีเข้าป่าไปอย่างเก่านั่นมิเท่ากับเป็นการทําลายกิติภูมิแห่งความจงรักภักดีที่คงมั่นที่เราสู้าสาสร้างสมมาชั่วชีวิตหรือเช่นไหนดังนั้นสิ่งที่พอทําได้ในตอนนี้ก็มีเหลือแต่เพียงทางเดียวเท่านั้นในคืนนั้นส่งเจียงรีบส่งคนไปตามลี่คุยจากหลุนโจให้มาพบที่ฉู่โจโดยด่วน นับตั้งแต่มารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารประจำหลุนโจสลาตันดัมลี่ขุยก็มองไม่หดหูอยู่ในหัวใจเรื่อยมามีเพียงสิ่งเดียวที่พอจะเป็นสุขได้ก็คือจมอยู่กับหมู่สนิทมิ ส, สหายและไขสุราไปวันๆพอได้รับหนังสือจากซ่งเจียงก็บอกกับตัวว่าหอพี่ใหญ่ให้หยอย่อมไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วจึงเรียบลงเรือไปพร้อมกับผู้ช่วยพอไปถึงฉูโจก็ตรงไปยังจวนผู้ว่าการในทันที เออนับตั้งแต่พวกเราแยกจากกันพี่ก็คิดถึงแต่พวกเราพี่น้องส่งเจียงเอ่ยท่านอาจารย์บูหยงก็อยู่ใกลถึงมณฑลทหารมูเชงท่านหัวหลงถึงแม้จะอยู่ใกล้ข้หญิงเทียนแต่ก็ไม่เคยได้ข่าวคราวมีแต่เจ้าเท่านั้นละที่อยู่ใกล้เขามาหน่อยดังนั้นพี่จึงเชิญมหาฤาเรื่องสำคัญขอขาดบาตายเฮ้ยมีอะไรหรือขอรับพี่ใหญ่ก่อนอื่น มาดื่มกันก่อนส่งเจียงพาลี่ขุยไปห้องด้านหลังบนโต๊ะมีสุรากับจอกสุรารอท่าอยู่แล้วลี่ขุยดื่มเข้าไปหลายจอกจนกระทั่งมืนได้ที่เออน้องเอ๋ยพี่มีอะไรจะต้องบอกเจ้าส่งเจียงเอ๋ยพอทราบมาว่าราชสนักทรงสุราหลวงสยยาพิษมาให้ หากพี่ตายแล้วเจ้าจะทํำยังไงเฮ้ยก็ ก, กระบวนอสสิพี่ใหญ่ที่ไม่รออะไรฮะรีขุยตะโกนลัน่นเราต้องรบ ก, กับพวกมันเฮ้ยไพ่ผลเราไม่มีแล้วพี่น้องเราก็แตกกระจัดพลัดพลายให้กระเซ็นกระสายกันไปไหนตอนไหนไม่มีเหลือเราจะกะบดได้ยังไงกันเฮ้ยข้าน้อยยังมีทหารเราสามพันคนอยู่ที่จันเจียงพี่ใหญ่ก็มีทหารอยู่ที่ฉูดโจนนี้ เราจะระดมราษฎรท้องถิ่นเอาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซื้อหมาแล้วสู้กับพวกมันกลับไปที่เมืองเหลียญสารกันเราก็จะเป็นสุขอย่างน้อยก็ไม่ต้องมาคอยนั่งฟังใครจมรองรับอาจมของไอ้พวกเสนาบดีขี้ชออีกต่อไปช้าก่อนน้องพี่เราต้องพูดเรื่องนี้กันให้ละเอียดก่อนแน่นอนว่าสลาตันดําไม่รู้ตัวว่าเล่าที่ดื่มไซยาพิษถ่วงฤทธิ์เอาไว้แล้ว คืนนั้นจึงดื่มก็ไปอีกมากโขรุ่งขึ้นส่งเจียงก็พาไปส่งลงเรือเฮ้ยพี่ใหญ่ขอรับจะพร้อมกขบดเมื่อใดหรือขอรับนี่ขุยถามเมื่อนั้นข้าน้อยจะยกทหารมาหนุนปาด ท, ท้น้องเอ้ยอย่าตำหนิพี่เลยส่งเจียงเอ้ยพระจักรพรรดิพระเาะทานเล่าสยาพิษมาให้พี่ดื่มตั้งแต่วันก่อนและพี่ก็ดื่มมันไปแล้วในไม่ช้า พี่ก็จะสิ้นบุญวาสนาตลอดชีวิตที่แล้วมาพี่ยึดถือหลักอยู่สองประการความซื่อตรงจงรักภักดีนึงและคุณธรรมน้ำมิตรอีนึงพี่ไม่เคยกระทําเรื่องช่อฉนมาบัดนี้แม้พี่จะไร้สิทธความผิดราชสักนะก็ยังคิดฆ่าพี่แต่พี่ขอก้มหน้ายอมให้พระจกักรพรรดิกระทําผิดต่อพี่ดีกว่าจะต้องอาจไปคิดร้ายต่อพระองค์ท่านพี่กลัวแต่ว่าหากพี่ตายเจ้าจะกะบฏ ทำลายเกียรติภูมิเรื่องความจงรักภักดีทำลายศักดิ์ศรีแห่งคุณธรรมน้ำมิตรระหว่างที่เรายืนหยัดร่วมกันที่เบืองเหลียงซานดังนั้นพี่จึงได้เรียกเจ้ามาที่นี่และวางยาเจ้าไปด้วยพอกลับไปถึงหลุนโจเจ้าคงไม่รอดแน่แล้วหากเจ้าตายให้มาอยู่เสียด้วยกันที่ทุ่งเหลียวเอ้อ ใต้ประตูเมืองฉูโจลงไปที่ตรงนั้นแหละคือที่ที่พี่สั่งให้คนเอาศพพี่ไปฝังพี่คิดเอาไว้หมดแล้วระหว่างที่พูดน้ำตาส่งเจียงก็พรางพลูออกมาราวสายน้ำลี่ขุยเองก็ร่ำให้ <c oughs> พอพอแล้วพอเถิดขอรับพี่ใหญ่ตอนที่ยังเป็นก็ได้อยู่ดูแลรับใช้ถ้าตายก็จะขอตายเป็นผีพูดน้อยติดสอยให้ตามให้พี่ในช่วงใช้เหมือนอย่างเคย ท่านใดนั้นเองตัวลี่ขุยก็เริ่มหนักร่ำให้อำลาส่งเจี้ยงลงเรือก็จิงดังว่าพอไปถึงหลุนโจยาพิษก็ออกฤทธิ์ในทันทีขณะที่สลาตันดำกำลังจะตายก็สั่งเสียบ่าวไพร่ผู้ใกล้ชิดเออหลังจากข้าตายเจ้าต้องเป็นคนเอาลงศพของข้าไปฝังไว้ข้างๆหลงศพพิใหญ่ในทุ่งเหลียวเออเลยประตูทิศใต้ ของชูโจลงไปต่อมาคนใกล้ชิดก็ปฏิบัติตามนั้นตอนที่ลี่ขวีล่องเรือจากไปส่งเจียงรู้สึกคนหูในหัวใจ ย, ยิ่งนักใจจิตคิดกระวัดไปถึงหู่หยงและหัวหรงด้วยรู้ว่าในชาตินี้จะไม่มีโอกาสได้พบหน้าข้าตากันอีกแล้วคืนนั้นพิษร้ายก็กำเริบจึงเอ่ยปากไปจากเตียงดับจิตสั่งเสียคนรับใช้ใกล้ชิดว่าเออวานพวกท่าน ช่วยปฏิบัติตามความปรารถนาของข้าน้อยด้วยเถิดจงฝังข้าไว้บนเนินดินในทุ่งเหลี่ยวเ อ, อ้อคุณความดีครั้งนี้ย่อมได้รับการตอบแทนรับบากสิว่าจะทำตามนี้พอสั่งเสร็จซ่งเจียงก็สิ้นลมคนใกล้ชิดทั้งหลายเตรียมพิธีฝังศพคุนชายเมื่อที่สามลูกกระตันอยู่ผู้มีมุทิตาจิตไว้ที่ฉู่โจ บรรดาขุนนางในจังหวัดเมื่อได้ฟังคำสั่งเสียของผู้วายชนก็ตกลงใจจะตอบสนองบรรดาผู้ติดตามเจ้าพนักงานทั้งหนุ่มทั้งแก่แบกหีบศพแห่แหนขึ้นไปบนเนินเขาเหนือทุ่งราบเหลียวเออแล้วก่อห่วงซุยฝังเอาไว้บนนั้นไม่กี่วันต่อมาคนรับใช้ก็นำาลงศพรีขุยจากหลุนโจมาถึงตามคาสั่งเสียและก็ฝังเอาไว้เคียงข้างกันตอนนั้นส่งฉิงนอนป่วยอยู่กับบ้าน คนในครอบครัวกลับจากชูโจก็ไปแจ้งข่าวว่าพี่ชายไปเสียชีวิตที่นั่นส่งชิงนั้นกวยเกินจะเดินทางจึงให้หายาติคนหนึ่งไปจัดการพิธีศพและสั่งอยู่ดูแลห่วงซุยที่ทุ่งเหลียวเออให้เป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนบูหยงนั้นตั้งแต่ไปรับตำแหน่งก็ทุกใจตลอดมารำลึกถึงแต่ความใกล้ชิดสนิทสนมอย่างที่ตนอยู่ร่วมกับส่งเจียงทันใดนั้นจู่ๆวันหนึ่งก็รู้สึกหดหู่ใจ ขันเหนือค no ั้นตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุหลับไปคืนนั้นส่งเจี่ยงกับรีคุยก็มาเข้าฝันกระตุกชายเสื้อพวกเรายึดมั่นในความจงรักภักดีและคุณธรรมน้ำมิตรประพฤตตนสุจริตตามลิขิดสวรรค์ไม่เคยคิดร้ายใดๆต่อองค์พระจักรพรรดิเลยทั้งสองกล่าวในความฝัน แต่ราชาสํานักส่งสุราเจือยาพิษมาให้เราดื่มเราสองตายทั้งทั้งที่ไม่มีมนตินใดๆห่วงซุยของเราอยู่ที่ทุ่งเหลียวเอ้อใต้ประตูเมืองชูโจออกไปหากท่านยังจดจำคืนวันอันก่อนเก่าได้ก็ให้แมะไปเยี่ยมหลุมศพของเราบ้างนะขอรับขณะขยับจะถามอดีตอาจารย์ใหญ่ที่ปรึก ษ, ษาทัพก็ตกใจตื่น ถึงจะเป็นแค่ฝันแต่น้ำตานั้นก็กลับแตกออกพระพร่างดังสายฝนลุกขึ้นนั่งบนเตียงอยู่จนกระทั่งรุ่งสว่างพอเช้ามาก็เก็บข้าวของใส่ห่อรีบเดินทางไปฉูโจตามลำพังพอไปถึงก็ทราบว่าส่งเจี้ยงตายไปจริงๆพูดกับใครก็ไม่มีใครไม่ถอนใจใส่หน้าวูหยงจึงไปหาหวงสุยของคนทั้งสองในทุ่งเหลียวเออเก็บกวาดทาความสะอาดหลดุมศพ เส้นไหวดวงวิญญาณของคนทั้งสองเอามือตบกองดินที่กรบร่างทรงเจียมแล้วร่ำให้ดังว่าจะขาดใจ <c oughs> ดวงวิญญาณของท่านยังคงไม่ไปไหนฟังความในใจของข้าน้อยด้วยเถิดข้าน้อยเป็นแต่ครูสอนหนังสือเด็กเล็กในหมู่บ้านตอนแรกก็ติดตามท่านเฉาไก่ต่อมาก็เป็นท่านที่มีพระคุณช่วยชีวิตด้วยบุญบรารมีและคุณความดีของท่าน เราสองร่วมเกียิกันมาหลายสิบ ป, ปีแบบัดนี้ท่านมาจากไปเพื่อพินดินและเมตตามาเข้าฝันข้านนอยยังไม่ทันได้แทนคุณด้วยเหตุนี้ข้าน้อยอินดีถือเอาความฝันไปดังนิมิตจะขอไปร่วมกิจกับท่านยังปอรโลก <c oughs> ท่านทรงเที่ยงนี่คุยรอพี่ด้วย <c oughs> วูหยงร่ำไห้อย่างขมขื่นแต่สินใจจะผูกคอตาย บัตรนั้นเองหัวหลงที่มาถึงฉูโจโดยทางเรือก็กระหืดกระหอบขึ้นมาถึงห่วงซุยพอเห็นมูหยงก็ตกตื่นฮะท่านหัวหลงข้าคิดว่าท่านอยู่ที่หญิงเทียนซะอีก <c oughs> ท่านมาได้ยังไงเนี่ยฮะ <c oughs> ตั้งแต่จากกันไปในครั้งนั้นข้าน้อยก็หาความสุขใจไม่ได้เลยเฝ้าคิดถึงแต่พวกเราพี่น้องคืนก่อนท่านสรงเทียงกับลี่ขุยมาเข้าฝัน บอกว่าพวกท่านถูกวางยาด้วยสุรหลวมจนตายสบฝังไว้ที่ทุ่งเหลียวเ อ, อ้อและบอกว่าหากยังไม่ลืมวันคืนก่อนเก่าก็ให้มาเยี่ยมหลุมศพข้าน้อยจึงทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างรีบรุดเดินทางมาที่นี่ทั้งคืนทั้งวันพา <c oughs> <c oughs> อเองก็ฝันแบบนั้นจึงได้รีบมาที่นี่ที่เราได้มาพบหน้าวันนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าอีกแล้ว ข้ากำลังคิดว่าชาตินี้ยังไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณความเมตตาพระนีของพี่สมงจีนงดนหมดและทนไม่ได้ที่ต้องมาพลัดพรากจากกันเพื่อแสดงออกซึ่งน้ำสไหมตรีและความพักดีในหมู่พี่น้องจะคิดจะผูกอตายท่าไปด้วยในเมื่อท่านอาจารย์ขุนพลคิดเช่นนั้น และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพของข้าน้อยที่มีต่อพี่ใหญ่ส่งเทียมข้าน้อยก็จะขอร่วมทางไปด้วยขอรับหัวรองกล่าวโอ้หนอ้องเอ๋ยข้าน้อยเพียงหวังแต่ว่าหลังจากตัวตายจะได้ท่านมาช่วยกลบฝังเหตุชะไหนจึงได้ตัดสินใจแบบเดียวกันนี้เล่าข้าน้อยเองก็ชังที่จะจากพี่ใหญ่แบบนี้ ข้าน้อยลืมความเมตตาปราณีของพี่ท่านไม่ได้ตอนอยู่ด้วยกันที่เหลียงซานพบพวกเราเป็นคนโทษโชคดีที่พ้นมาเสียได้แถมยังได้ผ่านศึกร่วมกันมาดังผู้กล้าครั้งแล้วครั้งเล่าต่อมาพระจัากระพัดพระรา้าทานอภัยโทษโปรดให้ยกทัพขึ้นเหอือร่องกายใช้ความกล้าสร้างเกียรติภูมิให้ตนเองมาบัดนี้ชื่อเสียงก็ลือเลื่องกระเดืองไกลไปทั้งแผ่นดินแต่ราชาสํานักกลับมาระแวงสงสัย แข็งใจว่าเรากำลังคิดกับเริฟเสริบสารหากพวกนั้นหายไพ่ตั้งข้อหาและจับเราเอาไปฆ่าไอเสียชัยเอาในตอนนั้นก็คงจะสายไปข้าน้อยจึงคิดจะร่วมไปโลกอื่นกับท่านยังจะดีสั ก, กว่าอย่างน้อยก็จะได้ทิ้งชื่อที่ยังสะอาดหมดจดส่วนทัวก็จะได้รับการกลบฝังอย่างถูกต้องตามประเพณีเออน้องพี่ จงฟังให้ดีข้าเป็นเพียงตูคนเดียวเดียวโดดไม่มีผู้ใดมาพึ่งพิงถึงจะตายก็ไม่สำคัญใดใดดอกแต่ท่านนั้นบุตรชายก็ยังน้อยพัญญานั้นเล่าก็สดใสชดช้อยไปหนักหนาพวกเขาจะอยู่กันได้อย่างไรหรือ <c oughs> <c oughs> เออข้อนั้นน่ะไม่มีปัญหาดอกขอรับข้าน้อยทิ้งสมบัติพระสถานเอาไว้เพียงพอให้พวกเขาใช้เลี้ยงตัว อกจากนี้ครอบครัวข้างฝ่ายพัญญาก็คงจะรับผิดชอบเลี้ยงดูพวกเขาสืบไปทั้งสองพากันร้องให้คร่ำครวญแล้วก็ใช้ต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นที่ผูกคอตายที่เรือของหัวหลงคนรับใช้เห็นนายหายไปนานก็นึกเอกใจพากันขึ้นไปดูที่ห่วงซุย เห็นคนทั้งสองสิ้นลมหายใจไปแล้วพวกเขาเรีบแจ้งเจ้าพนัก ง, งานท้องถิ่นจัดหาโลงใส่ศพแล้วฝังคนทั้งสองเอาไว้ข้างศพของซ่งเจียงรวมกันแล้วก็เหมือนเนินย่อมๆสี่ลูกราษฎรเมืองฉูโจได้ยินเรื่องราวก็เกิดความสงสารจึงได้สร้างศาลเจ้าโอ้ยเป็นอนุสร์เคารพเช่นไหว้กันตลอดทั้งปีไม่มีคําอธิษฐานใดไม่ได้รับการตอบสนองขณะเดียวกันที่เมืองหลวงตะวันออกองค์เอกอักราชสนูประถมพกแห่งลัทธิเตา๋า ตั้งแต่พระราชทานสุราหลวงไปให้ส่งเจ้ยนดื่มก็สรงไม่สบายพระรจ้ารัชไทยเป็นยิ่งนะักถึงจะไม่ส่งทราบข่าวคราวแต่ก็ส่งระลึกถึงอยู่เนืองๆแต่เกากิวกับหยางเจี้ยนด้วยจิตใจมุ่งมั่นที่จะผานคนกล้าพระคนจงรักพักดีใช้คําหวานมากราบประคมทูลชักจุงให้พระองค์หลงไหลในความเพลิดเพลินเจริญพระรารัชไทยไปเป็นอย่างอื่นเสมอๆและแล้ววันหนึ่งขณะที่ทรงพร ะ, กะเกษมสําราญอยู่ในพระราชวัง องอธิกะไทยก็ให้หวนกระวัดระลึกถึงนางซื่อื่อขึ้นมาโดยฉับพลันพระองค์ทรงพาขันทีไปด้วยสองคนสเสด็จพระราชดำเนินลอดอุโมงค์รับที่พระราชอุทยานด้านหลังและทรงดึงเชือกผูกกระดิ่งเรียบหญิงสาวรีบรุดมารับสเสด็จและเดินนําพระองค์ไปยังห้องบรรทมอัญเชิญให้ประทับนั่งพระเจ้าหุยจงทรงตรัสสั่งขันทีที่โดยสเสด็จมาด้วยให้ช่วยกันปิดประตูลั่นดานทั้งด้านหลังและด้านหน้า หญิงสาวแต่งองค์ทรงเครื่องตามปกติก้มเกตพระนศด้วยชดชอยโอ้ยหมู่นี้ให้รู้สึกครั่นเหนือครั่นตัวไม่ค่อยสบายใจชบก้นพระเจ้าหุยจงทรงมีพระราชลํารัสแต่ก็ให้หมออันเต้ากวนช่วยดูแลรักษาน้องรักนี่ก็นานหลายเดือนแล้วที่เราสองไม่ได้พบหน้ากันแต่น้องก็อยู่ในใจพี่เสมอการที่เดมมาพบหน้าอีกครั้งนี้ ทำให้พี่ยินดีนะหนาม่อมฉันไม่คู่ควรกับพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละ อ, องธุลีพระบาทดอกเพคะนามซื่อซื่อรีบเตรียมสุราจัดเครื่องเคียงนานาชนิดที่ทรงโปรดหลังจากที่สวยน้ำจันทร์ไปเพียงไม่กี่จอกพระเจ้าหุยจงก็ทรงเคลิมไปประหนึ่งจะหลับไฟตะเกียงก็ไหวพยับวับไหวกระไอเย็นหอบหนึ่งพ่างพรูกรูเกลียวเข้ามาในห้องพระเจ้าหุยจงทอดพระเนตรออกไป ก็ทรงเห็นบุรุษหนึ่งใส่ชุดเหลืองยืนอยู่เบื้องพระพักรฮะพานเป็นใครอ่ะพระเจ้าหวีจงทรงมีพระดำรัสเอกชนไหนใหญ่มายืนอยู่ตรงนี้ขอเดชะข้าพระองค์คือใต้จงแทพท่องทา ง, ท, างทหารเอกผู้หนึ่งของท่านทรงเจียงแห่งเหลียงซานป่าพระเจ้าขา้าแล้วท่านมาทําอะไรที่นี่พี่ใหญ่ทรงเจียมมารอรับสเสด็จอยู่แถวๆนี้พระเจ้าขา้าท่านใช่ข้าพระองค์ มากราบประคมงทูลขอพระเจะาทานว่ารอการเชิญเสด็จไปกับข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าท่านจะพาข้าไปที่ไหนไปณนาที่ที่บริสุทธิ์ยุติธรรมควรไม่ควรก็แล้วแต่จะทรงพระหมหากรณาธิคุณพระเจ้าค้าพระจักรพรรดิทรงประทับยืนขึ้นเสด็จพระราชดำเนินตามใต้จงไปยังสวนด้านหลัง มีม้าตัวหนึ่งรอรับเสด็จพระเจ้าหุยจงขึ้นประทับทรง<อ>ม้าตัวนั้นก็วิ่งทะยานไปท่ามกลางเมฆหมอกสะดับเสียงลมฝนอึงอ้นไปทั้งสองพระกันหนที่สุดก็ไปถึงจะทอดพระเนตรไปทางไหนก็เห็นแต่ทะเลหมอกสลับกับยอดเขาที่ซ่อนฐานอยู่ใต้หมู่เมฆแสงอาทิตย์แสงจันทร์เร้นกายหายไปสิน้นพืนน้ากับผืนฟ้าจะหกันเป็นสีเดียวทุ่งเหลียวเออผืนนั้นเป็นทุ่งหญ้าในที่ลุ่มต่า เต็มไปด้วยหนองคลองระหานหญ้าน้ำนานาพันเบ่งบานตระการตาทั้งดงหมาวยฝักแดงแพงพวยอีกหญ้าแฝกแตกกอเขียวสดนกน้ำเต้นหย่อยๆกระโดดลอยไปตามก้อนหินบนชายหาดเป็ดเทศเป็ดน้ำจับคู่เคียงกันในบึงบัวตามไหลเขื่อนเนินเขาเกล็ดน้ำค้างเปลี่ยนสีสันของพุ่มพลึกให้มัวหม่นและแสงสะท้อนแสงดาวประหนึ่งเกล็ดสวรรค์พันมังกรในดินแดนแห่งเทพนิยาย ยกน้ำค้างตามทางเดินที่ยกสันกันเป็นคันเขื่อนเป่งประกายแวววาวราาในตาทองของสัตว์ป่านานาชนิดดวงเดือนซี่สลดไปกับดาราสองสามดวงกระพิบอยู่ริบหรี่ค่อยๆเคลื่อนคลายขึ้นมาที่ปลายปายามรัติการในเวลานั้นอยู่ในช่วงกลางศาสตร์ฤดูสายลมกรูกเกลียวเย็นเ ย, ยียบน้ำค้างเฉียบหนาราในกระดูกพระเจ้าหุยจงเท้าเธอทรงตลึงลานเมื่อมองทอดพระเนตร ทิวทัศน์ที่งดงามตราการตานั้นไปไม่รู้ที่อิ่มที่แห่งนี้เป็นที่ใดไหนหรือพระองค์มีพระราชธรมรมสัตราถามท่านจะพาข้าไปที่ไหนกันใต้จงก็ชี้ถวายไปยังช่องเขาที่วางตัวอยู่บนยอดแล้วเอ่ยขึ้นว่าขอเดชะอาญามิผลกล่าวที่ตรงนั้นพระเจ้าค่ะหากไอถึงแล้วใต้ป่าละองทุลีพระบาทจะทรงทราบได้เอง ทั้งสองพากันปีนไหล่เขาลอดใต้กำแพงด่านที่มีการป้องกันแข็งแรงไปสามด่านแต่ก่อนจะถึงด่านที่สามมีคนราวร้อยกว่าคนเฝ้าหมอบกราบรอรับเสด็จอยู่บนพื้นข้างทางทั้งหมดสวมหมวกทองผูกเกรียทองถืออาวุธครบครันองค์อธิกไทยก็ให้งงงนันในวงหาไทยเป็นยิ่งนักคนเหล่านี้เป็นใครกันนะบุรุษผู้หมอบอยู่หน้าสุดผู้ฟูสยายรอยู่บนยอดหมวกทองคา สืบท้าก้าวมาถวายบางังคมแล้วเอ่ยขึ้นว่าขอเดชะข้าพระองค์คือส่งเจียงแห่งบึง้องหลียงซานปอบเองพระเจ้าข้าเอา้าก็ข้าแต่งตั้งให้ท่านไปดำรงตําแหน่งผู้ว่าการฉู่โจกแล้วเหตุฉันไหนจึงได้มาอยู่ที่นี่ขอเดชะขอเอาพระบา ร, รมีปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระองค์ใครจะขออัญเชิญใต้บาละอองธุรีพระบาท เสด็จพระราชะดำเนินขึ้นไปบนหอจองรักภักดีก่อนเถิดพระเจ้าค่ะเพื่ว่าข้าพระองค์จะได้กราบประคองทูลมูลเหตุทั้งหมดตั้งแต่ที่ต้องโทษไปจนสิ้นชีพวายปราณพระเจ้าค่ะพอเสด็จพระราชะดำเนินไปถึงหอจองรักภักดีพระเจ้าหุยจงก็เสด็จลงจากหลังม้าเข้าไปในห้องโถงและประทับลงนั่ง ทอดพระเนตรฟ้ามองออกไปภายนอกผู้คนก็พากันมาคุกเข่าเฝ้าแหนอยู่แน่นเนืองพระจักรพรรดิก็ทรงนึกสงสัยเป็นที่ยิ่งท่านใดนั้นเองทรงเจียงก็เข้าขึ้นบันไดมาคุกเข่าลงน้ำตาไหลอาบใบหน้าเหตุชันไหนท่านจึงร้องไห้พระอธิกาไทยทรงตรัสถาม พระเดชชแม้จะเคยสู้รบกับกองทหารของราชสนักมหันหนึ่งแต่ข้าพระองค์ก็สื่อสัตย์จงรักภักดีเป็นล้นพ้นมิมีที่จะเสื่อมคลายหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษข้าพระองค์ก็ขึ้นเหนือไปกวาดล้างไอ้พวกเหลียวตาต้ากออกจากแผ่นดินและลงใต้ไปจับไอ้ฟางล่าภริชีวิตพี่น้องที่เปรียบกระดุนแขนขาไปถึงแปในสิบและเพื่อให้เป็นไปตามพระกรมราชองการข้าพระองค์ ลงมาลับตําแหน่งที่เมืองฉู่โชแต่ก็ไม่เคยรียดนาทาเรนไพร์าฟาประชาชีเอาเข้าพกเข้าหอเลยไม้แต่อีแปดเดียวฝาดินย่อมแยกแยะเจตนาอันบริสุทธิ์ได้สิ้นแล้วแต่ใต้ฝาละ อ, องธุรีพระบาทยัง ท, งทรงทรงสุราหลวงใส ย, ยาพิษมาให้ข้าพระองค์ก็ดื่มและตายไปโดยไม่ได้เนื้อเสียใจอะไรเลยข้าพระองค์เกรงว่ารีขุยจะโกรธและเป็นขบดจึงได้เรียกเขาจากผลโจมาหา แล้วฆ่าชีวิตด้วยสุราพระจ้าทานไหนั้นต่อมาวูยงกับหัวหลงมาคำนับหลมศกด้วยจิตใจที่วีระอาถรรพ์ก็พากันผูกคอตายตามศพเราทั้งสี่จึงถูกฝังรวมกันไว้ที่ทุ่งเหลีย่ยอใต้ประตูเมืองฉูโจขอเดชักใต้ฝ่าระ อ, องธุรีพระบาทบรรดาชาว บ, บ้านร้านถิ่นได้พากันสร้างศาลเจ้าเพื่อเป็นการราลึกถึงพวกเรา ดังนั้นแม้จะตายแต่ดวงวิญญาณของเราก็ไม่เคยหนีหายไปไหนที่พวกข้าพระองค์ยังอยู่ก็เพื่อกราบประคมทูลให้ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงทราบถึงความซึ่งสัตย์ที่ไม่มีวันคลอนคลายเสื่อมสลายและขอให้ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงมีพระราชวิ น, ในใิจฉัยเรื่องนี้ด้วยเถิดพระเจา้าค่ะควรไม่ควรและแต่จะรงพระกลนาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ พระเจ้าหุยจงทรงประหลาดใจเอาก็ข้าทรงสุราหลวงปิดผ น, นึกให้ราชทูตผู้ใดจะกล้ามาสับเปลี่ยนฮะใต้ฝาละองธรีพระบาทตรัสถามข้าหลวงผู้นั้นก็คงจะทราบได้เองพระเจ้าค่ะจะได้รู้เช่นเห็นชาติไอ้พวกคนขี้คลาดที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังเมื่อทอดพระเนตรไปอย่างป้้มค่ายที่แข็งแกรง่งแลกกำแพงด่านแข็งแรงทั้งสามที่รายล้อมอยู่ พระเจ้าฮุยจงก็ทรงนิยมชมชอบเป็นยิ่งนะักนี่คือที่ไหนหรือบึงเหลียงซานพระเจ้าข้าเป็นที่ที่พวกเราเคยอยู่เก่าถึงแม้ว่าพวกท่านจะวายชนไปแล้วพวกท่านยังสามารถไปผุดไปเกิดเป็นคนใหม่ได้แล้วเหตุชะไหนจึงยังมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่อีกขอเดชะองค์พระจักรพรรดิบนสวงสวรรค์สรงทราบซึ้งในความจงรักภักดีของพวกเราจึงโปรดกล่าว ให้มาเป็นเทพพยาดาประจําบึงเหลียงซานแห่งนี้พระเจ้าค้าในเมื่อสถานที่แห่งนี้เป็นอาณาจักรของข้าพระองค์บรรดาหัวหน้าทั้งหลายจึงได้มาร่วมพวกเราส่งท่านใต้จงเทพท่างทางไปกราบบุญคมทูลอันเชิญใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทพระผู้มีราชยานบุตรสบกนับหมืน่นเสด็จมาถึงบึงแห่งนี้เพื่อที่พวกเราจะได้นําเรื่องดังกล่าวนี้ขึ้นกราบบุญคมทูลและเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งน้ําใสใจมั่นคขงของพวกข้าพระองค์ แต่แฉชั้นไหนพวกท่านจึงไม่ไปเข้าเฝ้าข้าที่วังหลวงเล่าขวกข้าพระองค์เป็นผีอยู่ที่ปรโลกจะไปกล้าปรากฏตัวในปร า, าสาท ร, ราชมุลเทียนอันบันเจิดเช่นนั้นได้เช่นใดก็เพราะว่าในวันนี้ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทจะเด็จออกจากวางังดังนั้นจึงส่งพวกเราไปอัญเชิญมาได้พระเจ้าข้าอ้ข้านั่งนานแล้ว จะขอลูกออกไปชมอะไรข้างนอกบ้างจะได้หรือไม่ทรงเจียงโค้งคำนับแล้วอัญเชิญเสด็จพระเจ้าหุยจงออกไปข้างนอกพระอธิตย์กราชทอดพระเนตรขึ้นไปยังป้ายชื่อที่ติดไว้บนคือทางเข้าป้ายนั้นอ่านได้ความว่าหอจงรักพักดีพระองค์ทรงพงกพระเจ้าขณะกําลังจะ ก, ก้าวพระบาทลงตามขั้นบันไดทันใดนั้นเองลี่ขุยถือขวานคู่อยู่ในสองมือก็โผล่ขึ้นมาทางด้านหลังของทรงเจียง เฮ้พระจักรพรรดินะพระจักรพรรดินี่ขุยขู่คำรามเรียกด้วยเสียงดังน่ากลัวเหตุท่านไหนจะได้ฟังความแต่ไอ้สีเเียนาบดีขี้ช่อจงใจทำร้ายพวกเราวันนี้ได้เจอหน้าจะขอเอาคืนสักฉับปาดทั่วว่าพระก็กวัดแกว่งขวานศึกสะอึกเข้าใส่พระอธิการาช พระเจ้าหุยจงตกพระไทยก็ทรงสะดุ้งตื่นจากในมิดฝันพระองค์ทรงสุบินฝันไปแทๆ้ๆแต่ทว่าพระเสโทอาบฉลมพระวรากายใต้แสงตะเกียงที่ปรากฏก็มีเพียงนางซื่อๆนั่งอยู่แต่เพียงผู้เดียวนี่พี่อยู่ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสถามทําไมหรือเพคะใต้ฝ่านงองทุลีพระบาทก็ทรงบนทงอยู่บนพระท่านที่นี่ พระเจ้าหุยจงจึงทรงมีพระกระแสรับสัง่งเล่าเรื่องนิมิตอันแปลกประหลาดให้นางซื่อซื่อฟังนางสนมนอกบัลลังก์ก็กราบประคมทูลขึ้นว่าว่ากันว่าผู้ทรงคุณธรรมนั้นยามตายไปก็จะได้เป็นเซียน เป็นไปได้ไหมเพคะที่ท่านทรงเจียงจะตายไปจริงๆอะแล้วมาปรากฏในพระสุบินของใต้ฝ่าละ อ, องทุลีพระบาทอ้พี่จะตรวจสอบเรื่องนี้ในทันทีหากเป็นจริงพี่จะสร้างสารเจ้าเอาไว้เป็นอนุศ์และพระราชทานพระราชเจตน า, นามตามหลังไปเป็นพระราชดํริที่ดียิ่งนักเพคะมันจะเป็นเครื่องแสดงว่าใต้ฝ่าละ อ, องทุลีพระบาท ไม่เคยลืมเลือนขุนนางตรงฉิงผู้ใดคืนนั้นพระเจ้าหุยจงส่งทอดถอนพระราชฤทย<ม>ัยอยู่เป็นนานมันรุ่งขึ้นพระธิดากราชก็มีพระกระแสรับสั่งให้หาเสนาบดีมาเฝ้าที่พระราชวัง<ม>ในทันทีที่พระองค์ทรงเลิกประชุมใช้จริงถงกวานเกากิวและหยางเจี้ยนด้วยเกรงว่าพระเจ้าหุยจงจะทรงมีพระดำไรถามก็รีบถวายบังคมลาหนีกลับลงมาก่อนมีเพียงจอมพลสู และขุนนางระดับสูงคนอื่นๆเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังเข้าเฝ้าแหนอยู่ต่อเออท่านเจ้าคุณได้ข่าวคราวท่านทรงเจียผู้ว่าการแห่งชูโจบ้างหรือไม่พระเจ้าหุยจงทรงตรัสถามจอมพลสูขอเดชะไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะแค่คืนก่อนข้าองฝันประหลาดนะักไหนลองเล่าให้เราฟังซิ ข้าพระองค์ฝันไปว่าท่านทรงเจียงมหาธิจวนแต่งเนื้อแต่งตัวผูกเกาะสวมหมวกเหล็กตามปกติท่านบอกว่าต้องสุราหลวงสยาพิษที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระจะทานให้จนตายราดชดอนูโจทราบซึ้งในความจงรักภักดีจึงยอศพท่านเอาไปฝังไว้ที่ทุ่งเหลียวเอ้อนอกประตูเมืองทางทิศใต้แล้วตั้งศาลเจ้าไว้กราบไหว้บูชา พระเจ้าหุยจงทรงสสยพระพัก hey, แปลกนักหนาเราเองก็ฝันแบบนั้นเช่นกันพระองค์จึงทรงมีพระกระแสะรับสั่งกับจอมพลสูว่าทรงใครที่ไว้ใจได้ไปสืบเรื่องนี้ดูทีแล้วรี บ, รบกลับมาแรงงานโดยตรงที่เราโดยด่วนสูวก็จัดการไปตามพระกระแสะรับสั่งวันรุ่งขึ้นพระเจ้าหุยจงเสด็จออกวาระการณณพระที่นั่งจารีตประเพณีและบารมีธรรม ในจำนวนผู้เข้าเฝ้ามีข่าวเกี่ยวกับอยางเจี้ยนรวมอยู่ด้วยพวกท่านเสนาบดีมีข่าวคราวจากท่านทรงเจี้ยนหรือไม่พระเจ้าหุยจงทรงมีพระกระแสะรับสั่งประดาคนเหล่านั้นต่างไม่กล้ารายงานความจริงให้ทรงทราบทั้งสองกราบทูลแต่ว่าไม่รู้พระจักรพรรดิทรงสงสยัยทรงรู้สึกไม่สบายพระวรากายยิ่งนัก เมื่อนั้นคนของจอมพลสูก็กลับมาจากฉูโจรายงานว่าท่งเจี้ยงดื่มสุราพระชทานใสายาพิษตายด้วยซาบซึ้งในความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีราษฎรจึงพาไปฝังเอาไว้บนเนินเขาในทุ่งเหลียวเอ่อศพของบูหยงหัวหงและลี่ขุยก็ฝังอยู่ด้วยกันบรรดาชาวบ้านร้านถิ่นพากันสร้างศาลเจ้าขึ้นไว้เป็นอนุสร์ผู้ที่ไปเส้นไหว้ด้วยความจริงใจไม่มีผู้ใดไม่ได้รับการปฏิเสธ จอมพลสูรีบเข้าวังนำเรื่องขึ้นกราบอุปสมุทลพระจกักรพรรดิองค์อธิกรทยัยทรงโศกเศร้าเสียพระไทยเป็นล้นพน้นในวันต่อมาพระเจ้าหุยจงทรงสเสด็จออกวาระการพระองค์ทรงกลี้วเป็นยิ่งนักดำรัดบริพารเก่ากับอย่างต่อหน้าบรรดาขุนนางที่มาเฝ้าแหนในวันนั้นเฮ้ย hey, ไอคนทรยศมัดเท็จพวกมึงคิดจะทำลายแผ่นดินของกูหรือฉันไหนฮะคนทั้งสองรีบซุบตัวลงบนเขา่าโคกศรีรษะ ขอพระเจ้าทานอภัยโทษถงกับชัยก็กราบบุคคลทูลเป็นการให้ท้าย ข, ขอเดชะพระอาญาไม่ผลกล่าวเป็นหรือตายล้วนเป็นชะตาชีวิตที่ถูกเลิขิดเอาไว้ก่อนแล้วพระเจ้าข้าเศนาพอดีเหล่านี้ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการจึงมิบังอาจนํำความขึ้นกราบบุคคลทูลถวายรายงานและอันที่จริงพวกเขาก็ไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อน รายงานจากฉูโจเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้เองพวกเขากําลังจะถวายรายงานอยู่แล้วเราก็แต่ไต้ฝ่าละอองธนีพระบาทตรัสถามเท่านั้นพระเจ้าค่ะและแล้วพระเจ้าหุยจงก็ถูกเสนาบดีถอยทั้งสี่บทความชั่วร้ายทั้งหมดก็ถูกอําพลางไว้อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าหุยจงทรงได้แต่ตวาดไล่เสนาบดีทั้งสองออกไปและก็มีรับสั่งให้ไปเอาตัวทูตหลวงผู้อัญเชิญสุราหลวงผู้นั้นเข้ามาหา แต่ขุณนางผู้นั้นหลังจากกลับจากฉูโจก็ป่วยตายไปโดยกระทันหันวันรุ่งขึ้นจอมพลสูมาเข้าเฝ้ากราบประคมทูลถึงรายละเอียดว่าส่งเจียนได้กลายเป็นเสียนไปสแสแลวสารเจ้าเหลียวเออศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักชาวบ้านที่มาบนบานสารกล่าวเรื่องใดล้วนได้ทั้งสิ้นพระเจ้าวยจงทรงมีพระบัญชาโปรดกล่าวให้ทรงฉิ ง, งไปดารงตาแหน่งแทนพี่ชายผู้วายชน แต่ส่งจิงทรมานด้วยโรคไขข้ออักเสบไม่อาจเข้ารับหน้าที่ดังกล่าวได้จึงได้แต่แสดงความทราบซึ้งในพร่ำหากรนาที่คุณแล้วปฏิเสธไปและบอกด้วยว่าตัวต้องการอยู่ดูแลไร่นาของเครือหับที่หยุดเชงด้วยทราบซึ้งในความกะตัญยูกตะเวทีของส่งเจียงพระเจ้าหุยจงทรงพระราชทานเงินให้หนึ่งแพอีแปที่ดินอีกาพันมู่และพระบรมราชโองการว่า หากทรงชิงมีบุตรชายก็ให้ไปเป็นขุนานางปีต่อมาทรงอันผิงบุตรชายทรงชิงไปสอบหน้าพระที่นั่งจนผ่านจึงได้รับโปรดเกล้าให้เป็นเลขาธิการบัณฑิตในพระองค์แต่นั่นก็ชั้นหลังมาแล้วด้วยคำเสนอแนะของจองพลสูพระเจ้าหุยจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า, พ ร, ร า, าพระราชทธานพระราชนนามต่อท้ายนามทรงเจียนว่าเจ้าพระยาราชพักดี พิริยะประสิทธิ์และพระราชทานทุนท ร, รัพย์ก่อสร้างศาลเจ้าเพื่อเป็นการรำลึกถึงอีกหลังหนึ่งที่บึงเหรียญสามตัววิหารหลักประดิษฐ์สถานรูปปั้นทรงเจียงและวีรชนคนอื่นๆที่พลีชีพเพื่อแผ่นดินพระเจ้าหุยจงทรงประดิษฐ์พระอักษรขึ้นป้ายว่าสามเจ้าราชพักดีเมื่อได้รับพระราชทานทุนทรัพย์แล้วทางการจังหวัดจี้โจ ได้รับดำเนินการก่อสร้างในทันทีดวงวิญญาณส่งเจี่ยงปรากฏร่างขึ้นที่บึงเหลืองมซานบ่อยครั้งพราะศะดรพากันเส้นว่ายอยู่เป็นนิจฉินบนลมลมก็มาบนฝนฟ้าฝนฟ้าก็ตกลงมาถูกต้องตามฤดูกาลทั้งสิน้นณะทุ่งเหลี่ยวเออก็เช่นเดียวกันที่ตรงนั้นราศดรสร้างศาลเจ้าขนาดใหญ่แล้วขยายออกเป็นสองปีกพวกเขาถวายดีกาขึ้นไปก็ได้รับพระราชาาะห์ ราษฎรช่วยกันประดิษฐ์รูปปั้นหัวหน้าใหญ่36รูปไว้บนตัวสารเจ้าตรงกลางและประดิษฐ์สถานรูปปั้นหัวหน้ารองอีก72ตนไว้ที่ปีกทั้งสองข้างมีบ่าวไพร่คอยรับใช้อีกต่างหากราษฎรจากทั้งไกลแหล่ใกล้พากันมาเส้นไหว้บนบานสารกล่าวเคารพเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์เป็นยิ่งนักบรรดาผู้คนผู้รักชาติหวงแหนผื้นแผ่นดินปกปักรักษาไพร่ฟ้าประชาราษฎร ตามพากร้มาจุดทูกวงสวงเพื่อเป็นการรำลึกถึงเส้นไหว้ต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบเนื่องยาวนานต่อกันมานับเป็นหมื่นหมื่นปีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ครั้งโบราณกาลทั้งสองแห่งก็ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันจบบริบูรณ์ ครับเราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายน้าก็ขอถือโอกาสนี้ร่ำลาพี่น้องที่รักเอาไว้ได้วยเวลาแค่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจตุรพิธธะพรชัยทั้งสี่มีอายุวันนะสุขะภาละปฏิพานธนสารสมบัติจงมีเด็ดท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ